ซ้องกลังตอนที่แปดสิบหก่งเจียงสู้สึกที่เทือกเขาความเดียวเจ้าสัวลู่หลงไปติดกับในหุบทุ่งหินผู้บัญชาการทหารโหดจงเป้าผู้นี้เป็นรองแม่ทัพปูเยียน ผู้บัญชการทหารสูงสุดแห่งกองทัพตาต้าเหนียวทั้งปวงเป็นคนร่างกายกำยำสูงใหญ่เป็นพิเศษเป็นนักยุทธศาสตร์ที่หลักแหลมถือดาบสองคมสามง่ามมีหน้าที่พิทักษ์จังหวัดอยู่โจและบังคับบัญชาหน่วยสนับสนุส น, นทัพหลวงทั้งปวงโหกราบบังคมทูลขึ้นว่าขอเดชะพระอาญามิพ้นกล่าวในจังหวัดอยู่โจมีสถานที่แห่งหนึง่งเรียกว่าหกทุ่งหิน ทั่วด้านล้วนลอมเอาไว้ด้วยเขาสูงไม่ถนนตัดเข้าไปเพียงเส้นเดียวและไปตันตรงเชิงเขาข้าพระองค์ตั้งใจจะใช้ทหารม้าสักดสิบกว่าคนล่อให้พวกคนเถื่อนเข้าไปติดอยู่ในหุบเขาแห่งนั้นพอเข้าไปแล้วพวกมันจะถอยก็ไม่ไหวจะไปต่อก็ไม่ได้พวกเราจะปิดล้อมพวกมันเอาไว้ให้อดตายผู้เหยียนถามขึ้นว่าเฮ้ยแล้วท่านจะล่อให้พวกมันเคลื่อนผลเข้าไปได้อย่างไรกันล่ะฮะ ในหุบเขาลกนั้นน่ะโหจึงตอบขึ้นว่ า, อวาเออเมื่อพวกมันยึดสามจังหวัดชายแดนของเราได้แล้วย่อมต้องย่ามใจเป็นยิ่งนักเชื่อว่าอย่างไรซะมันจะต้องคิดมายึดอยู่โจอเป็นอันดับต่อไปหากข้าน้อยส่งทหารออกไปรบกวนพวกมันย่อมจะไล่ตามเราก็ถะลวงพวกมันให้เข้าไปในหุบเขาติดตั้งอยู่ข้างในนั้นวูเหยียนจึงติ่งขึ้นว่า เฮ้ยแผนการยังไม่รัดกุมพอหลังจากลอ่อพวกมันเข้าไปแล้วท่านต้องใช้กำลังจำนวนมากตามเข้าไปบมดขยี้ดูทีสิว่าท่านจะแก้เรื่องนี้ยังไงแม่ทัพโห่ถวายบังคมลาออกมาผูกเกาะขัดดาบเข้ากับสซเอลแล้วขึ้นมา้าพากองทหารราบกลับอยู่โจพอไปถึงก็ระดมกำลังทหารทั้งสิ้นในเมืองจัดแบ่งออกเป็นสามกอง ให้กองหนึ่งอยู่ป้องกันอยู่โจ o. ส่วนอีกสองให้น้องชายทั้งสองคือขุนพลโหชัยกับขุนพลอยู่นำแยกกันไปตีปาโจ o. และฉีโจ o. ตามลำดับกำชับไม่ให้รบชนะเป็นแต่แ้งทําทีเป็นแพแล้วถอยร่นลวงกองทัพส่องให้ตามเข้ามาในเขตอยู่โจ o. แล้วถล่มเข้าไปในหุบเขาทุ่งหินเพื่อให้แผนการขั้นที่สองสแดงฤทธิ์นั่นเองขณะเดียวกันที่ปาโจ o. ส่งเจียงได้รับรายงาน <Hang> ทัพเหลียวบุกมาตีฉีโจอขอรอบเราอาจจะเสียเมืองโรดส่งกองกำลังไปช่วยเหลือด้วยด่วนส่งเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าในเมื่อพวกมันยกปาิิเราก็ไม่มีสิทธิ์พักเราจะใช่โอกาสนี้ยึดอยู่โจซะเล ย, เยว่าแล้วก็ทิ้งกองทหารส่วนน้อยเอาไปรักษาเมืองส่วนตัวก็นำกำลังส่วนใหญ่บ่ายหน้าไปฉีโจเพื่อจะร่วมกับกองทัพลู่จุนยี่ ตอนนั้นกองทัพเหลียวภายใต้การ น, นําของคุนพลโฮช่กําลังเคลื่อนมาทางปาโจก็เจอเข้ากับกองทัพส่งเจียงที่กลางทางระหว่างฉีโจกับป่าโจพอรบกันไปได้สักสองสามตั้งกองทัพโหฮช่ก็เริ่มล่าถอยแต่ส่งเจียงไม่ไล่าตามเพราะต้องการถนอมกําลังไว้ไปช่วยฉีโจนั่นเองพอหูเหวียนโจที่รักษาฉีโจออกรบโหยุนก็ล่าถอยไปอีก ขณะส่งเจียงกําลังหาเรือการเข้ายึดอยู่โจกับลู่จุนยี่ในกระโจมวูหยงกับจูวูก็พากันตั้งข้อสังเกตขึ้นหลายประการวูหยงจึงว่าตาปกติหากไม่คิดจะตีลวงข้าสึกมักจะไม่แบ่งกําลังของตัวออกเป็นสองเช่นนี้เราไม่ควรหลงกลพวกมันนะขอรับลู่จุนยี่ค้านขึ้นว่าเฮ้ยพวกท่านถ้าจะผิดซะแล้วพวกเราบทขยี้พวกมันครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเหตุเั่นไหน พวกมันจึงอยากให้เราไล่ตามเข้าไปหาตัวถ้าเราไม่ใวยโอกาสยึดอยู่โจนในตอนนี้ทั้งที่ยังพอทําได้ต่อไปอาจจะไม่ง่ายนะขอรับข้าน้อยว่าเราควรรุกเสียในทันทีนี้จะต้องไปมัวรออะไรกันฮะท่านพี่ส่งเจียงเห็นด้วยไอพวกคนชั่ว ก, กําลังเปรีย้ยพวกมันจะไม่มีแผนการอะไรได้ตอนนี้โอกาสทองเป็นของพวกเราแล้ว ส่งเจียงเมอนข้อเท็จจริงของสองเสวูหยงและจูบูแล้วสั่งเครื่องทับแบ่งกำลังออกเป็นสามส่วนทั้งน้อยทั้งใหญ่ไล่ตามไปทางอยู่โจโใน ท, ทันทีไม่ช้าหน่วยล่วงหน้าก็ส่งข่าวกลับมารายงานว่ารายงานกองทับเดี๋ยวดักอยู่ข้างหน้าขวางถนนเอาไว้หมดขอรับส่งเจียงจึงควบมาออกไปดู ข้างเถือกเขาลูกหนึ่งทงทิวสีดําแผพลบพื้ดออกไปไกลสุดลูกหูลูกตาส่งเจียงสั่งผู้บัญชาการหน่วยหน้าให้กระจายกําลังออกกองทับเหลียวก็แบ่งกำลังออกเป็นสีสายวางค่ายคนเอาไว้ตั้งท่ารับมืออยู่เบื้องหน้าเขาลูกนั้นสีดําดุจจะคลุมแผ่นดินจนมืดมิดขณะที่ส่งเจียงลู่จุนยี่และพระดาหัวหน้าคนอื่นๆมองออกไปไพรพลเหลียวตาต้านับแสนก็เนืองแน่นกระหนึ่งก้อนเมฆดำทะมึน บุรุษหนึ่งถือดาบใหญ่สองคมสามงา่ามหวางอ่านยืนมานิ่งอยู่หน้าปลายสุดสนามรบฝั่งตรงข้ามทงกิติยศปักอักษรว่าโอ้จงเป้ารองแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพอันเกรียงไกรในพระราชนาจักเหลียวส่งเจียนเอ่ยขึ้นว่าแม่เขาต้องเปนะ็นนักรบชั้นเยี่ยมพูดได้ใครจะปราบมือก่อนคาพูดจะทันพนไปจากริมสีปาก วนเชงขุดพนเงาใหญ่ก็บอกเงาวงเดือนพวกขี่ไปบนหลังม้าสีสว่างสองฝ่ายไม่มีผู้ใดออกปากพอใกล้กันก็ฟาดฟันเข้าใส่กันเป็นการทักทายก็จริงดังเขาว่ามังกรสองตัวพัวพันย่างโกแกวสองแมวใหญ่สู้กันผู้ย่างเนื้อสมันรุกไล่หลบรับขวับเพี่ยว แอนเี่ยวดังหงเหินฟาดฟันใส่กันประหนึ่งครุดยุดยื้อกระพือปีกขมกระแทกคมประกายเหล็กแตกซานเย็นยะเยือกม้าประจันม้าขยับข ย, บขโยกโคกเข็นท่นคลืค่นไปครึ่งผืนฟ้าทั้งสองรบกันไปกว่า30สิเพลงแต่แทนที่ขุนพลโหจะโหมแรงกลับกลายเป็นราข้อห่อม้าหันกลับวิ่งรับตัดเข้าแนวตัววนเชงขย o ม้าตามไป พอพาทหารควบม้าอ้อมเขาส่งเจียงกับทัพก็กวดตามไปสักสี่สิบห้าสิบลี้ทันใดนั้นเสียงคล้องกลองก็ประคมกันขึ้นรอบด้านปานฟ้าถล่มส่งเจียงรีบตะโกนสั่งให้ทัพถอนตัวแต่ทัพเหลียวถะทั่งลงมาจากเนินเขาทางด้านซ้ายสกัดทางถอยเอาไว้ขณะที่กําลังแบ่งทัพออกไปรับมือจากปีกขวาฝั่งตรงข้ามทัพเหลียวก็ตีรัดกันลงมาอีกฝ่ายตัวขุนพลโหนนั้นเล่าก็วกม้าพาทัพที่หนีหวนกลับมาตีทางด้านหน้า องทัพท่งเจี้ยนตกอยู่ท่ามกลางครีมเหล็กถูกทัพเหลียวตัดขาดออกเป็นสองท่อนเครื่องหลังภายใต้การบัญชาการของเจ้าสัวลูกมองไปไม่เห็นส่วนหน้าซะแลว้วพยายามมองหาช่องทางถอยทัพเหลียวอีกหน่วยหนึ่งก็เข้าตีด้านปีกบัดนั้นทหารเหลียวก็พากันโอบล้อมเข้ามาทั่วด้านตวัดใส่ยังดุดันลูกแบ่บรรดาชั้นหัวหน้าทั้งหมดออกรับศึกทั้งซ้ายขวาหน้าหลังพยายามตีฝ่ากออกไปด้วยจิตใจห้าวหาน แต่ทันใดนั้นหมูแม่ก็ก่อตัวขึ้นดำทมึนดังหมึกซึมกระดาษซับแผ่ลามออกไปจับเต็มแผ่นฟ้าสลับกลางวันให้กลายเป็นกลางคืนไพร่พนดูไม่รู้เหนือใต้ลูตื่นตระหนกงกบซันขวัญหายพยายามนำทัพตอฝ่าออกไปให้หลุดทัพเหลียวก็อาศัยเสียงกระโจน ม, มา้าเป็นเครื่องนำทางควบม้าไปดักหน้าเอาไว้ได้ทุกทีไปในที่สุดลูก็หลุดเข้าไปในซอกเขาแห่งหนึ่งจนได้ไกลออกไปยังได้ยินเสียงทหารเหลียวและม้าร้องแววตามมา จึงนำทัพ บ, บุกลึกเข้าไปอีกเจ้าสัวลู่รบไปในห่วงมหันตาภัยจนใกล้เที่ยงคืนก็จนเมื่อนั้นแล้วผายุจึงได้สงบเมฆเบิกฟ้ามูดาราก็พรางพลายอยู่เต็มไปสิน้นกองทัพส่งเพ่งสายตาสำรวจไปทั่วก็พบว่าพวกตัวตกเข้าไปอยู่ในหุบเขาที่มีหน้าผาสูงชันรายล้อมอยู่รอบด้านหาทางขึ้นไม่มีเมื่อนับจานวนไพร่ผลก็พบว่า มีระดับหัวหน้าสิบสองคนทหารเลวอีกห้าพันคนเมื่อรอบข้างมีแต่หน้าผาพวกเขาก็มองหาเถาวันจะปีนขึ้นลูกคิดในใจว่าเฮ้ยคนของเรารบหนักมาทั้งคืนอย่ากระนั้นเลยพักจากคืนรุ่งเช้าแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ตอนที่หมู่เมฆเริ่มก่อตัวและพายุเริ่มพัดนั้นกองทัพส่งเจียงก็มองไม่เห็นอะไรด้วยกรวดทรายพุ่งตลบกลบลูกตา กองซุนเชงที่นั่งอยู่บนหลังม้าก็รู้ในทันทีว่าเป็นเพราะเวทมนต์นั่นเองจึงได้ชักกระบี่กิ่งภายขึ้นร้เวทและตะโกนออกไปว่ายพายุกล้าก็สงบลงกองทับเหลียวถอยออกห่างไม่เข้ามาต่อตีกลิ่นสาบสางที่ชั่วร้ายก็ค่อยๆประราชนาการไปในที่สุดหลังจากปลอดซึ่งการปิดล้อมกองทับทรงหน่วยนั้นก็ถอนตัวขึ้นไปอยู่บนเขาสูงก็พบกับหน่วยอื่น จึงเอาเกวียนสเสบียงล้อมเป็นวงต่างพเนียนพะมีการนับไพร่พลก็รู้ว่าหัวหน้าสิบสามคนรวมทั้งลู่จุนยี่กับไพร่พลอีกห้าพันคนหายไปพอเช้าขึ้นทรงเจียงก็ส่งหูเวียนโจหลินชงฉินหมิงและกวนเชงพร้อมทหารออกค้นหาแต่วันทั้งวันก็หาได้พบร่องรอยอะไรใดๆไม่ ส่งเจียงจึงเอาตำราสวรรค์ทั้งสมเล่มที่ได้รับพระราชทานจากเจ้าแม่นพสวรรค์ขึ้นมาจุดทูปเสียมเสียมสีส่งเจียงรำพึงว่าดวงท่านขุนพลก็ไม่ได้ดูร้ายนี่แต่ดูเหมือนว่าพวกนั้นจะหลุดเข้าไปในวังวนชั่วร้ายในที่ขับขันหนีออกมาไม่ได้นั่นเองด้วยกังวลใจนักส่งเจียงจึงส่งเสีย้ยเจินและเสี้ยเป้าล้อมตัวไปในพรานออกค้นหาลึกเข้าไปในเทือกเขา แล้วก็ส่งชื่อเฉียนซื่อหยงตวนจิงจู้และเก่าเจิง้งออกไปหาข่าวรอบๆพี่น้องเสียเอาหนังเสือออกมาหมถือชะโมกเหล็กบุกลึกเข้าไปในป่าเขาจนพบข้าก็ไม่พบร่องรอยสิ่งปลูกสร้างของผู้คนใดๆนอกจากยอดเขาสูงที่ทอดยาวออกไปลูกแล้วลูกเล่าดังไร้ที่สิ้นสุดทั้งสองดนด้นข้ามเขาต่อไปได้อีกไม่กี่ลูกก็ตกกลางคืนท่ามกลางแสงจันทร์อันขมุก ข, ขมัว ฉับพลันมองตามสันเขาไกลออกไปก็เห็นแสงไฟจากตะเกียงว่าเพาะแบมแเต้นหย่อยๆอยู่บนสันดอยลูกหนึ่งทั้งสองคิดในใจว่าจะต้องมีคนอยู่บนนั้นพวกเราข้าไปดูดีกว่าจะได้หาอะไรกินด้วยโอ้ยบานนี้ก็ดึกมากแล้วท้องร้องอ่ะจอกอ่ะจอกไปๆ ไ, ไ, ไปดูกันทั้งสองรีบตามแสงตะเกียงดวงนั้นไปราวสักนี้กว่ า, ก, วาก็ถึงที่หมายกระท่อมชำรุดทรุดโทรมหลังหนึ่ง ขนาดกว้างสักสองสามห้องซ่อนตัวอยู่ในป่าละมาะแสงตะเกียงลอดออกมาจากรอยแตกที่ฝาบ้านพอผลักประตูเข้าไปก็เห็นหญิงชาราอายุราวหกสิบปีผู้หนึ่งทั้งสองก็วางชคมกเกล็กลงแล้วคำนับหญิงชาราผู้นั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าเออข้านึกว่าพวกลูกชายพากันกลับมาจากราสัตว์แล้วไม่นึกเลยว่าจะเป็นแขกแปลกหนะ้าอย่าได้มารายาไปเลย พวกท่านมาจากไหนกันล่ะฮะท่านในพานแล้วอะไรพาท่านจนมาถึงได้นี่ล่ะฮะเสียเจนตอบว่าพวกเรามาจากครอบครัวพานป่าที่สารตุงแต่บังเอิญมาทำการขายอย่างแถบนี้ใครจะไปรู้ว่าจะต้องมาเจอกับกองทหารรบราฆ่าฟันกันไปทุกที่ไม่มีหยุดหย่อนเงินทุนก็ร่อยหรอลงไปจนเกือบจะหมดตัวแล้วจึงพากันอดอยากต้องกลับเข้าป่าหาจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้พอประทังชีวิตไปนะ่ะ แม่ใหญ่แต่เนื่องด้วยยังไม่ค้นถิ่นจึงหลงกระเซาะกระเซิงมาแม่ใหญ่ขอรับขอพวกเราค้างด้วยสักคืนจะได้ไหมละขอรับเฮ้ยก็อย่างโบราณว่าไว้นั่นแหละว่าจะมีใครที่ไหนแบกบ้านให้กับตัวเออรู้ข้าสองคนก็เป็นในพรานนะข้ารอถ้าพวกเขาจะกลับมาวันนี้แหละถ้าเช่นนั้นจะเป็นไรมี นั่งหลงเถิดข้าจะหุงหาอาหารให้สองพี่น้องเสียขอบพระคุณหญิงชาราโอ้ยแม่ใหญ่ขอบพระคุณเป็นหนักหนาขอรับเออไม่เป็นไรหรอกแขกเนะ่ฮะเราต้องต้อนรับทุกคนนั่นแหละว่าแล้วนางก็เข้าไปด้านในทั้งสองนั่งลงที่ปากประตูในไม่ช้าบุรุษอีกสองคนก็ปรากฏกายขึ้นแบกกระจงมาด้วยตัวหนึ่งแล้วร้องถามขึ้นว่าแม่แม่ ไปอยู่ซะที่ไหนล่ะฮะหญิงผู้ น, นั้นโผล่ออกมาแล้วเอ่ยขึ้นว่าอ๋อกลับมาแล้วเือลูกแม่หวางหวางลงแล้วมาคารวะแขกแม่จะพาพวกเจ้าไปรู้จักเซียเจ้นกับเซียเป้ารีบโค้งคำนับฝ่ายในพรานทั้งสองรีบคืนให้แล้วออกปากถามว่าท่านมาแต่ไหนหรือขอรับอะไรพามาถึงที่นี่ล่ะพี่น้องเซีก็ทวนเรื่องราวที่เล่าให้แม่เท่าฟังน้องคนเล็กบอกว่า เออพวกเราอาศัยอยู่ที่นี่แหละขอรับเราไม่เชื่อว่าหลิวที่สองกับเหลิวที่สามส่วนบิดาคือหลิวที่หนึ่งเสียตายที่ท่านเสียไปนานแล้วเราจึงเหลือเพียงแม่อยู่แต่เพียงผูด้เดียวครอบครัวเราเป็นพรานป่ามายี่สิบสามสิบปีแล้วเส้นทางแถบนี้สลับซับซ้อนนะักพวกเราเองก็ยังรู้จักได้ไม่หมดพวกท่านบอกว่ามาจากสารตุงแล้วเหตุชนไหนจึงได้เข้ามาหากินไกลถึงทิณ น, นี้ จะได้ปลดพวกเราเลยพวกท่านไม่ใช่พรานปตาดอกหรือไรเออไหนไหนก็ในเมื่อพวกท่านรู้อยู่เช่นนี้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะให้เสียแซงพี่น้องเสียตอบพลานคุกเข่าลงเล่าความจริงว่าเออเราก็เป็นในพรานจับสารตรงจริงๆนั่นแหละเราพี่น้องมีนามว่าเสียเชินกับเสียเป้าแต่นานมาแล้วเราตามพี่ใหญ่เ่้าเจี้ยงเขาไปอยู่ในบึงเหลียงซานแต่เมื่อเร็วๆนี้ พวกเราได้รับประธานอภัยโทษแล้วตามท่านพี่ทรงเจียงขึ้นมาปราบพวกเหลียวตาตาไม่กี่วันมานี้ผู้บรนชการทหารโหรบสึกใจกับเราตีทหารหน่วยหนึ่งของเราแตกเราไม่ทราบชะตากรรมพวกเขาจึงใช้เราทั้งสองออกมาหาเขาพี่น้องเหลิวหัวเราะแล้วพูดขึ้นว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นที่แท้พวกท่านก็คือหมู่ผู้กล้าโปรดลุกขึ้นเถิด เราจะชี้ทางให้โปรดพักอยู่ที่นี่เส้นไหลก่อนพวกท่า น, ปนไปในคันทุ ก, กะเราจะอุ่นเหล้าให้แกร้มสะพอกวางหลังจากปรุงกระจงตัวนั้นจนสุกพวกหลิวก็ยกมาบริการพวกเสียระหว่างกำลังดื่มกินสองพี่น้องหลิวก็เอ่ยขึ้นว่าเออพวกเราได้ยินเขาเล่ารือถึงเรื่องกิติศักดิ์ของท่านทรงเจียงแห่งเบืองหลียซานมานานแล้วว่าประพฤติปฏิบัติตามบัญชาสวรรค์ไม่ละร้านชาวบ้านร้านถิ่นที่เป็นคนดี ชื่อเสียงของท่านกระชอนมาไกลถึงอาณาจักรเหลียวเลยทีเดียวนะโอ้พี่ใหญ่ของเรายึดมั่นในความจงรักภักดีและคุณธรรมน้ำมิเป็นที่ตัง้งท่านสามานว่าจะไม่ทำให้ชาวบ้านที่ซื่อสัตย์ต้องเดือดร้อนจะใช้พระคุณเกื้อหนุนคนได้ส่วนพระเดุดนั้นก็จะใช้แต่พวกขุนนางกังฉินเท่านั้นอจริงทีเดียวเราก็ได้ยินเช่นนั้นคนทั้งสี่ยินดียิ่งนัก เรื่องดังกล่าวช่วยให้พวกเขาสนิทสนมกันในเวลาอันรวดเร็วพี่น้องเสียจึงเอ่ยขึ้นว่าเอไพ่พลที่หายไปของเราเป็นพวกหัวหน้ากว่าสิบไพ่พลอีกราวห้าพันคนเรานึกไม่ออกว่าชะตากรรมของพวกเขาเป็นเช่นไรพวกเขาคงไปติดกับอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเฮ้ยพวกท่านไม่สันทั์กับที่ทางแถบนี้เขตนี้ขึ้นสังกัดจังหวัดยูจโจเทือกเขาแห่งนี้ มีสถานที่แห่งหนึ่งชื่อว่าหุบทุ่งหินมีทางตัดเข้าไปตันเส้นหนึ่งรอบรอบล้วนรายล้อมด้วยหน้าผาสูงชันใครหลงเข้าไปเป็นกลับออกมาไม่ได้เข้าใจว่าพวกของท่านคงจะไปหลงอยู่แถวนั้นเป็นแม่นมันเพราะหุบอื่นๆพื้นที่กว้างไม่พอสำหรับจุคนจานวนมากขนาดนั้นส่วนจุดที่ท่านแม่ทัพทรงจีงตั้งค่ายอยู่เรียกว่าเขากว้างเดียวพ้นออกไปเป็นที่ราบกว้างใหญ่ เมาะแก่การศัพย์ระยุทธ์กันได้สะดวกบนาติเขาสามารถมองออกไปได้ทุกทางว่าข้าศึกจะมาจากทิศใดหากท่านต้องการเข้าไปช่วยพวกเขาท่านต้องทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่มีตีฝากําลังที่จุดอยู่นั่นให้แตกพวกศัตรูจะต้องส้มไพรผลส่วนใหญ่เอาไว้ในที่นั้นที่จุดนั้นมีต้นสนขึ้นเต็มไปหมดแต่ตรงทางเข้ามีสนสูงอยู่สองต้นมองดูคล้ายกรดขนาดใหญ่เห็นได้อย่างชัดแต่ไกลแต่จงระวัง เพราะผู้บัญชา ก, การทหารโหมิเวทมนต์แม่ทัพใหญ่ส่งเจียงพึ่งระวังเรื่องนี้ไว้ให้จงหนักพี่น้องเสียขอบพระคุณพี่น้องทั้งสองรีบเดินทางกลับค่ายในคืนนั้นพอเห็นคนทั้งสองส่งเจียงก็รีบถามขึ้นว่าเฮ้ยพวกท่านได้อะไรมาหรือเปล่าทั้งสองก็เล่าไปตามที่พี่น้องหลิวบอกส่งเจียงได้ฟังก็ตกตะลึง รีบเรียกหาวูหยงเข้ามาปรึกษาขณะกําลังพูดกันในทหารชั้นประทวนผู้หนึ่งก็ก้กาวเข้ามารายงานรา่งา น, นตะวันจิงจู้กับซื่อหยงกลับมาพร้อมกับไปเชงขอรับส่งเจี้ยงอุทานขึ้นว่าไปเชงไปติดกับพร้อมกับท่านแม่ทัพลูกประหลาดดีแท้ๆที่เขาหนีออกมาได้ส่งเจี้ยงอุทานรีบเรียกคนทั้งสามเข้ามาในกระโจมตุนจิงจู้เริ่ม เออข้าน้อยกับซื่อหยงพากันออกสำรวจตามภูเขาสูงชับพลันก็เห็นห่อผ้าสกสาริ่งลงมาจากยอดเขาจึงเฝ้าดูมันคลิ่งลงมาจนถึงตีนภูมองดูเหมือนผ้าขนสัตว์พันรอบอะไรสักอย่างจนเป็นก้อนกลมมีเชือกผูกเอาไว้โดยรอบแน่นหนาไม่ชิดพวกเราเรีบตรงเข้าไปจนถึงชายป่าละม้อที่มันตกอยู่ที่นั่นก็เห็นท่านไปเชงอยู่ข้างในไปเชงอธิบายต่อไปว่าวันก่อน ขณะที่แม่ทับลูกับหัวหน้าอีกสิดสองคนทำการรอบอย่างหนักฉับพลันท้องฟ้าก็ผิดดวงตะวันเป็นสีดำมืดพวกเราแยกไม่ออกทิศไหนเป็นทิศไหนได้ยินแต่เสียงมา้าแม่ทับลูสั่งการให้เราตีฟ้าออกไปก่อนจะทันรู้สึกตัวก็หลงเข้าไปติดกับอยู่ในหุบเขามีเทือกเขาและหน้าผาสูงชันล้อมเอาไว้โดยรอบขาดสเสบียงอาหารและฟ่นยาตอนนั้นสถานการณ์ในหน่วยของเราเลวร้ายที่สุด แม่ทับลูกจึงสั่งให้ข้าน้อยกลิ้งตัวลงมาจากยอดเขาเพื่อหาทางกลับบริงานให้พี่ใหญ่ทราบโชคดีที่ข้ามาพบกับท่านซื่อและท่านตวนเข้าพอดีพวกเราหวังให้ท่านพี่ทรงกําลังไปช่วยเหลือพวกเราออกมา้วยด่วนหาไม่พวกเราคงจะตายกันหมดเป็นแม่นมันคืนนั้นสรงเจียงก็เรียกระดมทหารทั้งหมด ให้เสียจ้นกับเสียเป้านำทางไปยังสนคู่ณนปากทางเข้าสู่หุบทุ่งหินมีคาสั่งถ่ายทอดลงมาว่าให้ไพร่ราบและพลม้ารบอย่างสุดกาลังไม่ว่ายัางไงจะต้องงัดจุก ข, ขวดตรงนั้นออกให้ได้ทับซ้งเคลื่อนที่ไปทั้งคืนพอเช้าก็เห็นสนคู่นั้นยืนเด่นเป็นสง่ายอยู่แต่ไกลในทหารภายใต้กระ น, นำของพี่น้องเสียก็รุดตรงไปยังปากทางเข้า ผู้บัญชาการทหารโฮสั่งให้ทหารกระจายกำลังกันออกสองพี่น้องใครจะเป็นรายแรกที่บุกเข้าตีส่งเจียนก็คิดที่จะรุกใหญ่แต่ลิ้นชงหัวสุดดำไม่ฟังอีราฆาอิรมตรงเข้าประจันบาลกับขุนพลโใช่ในทันทีหลังจากรบไปได้สองเพลงหลินชงก็เสือกหอกเข้าไปตรงภูมิของคู่ต่อสู้ร่วงลงจากหลังมา้า ฝ่ายพนเดินเท้าของกองทัพส่งเมื่อเห็นทหารม้าเรียกเลือดได้เป็นรายแรกก็จู่โจมออกไปข้างหน้ารีบขุยสลาตันดำกวัดแกว้งฝานคู่แหว่กองทหารเหลียวเข้าไปในช่องตามด้วยฟานรุยเจ้าสุนม้วนแผ่นดินเป่าสู้ยมทูตจากโล ก, กันเสียงจงและนี่กุลอีกทั้งกองทัพล่บินทั้งพันก็เจาะตามเข้าไปกวัดแกว้งอาวุธดูธมัมะถมแมงหน้าเกรงขามสลาตันดำรีบขุยียพุ่งเข้าใส่ขุนพลโหยุนพอเข้าไปถึงก็มุดใต้ขาหมาเข้าไปจามเข้าให้ที่ขาหน้า ทั้งม้าทั้งคนก็หล่นลงกับพื้นรีบขุยทยานตามฉับทั้งม้าทั้งคนย่อยเป็นเส็ษเนื้อทหารเหลียวกลุ่มรุมกันออกมาข้างหน้าทว่าต้องติดตังเป็นจัง ง, งังด้วยฟานรุยเปาสู้และกองทัพโลบินนั่นเองผู้บัญชาการทหารโหเห็นน้องชายตายไปสองคนก็โอมอ่านเวทมนต์พายุก็พัดตึงขึ้นมเมฆสีดําทะมึนก่อตัวขึ้นบนยอดเขา ยอนหุบทั้งหุบลงไปในหลุมแห่งความมืดมนอ น, อนทกาศ่งเจียงเรียกหากองซุนเชงเต้าสือที่นั่งอยู่บนหลังมา้ากำกระบี่ในมือเอาไว้แน่นทำปากขมุกขมิบสองสามคำเสร็จแล้วก็ตะโกนขึ้นสุดเสียง ป, ปล่อยลมหอบหนึ่งก็พัดขึ้นขับหมู่เมฆให้แตกกระจายออกจากกันดวงตะวันสีแดงก็สาดแสงลงมา กองทหารฝ่ายสรงเจียนโถมก็ใส่ค่าศึกเต็มกำลังเวทมนต์ก็พลันสลายทับส่งไล่ตามมาติดติดผู้บัญชาการทหารโห่ได้แต่ชูดาบควบมา้าหนีออกมาจากสนามรบทับทั้งสองพันตูกันสุดเดชในที่สุดทับเดียวก็แตกหนีก็ตะเล ertest เ, เปิ่งทับมาได้ทีก็รุกไล่เข้าบทขยี้ขณะที่ไพร่าลาบพากันกลุยทางไปตามช่องที่ทอดเข้าไปในหุบเขานั้นทหารเหลียวก็พากันขนก้อนหินมาจุกเอาไว้หลังจากรื้อหินทิ้งแล้ว ก็รุดหน้าเข้าไปในทันทีลู่จุนยี่พอเห็นพวกบุกเข้ามาช่วยก็ร่ําให้ออกมาด้วยความละอายใจทรงเจียงสั่งกองทัพให้หยุดไล่ตามทัพเหลียวเรียกทุกคนกลับไปที่เทือกเขาวกว้างเดียวทั้งคนทั้งม้าของเราต้องการพักแม่ทัพลู่ยิ่งร้องดังขึ้น <c oughs> โอ้ฮ่าฮ่าขันพี่ไม่มาช่วยข้าน้อยคงต้องม่วยมรณาอย่างแน่นอน <c oughs> ขอบพระคุณท่านพี่เกือบไปแล้วกูเกือบตายหมู่ไปแล้วส่งเจียงลู่จุนยี่มูหยงและกองซุนเชงก็ขี่ม้าคล้อเคลียกันกลับค่ายพอไปถึงผู้คนก็พากันถอดเกรอะและพักผ่อนพอวันรุ่งขึ้นมูหยงก็เสนอขึ้นว่าเราควรใชโอกาสนี้เข้ายึดอยู่โจหากทำได้อนจาจักรเหลี่ยก็จะตกอยู่ในอุ้งมือของเรา ส่งเจียงสั่งลู่จุนยี่กับหัวหน้าทั้ง12คนที่พาไพร่พลไปติดกับกลับไปพักผ่อนที่ฉีโจเป็นการชั่วคราวแล้วตัวก็นําหัวหน้าคนอื่นๆเคลื่อนทัพออกจากเทือกเขากวางเดียวตรงไปยังอยู่โจครานั้นผู้บัญชาการทหารโหถอยทัพกลับเมืองเรียบร้อยแล้วแต่ในใจยังเศร้าอยู่ไม่ไายที่เสียน้องชายไปถึงสองคนม้าเร็วก็เข้าไปรายงานว่าไกรงอนกองทัพส่งเจียงกําลังมุ่งมาตีเมืองเราขอรับ โฮได้ฟังก็ยิ่งวิตกขึ้นไปใหญ่ทหารเหลียวขึ้นกำแพงไปดูก็เห็นกองทัพกองหนึ่งแบกธงแดงมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกกองหนึ่งแบกธงเขียวมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือบ่ายหน้าลงมาอย่างที่ฉีโจอย่างรวดเร็วตอนได้รับรายงานซ้ําอีกทีผู้บัญชาการทหารโฮถึงกับตกตะลึงรีบปีนเชิงเทินไปดูด้วยตาตัวเองแต่ผู้เห็นเข้าก็จําจได้ว่าเป็นธงของกองทัพฝ่ายตัวนั้นเอง ธงแดงที่ปรากฏปักตัวอักษรเงินเป็นของไทเจิ้ลสู้จริงพระชามดาราชบุตรเขยนั่นเองคุ้มพลม้ามหาพันส่วนธงเขียวปักอักษรทองประดับยอดธงได้ขนไก่ฟ้าเป็นของขุนพลลี่จี้กรมวังและรองเสนาบดีกรมราชองครักขุนพลผู้นี้สืบเชื้อสายมาจากท่านลี่หลิงขุนพลผู้มีชื่อเสียงครั้งราชวงศ์ฮั่นเป็นเจ้าเมืองสวงโจคุมทหารม้ามาหนึ่งมืนคนขุนพลผู้นี้นี่เอง ที่นำทหารเหลียวลุกข้ามเขามายึดเก้าจังหวัดชายแดนในแผ่นดินส่งพอได้ยินว่าหัวเมืองต่างๆถูกยึดคืนก็รีบ ย, ยกไพร่พลมาช่วยผู้บัญชาการทหารโฮรีบส่งข่าวไปบอกสองทัพที่กําลังยกลงมาอย่าเพิ่งเข้าเมืองส่งกําลังเอาไวท้ทังตอนเหนือของเขาก่อนเพราะข้ายกกําลังออกไปตีส่งเจียงก็ให้ตีกระนาบเข้ามาทั้งซ้ายขวาเสร็จแล้วตนเองก็พาทหารออกไปจากยู่โจพอทัพส่งเจียงยกมาใกล้จะถึงเมือง วูหยงก็เอ่ยขึ้นว่าพวกนั้นปิดประตูเมืองไม่ยอมออกมารบแสดงว่ามันยังไม่พร้อมแต่หากยกทัพออกมาสู้กับเรานอกเมืองแสดงว่ามันวางหน่วยซุ่มเอาไว้เป็นแม่นมันในกรณีนั้นเราต้องแบ่งทัพของเราออกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งเดินหน้าเข้าใส่เมืองอีกสองหน่วยให้คุ้มการปีกทั้งสองข้างคอยรับมือกับการซุ่มก็จริงดังว่าไพร่พลต้องประจ ol ทั้งสามทิศทั้งน้ําทั้งบก ส้มเจียงก็สั่งให้กวนเฉชงนำปีกซ้ายมีส่วนซานกับหาวซื่อหวนช่วยให้หูเวียนโจนำปีกขวามีซานถิงกุ้ยกับโวยติงโกเป็นผู้ช่วยปีกแต่ละข้างมีกำลังพลข้างละ1นึ่งมื่นคนให้เคลื่อนพลอ้อมไปทางหลังเขาอย่างช้าๆส่วนส้งเจียงคงบทับหลวงเคลื่อนตรงเข้าตีอยู่โจขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารโหก็เคลื่อนทับออกมารับมือพวกที่จะเข้าตี2ทับเผชิญหน้าลิ้นชงควบม้าออกหน้าเข้ารบตัวนายสู้กันได้ไม่ถึงห้าเพลง หก็ชักมากลับควบหนีทหารส่งเจี้ยนไล่ตามผู้บัญชาการทหารหวก็แตกทับออกเป็นสองส่วนแต่แทนที่จะพากันหนีเข้าอยู่โจกับลัดล็ออ้อมกำแพงเมืองไปยุดบูยงตะกนสั่งไม่ให้ทับไล่ตามก่อนเสียงร้องจะทำสุดพระชมาดาไท่เจิ้นก็รุกมาทางปีกซ้ายประทะเข้ากับกวนเชงฝ่ายฮูวเวินโจก็รบกับราชองครักษ์ดีกลายเป็นศึกสามเศรา ซากศพทบถ่าวลมซบดินโลหิตหลั่งรินไหลนองไปท้องน้ําผู้บัญชาการทหารโหเห็นชัดว่ากองทัพเหลียวคงเอาชนะไม่ได้จึงคิดจะถอยเข้าอยู่โจแต่ก็ต้องเจอกับหัวหงและฉินหมิงจึงเข้ารบเป็นสามารถพอพลหนีจะเข้าทางประตูด้านตะวันตกก็ปะตรงผิงขุนพลทวนคู่ทั้งสองรบกันอย่างดุดันอีกยกหนึ่งพังนหนีไปประตูด้านทิศใต้ก็เจอจูถงบีบต้องให้รบกันอย่างเลือดสาด เมื่อไม่กล้า ก, กลับเข้าเมืองผู้บัญชาการทหารโหก็จึงตเตลิดตามทางหลวงขึ้นไปทางเหนือแต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวหวงสินผู้เหยียบสามดอยเดือ๋ก็บกดาบใหญ่พุ่งเข้ามาใส่ผู้บัญชาการทหารโหดตกใจมือไม้สัน่นอดีตผู้บัญชาการทหารเคธ ท, ทหารบกชิงโจ่สับดาบใหญ่เข้าใส่หัวมา้ารองผู้บัญชาการทหารแห่งราชนจาจักรเหลียวกระโดดม้าวิ่งหนีอย่างซ่วงกับชื่อซิล2ผู้บัญชาการทหารราบโมเข้ามาจากด้านข้าง กอนัดโหหขึ้นฟ้าโดยไม่รู้เนือรู้ตัวตีลังการ่วงลงมาหน้าฟาดดิน<ม>ขณะเดียวกัน<ม>ทรงวานพวกม้าหอกขนาดมากับพื้นมเมื่อไม่อยากเสี่ยงต่อการทำลายสายสัมพันธ์ฉันพี่น้องพวกเขาก็ร่วมกันสำเร็จโทษโหหเสียที่ตรงนั้น<ม>ทับเหลียวแตกมือหนีเอาตัวรอดพระธรรมดามองไปก็เห็นธงโหหล้มไพรพลแตกหนีเมื่อเห็นว่าสถานการณ์สุดหนัก ตัวก็ควบม้าวิ่งเรียบชายเขาพาทัพธงแดงพานหนีไปรา ช, ชุมคลักนี่ที่ทําการรบติดพันมองไม่เห็นธงแดงก็สำเนียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดพาลาดซะแล้วก็รีบพาทัพธงเขียวอ้อมเขาพากัหนีไปบ้างเมื่อทั้งสามทัพที่รบอยู่ล่าถอยไปทรงเจียงก็ขับทัพของตัวเข้าตีอยู่โจตรงหน้าแล้วก็ยึดได้โดยปราศจากการต้านทานพอเข้าเมืองได้ทรงเจียงก็สั่งไพ่พลออกประกาศสร้างความอุ่นใจให้กับชาวเมือง ให้อยู่ในความสงบแล้วรีบมีหนังสือด่วนไปรายงานข่าวชัยชนะกับข้าหลวงเจ้าที่ถันโจขอแบ่งทัพมารักษาฉีโจแล้วให้โยกย้ายทัพเรือทั้งหมดขึ้นมารอท่ารับคําสั่งที่อยู่โจกับให้เจ้าสวัวลูกแบ่งส่วนแยกออกไปรักษาป่าโจข้าหลวงเจ้าให้ดีใจนักเพราะหัวเมืองหลักสี่เมืองตกมาอยู่ในเขตขันธสีมารีบถวายรายงานเข้าไปในวังหลวงแล้วโยกย้ายทหารเท่าที่จําเป็นไปรักษาฉีโจกับป่าโจ ข้าหลวงเจ้าสั่งหัวหน้าฝ่ายทัพเรือเตรียมเครี่ใบเรือออกเดินทางสถานการณ์ในราชนาจักรเหลียวซุดหนักหัวเมืองใหญ่ๆตอนเหนือได้กลับมาอยู่ในแผ่นดินส่งนับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆฝ่ายกษัตริย์เหลียวตาตาที่ทรงประทับอยู่ณวังหลวงก็มีกระแสรับสั่งประชุมหมู่เสนาอำมาตย์ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนทรงหารืออยู่กับยูซีโปโจินสมุหานายกจูเจียนอุปนายกรวมทั้งเสนาบดีและไม่ทัพผู้ใหญ่ทั้งปวง Hey. ส่งเจียงยกทัพมารุกรานขอบขันธศเมาของเรายึดหัวเมืองขนาดใหญ่ไปถึงสี่แห่งเมื่อมันยึดอยู่โจได้อะไรจะไปห้ามไม่ให้มันยกทัพมาตีเมืองหลวงของเราเยียนจริงยิ่งป้องกันยากอยู่เฮ้ผ hey. ู้บัญชาการทหารโหกับน้องอีกสองคนของเขาก็ถูกฆ่าทั้งหมดสิ้นอยู่โจก็เสียแผ่นดินของเราถูกแพทย์ ภ, ภัยรุมเขา พวกท่านเสนาบดีทั้งหลายมีความเห็นเช่นไรกันบ้างเนี่ยฮะโอ้โหนั่งเงียบเป็นเปาศากเลยนะพวกมงึงผูเยียนไม่ทับใหญ่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสืบท่าออกมาแล้วกราบประคมทูลว่าขอเดชชะอาญาม่ผลกล่าวขอพระองค์อย่าทรงพระวิตตกไปเลยพระเจ้าข้าข้าพระองค์เคยกราบประคมทูลขอทับไปปราบพวกมันหลายครั้งแล้วแต่พระองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตสักกะทยผลก็คือ ไอ้พวกโจรยิ่งกำเริบเสบสารสร้างความไิ่น่าสันตโิโรไปทั่วข้าพระองค์จึงใคร่จะขอพระบรมราชโองการทรงโปรดบัญชาให้ข้าพระองค์นำทัพออกไปจัดการปราบปรามไอ้พวกที่ยกมารุกรานเราและกำหนดเวลาเอาไว้ข้าพระองค์จะจับตัวไอ้ซองเจียงและบันดาหัวหน้ายึดหัวเมืองต่างๆของเรากลับคืนมาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอด่าเชะกษัตริย์เหลียวทรงมีพระบรมราชาอนุ ญ, ญาต พระราชทานทงเสือระดับมุรกราชัญยกรทำเป็นตราประทับทองคําพร้อมพระราชกฤษฎีกาเครื่องกราะทั้งเหลืองทั้งขาวและธงชัยทั้งดําทั้งแดงท่งมีพระกระแสรับสั่งพระราชทานอาญาสิทธิ์ให้เป็นที่เด็ดขาดนักทุกคนผู้ไม่ว่าจะมีต้นกําเนิดมาอย่างสูงทรงเป็นราชวงศ์หรือเป็นบริวารว่านเครือของคุณทหารใดๆก็ตามต้องอยู่ใต้คําสั่งของเสนาบดีวูเหยียนอันเป็นที่ชื่นชอบของเรา จงระดมทัพรีบยกไปโดยไวถืดแม่ทัพใหญ่วูเหียนถือพระราชลัชกรและติ้วเกณฑทหารตรงมายังสนามประลองยุทธเรียกระดมแม่ทัพในกองให้เกณฑ์ไพรพลเหลียวทั้งหมดยกมายังพระนครขณะกำลังยืนอยู่บนประรำพิธีเหียนโซ่บุตรคนโตก็เข้าไปเสนอว่าท่านพ่อขอรับขณะยังระดมทัพไม่เสร็จนี้ ทำไมไม่ใช่ข้านำคนพ้นที่เหยี่ยมหานเหล่านี้ยกล่วงหน้าไปสมทบกับทัพของพระชรรมดาไทเจิ้นกับพระโชคุลักลี่เพื่อตีอยู่โจไปพลางก่อนเล่าพวกเราจะได้ทอนพวกมันลงไปสักแปดในสิบพอท่านพ่อระดมพลเสร็จก็ค่อยตาไปเด็ดไอ้ส่วนที่เหลือเช่นนี้ก็จะง่ายได้ดังจับเต่าในหอยท่านพ่อจะเห็นเป็นประการใดหรือขอรับเสนอได้ดีลูกพ่อถ้าเช่นนั้นจงพาคนม้าไปสักหพัน ผลเดินเท้าระดับหัวกะทิไปอีกสองมืนเมื่อเจ้าไปส่นที่กำลังกับพระชมดาและท่านราชองครักษ์แล้วก็คงจะดีไม่น้อยหากประสบชัยชนะก็รีบส่งม้าด่วนมาบอกเยียนโจดีใจนักระดมศัพท์กำลังได้ก็จากไปอยู่โจก็เพราะว่าบุตรชายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดบูเหยียนไปท้ารพกับกองทัพซ่งนี้เองหน้ากาแพงเมืองอยู่โจ จึงกลายเป็นทางที่ทอดยาวไปสู่เชิงเขาเก้าลี l. และริมฝั่งมหาราีว่านซุยก็กลายเป็นท่าข้ามฟากที่แออัดยัดเยียดและยุ่งเหยิงไปด้วยผู้คนก็จริงดังว่าสวรรค์ยันพัะ ส, สุธาสะเทือนเลื่อนล่าอยู่ใต้กีบทับม้าเข่นขยงฝูงอสุรกายไหวย้ยโยกเมื่อไพร่ลาบยกลงมาเป็นขยงแล้วเฮียนโชจะสู้สุดอย่างไรฟังบทถัดไปหากใครรู้ สองกังตอนที่แปดสิบเจ็ดส่งเจียงรบสึกใหญ่ที่อยู่โจหูเหวียนโจจับคุนพลหนุ่ม เช่นโชยกไปร่วมกับพระชมดาท้ยเจนและราชชมครัคลี่รวมผลที่ตนนำมา 25,000 คนกับทัพที่เหลือก็ได้ 35,000 คนหลังจากดูแลอาวุธยุทธภปกรณ์ของพวกตนให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินหน้าพวกแมวมองก็รีบเข้าไปรายงานเรื่องนี้กับส่องเจียงที่เมืองอยู่โจส่งเจียงก็รีบนาความไปหาเรือกับบูยงที่ปรึกษาทัพท่านอาจารย์ขอรับ เราเอาชนะก อ, องทัพเหลียวมาได้โดยตลอดดังนั้นในครั้งนี้พวกมันจะต้องส่งทหารระดับหัวกะทิและขุนพลชั้นยอดมารบกับเราเป็นแน่แล้วเราจะไม่ยุติธรวิธีทำฉันใดกันดีละขอรับวูหยงจึงตอบว่าวางทัพเอาไว้นอกเมืองแล้วรอพอพวกมันมาก็ให้ออกไปท้ารบหากเราแสดงให้เห็นว่าพวกมันไม่มีปัญญาอะไรพวกมันย่ำถอนทัพกลับไปเองนั่นละซ่งเจียงจึงว่า แม่สติปัญญาอาจารย์ที่ปรึกษาทัพนักยดเยี่ยมนักขรับส่งเจียงสั่งให้ไพร่พลเคลื่อนทัพออกไปนอกเมืองห่างอยู่โจออกไปราวสิบลี้มีที่ราบผืนหนึ่งชื่อฟางซานรายล้อมด้วยเทือกเขาและท่าน้ำใสพอไปถึงก็กระจายกำลังออกไปตั้งค่ายกลชื่อ8ปทิศ9ตอนขึ้นไม่ทันนานกองทัพเหลียวก็ปรากฏตัวขึ้นแบ่งกาลังมาเป็นสามทัพ ทัพหนึ่นำโดยขุนพลหนุ่มเหยียนโชบุตรุชายไม่ทัพใหญ่บูเยียนถือธงดำทัพที่2ของพระชมดาไทายเจิญถือธงแดงและทัพที่3ของขุนพลองค์ครักลี่ถือธงเขียวพอเห็นทัพทรงเจียงก็กระจายกําลังกันออกเหยียนโชนั้นได้รับการศึกษาการยุทธมาจากบิดาโดยตรงความรอบรู้ล้ําลึกฝีมือก็อยู่ในขั้นพลิกแพงพอเห็นค่ายกลของฝ่ายทรงเจียง ก็สั่งให้กองสัญญาณธงเขียวธงแดงส่งสัญญาณให้กองทงหารทั้งซ้ายขวาเคลื่อนย้ายเข้าไปประจำตำแหน่งตามค่ายกลของฝ่ายตนบ้างส่วนตัวเองก็ไต่กระไดฟ้าที่ตั้งอยู่กลางทัพขึ้นไปสังเกตการพอไต่กลับลงมาสีหน้าก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มผู้ช่วยคนหนึ่งจึงถามขึ้นว่าไม่ท่านขุนพลยิ้มย่อง่องใสด้วยเหตุอันใดหรือขอรับเยียนโชจึงตอบขึ้นว่า <laughs> ก้อยไข่คนแปดทิศเก้าตอนอหอยสรงเจียงหาคนไม่รู้เป็นไม่ไหมใช้หลอกผู้ใดไม่ได้รอกข้าจะทําให้มันสนเท่นว่าพราก็สั่งให้ย่ากลองศึกขึ้นสาครั้งตั้งป ร, รามเป็นหออานวยการขึ้นพอเสร็จก็ปีนขึ้นไปบนป ร, รามถือธงสองธงโบกอํานวยทับไปทั้งซ้ายทั้งขวาพอลงมาก็ขึ้นมา้าสั่งไม่ทับในกองให้กระจายกันออกไปประจําที่แล้วขี่ม้าไปแนวหน้าเพื่อไปเชิญกับทรงเจียง ส่งเจียงค่ายกนแปดทิศเก้าตอนของเจ้าหลวงผู้ใดไม่ได้ดอกจะรู้จักค่ายกนของเราหรือเปล่าล่ะฮะเฮ้ยจะมีน้ำยาอะไรว่าไอเจียงเดี๋ยวดูที่มันจะตอบเราได้ไหมขุนพลตาต้าหนุ่มผู้นี้ใครจะประลองการตั้งค่ายกนแข่งกันเช่นนั้นหรือดังนั้นส่งเจียงจึงบัญชาให้ตั้งกระไดฟ้าเของฝ่ายตัวพาบุญยงและจูหวู่ปีนขึ้นไปสังเกตการการจัดกระบวนทัพของฝ่ายเหลียว ทั้งสามทัพเชื่อมโยงกันปีกขวาปีกซ้ายใกล้กันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้อย่างดีเลิศจูวูเห็นเข้าก็จําได้ในทันทีหันมาบอกกับส่งเจียงว่าเฮ้ยยัยใคกระบวนนั้นน่ะมีชื่อว่าวัดธรระบทสามพลังขอรับส่งเจียงต่ายกระไดฟ้ากลับลงมาทิ้งที่ปรึกษาทัพทั้งสองเอาไว้บนหอสังเกตการขี่ม้าไปยังแนวหน้าเอาแซ่ชี้หน้าเหยียนโชครางเอ่ยขึ้นว่าเย็นโช เจ้าตั้งค่ายกนวัฒนมบทกับสามพลังไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยยิปาทุกตาตาหนุ่มตะโกนกลับมาว่าพอเช่นนัน้นเจ้าก็รู้นะสิมาดูเราเปลี่ยนมาดูสิว่าจะยังจำได้อีกหรือไม่<อ>ว่าแล้วก็ชักมากควบกลับไปยังหอสังเกตการปีนขึ้นไปและโบกธงสัญญาโยกย้ายไพ่พลวูห ย, ยงกับจูวู่ที่อยู่บนหอสังเกตการ ดูอยู่ก็เห็นว่าข้าศึกเปลี่ยนข่ายกลเป็นกระบวนกตรรงคาเชนจึงส่งรายงานไปบอกส่งเจี้ยงขณะเดียวกันเยียนโชขึ้นมาโผขึ้นมาเอาอาวุธพาดอ่านมาเย็ยนโชตะกลถามไปอีกว่าเจ้าจำข่ายกล น, นี้ได้หรือไม่ส่งเจี้ยงจึงตอบว่าก็เจ้าเปลี่ยนเป็นกระบวนาการรงคาเชนนะสิตาถ่านุ่มสายหน้าเราไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองแล้วแค่นหัวเราะปีนกลับขึ้นไปโบกทง โดยมีบู๋หยงกับจูบูบนหอสังเกตการคอยจับตาดูอยู่อย่างใกล้ชิดเฮ้ยนั่นมันไข่ก้นแปดทิศเวียนผันนี่จูบู๋เอ่ยขึ้นแล้วแจ้งให้ส่งเจียงสราบตาต่านุ่มหวนกลับมาแนวหน้าอีกครั้งหนึ่งส่งเจียงจำได้หรือไม่ล่ะฮะส่งเจียงหัวเราะเ <laughs> ฮ้ยก็้แค่ไข่ก้นปดทิศเวียนผันไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ย อย่างนี้เขาเรียกหลอกเด็กหลอกเด็กผู้ใหญ่หลอกไม่ได้เย็ยนโชยำพึงกับตัวว่าเราเรียนข่ายกลนพวกนี้กับอาจารย์มาอย่างปิดลับเหุ้เช่นไหนมันจับได้หมดไว้เนี่ยฮะมันจะต้องมีใครบางคนที่ฉลาดปราดเปรืองอยู่ด้วยเป็นแม่นมันไเย็ยยยนชยกลับมายังหอมหน่ยการอีกครั้งบกทงสัญญาขึ้นอีกวาระหนึ่งคราวนี้ไพ่ผลแยกกันออกเป็นแดคูณแดหรือหกสิบสี่ส่วนแต่สอดประสานกันจนหาช่องว่างระหว่างหน่วยต่อหน่วยไม่เจอ จูบูก็จําได้อีกจึงบอกกับบูหยงว่าท่านอาจารย์ขอรับค่ายกลยันแปดทิศของท่านจูก็เลี้ยงนี่แก็บหัวซ่อนหางเอาไว้เป็นอย่างดีไม่มีใครหาเจอทั้งสองส่งคนไปบอกให้ส่งเจียงขึ้นมาดูด้วยตาตัวเองอย่าดูเบาไอ้หนุ่มคนนั้นนะขอรับทั้งสองเตือนส่งเจียงค่ายกลทั้งสี่กระบวน ล, ล้วนเป็นรากฐานของการศึกที่ถ่ายทอดกันลงมาทําได้ไม่มีผิดเพี้ยน กระบวนแรกมีชื่อว่ามหาปฐมบทกับสามพลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นจตุรงคเชนแล้วเปลี่ยนมาเป็นแปดทิศเมียนผันและมาจบลงที่หยันแปดทิศเป็นการดําเนินกระบวนการยุทธที่ไร้เทียมทานเป็นการอํานวยควารที่หาที่ติไม่ได้ไส่งเจียงก็ลงจากขอสังเกตการขึ้นม้าแล้วขี่ไปแนวหน้าเยียนโชเสื้อกปลายเงาข้ําดินดึงม้าหยุดร้องถามขึ้นไปว่า ท่านส่งเจียงรู้จัก่ข้กลกระบวนนี้ของเราหรือไม่ซ่งเจียงจึงว่าเฮเจ้ายัางเป็นเด็กนะักความคิดความอ่านยังอ่อนหัดเปรียบได้ดังกบในก้นบ่อเรียนรู้่ข้กลมาเพียงไม่กี่กระบวนการเปลี่ยนเป็นยันแปดทิศเก็บหัวเก็บหางอย่างนี้แม้แต่เด็กในแผ่นดินส่งก็รู้สิ้น <c oughs> ในเมื่อเจ้าลวงรู้กระบวนท่าของข้าจนหมดไสหมดพุงเช่นนี้ฉันไหนจึงไม่ยกจายไพ่พล ตั้งไข่กนของตอนบ้างละ่ะดูทีสิว่าข้าจะแก้ได้หรือไม่ซ่งเจียนจึงว่าไมข้าคุ้นอยู่ก็แต่ไข่กคนแปดทิศเก้าตอนมันอาจจะดูไม่ลึกซึ้งนักแต่เจ้ากล้าเข้าตีหรือไม่ละ่ะตาต้านลุ้มหัวเราะแล้วว่าฮๆๆ่เฮ้กระบวนไารง่ายอย่างนี้สิ่งคิดเสียจริงอย่าได้คิดเล่นสซกรปรกละ่ะข้าจะความเจ้าให้ดูฮอยดูสิ ว่าพรามก็หันมาสั่งพระชรมดาไทยเจิกับขุนพลราดโชงคาักลี่พร้อมกำลังคนละหนึ่งพันให้เตรียมพร้อมห้าข่าบุกเข้าไปได้แล้วท่านทั้งสองจ้องหนุนตามเข้ามาว่าแล้วกลองศึกของขุนพลหนุ่มก็ย่างขึ้นทรงเจียงสั่งให้ลั่นกลองขึ้นสามครั้งประตูถงก็แวกออกรอให้ขุนพลตาต้าหนุ่มเคลื่อนทับเข้าไปเย็ยนโชระดมขุนพลระดับรองยี่สิบสี่คน พร้อมทัพม้าติดเกราะ อ, อีกหนึ่งพันคนพอนับนิ้วแล้วก็เห็นว่าวันนี้เป็นวันอักขีจึงตัดสินใจว่าจะไม่ตีตรงลงไปตีทางใต้แต่พาหน่วยทหารม้าติดเกรอะของตนอ้อมไปทางซ้ายเพื่อบุกทะลวงเจาะเข้าใส่เป้าหมายทางทิศตะวันตกเฉียงใต้พอสะบัดธงขาวให้คลี่ออกต้านลมก็โถมเข้าหาแต่เขาว่ามีเพียงหนึ่งหน่วยเท่านั้นที่ฝ่านแนวป้องกันของทัพซ่งเข้าไปได้ หากเกาทันที่ปรอยใส่ดันส่วนที่เหลือให้ถอยกลับไปยังที่ตั้งเก่าคุนพลตาต้านุ่มเจาะเข้าไปใกล้จะให้ถึงกลองกลางของส่งเจี้ยงฉับพันนั้นตะแกรงเหล็กสีเงินเหมือนจะผุดขึ้นมาจากดินขวางทางเอาไว้ชายหนุ่มใบหน้าซีดเผือดรำพึงขึ้นว่าเฮ <Auss> ้ยกำแพงนี้มาจากไหนวะจึงสั่งให้ไพร่พนที่ตามมาหันกลับต่ฝ่าออกไปตามทางที่เข้ามา แต่พอกลับหลังหันน้ำทะเลขาวดังหมอกก็แผ่ออกดักหน้าเอาไว้แลไกลสุดสายตาจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่กระแสน้ำคลุ้มคลั่ ง, งปั่นป่วนไม่มีทางออกเย็นโชรีบพาทับโวกลงใต้ด้วยความตื่นตกใจแต่แล้วก็เห็นลูกไฟขนาดใหญ่เปล่งแสงสีแดงดังตะวันชิงพรบิ่งตัวอยู่เบื้องหน้ามองไปข้างหลังไม่เห็นข้าศึกแม้แต่คนเดียวตาตาหนุ่มไม่กล้าสั่งมาให้บุกไปทางนั้น ทั้งหมดจึงมุ่งหน้าไปทางตะวันออกก็พบกับป่าน้ำขวางทางม้าน้ำหนแต่ขแขนงเป็นงาแสงราวเขากวางเมื่อฝ่าออกไปไม่ได้จึงวกขึ้นเหนือหมอกสีดำก็โรยตัวลงมาปิดฟ้าก้อนเมฆสีดำทะมึนก็เคลื่อนเข้ามาบดบางแสงตะวันจนหมดสิน้นมองไปไม่เห็นเส้นลายมือมือดมนดังตกอยู่ในขุมนรกเย็ยนโชสมองตื้อไอส่งเจียงมันคงเล่นเวทมนต์เป็นแน่คุณพลหนุ่มรำพึง ไ ม, ไม่มีทางอื่นแล้วต้องตีผา Ο, ออกไปให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ตีตายไปซะคิดแล้วก็ออกคําสั่งให้ไพร่พลตีฝ่ากูตวาดบุกไปข้างหน้าเฮ้ยคิดจะไปทางไหนวะเนี่ยเด็กน้อยฮะเสียงหนึ่งก็คำรามขึ้นปานฟ้าจะถล่มทลายขณะที่ขุนพลอาวุโสผู้หนึ่งพุ่งม้าออกมาจากข้างทางตีอยเหล็กท่อนหนึ่งหัวตลงมาใส่หน้าผาของเหย็นโช ไม่ได้แดกปุ๊บหรอกตาไววไวป่าท้อด้วยสายตาเฉียบคมและคล่องแคล่วขุนพลหนุ่มใช้งาวงเดือนปัดกระบองท่อนนั้นกระเด็นไปแต่ทันใดนั้นกระบองเหล็กอีกท่อนคู่กันก็หววตามฮ่าตายงาของชายหนุ่มหักออกเป็นสองท่อนก่อนที่จะทันตั้งหละัะ ผู้ต่อสู้ก็ถลานเขาประชิดใช้แขนลิงรวบตัวชายหนุ่มเอาไว้เพียงแค่บิดลําตัวซาเอวหมาป่าก็เอียวสะบัดงัดชายหนุ่มขึ้นจากอานมา้าหนีบเอาไว้ใต้รักแร้เฮ้ยมันไม่ได้อาบน้ํากี่วันแล้วมั้นี่ฮะเฮ้ยเหมือนชิคแปงเลยกูจะไม่ตายเพราะดาบับหรอกกูจะตายเพราะจะแร้บมึงแหละเฮ้ยหน่วยม้าติดเกาะพอหมดหนทางหนี ซ้ำถูกต ว, วัดให้ลงมา้าก็พากันระยอท่ามกลางความมืดแห่งขุมนรกมองอะไรไม่เห็นไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นนอกจากยอมแพ้บุรุษที่เข้าไปจับเฉลยหนุ่มหาใช่ใครอื่นนอกจากขุนพลพยักษ์กระบองสองมือหูเวียนโจพุ้นั้นนั่นเองเมื่อกองสุนชิงผู้ร้ายเวททราบว่าเยียนโชถูกจับได้แล้วก็ถอนเวทมนต์ดวงอาทิตย์ก็ทอแสงจากท้องฟ้าแสกระจ่างลงมาเหนือสนามรบ ขณะเดียวกันพระชรมดาไท่เจนและขุนพลราชโองคารัคลี่พร้อมทหารคนลพันก็รอข่าวว่าจะให้พวกตนหนุนเข้าไปเมื่ อ, อไรแต่เมื่อไม่ได้ยินอะไรจึงไม่กล้าเคลื่อนไหวในที่สุดส่งเจียนก็ปรากฏตัวขึ้นที่แนวหน้าร้องบอกคนทั้งสองว่าท่านทั้งสองหน่วยของพวกท่านทั้งสองยอมแพ้ซะเถิดจะมัวรอหาอะไรฮะเราจับขุนพลเยียนโชวไว้แล้ว พร้อมกันนั้นทหารติดตามก็ได้รับคําสั่งให้พักขุนพลตาต้าหนุ่มออกมาข้างหน้าฉับพลันราชรุกรักลี่ก็ราบพอกโถมมาเข้าใส่หมายใจจะแก้เย็นโชออกมา <What? S 2> ชิ้งหมิงเจ้าสนีบาดสายฟ้าฟาดก็ปลายกระบองฟันหมาพวกมาเขารับมือสอคนปะทะส อ, อาวุธกระทบสองทับก็กูตวาดเข้าใส่กันสุดเสียงราศชคกรักลี่สมาธิหายมือไม้อ่อนปวกเปียกกระบองฟันหมาป่าก็หดใส่ศีรษะ เพียงไม้เดียวกระบองท่านนั้นก็ล่วงผ่านหมวกเหล็กลงไปสู่กระโหลกตัวผู้สวมก็หยอบลงสู่พื้นแฟบดังถุงลมในร้านตีเหล็กภาพที่เห็นเกินไปสำหรับพระชรรมดาที่รีบพาไพร่พลถอยหนีส่งเจียงสั่งไพร่พลไล่ทับเหลียวแตพกพ้าไปยังหมวดรูปในวันนั้นทหารขี่ม้า ก, กว่าสามพันคนถูกจับ ธงทิวระศาสาตราวุธิทิ้งเปลือนกลาดอยู่เต็มหูบเขาส่งจริงก็พาทหารมุ่งตรงไปยังนครเหยียนจิงหมายจะกว่าล้างค่าศึกให้สิน้นยึดแผ่นดินที่เสียไปกลับคืนมาให้หมดเศษเดินกองทัพเหลียวที่เหลือก็หนีกลับไปยังเหยียนจิงแล้วรายงานให้แม่ทัพใหญ่วูเยียนทราบว่าเยียนโฉผู้บุตรถูกจับไปในสนามรบและแม่ทัพในกองทั้งหลายยอมแพ้ขุนพลราชชงรักลี่ถูกครองฉินหมิงตีตายไร่ผลแตกหนีไม่มีผู้ใดทราบว่าไปที่ไหน พระธรรมดาไทายเจนก็หนีเอาตัวรอดไม่มีผู้ใดได้ข่าวอีกเช่นกันบูเหียนได้ฟังความก็ตกใจฮะลูกชายค่าเรียนรู้กาท ห, หารเชี่ยวชาญมาแต่เด็กฝีมือหลวงหลายถูกไอ้ส่งเจี่ยงมันจับไปได้ยังไงวะเนี่ยฮะและข่ายคนที่พวกมันใช้ก็แค่ข่ายคนแปดทิตก้าวตอนธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่น พวกที่มารายงานเสริมฝ่ายท่านขุนพนุ่มของเราวางค่ายกลไปสี่แบบไอ้พวกคนเถื่อนกลับรู้สิ้นแถมยังท้ากลับมาว่าเมื่อเจ้ารู้จักค่ายกลแปดทิศก้อตอนของข้าเจ้าจะกล้าเข้าตีไหมละ่ะเพราะฝ่ายเรานำทหารมาหนึ่งพัน 1, คนเข้าตีทางตะวันตกมันสั่งระดมยิงทัพของเราได้เก่าทันทัพเราทั้งพันหลุดเข้าไปตีมันได้เพียงครึ่งเดียวเพราะเข้าไปได้ท่านขุนพน้อยก็ถูกจับ แต่จะอย่างไรก็ไม่ทราบขอรับผู้เย็ยนรำพึงขึ้นว่าการตีค่ายกนแปดทิศเก่าตอนนั้นง่ายมันต้องมีอะไรพิกแพงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแม่นมันเฮ้ย <Hey! S 1> แต่เราดูจากหอมด้วยกันก็ไม่เห็นทัพของมันเคลื่อนไหวหรือมีการบกทงแต่อย่างไดขอรับบรรดาแม่ทัพในกองที่ตามไปด้วยก็บอกแต่ว่าเห็นแต่เมฆดำเคลื่อนเข้ามาปกคลุมสนามรบขอรับผู้เยนจึงว่า มันต้องใช้เวทหมดแน่ๆหากเราไม่ระดมทหารออกไปยันมันคงต้องบุกเข้ามาถ้าไม่ช น, นะก็ฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้นัดไปซิเลยเฮ้ยพวกใดจะกล้าเป็นแม่ทัพหน้าของข้าได้ทหารระดับสูงสองนายก้าวออกมารับอาสาขุพนพลคนหนึ่งนั้นก็คือขุพนพลช่วงเย่าหน้าเยียนจากกองทัพส่วนกลางและขุพนพลโคตเจรญหยวนจากกองกาลังพิทักพระนคร วู้เยียมยินดีนักเอ่ยขึ้นว่าจงรอบขอบในการเคลื่อนพลเราจะให้กองหน้าไปมือหนึ่งจงไปเบิกทางข้ามเขาที่ไหนจำเป็นก็ให้ลงสะพานกองทัพใหญ่ของเราจะยกตามไปขุนพลทั้งสองอำลาจากไปวูเเยี่ยมจึงแต่งตั้งขุนพลชั้นเอกส1คนและชั้นรองอีก28คนให้คุมทัพหลวงประกอบด้วยไพรพ่พลทั่วราชนาจักรราวสองแสนคนและคิดจะกราบทูลใหกษัตริย์ทรงนำทัพไปด้วยพระองค์เอง ขณะเดียวกันขุพนพลฉวงกับขุนพลโคนำไพร่พนหมื่นคนลัดเลาะมาตามเทือกเขาแมวมองก็ไปรายงานข่าวศึกนี้ให้ทรงเจียงที่อยู่โจทราบถึงทัพที่ยกล่วงลงมาพอทราบข่าวทรงเจียงจึงเรียกแม่ทัพลู่ให้นำทัพมาสมทบให้มากที่สุดระดมทหารจากทั้งฐานโจและฉีโจกรบเรียนข้าหลวงเจ้าให้ขึ้นมาดูการศึกพลางสั่งนายพลเรือที่ประจำอยู่ที่ป่าโจให้สั่งทหารเรือที่นั่นขึ้นฝั่ง แล้วยกพลทั้งหมดมาสมทบที่อยู่โจโดยไว้โดยการคุ้มกันของทหารเรือข้าหลวงเจ้าเดินทางมาถึงอยู่โจเป็นรายสุดท้ายก็เป็นอันว่าทัพทั้งหมดได้มาถึงอยู่โจเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดโอภาปราศัยทักทายกันข้าหลวงจึงเอ่ยขึ้นกับทรงเจียงว่าท่านแม่ทัพสะดมหลักของแผ่นดินดูใต้เท้ายังไม่เหนื่อยล้าอิดโรยเลยแม้แต่น้อยชื่อเสียงเกียรติภูมิและคุณงามความดีที่เป็นรัศมีอันเจิดจรัสของใต้เท้า ยอมจะต้องจารึกต่อไปชั่วลูกชั่วหลานเมื่อข้ากลับไปถึงเมืองหลวงเมื่อใดจะกราบบังคมทูลเรื่องนี้แด่องค์พระจกักรพรรดิให้หมดสิน้นส่งเจียงจึงว่าเออคุณนางช้ยพูน้อยได้ประโยชน์ใดๆอย่างนี้ไม่น่าจะต้องเออถึงดอกขอรับที่ได้อาบกินพระบรมีแห่งองค์พระจกักรพรรดิตากลัศมีแห่งความยิ่งใหญ่ของพระคุณท่านก็คือผลงานอันน้อยนิดอย่างที่เห็นนี่แหละเช่นนี้ใครๆก็ย่อมทําได้ เมื่อเร็วๆนี้ข้าได้ทราบว่าบูเ ย, ยนแม่ทัพใหญ่แห่งราชนาจักรเหลียวระดมไพร่พลหมดทั้งบว่นแขวนได้สองแสนคนและกำลังมุ่งหน้าตรงมาทางนี้จะแพ้หรือช น, นะก็ย่อมขึ้นต่อผลการรบที่จะออกมาข้าจึงใคร่ขอเสนอให้ใต้เทา้าตั้งป้อมให้ไกลจากที่นี่ไปสักสิบห้าลี้คอยดูข้ากับพี่น้องแสดงออกซึ่งความสัิ์สื่อจงรับพักดีในการรบขั้นแตกหักครั้งนี้ด้วยเถิด เมื่อได้อิ่มบุญวาสนาพระบรมีแห่งองค์พระจักรพรรดิเชน่นนี้ข้ามั่นใจว่าจะได้ชัยชนะเพื่อจะได้สนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้โปรดประทานลงมา<อ>ข้าหลวงเจ้าจึงเอ่ยขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านแม่ทัพจงเก็บเกี่ยวโอกาสนี้ให้เต็มที่เถิดขอรับท่านซุนจื้อเคยกล่าวไว้ว่าคาดมากไปนิดคิดน้อยไปหน่อย ล้วนนำมาซึ่งผลแห่งความปราชัยและชัยชนะให้เท้าตรงวางมากให้ทวนทีพิจารณาให้ดีทุกขั้นตอนส่งเจียงกล่าวอำลาผู้แทนพระองค์แล้วยกทัพใหญ่ไปพร้อมแม่ทัพลูกทั้งสองเรียบไปตามชายแดนของตาบลหยงชิงที่ขึ้นสังกัดจังหวัดยู่โจพอไปถึงก็สั่งให้ลงค่ายแล้วตั้งพัเนียดเรียบบรรดาหัวหน้าทุกคนมาประชุมหารือกันในกระโจมบัญชาการส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่า วูเหยียนนากองทัพเหลียวทั้งหมดยกมาตีเรานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยผลการรบจะชี้ชะตาว่าเราจะอยู่หรือจะตายพี่น้องทั้งหลายทุกท่านต้องบักบันไปข้างหน้าอย่าได้ย่อท้อเป็นอันขาดความดีความชอบแม้แต่น้อยนิดก็ได้รับรายงานเข้าสู่ราชาสำนักบําเหน็จจากพระองค์จั ก, กรพรรดิจะได้รับแบ่งสรรปันส่วนก็ได้ทั่วทุกตัวตนไม่ใช่ได้เฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดบรรดาหัวหน้าพาก็ลุกขึ้นแล้วเอ่ยขึ้นว่า พวกเราไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนคำสั่งของพี่ใหญ่เราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อแสดงความกตัญญูสำหรับความเมตตากรนาของท่านพี่แล้วนายทหารชั้นประทวนผู้หนึ่งก็เข้ามารายงานว่ารายงานทูตจากกองทัพเหลียวถือหนังสือมาขอท้ารบครับซ่งเจียงสั่งให้พามาที่กระโจมพอคลี่ออกอ่านก็พบว่าคุพนพลฉวงกับขุพนพลโค แม่ทับหน้าของบู่เยียนมาขอทารบให้เห็นเป็นที่เด็ดขาดในวันพรุ่งส่งเจียงเขียนตอบรับที่ท้ายหนังสือสั่งให้จัดหาสุราอาหารเลี้ยงดูทูตก่อนจะให้กลับคืนไปยังค่ายเพื่อว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันแห่งการตัดสินแพ้ชนะในวันนั้นเป็นช่วงที่ใกล้จะสิ้นสุดฤ ด, ดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวได้เวลาไพร่พลผูกเกาะเอาหนังสัตว์ผมมาให้เกิดความอุ่นกันเต็มยศกองทับส่งกินอาหารเช้าเสร็จก่อนรุ่งสาง พอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาทางขอบฟ้าเบื้องทิศตะวันออกก็รื้อค่ายแล้วเคลื่อนพลก่อนจะไปได้สักห้าลี้ก็เห็นกองทับเหลียวอยู่แต่ไกลข้ามกลางธงสีดำของข้าศึกธงป้ายผ้าของกองทัพหน้าสองพืนก็โบกสะบัดสะท้อนแสงมองเห็นเด่นสง่างามชัด ก, กลองศึกก็สั่งส่งธงทิวก็แบวกออกคุณพ<อ>ลฉวงขี่ม้าข้าออกมาหอกขวางลําตัวมา้าที่ยกย่อสองขาหน้าดีดหกระโดกหลังมาหยุดอยู่ที่ชายสนาม ส่งเจี้ยงยืนมาอยู่ใต้าชายธงของตัวพอเห็นก็ให้บันดาลใจในความสง่าผ่าเผยของขุนพลฉวงจึงร้องถามออกไปว่าเอาผู้ใดจะไปสู้กับขุนพลวุ้นนน ขาดคำก้าวมาก่ซื่อจินถือดาบใหญ่ควบม้าดีศรัทธาลงสนามสองม้าเข้าปะทะสองนายอัศวนึกก็สะดึกเข้าประกบดาบใหญ่ชวดชเวยียนเข้าใส่หอกซี่แขนทั้งฝันทั้งแทงกีบม้าทั้งดีดทั้งดิน้นตะกุยฟ้าตะกายดินทั้งสองรบกันไปได้ยี่สิบสามสิบเพลงซื่อจินรู้สึกว่ากําลังตัวชักจะหดจึงชักม้าพะเข้าหาแนวรบของฝ่ายตัวขุนพลฉวนก็ไล่ตามเฮ้ยมึงจะรีบไปไหนไว้ขี้ผากลับให้กูฆ่าซะดีดเฮ้ย ฮ่เฮ้ยงานจิ๋นก็ทำอะารดกวยขูไม่ได้คว้วไว้แค่ดีไม่ต้องรับหัวหลงยืนม้าอยู่หลังสรงเจี่ยงก็เทียบลูกเกาถันเข้ากับคันธนูกระตุ้นม้าส่งขึ้นไปแนวหน้าพ่อขุนพลตาต้าเข้ามาในระยะธนูก็ปล่อยลูกดอกออกไปลูกเกาถันดอกนั้นปักเข้าที่ใบหน้าถวงสทรงขุนพลผู้นั้นร่วงลงไปคลุกฝุ่นซึ่งจินได้ยินเสียงตกก็วกม้ากลับวอบเข้าใส่ตังหวัดออกไปดาบเดียว หัวช่วงเย้าหน้าเย็ยนก็หลุ ด, ดแม้จะเป็นขุนพลผู้เยี่ยมยุทธ์แต่ทว่าชีวิตของทหารเหลียวก็มีอันสิ้นสุดลงไปจนได้พ่อขุนพลโคเห็นฝ่ายตนถูกฆ่าตายไปต่อหน้าโอทั้ทงก็ลุกไม้อยู่ในอบโธสศักด์ก็ทงท้นล้นถุงน้ำดีราบห อ, อกลูกเขาตีฆ่าสึกตะโกนขึ้นว่า อไอ้โจรป่าคนไหนแอบยิงพี่กวูวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวก่อนเดียกนสุนลี่ขุนพลที่รคดควบม้าออกไปรับมือขุนพลโคบัด น, นั้นกลองศึกก็สถทานสะเทินขึ้นไปถึงสวรรค์เสียงปัตวตะหวาดจากสองทัพก็เลื่อนล่นแก้วหูหอของสุนลี่ชกใส่ราวกับมีชีวิตสร้างความกลัวให้กับขุนพลโคไปแปในสิบ หลังจากรบกันไปได้ยี่สิบเพลงจึงหันมาน้าหนีแต่แทนที่จะทั่วไปหาแนวของตนกลับตีวงอ้อมขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดลี่กระหายใครสร้างชื่อเสียงก็ไล่มาตามแต่ทว่าโคทิ้งหากออกไปไกลคุณพลที่โรคสอดหอกของตัวเอาเก็บไว้กับถุงข้างอานดึงคันธนูออกมาถือไว้ในมือซ้ายหยิบลูกเกาทันขึ้นพาดสายด้วยมือขวาโกงคันธนูจนสุดแขนเล็งใส่แผ่นหลังของคุณพลโคแล้วปล่อยมือ คุ้นพลเหลียวเมื่อได้ยินเสียงสายธนูดังผึงก็กล้มลงแนบอ่าน ม, มาพอเสียงลูกดอกวีดผ่านมาก็ยื่นมือออกไปคว้าจับเอาไว้สุดรีสะดุดดีคู่ต่อสู้อยู่ในใจส่วนโค้แค่นเสียงหัวรอ้ย <l ix> ไอ้ขี้โกงคิดว่าตัวขมังธนูหรือไงฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ผมกลับตัวก่อนว่าแล้วก็เอาฟันคาบเกาทันดอก น, นั้นเอาไว้ในปากสอดหอกของตัวเข้าเก็บเอาไว้กับห่วงข้างอา่านมา ใช้มือซ้ายกำคันธนูแข็งมือขวาเทียบลูกดอกที่คาบเอาไว้กับสายเอี้ยวตัวกลับบนอานมา้าน้าวสายแล้วคืนลูกเกาทันดอกนั้นใส่แผ่นอกของซุนลี่ขุนพลขี้โรคเห็นอากัปกิริยาของคู่ต่อสู้โดยตลอดจึงเหมม้าวิ่งรัดซิกซักไปมาพอเห็นลูกดอกวิ่งเข้าหาก็แอนตัวไปข้างหลังเกาทันดอกนั้นก็พุ่งผ่านเลยไปไร้พิษสงแต่ด้วยความเร็วไม่อาจดึงม้าหยุดได้ทันจึงถลันไปข้างหน้า โคสอดคันธนูควยหลังสะพายเอาไว้ข้างหลังมองกลับไปก็เห็นซุลลี่นอนหงายอยู่บนหลังม้าจึงคิดขึ้นว่าฉรอยมันคงถูกลูกธนูเป็นแม่นมันเฮ้ฮ่าฮ่แต่ซุลลี่เป็นแต่เพียงแส้สองขาที่ทรงพลังคู่นั้นหนีบลําตัวม้าเอาไว้มั่นกันไม่ให้ตัวตกโคชะลอความเร็วดึงม้าวกกลับรอท่าจะจับคู่ต่อสู้อีกไม่กี่สิบเสียก่อนที่ม้าทั้งสองจะถึงกันซุลลี่ก็ดีตัวขึ้น อดีตในพันตรีแห่งเต็งโจตะโกนขึ้นว่าถ้าโกไม่จับมึงซะเดี๋ยวนี้มึงคงหนีหลุดมือไปได้อีกเป็นแม่นมันโคตะลึงแต่ก็ตะโกนกลับไปว่าเฮ้ยมึงหลบลูกเราทันกูได้คงไม่มีปัญญาหลบห อ, อกกูเป็นแน่ว่าแล้วก็เสือกปลายห อ, อกเข้าใส่ซุนลี่สุดแรงเกิดขุนพลขี้โรคกลั้นลมหายใจเอาไว้เต็มปอดดันยอด อ, อ, อ, อ, อกรับ ปลายเหล็กแหลมกระแทกใส่แผ่นโลหะที่กั้นอกชันแหลบเลือสีข้างออกไปสุนลี่ได้ช่องทะลันเข้าคลุกวงในดึงเหล็กข้ออ้อยที่ห้อยเสะเอวเอาไว้ชูขึ้นงวดลงมาพากะโหลกขุนพลเหลียวผู้นั้นลุดออกไปกระบิบหนึ่ ง, ง ผ, ผู้บัญชา ก, การที่นั่งเมืองจันยวนมาเกือบทั้งชีวิตแต่ต้องมาตายด้วยริบของสุนลี่ซากศพซพอยู่ที่ตีนมา้า สุนี่งั้นหอกขึ้นมาถือทลานเข้าใส่แถวทหารข้าศึกส่งเจียงพร้อมทัพก็รุกเข้าใส่เมื่อไม่มีผู้บังคับบัญชาไร่พลเหลี่ยวก็แตกกระจัดกระจายไปทุกทิศทุกทางขณะที่กํำลังไล่ตามอยู่นั้นนะครับส่งเจียงก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังเป็นชุดมาจากเบื้องหน้าจึงสั่งให้ทัพเรือพาหน่วยแยกออกไปจุบทางน้ําที่ตัดเข้ามาบัญชาให้หัวหลงฉินหมิงรู่ฟางและโกเชงควบมาขึ้นไปดูเหตุการณ์ที่สันผู ก็เห็นทัพเหลียวกำลังมุ่งตรงเข้ามาหาไพร่พลมากมายมหาศาลปานจะปกพืนพระ ส, สุธาให้มืดมิดส่งเจียงเห็นเข้าก็าอกสั่นขัแขวนจิตทั้งสามแตกสั้นวิญญาณทั้งเจ็ดกระเจิดกระเจิงก็จริงดังว่ายามภัรมาใกล้ตัวต่อให้ฉลาดแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ถูกกองทัพขนาดใหญ่ที่เคลื่อนเข้ามาเป็นของผู้ใด ฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ซ้องกังตอนที่แปดสิบแปดแม่ทับูเยียนตั้งค่ายกลจากราศีเจ้าแม่นพะสวรเข้าฝันทรงเจียง เจียงมองจากช่อ ง, งน้ำผาลงไปก็เห็นกองทัพขนาดมหึมาของราชณาจักรเหลียวญาตราเข้ามาจึงรีบลงจากสันเขาห่อม้า ก, กลับมายังทัพตัวรีบสั่งให้ถอนกําลังกลับไปประจําการที่ช่องเขาแห่งหนึ่งในตำบลหยงฉิงแล้วร่วมหารือกับเจ้าสว่วนลูกวูหยงและกงซุนเชงส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่า เออถึงแม้เมื่อกี้นี้เราจะชนะในสนามพราะแถมยังฆ่าแม่ทัพของพวกมันไปสองคนแต่ทัพอีกสองกองที่เขาเห็นบนดาผาแห่งนั้นมีขนาดใหญ่และเข้มแข็งยิ่งนักลงังไหลกันมาไม่รู้จักจบจากสิน้นมีแต่ทัพมือมาจริงๆเท่านั้นจึงจะรับมือมันไหวแต่เทียบแล้วทัพเรามีกําลังน้อยเหลือใจเราจะทําฉันใดกันดีอาพวกท่านกูหยงเอ่ยขึ้นว่า แต่ครั้งอดีตการขุนผลชนานาญศึกล้วนแล้วแต่สามารถเสียบคู่ต่อสู้ที่มีกําลังมากกว่าได้ทั้งนั้นแถมทําได้อย่างงดงามซะด้วยเมื่อก่อนท่านเสียชวนแห่งแคว้นจิน้นมีทาหารเพียงห้าหมื่คนสามารถตีต้อคูเตี้ยนที่มีกําลังมากกว่าถึงสองเท่าในอีกหลายๆกรณีก็เช่นกันใจท่านต้องเป็นขัวนไปด้วยเราพียังสั่งให้ไพ่พลของเราเข้าสนามรบประชิดกันให้แน่นหนาพร้อมทงสัญญาณเอาเกาทันเทียบขันธนูเลยดาบออกจากฝัก คอยเราแวดระวังป้องค่ายไว้ให้มันคงลงอาแสเอาไว้ลึกตั้งรั้วรเนียยและวางค่ายครูสู้ศึกเอาไว้เหมาะตระเตรียมสาสตราวุฒเอาไว้ใกล้มือตอกระดและปืนใหญ่เอาไว้พร้อมพักดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในสภาพดีแค่วางค่ายคนแปดทิศก้าวตอนอย่างง่ายๆเอาไว้ป้องกันตัวต่อให้พวกมันมากันเป็นล้านใครมันจะกล้าตีได้ฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่า ว่ากล่าวได้ดีท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทัพว่าแล้วก็ถ่ายทอดคําสั่งลงไปยังไพรพลบอกให้บรรดาหัวหน้าคอยฟังคําสั่งวันรุ่งขึ้นพวกเขากินข้าวเช้าก่อนสว่างพอดวงตะ ว, วันเริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าก็รื้อค่ายเคลื่อนทัพไปจนสุดเขตตาบลจางผิงเคลื่อนที่เข้าประจําตําแหน่งค่ายกลแล้วลงค่ายวางทหารม้าภายใต้ประชาการของขุนพลเสือครองฉินหมิงเอาไว้ด้านหน้าของแนวทหารราบที่อยู่ถัดเข้ามาให้หูเวียนโจป้องกันหลัง ให้กวนเชิงเป็นปีกซ้ายลิ้นชงเป็นปีกขวาโศวเจ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู้หนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือตรงผิงทางตะวันตกเฉียงใต้และหยางซื่อทางตะวันตกเฉียงเหนือส่งเจียงบัญชาการอยู่ตรงกลางหัวหน้าคนอื่นๆประจําตําแหน่งเดิมส่วนที่เป็นทหารราบแถวหลังให้เจ้าโศวลู่บัญชาการมีหลวงจีนลู่และพระธุดงคู่สงเป็นประหลัดท่ามกลางไพร่พล น, น, นับหมื่นบรรดาหัวหน้าซึ่งล้วนแต่เป็นนักรบชั้นเลิศต่างคันไม้คันมือเตรียมพร้อมที่จะเข็นข่าเป็นยิ่งนัก ข่ายขูประตูหอรบพร้อมศัพท์คอยท่ารับทับเหลียวไม่นานก็เห็นทับเหลียวตาตาญาตามาแต่ไกลขบวนแรกทําหน้าที่ไปทั้งริ่มทั้งโลกแบ่งออกเป็นหตอนตอนละห้าร้อยขวาสามซ้ายสามเดินทับเคลื่อนย้ายสลับกันไปมาไม่อยู่กับที่ถัดมาก็เป็นกองกําลังหลักจํานวนไพ่พลดังว่าจะกรบดินนําเป็นทับหน้ามาด้วยทะเลทงสีดํากระจายกําลังออกเป็นทับม้าเจตอนตอนละหนึ่งพันแต่ละตอนมีผู้บัญชาการเฉพาะ แล้วพวกเขาใส่เสื้อผ้าอะไรกันเล่าคนเหล่านั้นใส่หมวกเหล็กสีดําชุดเกราะดําเสื้อคลุมดํากระทั่งม้าที่ขี่ก็ดําสนิท ต, ติดอาวุธปกติทัพม้าทั้ง7ตอนจัดกระบวนจําลองขึ้นจากหมวดดาวเหนือทั้งเจกลุ่มแม่ทัพใหญ่กํากับกองทหารม้าทัพทั้ง7อันทัพหน้ามีธงป้ายประจําตัวผืนใหญ่ผืนหนึ่งปักเป็นสั ญ, ญลักษณ์ดาวเคราะเทพโลกบาลธาตุน้ําแห่งทิศอุดอร แล้วแม่ทัพคนนี้แต่งตัวอย่างไรเล่าเขาผูกผ้าโพกหัวสีน้ำตาลรัดผมยาวสลวยดุดยิใหญ่ ไ, หไว้กับหน้าผาผ้าโ พ, าพกศรีรษะรัลงมาเกือบจรหดหัวคิ้วบนเสื้อกลับสีดำยาวลงมาคุมเขา่าประกบเอาไว้ด้วยเกราะเงินแลดูเย็นยะเยียบเข็มขัดหัวสิงคาดทับเกราะเด็กสะท้อนประกายโลหะดำด้านนั่งอยู่บนหลังอาชาสง่ า, าผ่าเผยอ่านหนังรองนั่งตัดเย็บ ด, ด้วยมือขัดหลังห้อยไหล่ไว้กระชอกด้วยกระบอกดอกเก่าทัน กับคันธ น, นทูทำจากไม้เนื้อแข็งของต้นกระดาษขัดมันเขียนลายสัตว์แผ่นผลนเล่นกับปลาบินมือถือดาบสามแฉกสองคมสี่ด้านแปดห่วงนามของผู้นี้ก็คือชูลี่จูฉิมีกองทหารประจำตัวอีกต่างหากเป็นทหารม้าสามพันคนผมดำสยายยาวประา่าทงประจำหน่วยเป็นรูปดาวหมอก5าดวงเบื้องอุดรทิศมีพเดินเท้าอีกไม่ทราบจานวนคอยสนับสนุนทัพ ส่วนทางด้านปีกซ้ายมังกอนครามตัวหนึ่งสะบัดอยู่ไปมาบิดกายไปตามสายลมกล้าอยู่บนธงชัยประจำทัพประกอบด้วยแถวทหารม้าเจ็ดตอนตอนละหนึ่งพันคนแต่ละคนมีหนึ่งผู้ประชาการเฉพาะแล้วพวกเขาแต่งตัวกันอย่างไรเล่าคนเหล่านั้นล้วนสวมหมวกเหล็กทรงสีตะเข็บผูกเกล็ดปลาปลวกซ้อนกันหนาดังใบต้นกระดาษคลุมทับด้วยเสื้อกั๊พสีเขียวเหลือบดังขนนกกระเต็นขี่ม้าย้อมแผงคอสีเขียวสดถืออาวุธปกติ ธงใช้ปีกซ้ายทั้งเจดตอนปักเป็นรูปกลุ่มดาวทั้งเจ็ดกลุ่มประจําบุรพาธิตสําหรับธงป้ายภาพประจําตัวแม่ทัพปีกซ้ายปักเป็นรูปเทพโลกบาลธาตุไม้ในหมวดมังกรครามประจําทิศบุรพาแล้วแม่ทัพปีกซ้ายผู้นี้ใส่ชุดอะไรเล่าหมวกเหล็กทรงสิงโตสวมสีสับผูกเกร็ดหนังม้าทับเสื้อคุมสีเขียวสดคาดเสือเอวด้วยรัดกระคดประดับทองเหลืองอารามแซมด้วยก้อนยกสีเขียวสดนั่งอยู่บนอานม้าทํำด้วยหนังตัดเย็บ ด, ด้วยมือ ระบอกเกาทันกับคันธนูห้อยสเสลี่ยรองเท้าหุ้งข้อทรงจา ง, งอยปากเหี่ยวระดับอั ญ, ญมณีมีค่าสอดเท้าอยู่ในสองโกลนในมือถือขวานศึกหน้าขวานเป็นรูปเซี่ยวจันทร์ด้ามจับพันลวดทองตกแต่งเป็นลายดูสวยงามขี่อยู่บนม้ามังกรพันหยกใสแม่ทัพผู้นี้มีนามว่าชื่อเออโฟลามีทหารม้าประจำสามพันคนทงประจําหน่วยสีเขียวครม้มปักเป็นรูปกลุ่มดาวหมอกเ้าดวงประจําบุรพาริด และมีคนเดินเท้าอีกไม่ทราบจํานวนเป็นฝ่ายสนับสนุนส่วนทัพปีกขวาแบกธงเสือขาวประกอบด้วยขบวนทัพม้าเจตอนตอนละ1000คนมีผู้บัญชาการเฉพาะทั้งเจ็ดแล้วนายอัศาวินึกเหล่านั้นใส่ชุดอะไรกันเล่าพวกเขาสวมหมวกเหล็กสะท้อนแสงโลหะดังหยดน้าําใสใส่เกราาเงินทับเสื้อคลุมไหมไม่ย้อมสีขี่ม้าขาวหิมะถืออาวุธมีด้ามจับขบวนม้าทั้ง7ตอนจับจํำลองจับหมู่ดาวทั้ง7ประจําประ จ, จิมทิศ แม่ทับม้าปีกขวาทั้งเจดตอนมีทงปักเป็นดาวเคราะห์ประจำเทพโลกบาลธาตุทองแห่งวังน้ําลึกเบื้องประจึงทิศแล้วท่านผู้นี้แต่งตัวอย่างไรเล่าเขาสวมมวกเหล็กทรงกรวยประดับขนหงษผูกเกราะเงินห่วงคู่คาดรัดพัดยกรัศมีเย็นยเยือยขับเสื้อคลุมไหมตัดพอดีตัวไม่ย้อมสียกดอกเป็นลายเปลือกิมะปลิวขี่ม้าแข่งพันยกคราวพร่างกลางราตรีกวัดแกว่งเงาสีเงินทําจากเหล็กล้วนเขามีนาม ว, ว่า บูลี่เครอันมีกองทัพส่วนตัวสามพันม้าถือธงประจําหน่วยสีขาวติดผูกระดับหัวธงพื้นธงปักเป็นรูปดาวหมอกเจ็ดวงแห่งประจินทิศมีพลเดินเท้าสนับสนุนอีกไม่ทราบจํานวนกระจายกันไปทั้งหน้าและหลังทัพฝ่ายทัพหลังนั้นเล่าก็ติดธงสีชมพูเข้มประกอบด้วยแถวทหารม้าเจ็ดตอนตอนละหนึ่งพันคนแต่ละตอนมีผู้บัญชาการเฉพาะและพวกเขาแต่งเครื่องแบบอย่างไรเล่าหมวกทรงกลวยสีน้ําตาลแดงเข้มสวมติดศรีรษะ ใส่เสื้อคลุมยาวย้อมสีเลือดดิงอุรังอุตังสวมเกราะ อ, อ่อนสารเป็นกเกราะเกร็ดปลาสีเจิดจ้าดังลูกเท้อขี่ม้าสีฝุ่นพันกระต่ายแดงถืออาวุธมีด้ามทงประจําทับหลังคือกลุ่มดาวใต้ทั้งเจ็ดตัวไม่ทับหลังติดธงป้ายผ้าเป็นรูปดาวเคราะ์นกยุงสีดินเหลืองประจําเทพโล ก, กบาลธาตุไฟแล้วไม่ทับหลังผู้นี้แต่งตัวอย่างไรเล่า <ST AR> <S <S เขาก็สวมหมวกแก๊ปถักระดับผู้แดงสดสวมเกราะเดินลายอาทิตย์อัสดง ทับเสื้อคลุมสีชมพูง่วงเหลือบเงาใส่รองเท้าหุ้มข้อถักประดับชายด้วยได้แดงคาดเข็มขัดด้วยรัดเสียลทาจากหนังสีแดงประดับหินมีค่าสภายซองเก่าทันกับคันธนูเอาไว้บนบ่าถือดาบมังกรยาวแปดเสี้ยอยู่ในมือที่อยู่เบนหลังม้าสีแดงเพลิงท่านผู้นี้มีนามาก่อนว่าขุนพลตงเซียนเวิร์นหลงมีทหารม้าประจําตัวสามพันคนทงประจําหน่วยเป็นทงไหมสีแดงปักรูปกลุ่มดาวหมอบสามดวงแห่งฟากฟ้าทางตอนใต้ มีคนเดินเท้าในชุดเสื้อถักสีแดงติดผู้แดงคอยสนับสนุนไม่ทราบจำนวนเยื่องหลังขบวนทัพหลักทั้งสี่ของฝ่ายเหลียวที่ได้กล่าวมาแล้วออกมาทางด้านซ้ายสุดยังมีทัพม้าอกจํำนวน5 0 0พันคนสวมหมวกแก๊ปถักร้อยโซ่ทองผู้เกราะทองทับเสื้อคลุมสีชมพูติดผู้แดงเขาเหล่านั้นถือธงสีแดงเพลิงขี่ม้าสีฝุ่นผู้บัญชาการเป็นเจ้านายสหมวกแก๊ปถักทอง ปากนวดลายเป็นดอกฉบากับคทาทองผู้กราะ อ, อ่อนทักเป็นเกราะรูปหน้าสัตว์สวมทับเสื้อคลุมยาวปากสีแดงเพลิ่งรัศเอลด้วยรัศประคต ร, ระดับทองและหินมีค่าทรงกระบี่สองมือสุริยันจันทราระดับทับหลังอาชาสีแดงพันปันจักชติท่านผู้นี้คือเจ้าฟ้าเยอหลูเต๋อจงพระนุชาในกษัตริย์เหลียวทง้ายผ้าประจําพระองค์ปักเป็นรูปพระอาทิตย์ ส่วนทางด้านขวาสุดของขบวนทับหลักทั้งสีของฝ่ายเหลียวก็ยังมีทหารม้าอีกหนึ่งกองเป็นนักรบหญิงล้วนห้าพันคนสวมหมวกแก๊ปสีเงินผู้เกราะสารด้วยห่วงเงินทับเสื้อคลุมไม่ย้อมสีติดผู้ไหมถือธงขาวขี่ม้าขาวถือหอกด้ามเงินแม่ทัพหญิงก็ทรงกลมเกล้าผมมวยเหนือขมับแบ่งผมเป็นสองจุก ด, ดังงอนมังกรเสียบปิ่นห้อยไหมเขียวสองข้างดังหางหงผ้าไหมแดงลายแมกมนแถบหนึ่งติดเลื่อมหินสีมีค่า ปกพระนาราชห้อยลงมาบนพระอังสักตัดกับกระโปรงยกดอกเดินชายอย่างได้รสนิยมห่ผมผูสาปักลายมังกรเป็นชั้นนอกคลุมทับเกราะเงินชั้นในรองพระบาทน้อยทรงกรีบดอกไม้ซ่อดอยู่ในโครนอย่างมั่นคงพระหัตข้างหนึ่งทรงแทะด้านยกขนาดเล็กซ่อนอยู่ใต้ปลอกแขนเสือ้อที่โปร่งบางดังปีกแมลงปอพระนางทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาในกษัตริยตราธิราชเจ้าแห่งราชนาจักเหลียว ทรงกระบี่วิเศษเจ็ดาวทรงอาชาสีขาวซ่อนพยศทรงพระนามพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงตาลีโปท่งป้ายผ้าประจำพระองค์ปักเป็นรูปดวงจันทร์ระหว่างทัพม้าทั้งขวาสุดและซ้ายสุดที่ว่าโดดเด่นเห็นอารามท่ามกลางหมู่ธงเหลืองยังมีบรรดาขุนพ ล, ลผูกเกราะทองอยืนม้าสีเหลืองทองทั้งเกราะทั้งเสื้อผ้าเหลืองไปทั้งตัว ตัดกับฉากหลังฉุดฉาดดุดจะปาดขอบฟ้าให้เป็นทางดังจะถังก้อนเมฆออกเป็นทิวโูกผ้าหัวสีเหลืองปักลวดลายดังหมอกปลิวแพ่กระจายออกไปครึ่งแผ่นฟ้าในประดาคนเหล่านั้นมีขุนพลยดสูงสุดอยู่สี่คนแต่ละคนมีพลมาใต้ประคับปัญชสามพันม้าและแต่ละคนคุ้มกันตามมุมทั้งสี่ของจัตุรัสทั้งสี่ทิศ องค์รักพิทักษ์เบื้องทิศอคนเนย์เป็นเจ้าฟ้าเยอลูเตอ๋อหลงพระราชนัดดาพระองค์ทรงเก ร, ราะทองรัดประคบทเป็นรูปหัวสัตว์รัดเสื้อคลุมสีดำปีนสามอันกลัดพระตุ้มปีสีทองให้เข้าที่ทรงเกาทันกับคันธนูและหอกผู้ดำทรงม้าดำธงประจําพระองค์เป็นกลุ่มดาวปากแห่พระราชนัดดายูเลอเตอ๋อหัวหลงประจําทิศหรดีทรงเกราะเงินรัดพระองค์ดัดดัดคาดทับเสื้อทรงสีม่วง เครื่องประดับมีค่าแต่งพระตุ้มปีทรงเกาทันกับคันธนูแข็งทรงกระบี่ขี่ม้าสีฝุ่นแผงคอดำหางดำด้วยธงประจําพระองค์เป็นรูปกลุ่มดาวรำลึกเบื้องทิศอีสานเป็นของพระราชนาดาเยอหลูเตอ๋อทรงพระองค์ทรงเสื้อคลุมสีเขียวเกราะเงินพระตุ้มปีสีม่วงคาดองค์ด้วยพระปันป้นเหน่งอันเหน่งนี่เขาหมายถึงถึงคัดชนิดหนึ่งนะครับไข่ธนูมังกรกับสอนหง สภายแนบองค์ไว้กับพระอังสาส่งเงาเซี่ยวจันทราขับขี่ม้าพันปัญจโชติสีเหลืองธงประจำพระองค์เป็นรูปกลุ่มดาวหมอกม่วงเบื้องทิศพายัพเป็นของพระชนั ด, ดาเย่อหลูเตอ๋อสินพระองค์ทรงเกราะทองแดงทับเสื้อคลุมขาวผ้าแถบแดงสลับดำมัดไว้กับพระนาราชก็คือหน้าผากนะครับรัพระองค์ฝังทองประดับอั ญ, ญมณี คันธนูเขียนลายและสซองเก่าทันห้อยไว้กับบ้านพระองค์ทรงกระบี่วิเศษเจ็ดาวทรงอาชาสีดำสนิทปล่อยขนข้อเท้าขาวราวแต้มหิมะทงประจำพระองค์เป็นรูปดาวหางจันทราภายในวงล้อมเขตอารักขาขององค์รัก์ทั้งสี่ทิศขุนพลผู้หนึ่งปรากฏกายยืนม้าอยู่ท่ามกลางหมู่ทงเหลืองทงภาพประจำตัวปักเป็นรูปดาวประชาการศูนย์กลางทังซ้ายมือเป็นหมู่ทงเขียวทั้งขวามือเป็นหมู่ทงขาว เบื้องหน้าเป็นร่มสีแดงเบื้องหลังเป็นกรดสีดำรายล้อมด้วยกลุ่มธงสุริยะลัคณาทั้ง24และในทิศยัน8ทิศทั้งสิ้นอีก64ทิศรวมทั้งแสงใต้ดาวกระบบยเหนือมังกรบินเสือบินหมีบินและพยักบินทั้งหมดเมื่อประสานสัมพันธ์กันแล้วก็ดําจับประชันหมูดารากรบนฟากฟ้าให้ได้อายแล้วขุนพลผู้นี้แต่งกายอย่างไรหรือมวกแก๊บสีม่วงทอง ประดับกระดาด้วยอัญมณีมีค่าเกราะหลังเต่าสวมทับเสื้อคลุมไหมปักทอประกายสีทองเปล่งปลังจากเซฉวนรัดด้วยรัดพัดประดับยกงามสง่าจากหลันเฉียนคันศรห้อยระอยู่เบื้องซ้ายต้งกลางด้ามจับทำด้วยเหล็กพิมพ์ลายทองกรดกันลูกเก่าทันในสองข้างซ้ายติดขนหงหัวธนูตีเป็นเงี้ยงสวมรองเท้าหุ้มข้อทรงจังไนปากเยียวพื้นลายเมฆขี่ม้าหลังดำกีบเท้าเงินรองนั่งด้วยเครื่องอ่านประดับลวดลาย สายบางเหยียนไหมสีม่วงพันไว้กับปุ่มหัวอ่านสองเท้าหยั่นมั่นอยู่ในกโกลนที่สเอลให้ดาบอายาสิทธ์ในมือถือคทาจอบทับขณะหยอกม้าออกไปข้างหน้าก็กำด้ามง้าวงเดือนที่ตกแต่งเป็นสีดินท่ามกลางแสงสีรัศมีอันบันเจดิดโดดเด่นไปสง่าอยากนักจะหาผู้ใดเสมอเหมือน ย่อมจะเป็นผู้ใดใครอื่นไปไม่ได้นอกจากแม่ทัพใหญ่วูเหยียนผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพเหลียวทั้งปวงผู้นั้นนั่นเอง <c oughs> ด้านหลังหมูดทงเหลืองเป็นราชรถทรงโขงกับมังกรมีราชโฉมรักติอดอาวุธครกมือห้อมล้อมซ้อนกันอยู่ถึงเจ็ชั้นที่กึ่งกลางมีทหารพกผ้าเหลือง7จ็ิบสคนค อ, อยเข็นบุสบก <c oughs> บนหลังม้าลากรถเบื้องหน้ามีสารถีเก้าคนขี่อยู่บนอานทองบนหลังม้าแถวซ้ายปิดท้ายด้วยทหารในชุดปักอีก8ดคู่ ตามขบวนราชรถมาข้างหลังกษัตริย์กราทิราชแห่งอาณาจักรเหนียวทรงประทับอยู่บนบันลังกลางบุษบกบนพระเจ้าทรงเวทนาะเป็นรูปกลวยแหลมฉลองพระองค์ในชุดเหลืองปักเป็นลายบางกอนก้าตัวรัดพัดระดับยกจากนั่นเถียนพันอยู่รอบบ้านพระองค์ทรงฉลองพระบาทสีแดงเขียงข้างพระองค์อยู่สองฝั่งก็คือสมุหานายกยูสอโปจินเบื้องซ้ายและเสนาบดีชูเจียนอุปนายกอยู่เบื้องขวา ทั้งสองสวมหมวกแก๊ประดับลวดลายเสื้อคลุมยาวสีเหลืองปล่อยชายไว้กุญชายด้วยผ้าสีม่วงระดับแผ่นทองราชประคศระดับงาช้างและก้อนยกทั้งสองข้างของบัลลังมีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายยืนคอยถือเครื่องยกเครื่องงาช้างต่างก็แต่งกายกันอย่างโอ้อาราชโฉนกรักพากันห้อมล้อมราชรถสำหรับธงประจําพระองค์ที่ทรงเลือกเองเป็นรูปดาวเหนือที่ทรงไว้ซึ่งท่านจักรพรรดิราชทั้งปวงอันแผ่ไพศาล เสนาบดีอื่นๆที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาล้วนติดธงสัญลักษณ์กลุ่มดาวข้างเคียงบัดนั้นทับเหลยวที่จัดรูปกระบวนกันมาพร้อมศัพท์แผ่พางราวจะกลางออกคลุมครึ่งฟ้าลงหลักปักมั่นยันพื้นพื้นทาไวกระดุจ ช, ชามอ่างควาำคันธงชูเด่นขึ้นสี่แจสรับผ้าอาวุธแผ่ออกเป็นแปดทิศถึงจากปักหมดุดหมุนวนเป็นชั้นๆเมื่อเป็นดังนี้พวกเขาก็สามารถรุกและถอยได้ตามแต่ใจปรารถนา ในตอนแรกส่งเจียงตรึงหน่วยหน้าของข้าศึกเอาไว้ด้วยหากเกาทันจับพลันูและพาวูหยงและจูบูปีนกระไดฟ้าขึ้นไปสังเกตทับศึกแต่ดูไปก็ให้นึกชะโงนชะงายปูหยงเองก็มองไม่ออกว่าทับเหลียวตั้งค่ายคนอะไรแต่จูหู ด, ดูออกและจําได้ว่ามันเป็นหนึ่งในค่ายจับกราศีจึงบอกออกไปว่าพี่ใหญมันคือค่ายจาับกันมหาวิถมภูมิส่งเจียงจึงถามไปว่า แล้วเราจะเข้าตีได้ยังไงอ่ะฮะข้าน้อยเองก็ไม่ทราบจับไม่ติดเพราะมันเปลี่ยนทิศไปตลอดจูบูตอบส่งจีนจึงว่าก็ถ้าเปิดไม่ออกจะจ่ายไปต่อให้มันแตกได้ชนไหนหรือฮะปัญหาก็คือถ้าเราไม่รู้วิธีการวางหมากคนเหล่านี้แล้วเราจะเข้าตีได้อย่างไรปูหยงเองก็มืดแปดด้านขณะทั้งสามกำลังหาเรือกันอยู่ หู้เยยนแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหลียวตาต้าก็ถ่ายทอดคำสั่งลงมาวันนี้เป็นวันทองเพราะฉะนั้นเราจะใช้ขุนทหารสี่นายมังกรทองจางฉีหัวทองเสียสวงสุนัขทองอาลียี่และแพะทองหวังจริงติดตามขุนพลหัวลี่เคออันดาวมหาชุนหวันเข้าตีทัพไอส่งเทียง มองออกไปจากข้างซ้ายของฝ่ายส่งเจียงและหัวหน้าทั้งหลายที่สมรภูมิก็เห็นทับหน้าของทหารเหลียวฝั่งซ้ายมีการไหวตัวขณะที่กรองสึกกระหึ่มขึ้นเป็นชุดประตูธงก็เปิดเปิดปิดปิดเห็นได้ชัดว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ภายในโดยเฉพาะธงแม่ทัพของหน่วยเดี๋ยวก็โยกจากตะวันตกไปใต้เดี๋ยวก็ย้ายจากตะวันออกไปเหนือแผ่นสุวรรคหมุนไปเบือ้องซ้ายจูบูตะโกนขึ้นสันดาห์นี้เป็นวันทองพวกมันต้องบุกเราเป็นแม่นมัน ก่อนคำพูดจะทันสิ้นเสียงปืนใหญ่ห้ากระบอกของข้าศึกก็สลุดขึ้นรัดกันไร่พลเหลยวไหลทะลักพังพลูกันออกมาจากที่มันตรงกลางนั้นคือขุนพลเรือทองขาวมีดาวบริวารโคจร อ, อยู่โดยรอบสี่ดวงร่วมกันนำทัพทั้งสี่ทัพท้าถมเข้าใจด้วยรังสีแห่งการเข่งฆ่าประหัตประหารรุนแรงปานหิมะถล่มที่ไม่อาจทักทานได้ ถึงจะพยายามต้านเอาไว้แต่เมื่อถูกจู่โจมโดยไม่ทงตั้งตัวเช่นนี้ทัพท่งเจียนก็จําต้องล่าถอยถึงกขนั้นทัพเดี่ยวก็บีบเข้าหากันประดุดคีมเหล็กกองทัพส่งประสบความเสียหายอย่างหนักจนต้องถอนทัพกลับเข้าไปในป้อมค่ายที่มีแนวป้องกันเข้มแข็งทัพเดี่ยวก็ไม่ไล่ตามหลังจากตรวจสอบก็พบว่าขงเหลียงต้องคมดาบ ลี่หยุนต้องลูกเก่าทันจูฟูถูกสะเก็ดปืนและซื่อหยงถูกแทงด้วยหอกส่วนไพรพลได้รับบาดเจ็บกันนับไม่ท้วนคนเหล่านั้นถูกขนใส่เกวียนส่งกลับไปรักษาจากหมออันเต้ากวนที่ด้านหลังของค่ายหลังจากส่งคําสั่งไปให้แนวหน้าวางขวางเหล็กกับงาแซงเอาไว้ป้องกันทางเข้าออกค่ายวันนี้เราถูกตีหนักไม่น้อย ส่งเจียงเอ่ยขึ้นกับลู่จุนยี่ด้วยความกลัดกลุ้มเราจะทํำยังไงกันดีวะเนี่ยฮะเราไม่เป็นฝ่ายยกออกไปรบข้างนอกพวกมันก็จะต้องตามตีมาถึงที่นี่อย่างแน่นอนลู่เสนอขึ้นว่าพ่เช่นนั้นใช้ทัพเราสองตอนยกออกไปตีปีทั้งสองของมันส่วนอีกสองตอนไตขึ้นไปทางเหนือเจาะเข้าไปตรงหน้าแล้วใช้ทหารราบตีประดังตามเข้าไปตรงต่างจะได้ดูว่าไอ้ขี้ข้าพวกนั้นน่ะ มันสอดอะไรไว้ข้างในบ้างดีดรุ่งขึ้นอีกวันพวกเขาก็ทําตามที่ลู่เสนอคือจัดแจงเรื่องภายในค่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเปิดประตูค่ายอ้าให้กว้างเอาไว้เคลื่อนทัพที่จะเข้าตีออกไปพอเข้าใกล้ที่ตั้งทัพเหลียวฝ่ายตั้งรับของทัพเหลียวทั้งหกหน่วยที่ได้รับมอบหมายให้ป้องกันค่ายก็มองเห็นซ่งเจียนจึงสั่งกวนเชิงให้เคลื่อนเข้าตีจากปีกซ้ายให้ผู้เวียนโจตีจากปีขวาส่วนตัวเองก็ตีเจาะตรงกลาง ไม่ช้าทั้งหมดก็มาทักเข้ากับคาสึกส่งเจียงให้อีกสองหน่วยตีประดังทั้งซ้ายและขวาหมายจะให้ประจบกันที่ทัพธงดำทั้งเจ็ดที่อยู่ตรงกลางแน่นอนอยู่แล้วทัพเหลียวได้รับความเสียหายอย่างหนักก็แตกออกทัพธงดำทั้งเจ็อยู่ในสภาพรนเรส่งเจียงจึงสั่งให้หน่วยโล บ, บินทั้งห้ารอยภายใต้การบัญชาของสลาตันดำดี้ขุยเข้าตีซ้ำ ติดตามด้วยทหารราบภายใต้การนำของหลวงจินลู่และพระธุดงบูสงให้รุกไล่ตามไปสมรภูมิก็เต็มไปได้วยความสับสนโกลมานเสียงปืนใหญ่อึ้งคเ น, นืองอยู่รอบด้านทับธงเหลืองของกรรษัตริย์เหลียวที่อยู่ตรงหน้ากับอีกสองทับซ้ายขวาก็เริ่มตีทับส่งเจียนบ้างแรงกดดันนั้นรุนแรงมหาสารเกินไปจนฝ่ายโจรต้องหันกลับหนีออกมากองหลังที่รอ ย, ยันก็ต้านเอาไว้ไม่อยู่พอกลับไปถึงป้อมค่ายภายในรั้วเราเนี่ย ทับซองก็อยู่ในสภาพยับเยินจนหมดสิน้นเมื่อมีการตรวจนับก็พบว่าครึ่งหนึ่งของกําลังที่ส่งเข้าตีถูกฆ่าตายตู้เฉียนกับทรงวานได้รับบาดเจ็บสาหัสหีขุยหายไปคือหลังจากที่เจาะทะลวงเข้าไปในแนวฆ่าศึกสลาตันดำก็ถูกสยบลงด้วยตะขอและบ่วงบาดถูกจับไป็นเฉลยข่าวดังกล่าวบันทอนจิตใจส่งเจียงยิ่งนักเขาสั่งให้นําตู้เฉียนกับทรงวานไปรักษาตัวหลังค่าย บรรดามาที่ได้รับบาดเจ็บถูกพาไปให้หมอหวงฟู้ตรวจรักษาส่งเจียงเอ่ยกับบูหยงว่าเอ้ยวันนี้เราเสียทั้งดีขุยเสียทั้งการรบเราจะทำยังไงกันดีวะนี่ฮะท่านอาจารย์เออวันก่อนเราจับขุพนพลหนุ่มบดท้ายของไม่ทับกูเยียนได้คงพอจะเอาไปแลกกันได้หรอกนะฮะ ส่งเจียนจึงว่าอหากเราทําตอนเนี้แล้วต่อไปในอนาคตหากคนหน้าคน อ, นอื่นของเราถูกจับไปอีกแล้วเราจะเอาอะไรไปช่วยเหลือพวกเขาออกมาได้หรือฮะเออเป็นห่วงอะไรกับเรื่องในอนาคตเอาเรื่องเฉพาะหน้านี้ให้แล้วเสร็จซะก่อนเถิดขอรับแล้วนายทหารชั้นประทวนผู้หนึ่งก็เข้ามาประกาศละกอพูดจากกองทัพเหลียวมาขอพบเรื่องอะไรบางอยางขอรับ ส่งเจียงให้พาตัวเข้ามาพอมาถึงทูตผู้นั้นก็เอ่ยขึ้นว่าแม่ทัพใหญ่ของเราเรียนท่านแม่ทัพว่าวันนี้เราจับหัวหน้าฝ่ายท่านได้หนึ่งคนแทนที่จะฆ่าเรากลับเลี้ยงดูปูเสือและใครจะขอแลกตัวกับขุนพลน้อยผู้ลูกหากท่านเห็นด้วยเราจะคืนเขาให้ในทันทีพรุ่งนี้เราจะพาขุนพลหนุ่มผู้นั้นไปแลกกันที่แนวรบส่งเจียงให้สัญญา ทูดฝ่ายตาต้าก็ขึ้นมาจากไปส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าเออในเมื่อเรายังหาแผนเข้าตีแนวข้าศึกไม่ได้มันจะเป็นการดีที่เราจะถือโอกาสแมกตัวเฉลยศึกเป็นการขอพักรบไปในตัวผู้ยงเห็นด้วยแล้วพูดว่ากองทัพเรากำลังต้องการพักหากในตอนนั้นเกิดคิดแผนอะไรขึ้นมาได้เอาไปรบทีหลังก็ยังทัน เย็นนั้นมีการส่งคนไปนําตัวขุนพลหนุ่มมาจากกองประชาการและส่งทูตไปหาแม่ทัพใหญ่บูเหยียนอยตอนที่นายทหารชั้นประทวนเข้าไปรายงานแม่ทัพใหญ่แผ่นดินเหลียวนั่งอยู่ในกระโจมรายงานขอรับทูตจับส่งเจียมมาขอพบขอรับท่านบูเหยียนสั่งให้เข้ามาได้ทูตก็เข้าไปแล้วพูดตามที่ได้รับคาสั่งมา ไม่ทับหน้าทรงเจียงฝากความเคารพไปยังใต้เท้ากรุณาขอรับว่าพร้อมแล้วจะแลกตัวขุนพลหนุ่มกับผลหน้าของเราแล้วในเมื่ออากาศหนาวเหน็บออกอย่างนี้และไพร่พลก็เหนื่อยอ่อนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความทุกข์ยากจากการถูมิมะกัดท่านจึงเสนอพักรบไว้ไปว่ากันใหม่ในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าเรารอคอยความเห็นชอบของใต้เท้าขอรับออพวกเจ้า จับลูกชายคนเซอร์ซ่าไร้ค่าของข้าได้เช่นนั้นหรือฮะแม่ทัพมูเหยียนตะวันถึงแม้มันจะรอดตายมาได้ก็ไม่มีวันให้กลับมาเห็นหน้าข้าอีกเราไม่ต้องการแลกเปลี่ยนช่วยนํามันออกไปฆ่าให้ข้าด้วยฮอกสู่นเจียงต้องการยุติศึกในครั้งนี้จริงแล้วหรอกจงกลับไปบอกมันให้มัดมือมัดตีนไม่ยอมแพ้ซะพวกเองทั้งหมดจึงจะรอดมิเช่นนั้นข้าจะนำกองทัพอันยิ่งใหญ่เคลื่อนไกรออกไป จะไม่ยอมให้ยาแม้สักใบเหลือรอดติดดินได้เอาละรีบออกไปได้แล้วพวกผู้นั้นรีบขี่ม้าเหินกลับค่ายและรายงานให้ส่งเจียงฟังตามที่ได้สนทนากันนั้นในทุกประการาด้วยอารามตกใจกลัวว่าตัวจะหมดโอกาสช่วยชีวิตเล่ขุย ส่งเจียงก็รีบพาขุนพลหนุ่มขึ้นม้าขี่ไปแนวหน้าส่ชชงเจียงตะโกนบอกออกไปว่าเอาท่านรีบปล่อยหัวหน้าของเรามาข้าจะคืนขุนพลผูนี้ให้หากไม่ต้องการพักรบเราก็จะไม่ว่าอะไรเราจะสู้รบกันจนตายไปข้ามหนึ่งจากเขตแดนของฝ่ายเหลียวรีบขุยถูกพาขึ้นม้าอย่างเงีเงยบๆและนำตัวมายัางแนวหน้าทางฝั่งส่งเจียงก็ทำเช่นนั้นกับขุนพลหนุ่ม การแลกตัวดําเนินไปโดยไม่มีใครพูดอะไรกันลี่ขุยได้กลับค่ายคุณพลหนุ่มก็บ่ายหน้าจากไปในวันนั้นไม่มีฝ่ายใดรื้อรบทรงจีงถอนตัวกลับค่ายร่วมฉลองชัยกับลี่ขุยต่อมาก็หารือกับหัวหน้าของตัวอยู่ในกระโจมของทับเดียวตอนนี้กล้าแข็งนนะักเราไร้สิ้นหนทางที่จะเจาะมันข้าเป็นทุกข์เป็นร้อนยิ่งนักวันวันหนึ่งกว่าจะผ่านเหมือนจะนานเป็นปีเราจะทําอย่างไรกันดีหนอ ผู้เว็นโจมีข้อเสนอแล้วพูดว่าเออเราแบ่งกำลังออกเป็นสึกตอนทิ้งสองตอนเอาไว้รักษาค่ายใช้แปดตอนที่เหลือร่วมกันเข้าตีกับพวกมันให้แตกหักไปเลยซ่งเจียงจึงว่าข้าต้องพึ่งพาอาศัยความเปน็นน้หนึ่งใจเดียวกันของท่านทุกคนเป็นสารณะนะนี่เป็นวิธีเดียวที่เราพอจะใช้บูยงเอ่ยขึ้นว่ารบกันมาสองหุนแล้ว เรายังงั้นกระทกให้มันหหลไม่ได้เลยเราควรรอให้มันเริ่มบ้างจะดีกว่าซ่งเจียงจึงว่าเฮ้ยข้าไม่เห็นด้วยก็ในเมื่อพี่น้องเราพร้อมใจกันสู้รบอย่างนี้ผลลัพธ์ออกมาคงไม่ถึงต่แพ้อย่างแน่นอนในวันนั้นคำสั่งถูกผ่านลงไปรุ่งขึ้นเช้าพวกเขาก็หรือค่ายแบงกําลังออกเป็นสิบตอนแล้วเคลื่อนพลนออกไปอย่างรวดเร็ว ก่อนอื่นมีการรั้งสองตอนเอาไว้เป็นกองห น, นุนส่วนอีกแปดตอนนั้นไม่มีผู้ใดเสียเวลาเสวนากับข้าศึกกูตวาดบกธงทิวโถมเข้าใส่ค่ายกลจักรราศีในทันทีในตอนนั้นเสียงปืนใหญ่ก็ดังขึ้นจากฝ่ายเหลียวหนึ่งนัดประตูธงส8ิปทิศก็อ้าออกไพ่พลเหลียวพุ่งออกมาเป็นรูปงูชกใส่โดยไร้ทิศเข้าตีทหารซ่งไม่รู้ว่าจะตั้งรับตรงจุดไหนและข้าศึกจะตีออกมาจากจุดใด ด้วยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็พากันล่าถอยออกมาอย่างไร้ระเบียบทิ้งคลองทิ้งแตรให้กระร่องกระแรงล่าทงน่าควนเป็นหางอย่างกระุงกระรังกงว่าจะกลับถึงค่ายก็ล้มตายกันเป็นนักต่อนักส่งเจี้ยงสัมบรดาหัวหน้าให้ตั้งร้วนเนียดขึ้นเปิดช่องเขาเอาไว้ขุดคูลึกเอาไวร้รอบๆค่ายแต่งนาแสงเอาไว้ให้ทั่วปิดประตูค่ายให้สนิชห้ามผู้ใดเข้าออกกองทัพใช้ชุดฤดูหนาวอยู่แต่ในค่าย เพื่อเป็นการตอบสนองต่อข้าหลวงเจ้าอันปูที่มีดีกาขึ้นไปนกราบบุคคลทูลขอพระราชทานเสื้อผ้ากันหนาวให้แก่กองทัพออกศึกการนี้ให้หวางเหวนปินอดีตครูฝึกทหารในกองทหารรักษาพระองค์ปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการทหารป้อมค่ายที่เจิงโจคุมไปผู้บัญชาการหวางเป็นคนกล้าและฉลาดเฉลียวมีคุณสมบัติครบทั้งบุญและบูพาทหารติดเกาะไปด้วยกว่าหนึ่งหมื่นคนพร้อมสารถีขับเกวียน200ร้อยเล่ม บรรทุกเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกว่า5้าแสนชิ้นมุ่งหน้าไปทางสถานีสะพานเฉินมีหน้าที่ไปแจ้งให้ทรงเจียงเปิดฉากการรบพุ่งเร่งพระเดศสึกให้เสร็จโดยเร็ววหากชักช้าไปจะถูกลงโทษธทงสีเหลืองที่นำหน้าขบวนปักอักษรอ่านได้ความว่าเสื้อผ้าพระราชทานบรรดาขุนน้ำขุนนางตามเส้นทางที่ผ่านต้องสนองทั้งสเสบียงอาหารและปัญยา การเดินทางกินเวลานานหลายวันในที่สุดหวงังก็ได้พบกับข้าหลวงเจ้าที่ป้อมค่ายชายแดนส่งหนังสือให้ข้าหลวงเจ้ารับไปคี่อ่านด้วยความดีใจแล้วพูดขึ้นว่าแม่ท่านผู้บัญชาการมาได้เวลาพอดิพอดีเลยท่านส่งเจียมพยายามเข้าตีค่ายกลจักรราศีที่ไม่ทับวูเหียนแห่งทับเดียวตั้งครั้งแล้วครั้งเล่าแต่แพ้กลับมาทุกครั้งพวกขุนหน้าได้รับบาดเจ็บกันมากมาย ต้องมาพักรักษาตัวกับหมออันเต้ากวนอยู่ที่นี่ตอนนี้ท่านทรงเจียงรังทับเอาไว้ที่ตำบลยงชิงแต่ไม่กล้าออกตีท่านหดหูใจเป็นยิ่งนักหวางจึงว่าก็ด้วยเหตุนี้นี่เองพระจักรพรรดิจึงมีรับสั่งให้ข้าถือหนังสือมาถึงนี่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ท่านทรงเจียงร่วมกับไพ่พลของข้าทําการเข้าตีแม้ท่านทรงเจียงจะแพ้มาหลายครั้ง แต่ข้าก็ไม่อาจากลับไปรายงานสภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารกราบกองคมทูลพระจัากระพัดแต่เพียงแค่นี้ได้ถึงข้าไม่อาจนับว่าฉลาดเฉลียวแต่ก็ได้อ่านตำราพิชาสงครามมาบ้างแม้จะออกข้างงูงูปลาข้าจึงใคร่จะออกไปลองดูที่สนามสักหน่อยบางทีอาจจะพอผ่อนแรงท่านทรงเจียงได้บ้างไม่ทราบว่าใต้เท้าจะอนุญาตหรือไม่กระครับข้าหลวงเจ้าดีใจว่าแล้วก็จัดโต๊ะเลี้ยงดูปูเสือผู้บัญชาการ แล้วตกรางวัลให้คนขับเกวียนทั้งหลายพรางบอกให้หวางนําเสื้อผ้าไปส่งแต่ก่อนอื่นส่งหนังสือไปแจ้งส่งเจียงเป็นการล่วงหน้าก่อนตอนที่พลนาสารผู้นั้นไปถึงส่งเจียงกําลังนั่งกลัดคลุ้มอยู่ในกระโจมก็ได้รับแจ้งว่าผู้บัเจาการหวางเหวินปิ่นแห่งป้อมค่ายเจิงโจคนเสื้อผ้ากันหนาวมาจากเมืองหลวงห้า 0,000 ื่นชิ้นโอ้โหเมื่อกี้บอกเป็นแสนแสนชิ้นตอนนี้เหลือ5้0 0 0ืนไปไหนหมดเนี่ย แลได้รับอนุมัติให้ร่วมในการสู้รบซ่งเจียงรีบส่งคนไปเชิญผู้ประชาการหวางมาที่กระโจมหลังจากทั้งสองดื่มสุรากันไปหลายจอกหวางจึงเอ่ยปากถึงความยากลําบากว่าอยู่ที่ไหนซ่งเจียงจึงว่าตอนที่ข้ารับสนองพระบรมราชโองการให้มาที่ชายแดนนั้นก็ได้อาศัยบุญญาติการแห่งสมเด็จพระเจากาพัท ด, ดอกจึงสามารถยึดถูเมืองใหญ่ขึ้นมาได้ถึงสี่แห่งแต่พอมาถึงอยู่โจ ผู้เยยนแม่ทัพใหญ่ปลายเหลียวตั้งค่ายกวนจากกราศีใช้ไพ่คนสองแสนคนดาดดาบระหนึ่งจำนวนดวงดาวพลาวฟ้าที่มีกษัตริย์เหลียวเป็นองค์ประธานข้าพ่ายแพ้ติดติดกันมาหลายครั้งตั้งรับนั้นพอได้อยู่แต่จะให้รุกไม่ได้เลยข้าจึงไม่กล้าผาีผลามแต่ช่างโชคดีเหลือหลายที่ท่านผู้บิจาการใหญ่มาโปรดช่วยชี้แนะด้วยขอรับหวางจึงว่า เออไอ้ไข่คนจักรราศีไม่เห็นมีอะไรแปลกนี่ขอรับข้าเองใช่ว่าจะสามารถเฉลียวฉลาดหรือก็หาไม่แต่ก็ใครจะออกไปดูที่แนวหน้ากับท่านแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีส่งเจียงตกลงด้วยความยินดีสั่งเป่าส่วนให้นำเสื้อผ้ากันหนาวออกมาจ่ายแจกประดาหัวหน้าเพื่อนำไปให้ไพร่พลของตัวพอทุกคนแต่งตัวอุ่นสบายกันดีแล้วก็พากันผินหน้าไปทางทิศใต้เปลงวาจาสดุดีพระจกักรพรรดิ ขอให้อายุยืนหมื่นปีวันนั้นมีการเลี้ยงฉลองเพื่อเป็นเกียรติแด่หวังไพร่พลที่มาด้วยก็ได้รับตกรางวัลรุ่งเช้ากองทัพที่มาเสริมก็เคลื่อนพลผู้บัจการหวางเหวินปิ่นขึ้นม้า ขี่ออกไปแนวหน้าพร้อมชุดเกราะเต็มอัตราสุดทหารเหลียวที่อยู่ตรงข้ามก็รีบรายงานขึ้นไปยังกองบัญชาการใหญ่ร้องสึกประคมเกรี้ยวกรวดแสเดียวโอ้ยอวดเขย่ยประสาทเสียงกูตวตัดดังระงมทหารม้าหกตอนก็พวดออกมาจากที่ตั้งไปเหลียวส่งเจียนสั่งหน่วยของตนออกไปไล่จนหนีกลับไปหวางก็ปีนหอมหน่วยการขึ้นไปดูเฮ้ hey, เป็นเพียงค่ายคนธรรมดาธรรมดา หวางกล่าวขึ้นหลังจากปีนกระไดลงมาเฮ้ยไม่มีอะไรน่าตื่นใจเลยอันที่จริงหวางดูไข้กลหมักนั้นไม่ออกนะครับเพียงต้องการจะอวดภูมิจึงสั่งให้พลกรองแถวหน้าประคมกรองศึกขึ้นท้าทายปลายตรงข้ามก็เป่าแตรและรัวกรองรับส่งเจียงดึงม้าหยุดตะโกนออกไปว่าพวกเราไม่ต้องการหมาหรือไอ้คนสิ้นคิดพวกมึงมีตัวตนเป็นคนจริงจะออกมารบบ้างหรือไม่อื้อ ก่อนคำพูดจะสุดปากประตูธงดำที่สี่ก็เปิดออกในทาหารผู้หนึ่งนดลดดิ่วออกมาปล่อยผมยาวรวบกลลาววิเนือหน้าผาบร้อยรัดมัดผมเป็นปลอยด้วยแถกไหมสีเหลืองผู้เกราะโลหะดำด้านตีเป็นปอกประกบทับเสื้อกักสีดำในมือถือดาบสามแฉก ควบม้าดำสีขนนกกาน้ำมาที่แนวรบอย่างกระฉับกระเฉงบรรดาในทหารระดับรองที่ม้าตามกันมาเป็นขโยงทงที่หัวขบวนจารึกอักษรอ่านได้ความว่ า, วาคุนพลชูลี่จูฉิงแม่ทัพกองหน้าผู้นั้นนั่นเองจะไปมีอะไรเหมาะให้สแสดงฝีมือไปยิ่งกว่านี้อีกแล้วหวางรำพึงคิดแล้วก็ราบหอกควบม้าลงสนาม ตรงเข้าใส่ขุนพลเหลียวผู้นั้นโดยไม่พูดพร่มทำเพลงหวางเสือกห อ, อกออกใส่ขุนพลตาต้าก็ใช้อาวุธปัดป้องทั้งสองสู้กันไปได้ราวยี่สิบเพลงขุนพลเหลียวก็ชักม้าทำทีเป็นหนีเพื่อ น, น่อให้หวางไล่อยอยล ต, ต, ตัวเองกระชับดาบในมือเอาไว้มั่นพอหวังไล่มาถึงก็เอี่ยวตัวขวับหันกลับไปสับคมดาบแหวกหัวไล่ลงไปถึงช่องท้อง ผู้ประชา ก, การหวางร่วงลงไปตายอยู่ใต้กีบม้ากองทัพเหลียวได้ถีก็โถมเข้าตีส่งเกียร์รีบเรียกไพร่พลกลับสู้พรางถอยพรางจนทัพซ่องหนีกลับไปถึงค่ายในสภาพไรระเบียบความตายของหวางเวนปินทําให้ไพร่พลทั้งนายทั้งบ่าวอกสั่นขวัญผวาแอบมองตากันให้เ ล, ลิกล่ะส่งเกียร์รีบมีหนังสือรายงานไปยังข้าหลวงเจ้าหวางเวนปินอาสารลบด้วยสมัครใจและถูกฆ่าตาย ให้คนที่เขานํามาเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็กลับไปยังเมืองหลวงแล้วข้าหลวงเจ้ารับฟังข่าวด้วยความหดหูยิ่งนักได้แต่ส่งผ่านข่าวนี้ขึ้นถวายรายงานและมีระยมสภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารอีกชุดหนึ่งส่งเจียนนั่งจับเจ่าวอยในค่ายครุ่นคิดหาหนทางทลายค่ายกลของทัพเหลียวปานหัวจะแตกจะกินจะนอนจะลุกจะนั่งก็ไม่เป็นสุขคืนนั้นอากาศหนาวเหน็บ ขณะครุ่นคิดอยู่หน้าแสงเทียนที่สาดกระจายไปทั่วห้องก็ได้แต่ถอนใจในราวยามสองก็เอ็นตัวลงนอนทั้งๆ ท, ท, ที่ยังใส่เสื้อผ้าภายนอกกระโจมสายลงเกลี้ยกลาดบาดกระดูกจึงผุดลุกขึ้นหนังทันใดนั้นก็เห็นเด็กหญิงสามเมรีผู้หนึ่งในชุดเขียวปรากฏกายขึ้นอยู่เบื้องหน้ามือพนมอยู่ในท่าสาธุการ ส่งเจียงจึงเอ่ยปากทักว่าน้องหญิงท่านมาจากไหนหรือขอรับข้ามาตามรับชังของเจ้าแม่พระนางให้มาเรียนเชิญขอรบกวนท่านแม่ทัพตามข้าน้อยไปสักหน่อยหนึ่งจะได้หรือไม่แล้วเจ้าคะเออแล้วพระแม่เจ้าของท่านอยู่ที่ไหนหรือจากนี้ไปไม่ไกลดอกเจ้าคะส่งเจียงตามเด็กหญิงรับใช้ผู้นั้นออกกระโจมไป ภายนอกแสงมะลังมะเรืองเจิญจรัสแผ่สะพัดไปทั่วฟากฟ้าทั้งเบื้องบนเบื้องล่างล้นอับด้วยรัศมีหยกและทองคําสุกคนทรถโบกโบยในสายลมเฉยอ่อนกระไอหมอกอวนกรุน่นเจือจางไปทั้งอาณาบริเวณนี่เป็นบรรยากาศแห่งฤ ด, ดูใบไม้ผลิดโดยแท้ทั้ง 2. เดินไปได้ราวๆสองสามลี้ส่งเจียงมองออกไปในป่าสนและต้นมะกอกม่วงก็เห็นระเบียงหินสร้างเป็นถนนลัดเลาะเข้าไปในป่าไผ่และดงหลิว โรยกิ่งก้านคดโคง้งพอข้ามสะพานหินเข้าไปก็ลอดวงกบประตูใหญ่สีแดงสดเข้าไปในสนามหญ้าอันเป็นที่ตั้งของหมู่ตำหนักฝาผนังทาสีสวยงามจันทร์ธันกระดานโค้งคือแปรสลักสลาปุ่มที่ประตูนั้นเล่าก็ทําด้วยทองคําแม้แต่กระเบื้องมุงลังคาก็ทํามาจากยกชายคาหนักก่งเป็นท้องช้างช่องประตูหน้าต่างโค้งดังหลังเต่าห้าม่านก็โปรงเบาราวหนวดกุ้ง สามเณรีนำส่งเจียงเดินไปตามระเบียงที่ทอดตัวไปทางตะวันออกแล้วหยุดที่หน้าห้องปีกซ้ายห้องหนึ่งนางผลักประตูให้เปิดออกแล้วบอกให้ส่งเจียงนั่งพักสักครู่ด้านตรงข้ามกับห้องนั้นเป็นหน้าต่างเมฆสงัดเบื้องหน้าเป็นยกพื้นตัดกับรัศมีอาทิตย์อสดงเป็นฉากหลังห้องทั้งห้องหอมตลบอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้สวรรค์และกํายานหายาก เด็กหญิงผู้นั้นจากไปประเดี๋ยวหนึ่งก็รีบกลับมาบอกว่าราชินีของเราขอเรียนเชิญท่านในดาวไปเข้าเฝ้าได้แล้วเจ้าค่ะบอกเก้าอี้นั่งยังไม่ทันจะอุ่นส่งเจียงก็รีบลุกขึ้นนางกำนันสองนางก้าวเข้ามาบนศีรษะ์ระดับด้วยช่อชบาและหยกแต่งกายด้วยผ้าไหมสีแดงสดสารดิ้นทองใบหน้ากลมใสดังเดือนเต็มมือไม้นวลใสดังหน่อไม้พิ่งแทงยอด ทั้งสองหน่วยนาจมาถามส่งเจียงและคารวะแม้แต่ใบหน้าส่งเจียงก็ยังไม่กล้ามองตรงนางคว้าทั้งสองเอ่ยขึ้นว่าเออไม่ต้องมารยาทไปดอกเจ้าค่ะเจ้าแม่ของพวกเราเพิ่งจะผัดภูษาพระนางใครจะหาอกิจการบางประการกับท่านโปรดตามมาด้วยเจ้าค่ะส่งเจียงก็ตาไปโดยดุษฎีของดังง่างกระดิ่งฉิงรับ เด็กหญิงในชุดเขียวผู้หนึ่งก็นำส่งเจียงเข้าไปในท้องพระโรงอับซรทั้งสองนางพยุงส่งเจียงขึ้นบันไดทางทิศตะวันออกทั้งหมดก้าวขึ้นไปจนถึงม่านไข่มุกส่งเจียงได้ยินเสียงกระดึงหยอกล้อเล่นกับสายลมดังกรุง้งกริง้งเด็กหญิงในชุดเขียวกล่าวเชิญอีกครั้งส่งเจียงก็ก้าวเข้าไปคุกเข่าลงคาระวะหน้าโต๊ะกระถางทูบตัวหนึ่งพอเสร็จสรงเจียงก็เหลือบตาขึ้นมองไปรอบๆท่ามกลางควันทูบสีม่วงใหม่ๆที่ฟุ้งกระจายไปทั่วห้อง เจ้าแม่นกพสวรรค์ทรงประทับนั่งบนบันลังตรงหน้าที่สลักสเลาเป็นลายมังกรทั้ง9กบนเสียงพระเจ้าพระนามทรงมงกุฎรูปหงส์และมังกรทรงเสื้อครึ่งท่อนสีเนื้อโปรง่งใสดังใหญ่แมงมุมตกแต่งลายหงมังกรด้วยอัญมณีมีค่ากระโปรงลายสุริยันจันทราพระบาททั้งสองข้างใอ่อยู่ในฉลองพระบาทลำลองลายเมฆระดับมุกทรงแทะด้ามหยก ข, ขาวบริสุทธิ์เอาไว้ในพระหัตถ์ มีนางอับซรสนองพระโอษฐ์ราวยี่สิบสามสิบนางพระนางมีพระราชาสวนีต่อทรงเจียงว่าตั้งแต่มอบตำราสวรรษสามเล่มให้ไปก็หลายปีล่วงมาแล้วท่านเก็บรักษาและปฏิบัติตามอย่างแน่วแน่ไม่ได้ขาดตกบกพร่องแล้วจกกักรพรรดิทรงรับสั่งให้ท่านยกทัพมาปราบพวกเหลวตาตาท่านได้ชชนะหรือไฉนทรงเจียงมอบกราบและถวายรายงานว่า เออตั้งแต่ฝ่าพระบาททรงประธานตำราเหล่านั้นมาให้หมอมชั้นบูชาและเก็บงำเอาไว้เป็นความลับหมอมชั้นรับกระแสรับสั่งจากพระจกักรพรรดิให้มาปราบพวกเหลียวแต่จนเดี๋ยวนี้ต้องพ่ายแพ้แก่ข่ายกลจากราสีของอูเหยียนแม่ทัพใหญ่ฝ่ายข้าศึกเรื่อยมาหมอมชั้นไม่ทราบว่าจะกระทฮอมันได้อย่างไรพวกเราตกที่นั่งลาบากนักพระเจ้าค่ะอ้าวท่านไม่รู้แคดลับกระนั้นหรือ ทรงเจียงกราบทูลว่าเอ่อมาม า, มาไม่ได้พระเจ้าค่ะกๆๆ้าวกระหมอ่อมเป็นแค่คนโง่เขลาวรราปัญญาขอพระเจ้ทานองค์โปรดสั่งสอนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้ายจากราศีนี้ตั้งจาลองขึ้นตามระบบจักรดาราในสุริยะจักรวาลเพียงศักดิ์แต่วาตีทําอันตรายมันไม่ได้ดอกท่านต้องดําเนินตามกฎแห่งความสมรรถฉัและความเป็นปฏิบัติต่อกันและกันอทิเช่นหมู่ธงดํา เป็นสีต้องชโล ก, กับธาตุน้ําโดยมีกลุ่มดาวหมอกทั้งห้าทั้งทิศเหนือเป็นธงชัยท่านต้องคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายท่านเจ็ดคนติดธงผูกเกราะใส่เสื้อผ้าและม้าที่ขี่ก็ล้วนให้เป็นสีเหลืองเป็นธาตุดินทั้งสิ้นเข้าตีทับมา้าธงดําทั้งเจ็ดแล้วเลือกหัวหน้าที่กล้าแข็งที่สุดผู้หนึ่งแต่งกายด้วยสีดินเหลืองแบบเดียวกันตีฝ่ามุกเข้าจับขุนพลธาตุน้ําของศัตรูพวกเรารู้กันดีไม่ใช่หรือว่า ธาดดินข่มธาดน้ำแล้วส่งไพรพนชุดขาวภายใต้กระ น, นำของหัวหน้าอีกแปดคนเข้าตีทับข้าศึกที่ถือธงเขียวทางซ้ายเพราะธาดโลหะข่มธาดไม้ส่งทหารชุดแดงภายใต้กระ น, นำของอีกแปดหัวหน้าเข้าตีทับขาวทางด้านขวาเพราะธาดไฟข่มธาดโลหะส่งอีกแปดหัวหน้าถือธงดําเข้าตีทัพหลังของฝ่ายเหลียวที่ถือธงแดง เพราะธาตุน้ำข่มธาตุไฟแล้วส่งอีกแปดหัวหน้าพาพลถือธงเขียวเจาะเข้ากองกลางจับตัวแม่ทัพที่ถือธงเหลืองของศัตรูเพราะธาตุไม้ข่มธาตุดินส่งอีกหน่วยหนึ่งถือธงปักแต่งชุดลายดอกไม้เข้าตีปีกสุริยันของข้าศึกให้อีกหน่วยหนึ่งถือธงง่วงผูกเกราะเงินเข้าตีปีกจันทราสำหรับขบวนราชรถทั้งยีสี่เล่มตรงกลางก็ต้องกับ24ลัคนาแห่งระบบสุริยักษ์ ก็จงเตรียมเงียนติดปืนใหญ่เข้าถล่มใส่ให้กองซุนเชงเรียกพายุดาวพัดกลบสมรภูมิรบปิดบังกำลังพลฝ่ายเราให้มิดแล้วตะลุยเข้าใส่ตัวกษัตริย์ของพวกเหลียวโดยใช้กลวิธีนี้ท่านจึงจะได้ชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จแต่ท่านต้องไม่ดำเนินยุทธการในเวลากลางวันต้องรอให้มืดซะก่อนแต่ท่านต้องนาทัพและบงาาาังคับบัญชาทัพหลวงด้วยตนเองกาชับกาชาไพรพลพให้จงหนัก จงจําไว้ว่าต้องทําให้แล้วเสร็จไปในไม้เดียวคําพูดของข้าต้องปกปิดเป็นความลับจงปกปักรักษาผืนนเ่นดินนำสันตสุขกลับมาสู่กวงประชาราษฎร์อย่าได้ย่อหย่อนไปเด็ดขาดการพบปะระหว่างเทพกับมนุษย์เช่นนี้มีเวลาจํากัดตอนนี้เราต้องแยกทางกันบนโลกโดยเด็ดขาดซะแล้วหากท่านกลับขึ้นมาพํานักอาศัยอยู่บนสงสวรรค์เมื่อใดเราคงได้เจอกันอีกรีบกลับไปยังค่ายของท่านโดยเร็ว อย่าได้แกลวอยู่แถวนี้เจ้าแม่นพสวรรค์รับสั่งให้เด็กหญิงรับใช้ในชุดเขียวรินน้ำชาส่งเจียงดืม่มพระนางจึงโปรดให้เด็กหญิงชุดเขียวไปส่งในดาวส่งเจียงกลับค่ายแม่ทับหน้าส่งสิโรราบลงเขาเต่ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคมลาเด็กหญิงผู้นั้นก็นํำส่งเจียงเดินลงบันไดาทางทิศตะวันตกลอดออกทางประตูใหญ่ที่ทาวงกบสีแดงเดินไปตามทางทั้งสอง ท่ามสะพานสีลาเข้าไปในป่าสนเด็กหญิงในชุดเขียวก็ชี้ออกไปให้ดูเบนะื้องหน้าเอ้านั่นไงล่ะกองทับเหลียวอยู่ที่นั่นนั่นแหละคือที่ที่ท่านต้องตีฝาเข้าไปส่งเจียงมองไปทันใดนั้นเด็กหญิงก็เอามือตบเข้าที่หลังเบาๆเป็นเชิงผักส่งเจียงก็ตกใจตื่นขึ้นจากฝันท่ามกลางความสงัดในยามดึกก็ได้ยินเสียงคนยามเคาะกรองบอกเวลายามสีเข้าไปแล้ว ส่งเจียงรีบเรียกหาที่ปรึกษาทัพมาแก้ฝันบูหยงก้าวเข้ามาในกระโจมส่งเจียงก็เอ่ยปากถามไปว่า <S <S เออท่านอาจารย์มีแผนจะทำลายค่ายกวนจักรราศรีแล้วหรือชันไหนบูหยงตอบว่า <S <S เออยังร้อยขอรับส่งเจียงจึงพูดต่อไปว่าเออเมื่อกี้เนี้ยข้าได้ไปเข้าเฝ้าเจ้าแม่นพสวรรค์ในฝันพระนางบอกวิธีแก้เคล็ดให้ข้าใคร่ครวรแล้ว จึงใคร่จะขอความคิดเห็นจากท่านแล้วเรียกพวกหัวหน้ามาสั่งการศึกครั้งนี้พวกเราต้องทำให้ดีที่สุดวูหยงว่าเออข้าก็ใคร่อยากจะฟังขอรับส่งเจียงไขกลวิธีให้ฟังแต่เพียงสั้นๆผลก็คือ กัตริย์ตราธิราชเจ้าแห่งราชอาณาจักรเหลียวต้องสวามิภักดิ์ยอมสิโรราบให้โดยปราศจากเงื่อนไขและแม่ทัพใหญ่วูเหยียนต้องเอาชีวิตมาเส้นถึงแก่อสัญกรรมจริงทีเดียวมีเพียงยุท ธ, ธวิธีแห่งปราดจึงคู่ควรกับยุทธศาสต ร, ร์จากสวรรค์หน้าคนศึกแห่งจักรราศีทัพส่งเจียงก็ฝ่าด่านเวศสยบอาเพศลงสำเร็จส่งเจียงจะใช้กลวิธีใดทำลายค่ายกนหมากนั้น ฟังบทถัดไปหากว่าใครจะรู้ซองกัง๋งตอนที่แปดสิบเก้า่งเจียนเจาขค่ายกลคู่กประปะจอมพลสูรรับสนองสันติภาพ ถ่ายทอดกระแสะรับสั่งของเจ้าแม่แรัชวรรดิในฝันให้หูหยงฟังพอทั้งคู่หารือรูดทางกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็รีบแจ้งให้ทางข้าหลวงเจ้าทราบ พ, พวกเขาเตรียมเกวียนติดปืนใหญ่24เล่มสร้างขึ้นด้วยไม้กระดานและแผ่นเหล็กยัดเชื้อไฟชุบน้ํามันเอาไว้ข้างใต้ข้างบนติดตั้งปืนใหญ่ในการนี้คลปืนใหญ่ในทัพต้องทํางานกันหามรุ่งหามค่าเมื่อแล้วเสร็จส่งเจียงก็เรียกระดมบรรดาหัวหน้ามาสั่งการ ให้ทหารม้าชุดเหลืองภายใต้การบัญชาการของคุณพลทวนคู่ตรงผิงเข้าตีศูนย์กลางท่าด้ำของข้าศึกให้หน่วยอื่นๆแต่งกายแบบเดียวกันภายใต้บัญชาการของหัวหน้าอีก7ดคนแยกเข้าตีทหารม้าธงดำทั้ง7กองของข้าศึกที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั้งซ้ายขวาให้หัวเสือดำหลินชงนำทัพใส่ชุดขาวและชุดทองเคลื่อนจากทิศตะวันตกเข้าตีศูนย์กลางของทัพข้าศึกท่าดไม้และให้หัวหน้าอีก7ดคนนั่งกำลังแยกย้ายกันไปทั้งซ้ายขวาเข้าตีทัพเหลียวอีก7็ดกองที่ถือธงเขียว ให้ทัพมา้าในชุดแดงเพลิงใต้การนำของอัศนีบาดสายฟ้าฟาดชิงหมิงเข้าตีศูนย์กลางทัพโลหะของข้าศึกจากทางทิศใต้ mm hmm. พร้อมกันนั้น mm hmm. ก็ให้หัวหน้าอีกเจ็ดคนเข้าตีทัพเหลียวติดธงขาวที่ตั้งอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวา mm hmm. ให้ทัพม้าใส่ชุดดําธาตุน้ํานําโดยกระบองสองมือฮูเหวินโจเข้าตีที่ตั้งของธาตุไปลงมาจากทางเหนือขณะเดียวกันหัวหน้าอีกเจ็ดคน mm hmm. ก็ให้เข้าตีทัพข้าศึกติดธงแดงที่ป้องกันศูนย์กลางอยู่ทั้งซ้ายและขวา ให้ทับมาในเสื้อผ้าสีเขียวธาตุไม้ภายใต้การบังคับบัญชาของขุนพลเงาใหญ่กวนเชงเดินทับจากทิศใต้เข้าตีศูนย์ประชาการธาต ด, ดินของแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหลียวขณะเดียวกันหัวหน้าอีก8คนให้นำทหารเข้าตีทับหลวงของข้าศึกทั้งซ้ายและขวาให้หน่วยที่ถือธงปักใส่เสื้อผ้าลายดอกไม้ภายใต้การนำของอีเจหัวหน้าเข้าตีกองพลสุริยันทางด้านซ้ายและให้หน่วยที่ใส่เสื้อผ้าสีม่วงผูกเกราะเงินภายใต้การนำของอีก7หัวหน้า เข้าตีกองพลจันทราของฝ่ายตาต้าทางปีกขวาให้กองทับกล้าแข็งและดุดันภายใต้กระนำของอีกหกวหน้าเจาะฝาข้าสึกเข้าไปตรงกลางเพื่อจับตัวกษัตริย์เลี้ยวควหน้าอีกห้าคนคุ้มกันกองเวียนติดปืนใหญ่ทั้งย4ิบสี่เล่มทุ่มเข้าใส่กองกลางให้ผู้บัญชา ก, การทัพเรือและไพรพลเดินเรือเข้ามาให้การสนับสนุนการเข้าตีครั้งนี้ให้ใกล้สมรภูมิมากที่สุด ในการนี้ทัพซุ่มเจี้ยงจะตั้งค่ายกล9ตอนแปดเหลี่ยมและคอยอานวยทัพทั้งหลายทั้งปวงโดยใช้ธงห้าเหลี่ยมแปดพื้นพระทรงผ่านคําสั่งเสร็จบรรดาหัวหน้าก็แยกย้ายกลับไปเตรียมการอย่างหน่วยของตนเวียนติดปืนใหญ่ยีสี่เล่มใส่อุปกรณ์ครอบครันก็ถูกใส่ออกไปอย่างแนวหน้าก็จริงดังเขาว่ายุทธการครั้งนี้จะสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วสวรรค์หยันพิภพเขย่าทั้งอสูรทั้งมารให้ตัวสถาน ส, าสั่นสะทก ขณะเดียวกันทางฝ่ายหูเยียนผู้บัญชา ก, การทหารสูงสุดของทัพเลี้ยวเมื่อเห็นส่งเจียงกราชัยให้ฝ่ายตัวครั้งแล้วครั้งเล่าก็ย่ามใจส่งทหารออกมาทารถทุกวันในวันนั้นก็ส่งหน่วยหน้าเคลื่อนที่มาล็ะกเล็มอยู่ตามริมค่ายของฝ่ายส่งส่งเจียงก็ไม่สนใจง่วนอยู่แต่เตรียมการของฝ่ายตนให้พร้อมและในที่สุดก็ดเดกเลิกผานาทีในการเข้าตี บ่ายของวันนั้นส่งเจียงเคลื่อนไพร่พลของตนออกจากค่ายพอเข้าใกล้ที่ตั้งของฝ่ายเยวก็สั่งให้ไพร่พ ล, พลกระจายกำลังกันออกเป็นแถวหน้ากระดานรอคอยให้ถึงเวลามืดคำ่ำระหว่างนั้นพลธนูของทัพซ่งคอยสะกดไม่ให้ข้าศึกเคลื่อนเข้ามาใกล้พอใกล้คำ่ำก้อนเมฆขนาดใหญ่ก็ก่อตัวขึ้นยังไม่ทันพบเมฆก็กลบแสงตะวันจนแลดูเหมือนดังกลางคืนส่งเจียงสั่งไพร่พ ล, พลให้คาบร่องหญ้าเอาไว้ในปาก รอเสียงสัญญาณคืนนั้นก็สั่งทัพฝ่ายตนทั้งสเคลื่อนออกไปเหลื อ, อไว้ป้องกันตนเฉพาะทัพมา้าในชุดเหลืองทัพที่เคลื่อนออกไปไล่ตะเพิดหน่วยหน้าของข้าศึกแล้วก็พากันโอบล้อมที่ตั้งของค่ายศูนย์ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือเอาไว้โดยรอบพอได้ยามแรกเสียงปืนใหญ่จากฝ่ายซ่งเจียมก็ระเบิดขึ้นเป็นชุดๆหน่วยหูเวนโจก็ตีตะนวยเข้ายึดหน่วยธาตไฟของข้าศึกอวนเชง จอดเข้าไปในทับหลวงตอนกลางตรงเขา้ายึดที่ตั้งของธาตุดินหลิ้นชงแก้อกอกตีปีกซ้ายยึดหน่วยธาตุไม้ชินหมิงตีเขาใส่ปีกขวายึาดธาตุโลหะตรงผิงตีกองหน้าเขา้ายึดธาตุน้ำกงซุนเฉ่งชูกระบี่ขึ้นโบก โอมอ่านคาถาจากดาราแล้วปล่อยสายฟ้าวิชุณดาออกไปทั้ง5เส้นล้มดึกพัดพล้าขึ้นมาจากทิ่ใต้กันโชคแรงจัดกระทั่งโน้มยอดไม้ลงจู่พื้นกรวดหินดินทรายฟุ้งกระจายปลิวกันให้ว่อ <gross> นเทพอสนีบาทกรีดท้องฟ้าที่มืดมิดให้เห็นเป็นทางสว่างวาบ เวียนปืนใหญ่ทั้ง24เล่มผ่านใต้การคุ้มกันของหน่วยทหารนอฟบิน500รอคนโดยบัญชาการของหัวหน้าห้าคนก็ทะลวงเข้าใส่ที่ศูนย์กลางทัพเหลียวนางกระบี่เหล็กสิเสี้ยพร้อมทหารทิ้งเข้าไปตรงกลางของทัพสุริยันข้ามหลวงจีนลู่หลังลายก็บุกเข้าใส่ทัพจันทราเจ้าสัวลู่กับทหารบุกตามเวียนไฟทั้ง24ี่เล่มเข้าตีทัพหลวงกองทัพทุกหน่วยก็พากันตรงเข้าเข็นฆ่าประหารประหารคู่ศึกของตัว ฝืนใหญ่สัตว์กระสุนออกไปในยามดึกสายฟ้าก็คคลงคลึกอยู่เหนือหัวท่ากลางบรรยากาศแห่งการเข่นฆ่าก้อนหินดินทรายปลิวกันให้คละครุร้งการสังหารเข่นฆ่าช่างมากมายจนดาวเดือนเร้นกายไปจากภาคฟ้าแม้กระทั่งมานต้องร่ําให้อสุรกายยังต้องโศกาจามันขณะบรรดาทวยทหารพันตูกันอยู่ในมิกาสัญญีตอนที่หูเหยียนแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหลียวได้ยินเสียงขู่ตวาดและความโกลาหลโอละมานอุบัติขึ้นจากการต่อสู้โดยรอบ ตัวกำลังวุ่นอยู่กับการสักเปลี่ยนบรรดาขุนพลพอจะขึ้นม้าเกวียนทั้ง24ี่เล่มก็แล่นฝ่าเข้ามาถึงกลางทัพปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเกวียนพันก็ระเบิดออกเขย่าพื้นพระสุธาสาดลูกไฟขึ้นเต็มท้องฟ้าตกลงมาทั่วบริเวณกวนเชงกับทัพม้าของตนก็กระโจนเข้าใส่กระโจมของแม่ทัพใหญ่หมูเห ย, ยนกุ ง, ง้าวงเดือนของตนววกม้าเข้ารบกับกวนเชง กาวทันไร้ขนจางฉิงสัตว์ก้อนหินเข้าใส่องคารักบูเยียนทั้งซ้ายขวาบาดเจ็บเป็นจำนวนมากที่เหลือพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหัวหน้าอีกสี่คนก็ไล่าตามเอาตัวประดาคนเหล่านั้นมาสังเวยดับบูเหยียนเห็นองคารักหนีไปสิน้นก็ชัก ม, ากม้าควบหนีขึ้นไปทางเหนือวนเชงขยบม้าไล่ฝ่ายหัวหงพอเห็นบูเหยียนหนีก็ไล่ขวัตามไปบ้าง ไฟ <Hey. S 1> หัวหลงพอเห็นมูเหยียนหนีก็ไล่กวดตามไปบ้างขึ้นดอกเกาทันเข้ากับคันธนูแล้วดีดเกาทันดอกนั้นปากเข้ากลางแผ่นหลังของไม่ทับเหยียนพอปลายลูกดอกกระทบกับแผ่นเหล็กที่ป้องกันแผ่นหลังสะเก็ดไฟก็กระเด็นก่อนที่หัวหลงจะทันได้หญิงซ้ํากวนเฉิงก็ไล่ตาไปทันหวดเงาวมังกรครามลงมา hey. มตก วันนั้นแม่ทัพปูเยียนผูกเกราะถึง3ชั้นเลยทีเดียวในที่สุดเกราะอ่อนเหล็กสารชั้นที่2เป็นกราะหนังสัตว์ทะเลแล้วสวมทับด้วยชุดเกระอ่อนทําด้วยทองอีกชั้นหนึ่งงาของกวนเชงล่วงเข้าไปได้เพียง2ชั้นจึงเงาเ ง, งาขึ้นจะฟันไปอีกครั้งหูเยียนหลบเข้ามาใต้เงาเง า, เงาสะดึกเข้าฟันด้วยเงา ว, วงเดือนของตอนบ้าง <todos. S 1> ทั้งสองรบกันไปได้ราวห้าเพลง หัวหลงควบม้ามาทันก็ยิงกับทันอีกดอกเข้าใส่ใบหน้าบูเหียนก้มลหลบฉลกหมวกเหล็กทรงผู้หงแต่คมธนูยังถากเนื้อที่ติ่งหูออกไปหน่อยหนึ่งหูเหยียนรีบผาดนี้ Bry จางฉินไล่าตามเข้ามาผสมโรงสัตว์ก้อนหินเข้าใส่หัวแม่ทับหูเหยียนหน้ากำามำลงซบกับอานมา้าแต่ก็ยังแข็งใจควบม้าหนีต่อวนเชิงห้อตามไปรดยเงาเรียบพื้นไปเป็นทางพอทันก็ขัดเสยเข้าให้ครั้งหนึ่ง คม ง, งามบังกรครามงัดขึ้นผ่านช่องบันเอลตัดเข้ากระดูกซิคโครงเก็ขเบขบเขตเช็ดระนาดขาดระเนนขึ้นไปจนเห็นกระโหลกร่างแม่ทัพปูเยียนทับตกลงสู่พื้นหัวโลงตรงเข้าจับบางเหยียนเปลี่ยนกับม้าของตัวจางฉินมาถึงก็แทงไปหอกซ้ำเข้าที่ร่างที่กำลังซุกอยู่กับพื้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทัพเหลี <itative S 1> <chut ney S 2> ้ยวนักลอบผู้ห้าหารชาตสมรก็มาจบชีวิตลงด้วยหนึ่งเงาวกับอีกหนึ่งหอกวูบวับดับหายไปดังกระไอฝันช่างน่าแวทนาเป็นยิ่งนักลุงจีนลู่นำบูสงกับอีกห้าหัวหน้าบุกเข้าไปในทัพสุริยันพระอนุชาเย่อหลูเต๋อจงขยับจะหนีแต่ต้องคำมั่ลงจากหลังม้าเมื่อบูสงใช้ดาบฟันเขาที่คอม้าจนคอหักคนฆ่าเสือตามไปดึงพระเกามาแล้วลงดาบเ โอรถที่เหลืออีกสององรีบหนีโอตัวรอดของคนสุริยันแตกไพ้คนหนีตายกระจายไปทุกทิศทุกทางหลวงจิลูดตะโกนสั่งว่าเอาพวกเราเข้าไปจับพระเจ้าเหลียวกันที่กองกลางจะดีกว่าจะได้จบจบกันไปฮส่วนที่กองพลจันทราพระเจ้าลูกยาเธอทรงสดับเสียงกูตวัดซึ่งดังมาจากทั่วด้าน กระดมนักรบหญิงของพระนางรุดออกไปช่วยแต่ก็ถูกนางกระบีเหล็กสิทเสียถือกระบีค่คู่กับแม่นางกู้พร้อมด้วยหัวหน้าอีกหคนกลุ่มรุมเข้าใส่ที่หน้ากระจมนั่นเองหลังจากรบกันไปได้หลายเพลงนางกระบีเหล็กสิทเสียก็รวบ ก, กระบี่ของตัวสะดึกเข้าประชิดยื่นลำแขนออกไปรวบบั้นพระองค์อ่อนแอของราชนกูลสาวรัดเอาไว้แน่นทั้งสองปอดร่มตามติดกันไปบนหลังมา้า เสือเตี้ยวหวังได้ทีก็ตรงเข้ารวบตัวพระราชนิจนาเอาไว้แม่นางผู้กับนางไม่มดสุนรวมทั้งหัวหน้าฝ่ายชายอีกสามคนก็รุกไล่เข็นฆ่าบรดานนักลบหญิงเหล่านั้นแตกกระจายไปโอ้ว่านี่จาหนอ๋ถูกพนาพนาตาพนาตามพระไทยเลี้ยงดูเอาใจใส่ประครบประงมกันมาแต่อ้อนแต่ออกต้องมาถูกเขาจับเขายับเอาตอนนี้ลู่จุนยี่กับไพร่พลก็ตีหักเข้าไปกลางทักเหลียวเข็นฆ่าไม่ทันในกองล้มตายลงเป็นเบือ ส่วนสองพี่น้องเซซเจ่นกับเซซเป้าก็ล้มทงประชาการลงได้กษัตริย์เหลียวภายใต้การคุ้มกันอย่างเหนียวแน่นของราชองครักษ์และเสนา บ, บดีน้อยใหญ่รีบเสด็จหนีขึ้นไปทางเหนือแต่พระนัธ ด, ดาเยอ่อหลูเต๋อหงกับเยอ่อหลูเตอ๋อสินถูกฟันตกหลังม้าสิ้นชีพิตักสัยพระนัท ด, ดาเย่อหลูเตอ๋อหัวถูกจับ ส่วนเยื่หลูเตอ๋อซ่งหายไปโดยไม่มีผู้ใดรู้กองทัพเหลียวถูกล้อมเอาไว้รอบด้านการเข็นฆ่าดําเนินไปจนถึงยามสี่กองทัพเหลียวทั้งสองแสนก็ไม่มีผู้ใดเหลือรอดไปเลยแม้แต่คนเดียวพอรุ่งเช้าหัวหน้าทั้งหมดก็กลับมาชุมนุมกันส่งเจียงให้เป่าแตรสัญญาณเรียกรวมพลสั่งให้นําเฉลย ท, ทั้งหมดที่ถูกจับมาขึ้นรางวันนางกระบี่เหล็กสิบเสียมาพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอ ลู่จุนยี่ทรงพระนัดดาเย่อหลูเตอ๋อหัวจูถงส่งขุนพลโลกบาลท่าตน้ําชูลี่จูฉิงคนหน้าคนอื่นๆก็มอบขุนพลอีกห้าคนพร้อมทั้งศสียสะและพระเสียนอีกจํานวนนับไม่ถ้วนกษัตริย์เหลียวล่าถอยกลับเหยียนจิงด้วยความอกสั่นขวนัญแขวนๆทรงบัญชาให้รีบปิดประตูเมืองทั้ง4ี่ป้องกันค่ายคูและห้ามไมให้ผู้ใดออกไปรบกับข้าศึกอีกเมื่อทราบข่าวว่าพระเจ้าเหลียวเสด็จหนีไปเยียนจิง ส่งเจียงก็สั่งให้รื้อค่ายยกตามไปปิดล้อมเอาไว้แล้วส่งคนไปเชิญข้าหลวงแทนพระองค์มาตั้งค่ายอยู่ด้านหลังคอยดูการรบที่จะตามมาส่งเจียงสั่งใคร่พนของตนให้ต่อบันไดปีนกำแพงเมืองล่อปืนใหญ่เตรียมถล่มสร้างหอรบเตรียมการบุกใหญ่พระเจ้าเหลียวทรงปริวิตกยิ่งนับ มีกระแสะรับสั่งให้โมเินาอามาดเข้าเฝ้าเพื่อร่วมหารือพวกเขาร่วมกันกราบบนคมทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่พลเปล่าสถานการเข้าตาอับเส็จแล้วพระเจ้าค่าทางที่ดีที่สุดคือยอมแพ้ต่อราชนจาจักรส่งจะดีกว่าพระเจ้าเหลียวทรงเห็นชอบจึงบัญชาให้ชักธงยอมแพ้ขึ้นบนเชิงเทินแล้วให้ทูตถือพระราชสารไปยังค่ายฝ่ายส่ง พวกเราจะส่งหมูเห็ดเป็ดไก่หมาลาไข่มุกและอัญมณีมีค่าเป็นบรรดาการให้ทุกปีและสัญญาจะไม่รุกรานราชนจาจักรกลางอีกต่อไปส่งเจียงรีบพาราชทูตเข้าพบข้าหลวงเจ้าที่ค่ายด้านหลังแล้วเล่าความตามที่ฝ่ายเหลียวเสนอมาข้าหลวงเจ้าจึงเอ่ยขึ้นว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ของแผ่นดิน มีก็แต่พระจกักรพรรดิพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงตัดสินพระไทยมีพระกรมราชไม่ได้ใชได้ข้าเองก็ไม่มีอำนาจพวกท่านต้องทรงเสนาบดีผู้ใหญ่เดินทางไปยังเมืองหลวงกราบทูลขอเข้าเฝ้ามีเพียงพระจกักรพรรดิเท่านั้นที่จะทรงมีพร ะ, ะราชกฤษฎีกาพระาชทานอภัยโทษในความผิดของพวกท่านได้แล้วพวกเราจะยุติสงครามยกทัพกลับราชทูตกลับไปถวายรายงานกษัตริย์เหลียวที่เหยียนจริง องอธิกาไทยมีกระแสรับสั่งให้หาเสนาบดีทั้งบุญทั้งบูเข้าเฝ้าหารือเสนาบดีฉูเจี้ยนอุปนายกก็กราบองคมทูลว่าขอเดชะอาญามิผลกล่าวกองทัพเราแบบ น, นี้อ่อนแอแม่ทัพไห้กองก็ร่อยรอเหลือน้อยให้ผลก็หมดสิน้นเราจะไปต้านทานศัตรูได้ชะไห น, นแต่ในความคิดเห็นของข้าพระบาทในยามหัลยหัวต่อเข้าได้เข้าเข็มเช่นนี้ เรายังสามารถใช้ทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าแพรพันซื้อใจติดสินบนใครๆได้อยู่ข้าพระบาทยินดีจะไปค่ายทรงเจียงแจกใจเงินทองของกำนันเองพระเจ้าข้าจะได้ทำให้เขาหยุดโจมตีและถอนกำลังล้อมเมืองออกเสียขณะเดียวกันก็ใช้ของกำนันราคาแพงซื้อใจเสนาบดีผู้ใหญ่ในเมืองหลวงตะวันออกให้เป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเราเพื่อที่จะบรรเทาโทษทันลงทุกวันนี้ ผู้มีอำนาจที่แท้จริงก็คือใช่จริงทงกวานเกากิวและหยางเจี้ยนคนเหล่านี้ล้วนเป็นพวกกังฉิงพระจกักรพรรดิผู้เยาอยู่ในโอาวาสของคนเหล่านี้นะพวกเราเอาสินบนเป็นทองคําและผ้าไหมไปซื้อสวามิภักดิ์และรับอภัยโทษทําเช่นนี้กองทัพส่งก็จะถอนกลับสงครามก็จะยุติพระเจ้าค่ะกษัตริย์เหลียวทรงเห็นดีไปตามข้อเสนอของอุปนายก พอวันรุ่งขึ้นชูเจี้ยนก็ออกจากเมืองตรงไปยังค่ายส่งเจียงแม่ทัพหน้าของทัพท่งต้อนรับอุปนายกจากราชนจาจักรเหลียวที่กระโจมและโอภาปราศัยถามว่ามาเพราะเหตุใดชูเจี้ยนก็ออกปากว่าจะขอสวามิภักดิ์และเสนอของกำนันให้มากมายท่งเจียงรับฟังอยู่จนสิ้นความแล้วเป็นฝ่ายเอ่ยปากขึ้นบางว่าท่านแม่ทัพหากเราตีเมืองหลวงของท่านวันแล้ววันเล่า ไม่ช้ามันก็ต้องแตกและถ้าหากไปเช่นนั้นเราย่อมจะไม่ปล่อยย่าเอาไว้ให้เหลือต่อนิเช่นนั้นมันจะหวนกลับมาต่อต้านอีกข้าเห็นธงสัญญาณยอมแพ้ดอกจึงได้ยุติให้ในยามศึกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทุกแว่นแขว น, นล้วนได้รับสิทธิ์ให้ยอมจำนนแผ่นดินของท่านก็เช่นกันเพราะฉะนั้นข้าจึงรังทับให้ข้าอนุญาตให้ท่านเดินทางไปราชสำนัก เพื่อรับคำพิาพากษาและใจบรรณาการท่านคิดหรือว่าคนอย่างส่งเจียงจะเห็นแก่สินจ้างรางวัลนะฮะโปรดจงอย่าพยายามทำเช่นนี้อีกนะเอุปนยกแห่งราชนจาจักรเหลียวได้ฟังก็ตกใจส่งเจียงจึงกล่าวต่อไปอีกว่าท่านจงไปยังราชสำนักขอพ ร, พระราชทานพระองคราชมินิไฉโอเองเถิดอยู่ทางนี้ข้าจะยังทับไวรอท้ารีบไปรีบมาอย่าได้ชักช้า ชูเจียนกล่าวขอบพระคุณทรงเจียงขึ้นง้าออกจากค่ายหวนกลับไปถวายรายงานกษัตริย์เหลียวที่เหยียนจริงมูเสนาอมาดชั้นสูงหาเรือกันจนมีความเห็นเป็นเอกฉันวันรุ่งขึ้นกษัตริย์และบรรดาเสนาบดีก็นำสิ่งของต่างๆมาสมทบเป็นต้นว่า ข้าวของหายากเงินทองแพตินินจินดาไข่มุกแล้วขนใส่เกวียนให้อุปนายกและขุนนางเงินอื่นอีก15หคนนำไปยังเมืองหตะ ว, วันออกรวมแล้วขบวนของบรรณาการและพระจักรรไปขออภัยโทษครั้งนั้นหากไม่นับผู้คนก็มีม้า ด, ดางอีกกว่า30ตัวก่อนจะออกเดินทางจากเยนจิงคณะทูตพากัน ไ, ไปแวะหาส่งเจียงก่อน ส่งเจียก็พาฉู่เจียนไปพบข้าหลวงเจ้าแรงงานเรื่องที่จะไปไ ป, ไปข้าหลวงเจ้าบันเทิงคณะราชทูตไปตามธรรมเนียมหลังจากหารือกับส่งเจียนแล้วพูดแทนพระองค์ก็มีหนังสือกราบทูลเรื่องความคืบหน้าในการรบประกบต่างไปด้วยพร้อมกันนั้นข้าหลวงเจ้าก็สั่งให้ใช้จิ้นและเสี่ยวร้างให้เดินทางไปส่งหนังสือผ่านไปทางสภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารให้นําความขึ้นกราบบุคคลทูลพร้อมกันนั้น ก็ให้คุ้มกันขบวนราชทูตของฉู่เจี้ยนลงไปด้วยก่อนจะถึงเมืองหลวงตะวันออกขบวนต้องเดินทางไปหลายวันจนในที่สุดเมื่อไปถึงเหรียญบรรทุกของมีค่าสิบเล่มและกองคารวานม้าด่างเข้าพักที่เรือนรับรองของทางการชายจิ้นและเสี่ยวหร้างก็ไปส่งหนังสือรายงานกิจการศึกกับสภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารทั้งสองเอ่ยขึ้นว่าเออกองทัพเราล้อมเหยียนจริงอยู่ขอรับจะยึดเสียเมื่อใดก็ได้ กษัตริย์เหลียวชักธงยอมแพ้แขวนไวบนเชิงเทินและส่งอุปนายกชูเจียนลงมาทูลถวายดีกาขอยอมจำนนขอพระทานอภัยโทษเพื่อยุติสงครามพวกเราไม่กล้าตัดสินใจไปตามลำพังจึงได้เดินทางมาขอพระบรมราชวินิจฉัยเจ้าหน้าที่สภาจึงบอกว่าจงพักอยู่กับชูเจียนที่เรือนรับรองไปก่อนเราต้องพิณ า, าหารือผลกระทบในระยะยาวใช่จริงถงกวานเกากิวและหยางเจียน รวมทั้งบรรดาเสนาบดีกรมกรองอื่นๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ที่กระหายจะหาเสษหาเลยก็เข้ามารุมล้อมและเมื่อไรจะทูดจากอาณาจักรเหนียวและพรรคพวกเองก็ต้องการสิ่งสนับสนุนฉูเจี้ยนจึงเข้าพบสมหานายกใช้จริงและเสนาบดีใหญ่ทั้งสามก่อนแล้วต่อไปยังเสนาอมาตย์คนอื่นๆใช้สิ่บนหวานโปรยให้ไปทั่วกันทุกตัวตนวันรุ่งขึ้นพระจักรพรรดิเปิดวางให้หมู่เสนาอมาตย์เข้าเฝ้า บรรดาขุนนางทั้งหมุนทั้งบู๊เข่าเต่าทงกวนองคมนตรีขุนหน้าสภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารกราบุบคคลทูลถวายรายงานขอเดชทถวายรายงานพระเจ้าค่ะส่งเจียงแม่ทัพหน้าของเราได้ทำลายและขับไล่กองทหารเหลียวออกจากแผ่นดินของเราจนหมดสิ้นแล้วตอนนี้ก็ยกต่อไปล้อมกรุงเยยนจริงนักรหลวงของข้าศึกที่พร้อมจะแตกได้ทุกเวลา กษัตริย์เหลียวส่งเอาธงยอมแพ้ออกมาห้อยไว้ที่เชิงเทินคิดเจ้าสวามิภักด์และส่งราชทูตชูเจีย้ยนมาถวายเครื่องราชบรรณาการยินยอมพร้อมสิน้นทำตามเงื่อนไขของเราทุกสิ่งขอเพียงให้เราถอนทหารและยุติสงครามพวกเขาสัญญาจะส่งบรรณาการให้ทุกปีไม่ขาดตกบกพร่องเสนาบดีของฝ่ายเราไม่มีใครกล้าตัดสินใจ พวกเราจึงต้องมาขอพระราชทานพระบรมราชวมนิชัยควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดพระเจ้าค่ะขอเดชะ <c oughs> จ้าพัดทรงจึงตรัสขึ้นว่าหากเรายุติข้อบาดหมางและเจรจาสันติภาพในตอนนี้แผ่นดินพวกเขาก็ยังคงได้เป็นประเทศอยู่พวกท่านเสนาอำมาตยทั้งหลายคิดว่าเราควรจะทำฉันใดสมุหานายกใช่จริงสืบท้าออกมาแล้วถวายบังคมว่า ขอเดเช์ทายามิผลกล่าวพวกข้าพระบาทมีความเห็นเป็นเอกฉันท์พระเจ้าค่ะตั้งแต่โบราณการผ่านมาไอ้พวกคนป่าเถื่อนนอกโรมแดนก็มักจะรุกลานแผ่นดินของเรามาโดยตลอดอยู่แล้วในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพระบาทพวกเหลียวควรได้รับพระราชานุมัติให้คงความเป็นชาติเพื่อจะได้ใช้มันให้เป็นกันชนกับเผ่าต่างๆทางตอนเหนือเสมือนหนึ่งรักษาริมฝี ป, ปากเอาไว้คลุมฟัน นอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์จากบรัญการรายปีเราควรให้มันยอมจำนวนตามเงื่อนไขที่เรากำหนดยุติสงครามและถอนทัพกลับมารักษาพระนครแต่พวกเราเสานาบดีไม่มีอำนาจตัดสินใจจึงใคร่ขอพระบรมราชินีเฉยควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดพระเจ้าข้า <c oughs> พระเจ้าคุยจงก็ทรงอนุมัติให้ตามข้อเสนอของสมุหานายกและมีพระเจ้จกระแสรับสั่งว่า ไปนำราชทูตเหลียวมาเข้าเฝ้าเราเอ้ยยืนเป็นซึ่งกระทืออยู่ได้พระราชรำดมรดได้รับถ่ายทอดไปยังฉูเจี้ยนและคณะทั้งหมดก็มากราบประลกประหลกหมอบเรียงกันเป็นแถวอยู่ปลายสุดของท้องพระโรงไหนาบดีผู้หนึ่งเข้าไปอัญเชิญพระราชสารจากกษัตริย์เหลียวเอามาคลี่ไว้บนโต๊ะหน้าบัลลังก์พระสมุรรับใบฎิกาอ่านถวายด้วยน้ำเสียงอันดังเยลูุ่ย ราชาผู้เป็นใหญ่แห่งราชาานาจักรเหลียวเขาเต่ามายังพระมหาจากกักรพรรดิสักร้อยครั้งเนื่องเพราะถือกาเนิดในทะเลทรายได้รับการเลี้ยงดูมาในสภาพบ้านป่าเมืองเถื่อนกล่าวประหมมจึงไม่คุ้นเคยกับขนบรรมเนียมประเพณีของราชาานาจักรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ทั้งไม่เคยได้รับการศึกษาเยี่ยงคนดีมีอารยะด้วยอ่อนด้อยในวัฒนธรรมตำต้อยทางการทหารประดานคนแวดล้อม ก็ลวนแต่ประจกสอพอตะกราตะกรามช่อราชบางหลวงสายตาสั้นดักมุสิกหรือหนูเจ้าเน่ดังแก้งกวางกล้าวกระหม่อมโง่เขาเบ า, บาปัญญาพวกมันนั้นเล่าก็โลภโมโทสันพวกเราบัางอาจลุกรานชายแดนท่านยั่วยุกองทัพของพระองค์ให้ตอบโต้ตัวเป็นแค่มดปลวกแต่หารกล้าคิดจะไปเขย่าเขาไทซารฝันจะไปห้ามสายน้าไม่ให้ไหลลงทะเลพวกกล้าวกระหม่อม ยังคงเหลือเมืองห่างไกลให้ครองอยู่บ้างแต่เสบียงอาหารกลับเหลือไม่ถึงครึ่งปีมาวันนี้กล้าวกระหม่อมส่งราชทูตชูเจี้ยนบากหน้ามาขอเข้าเฝ้าขอเอาแผ่ดนดินที่เหลือทั้งหมดมาสวามิภักดิ์และขอรับโทษทันโดยไม่คิดจะบิดผิวหากพระองค์จะทรงเห็นพระไทยในชีวิตอันต่ําต้อยของพวกก้าวกระหม่อมไม่ทําลายมารดกที่บรรพบุรุษอุษาสร้างสารรค์เอาไว้ให้พระประมาพิไทยย่าสลักติดแน่นอยู่ในแก่นกระดู พวกกล้าวกระหม่อมขอถวายสัตยปฏิญาณจะพยายามอย่างสุดกำลังรักษาขอบคันธศีมาของจักรวรรดิพระองค์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประธานชีวิตใหม่ให้แก่พวกเราทั้งปวงไม่ว่าแก่หรือนุ่มสาวหรือเท่าลูกหลานของผองเราก็จะระลึกถึงมหากรุณาธิคุณไปจนตราบชั่วชีวิตพวกกล้าวกระหม่อมพร้อมจะถวายบันดาการให้ทุกปีไม่มีขาดพวกกล้าวกระหม่อมรอคอยพระโรมราชวิริจฉัยด้วยใจผาแผ่วข อ, อยอกกายสิโรราบ ก้มกราบถวายบังคมเขาเต่ามาด้วยความจริงใจและด้วยความเกรงกลัวในเราชภัยเป็นที่ยิ่งวันที่ยี่สิบปดเดือนหนาวปีที่สี่แห่งสกาชส่วนหัวเยอรูหุยพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งราชนาจักรเหลียว <c oughs> บรรดาเสนาอำมาตย์ฟังดีการด้วยความเครื่อเคลิม้มพระเจ้าหุยจงจึงโปรดให้นำสุราหลวงออกมาเลี้ยงดูราชทูตชูเจียนกับคณะ ก็กราบทุนถวายบัณฑการเป็นเงินทองและผ้าไหมให้ราชสำนักพระเจ้าหุยจงบัญชาให้กระทรวงพระคลังรับไว้และให้เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บบัณฑการในปี ถ, ถัดๆไปและส่งพระราชาทานเงินทองให้ราชทูตเป็นการตอบแทนและทรงอนุ ญ, ญาตให้กลับได้แล้วทรงตรัสว่าเราจะส่งพนักงานตามไปรับการยอมจำนวนที่เมืองท่านชูเจี้ยนกับคณะนะกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณถวายบังคมลากลับมาที่เรือนรับรอง พอเสร็จจากการเข้าเฝ้าก็ถูกเรียกไปยังกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทําตามขั้นตอนและเรียกเอาสินบนอีกคนใช้จิ้งเอ่ยกับชูเจี้ยนขึ้นว่าใต้เท้ากลับไปก่อนอยู่ทั้งนี้เราทั้งสี่จะดูแลให้เป็นที่เรียบร้อยเองนั่นแหละชูเจี้ยนกล่าวขอบพระคุณสมุห์นายกแล้วเดินทางกลับไปยังราชนาจักรเหลียวในการเข้าเฝ้าวันรุ่งขึ้นใช้จริง นำขบวนหมู่ศิีนอาอมัดทั้งหลายถาวายดีกาขึ้นไปยังองค์พระจกักรพรรดิเพื่อส่งพระเจานอภัยโทษแก่พวกเหลียวตาตา้ายังเป็นทางการพระเจ้าคุยจงทรงเห็นชอบมีพระบัญชาให้ราชบัณฑิตยสภาหั่นหลินออกพระราชกฤษฎีกาพระเจ้าทานอภัยโทษแล้วมีกระแสะรับสั่งโปรดให้จอมพลสูนำไปส่งและเป็นผู้สนองพระบรมราชองการให้ข้าหลวงเจ้าสั่งการให้ส่งเจียง ถอนทัพกลับเมืองหลวงตะวันออกให้ปลดปล่อยบรรดาเฉลยศึกทั้งหลายทั้งสิ้นให้คืนหัวเมืองทั้งหลายทั้งหมดที่ตีได้และให้คืนทรัพย์สินและจัดตั้งการปกครองกับพวกเหลี้ยวที่ถูกทําลายไปขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมทุกแห่งพอปิดราชสํานักหมู่ศรีนอาอามัดทั้งหลายก็ถวายบังคมลาวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ไปหาจอมพลสูและกําหนดวันออกเดินทางเพื่อทุกคนจะได้ไปส่งจอมพลสูไม่ปรารถนาจะเตะถ่วงพระราชกฤษฎีกา จึงเตรียมเกี้ยวขบวนม้าและคนในคณะให้พร้อมสำหรับการเดินทางกราบถวายบังคมลาอำลาเพื่อนศินาบดีและออกเดินทางไปยังราชน า, าจักรเหลียวพร้อมด้วยใช้จิ้นและเสี่ยวร้างอย่างนั้นเป็นกลางฤดูหนาวกลุ่มเมฆตั้งเขาลอยตัวขึ้นค้างเติมอยู่เหนือผืนฟ้าดังว่าจะหยุดคณะราชาทูตก็ข้ามน้าที่สะพานสถานีเฉินมุ่งตรงไปยังชายแดน หิมะดาราดดาทุ่งกว้างปกคลุมกิ่งไม้ใบหญ้าขาวโพลนเวิงว้างดังห่มเงินจอมพลสูงกับขบวน ร, ราชทูตก็ลัดเลาะฝ่าดงหิมะไปข้างหน้าเอวเข้าตอนไปถึงชายแดนหิมะยังไม่ทันละลายช้จิ้นกับเสี่ยวร้างส่งคุณล่วงหน้าไปแจ้งข่าวการมาถึงให้ข้าหลวงเจ้าและส่งเจียนได้ทราบตามลำดับส่งเจียงรีบพาคณะมาคุกเขา่าดักรอเขาเต่าพระราชกฤษฎรีกาอยู่ข้างทางพร้อมด้วยเล่าพิธีห่างจากที่ตั้งค่ายราวห้าสิบลี้ จอมพลสูและคณะพอใจต่อการต้อนรับเป็นยิ่งนักส่งเจียงก็พาคณะทูตไปยังค่ายทหารจัดพิธีเลี้ยงต้อนรับและร่วมสนทนาหารือกับจอมพลสูถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในราชสำนักใช่จริงถงกวนเกาเกิ้วอย่างเจียนและใสนาบดีชั้นสูรคนอื่นๆทูกพวกเหลวตาต้าเอาเงินซื้อไปหมดแล้วจอมพลสูเอ่ยขึ้นคนเหล่านั้นกราบบุคคลทุลยุพระจักรพรรดิ ให้สงมีพระเฉลิมนิชัยยอมรับการสวามิภักดิ์ของพวกเหลียวและยุติสงครามเสียส่วนทัพของใต้เท้านั้นก็จะถูกเรียกให้กลับไปป้องกันพระนครซ่งเจียงถอนหายใจใหญ่แล้วพูดขึ้นว่าเฮ้ยข้ไม่มีอะไรจะไปวิาพากษ์วิจารณ์พระราชสำนักได้ดอกขอรับเป็นแต่ว่าความสำเร็จใดๆที่นี่ก็จะสูญเปล่าจอมพลสูปลอบขึ้นว่าเฮ้ยท่านแม่ทัพ อย่าได้ทุกข์ใจไปเลยพอข้าน้อยกลับไปถึงเมืองหลวงเมื่อใดข้าน้อยก็จะเพชรทูลพระจกักรพรรดิเป็นปากเป็นเสียงถึงคุณงามความดีของพระนัท่านเองไม่ต้องห่วงหรอกท่านทรงเจียงข้าหลวงเจ้าเสริมขึ้นอีกว่าและเมื่อพระองค์รับทราบรายงานของข้าน้อยด้วยแล้วพระองค์ย่อมจะทรงพอพระเจริญไทยในผลงานของใต้เท้าอย่างแน่นอนทรงเจียงจึงว่าเราที่นี่ก็มีกันทั้งสิ้นหนึ่งร้อยแปดคน พุ่เททุกสิ่งทุกอย่างให้แก่แผ่นดินพวกเราล้วนไม่มีความทยานอยากเป็นการส่วนตัวหรือคิดจะไปทวงติงทวงถามเอาพระำหากรณาที่คุณดอกตราบเท่าที่เราได้อยู่ร่วมกันบากบันฟันฝ่าไปข้างหน้าพร้อมหน้าพร้อมตากันก็นับเป็นความสุขใจเป็นที่ยิ่งของพวกเราแล้วขอรับท่านข้าหลวงขอรับหากใต้เท้ากรณากราบทูลความนี้ให้พวกเราก็จะเป็นพระคุณสุดจะประมาณไม่ได้เลยขอรับ ในวันนั้นทุกคนก็กินเลี้ยงเฉลิมฉลองบันเทิงกันไปพอค่ำงานเลี้ยงก็เลิกลามีการส่งคนนาสางไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เหนียวเพื่อแจ้งการมาถึงของคณะราชทูตและเตรียมรับพระบรมราช อ, องค์การวันรุ่งขึ้นทรงเจียมเลือกขุนพลสิบคนคุ้มกันจอมพลสูและพระบรมราช อ, องคการไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเย่อลู่หุยพวกเขาใส่เสื้อคลุมไหมผู้เกราะทองติดอาวุธเป็นพิกัดพร้อมไพรพลทั้งขี่ม้าและเดินเท้าสามพันคุ้มกันจอมพลสูเข้าเมือง ชาวบ้านชาวเมืองเหย็นจริงพากันตั้งโต๊ะจุดธูปเทียนแขวนประทีปโคมไฟไว้หน้าบ้านไปซะทุกหลังท่านเจ้าเยื่อลูกหุยนำบรรดาขุนานางนทั้งบุญทั้งบู๊ขี่ม้าแต่งตัวตามปกติออกมารับพระบรมราช อ, องการที่นอกประตูกำแพงเบื้องทิศใต้แล้วนำขบวนราชทูตเข้าไปยังพระราชวังขุนพลทั้งสิทธ์ก็กระจายกำลังออกรักษาการตามจุดต่างๆทั้งสองฝั่งจอมพลสูง ก, ก็ลงไปยืนคอยพิธีอยู่ทางเบื้องซ้ายของศาลาบางกอ ส่วนพระเจ้าเหลียวเสนาอมาตและข้าราชบริพารก็พากันคุกเขา่ารอรับพระบรมราชโองการที่หน้าท้องพระโรงพระสมหพระเจพธิธีขานสัญญาณทั้งหมดก็พากันเข้าเต่ากรมวางแห่งราชนาจักรเหลียวก็อัญเชิญพระบรมราชโองการออกมาคลี่อ่านด้วยเสียงอันดังพระจกักรพรรดแห่งมหาอาณาจักรส่งท่งมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดจำ ม, อม่อมว่า นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกสืบต่อลงมาจนถึงพระราชกพัฒน์องค์ก่อ น, อนไม่มีพระองค์ใดเลยจะลืมไพร่ฟ้าประชาราชนทั้งที่อยู่ใต้อันนัตและอยู่ในดินแดนที่ห่างไกลออกไปราชนจาจักรกาของเรามีองค์พระปะมุกและแน่นอนชนป่าเถื่อนอย่างพวกท่านก็มีของท่านเช่นกันพวกเหลียวของท่านล่วงละเมิดขนมรำเนียมสวรรค์รุกรานชายแดนของเราครั้งแล้วครั้งเล่า โดยการกระทำเช่นนี้พวกท่านสมควรถูกทำลายไปเสียให้สิ้นการดีกาของท่านทำให้เราเกิดความสงสารไม่มีจิตใจจะไปทำลายและจะปล่อยให้พวกท่านปกครองตัวเองต่อไปนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับพระร่มราชองคการฉบับนี้ฉลองศึกทุกคนให้ปล่อยหัวเมืองทั้งหมดให้คืนกลับไปอยู่ใต้ปกครองของเหลียวทั้งสิ้นแต่บาารญญัติรายปีห้ามบิดผิวจงเคารพ บ, บ้านเมืองของเราบูชากฎแห่งฟ้าดิน นี่คือหน้าที่ของคนป่าเถื่อนเยี่ยมพวกท่านอย่ายให้เฉยใช้ไปทางอื่นเราขอประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มาให้ทราบโดยทั่วกันวันที่28เดือนหนาววิที่ศีแห่งสกราชส่วนหวัวพระเจ้าเยอ่อลู่หุยแห่งเหลียวตาตา้าและข้าราชบริพารพากันโขกศรีรษะเปล่งศีลสรรเสริญพระจกักรพรรดงโดยพร้อมเพรียงกันขอจงทรงรินหมื่นปีหมื่นหมื่นปรรีปร พอมีคนถามพระบรมราชโองการที่ประดิษฐานอยู่บนบุดสมบกมังกรผ่านออกไปแล้วพระเจ้าเย่อลู่หุยก็ทรงปฏิสันฐานกับจอมพลสูอย่างเป็นทางการเจ้าหลวงทรงเชื้อเชิญจอมพลสูไปยังห้องด้านหลังท้องพระโรงอันเป็นสถานที่จัดเลี้ยงที่เต็มไปด้วยอาหารการกินร น, นาชนิด ขณะที่อคันโตกะทั้งหมดกำลังดื่มกินบรรดาหญิงสาวก็เล่นคุยผิวและกรองทหารแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพลงช้าประกอบระบำพื้นเมืองพองานเลี้ยงสิ้นสุดจอมพลสู ก, กับคณะก็เข้าพักในเรือนรับรองของทางการแต่ละคนในคณะก็ได้รับของกำนันกันทั่วนหน้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหลวงเยอ่อลู่หุยก็บัญชาให้อุปนายกชูเจี้ยน ไปเชิญข้าหลวงเจ้ากับท่งเจี้ยงเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองมือข้ามที่เยียนจริงเมื่อหารือกับที่ปรึกษาทัพปูยงส่งเจี้ยงก็เห็นว่าไม่เหมาะนักที่จะไปดังนั้นข้าหลวงเจ้าจึงเข้าเมืองเหยียนจริงไปโดยลําพังเจ้าหลวงเย่อลูหุยจัดงานเลี้ยงรับคณะราชทูตอย่างยิ่งใหญ่เหล่าอาวบนุ่นๆรินใส่คอนโทเงินเหนือกวางนุ่มลิ้นกองกูนอยู่บนถาดทองที่ไหนๆตามซอกตามลหลืบก็ล้วนเต็มไปด้วยผลไม้หวานฉ่ำ ดอกไม้ประดับประดางามตาไปสิน้นพองานใกล้จะจบลงพระเจ้าเยื่อลู่ฮุยก็ทรงประทานของปแปลกๆใส่ถาดทองมาให้จอมพลสูรกับข้าหลวงเจ้าทั้งหมดก็ดื่มกินกันไปจนค่ำมืดวันรุ่งขึ้นท่ามกลางดุริยางทางทหารพระเจ้าเยื่อลู่ฮุยกับข้าราชบริพารก็เสด็จออกจากนครเยียนจิงมาส่งจอมพลสูรกับข้าหลวงเจ้าจนถึงค่ายอุปนยกฉูเจียน ก็มาหาส่งเจียงที่ค่าอีกครั้งคราวนี้นําของกํานันต่างๆเป็นต้นว่าแพะแกะวัวมา้าล่าเงินทองและผ้าไหมแพรพันธ์สีสันสวยงามมาให้ในงานเลี้ยงรับฉูเจียนก็กํานันทัพและมอบของมีค่าแด่แม่ทัพในกองอีกส่งเจียงก็สั่งให้ปล่อยตัวเจ้าฟ้าหญิงและเฉลยศึกทั้งหมดทั้งสิ้นอนุญาตให้กลับบ้านเมืองนอกนั้นก็ส่งมอบการปกครองหัวเมืองต่างๆอันประกอบด้วยเมืองถันโจ ชีโจปาโจและอยู่โจและออกไปส่งจอมพลสูที่เดินทางกลับเมืองหลวงและระดมทัพส่งมอบเป็นกองเกียรติยศคุ้มกันข้าหลวงเจ้าจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในค่ายเพื่อปูนบำเหน็จแม่ทัพในกองฝ่ายทัพเรือแล้วสั่งให้ลั่นเรือกลับไปคอยฟังคำสั่งต่อไปที่เมืองหลวงตะวันออกส่งเจียงเชิญสมุหนายกและอุปนายกฝ่ายเหลียวมาสนทนากัน พระเจ้าเยเรลูฮุยก็ส่งบัญชาให้งมุหานายกอยู่ชื่อโปจินกับอุปนายกฉูเจี้ยนไปที่ค่ายส่งเจี้ยนเปิดกระโจมกองประชาการรับแขกจัดที่จัดทางให้ทั้งสองนั่งแล้วส่งเจี้ยนจึงเอ่ยขึ้นว่าให้พลของเราเข้าประชิดถึงตีนกกำแพงพระนครแม้ทัพในกองของเราก็พากันเหยียบเข้ามาถึงครูเมืองชัยชนะนั้นอยู่แค่เอื้อมแต่แรกเราไม่มีความตั้งใจจะปล่อยให้พวกท่านยอมแพ้ คิดจะบุกเข้าไปทําลายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งก็ล้วนเป็นการกระทําอันสมควรแก่เหตุทั้งสิ้นแต่ข้าก็ยินยอมตามความประสงค์ของพวกท่านที่จะทูลถวายดีกาเข้าไปในวังหลวงพระจกักรพรรดิของเราทรงมีพระเมตตาสงสารและตัดสินพระไถยจะไม่กวาดล้างพระองค์ทรงยินยอมให้พวกท่านสวามิภักดิ์อย่างไม่มีเงื่อนไขแถมยังโปรดทรงพระจะทานเงื่อนไขที่อารมณ์อโล ย, ยิ่งนักลงมาให้อีก ตอนนี้ข้ากำลังจะยกทัพกลับคืนไปเมืองหลวงตะ ว, วันออกโปรดจะได้หลงเข้าใจไปผิดๆว่าพวกเราเอาชนะพวกท่านไม่ได้ดังนั้นจงอย่าได้ยั่วยุเราอีกเป็นอันขาดจงส่งบัญชาการไปอย่าได้ขาดควบคุมความประพฤติตนเองให้ดีอย่าได้ละเมิดโทษทันอีกหากทัพเราต้องยกกลับมาใหม่อีกครั้งคราวหน้าจะไม่ยอมปล่อยให้ไปง่ายๆอีกสมุหนายกโคกศิษศัขอโทษขอโพยโทษทันที่ได้ทำมา ทรงเจียงก็โอพาปพราศัยแนะนําคนทั้งสองไปด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลทั้งสองกล่าวขอบพระคุณในความเมตตาและอําลาจากไปท่งเจียงก็จัดทัพส่วนหนึ่งภายใต้การนําของกระบี่เหล็กสิบเสี้แม่ทัพหญิงเดินทางกลับบ้านแล้วสั่งให้เสี่ยวร้างเขียนคําประกาศแห่งชัยชนะและให้จินต้าเจียนสลักลงไปในแผ่นหินตั้งเอาไว้ที่ตีนเขาเหมาซานทางตะวันออกของตำบลยงฉิงซึ่งก็ยังตั้งอยู่มาจนกระทั่งปัจจุบัน ส่วนทัพที่เหลือก็แบ่งออกเป็นห้าตอนและกําหนดวันเดินทางแต่ทันใดนั้นหลวงจีนลูกก็บุกเข้ามาในกระโจมกุมมือสองข้างเข้าหากันแล้วเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ตั้งแต่อัตมาสังหารเจ้าแห่งประจินทิพย์แล้วหนีไปตำบลเอี้ยนเหมินในเขตจังหวัดใต้โจมแล้วท่านข้าฮดีเจ้าหาอัตมาหนีขึ้นไปบวชเรียนเป็นพระจำพรรษาอยู่ที่วัดบนเทือกเขาอู๋ไท จนอาตมาเมาเล้าทําลายประตูแล้วเข้าไปอาราวาดในอารามถึงสองครั้งจนกระทั่งพวกเขาหาที่จํำภาษาใหม่ให้ที่อารามหลวงวัดเชียงก๋อในเมืองหลวงตะวันออกแล้วท่านจเจ้าอาวาสก็ส่งอาตมาไปคุมสวนผักแต่ไอ้จอมคนเก่าคิวมันคิดจะฆ่าอาตมาเพราะไปช่วยหลินชงเอาไว้นั่นเองจนอาตมาต้องกลายเป็นคนนอกกฎหมายและได้มีโอกาสรู้จักกับท่านมานานหลายปีแล้วนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะนะ ที่อาตมามาหาท่านพี่ทรงเจียงเนี่ยอาตมาให้คิดถึงจเจ้าอาวาสที่วัดบู ท, ทยัยะอาจารย์คนแรกของอาตมาเป็นยิ่งนะักตลอดเวลามาเนี่ยไม่มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมเลยถึงแม้ว่าอาตมาจะชอบไปในทางตีรันฟันแทงแต่ก็จำความที่ท่านอาจารย์เคยบอกไว้เสมอมาว่าอาตมาจะบำเพ็ญเพียรจนพิสุทธิ์ใสและในที่สุดจะได้บรรลุปเป็นเซียน ในเมื่อตอนนี้เหตุการณ์ก็สงบเรียบร้อยอัตมาใครจะขอเวลาไปเยี่ยมท่านสักเพลาหนึ่งก่อนอัตมาใครจะเอาราังวันที่สะสมมาได้ไปถวายวัดและกราบเรียนขอให้ท่านอาจารย์พยากรณ์ความเป็นไปในอนาคตให้ท่านพาทัพกลับไปซะกอ่อนเถิดท่านพี่และอัตมาจะตามไปสมทบทีหลังสุ่งเจียงให้ประหลาดใจนะักหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ยออกไปว่า อ๋อข้าน้อยไม่ทราบมาก่อนเลยอะว่าลูกพี่รู้จักกับท่านอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านนี้ด้วยทําไมไม่บอกสิแต่แรกเราขอรับข้าน้อยจะได้ตามหลวงพี่ไปกราบคาระวะบาททูบแล้วก็จะได้ไปเรียนขอให้ท่านทํานายไทยทักให้บ้างอะเฮ้ยลูกเงียบไปนานแล้วจะไม่รอให้ใกล้จบเรื่องขนาดนี้หรอกเฮ้ย ส่งเจียงนำเรื่องนี้ไปหารือกับบรรดาหัวหน้าที่เหลือทุกคนล้วนใคร่จะตามไปยกเว้นกงซุนเชงพวกเป็นนักบวชในลัทธิเต๋าหลังจากหาเรือกับบูหยงแล้วส่งเจียงก็ตกลงใจให้จินต้าเจียนหวงฟู่ตวนเสี่ยวร้างและยายโหช่วยรองไม่ทับหน้าลู่จุนยี่นำใคร่พ้นกลับไคเฟิงไปตามแผนเดิมก่อนส่งเจียงกล่าวว่าเออเราจเจ้าหัวหน้าที่เหลือทั้งหมดและใครพ่พ้นตามไปได้วยเพียงหนึ่งพันคน ขึ้นเขาหูไทยไปกราบเยี่ยมท่านอาจารย์กับรลงพี่ลู่ก็พอแล้วหลวงจีนลู่เห็นดีด้วยพลพรรที่เหลือก็ตระเตรียมทุกเทียนเข้ตอกรอกไม้ผ้าไหมแพรพันและจัตุปัจจัยทยทานอื่นๆแล้วออกเดินทางไปยังเขาหูไทยก็จริงอย่างที่เขาว่าล่ละครับบรรดานักรบสลัดทิ้งซึ่งชุดเกราะและอาวุธรีบซอกซอนเข้าไปในดงในป่านักลานวัดแห่งสายพิรุณโปรยปลาย และพันไม้ดอกบานสะพรั่งทั้งหมดก็เข้าไปกราบคารวะพระครูผู้สูงศักดิ์บุญบา ร, รมีหนาหนักดังขุนเขาและได้สัมผัสพระประทีเปเรืองรองแห่งพระโพธิสัตว์สุขสว่างสดใสแห่งหนทางรู้แจ้งผลก็คือเพียงว่าหลีเดียวการที่ต้องดินน้นรนทุรนทุราย ไขว้าหาชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลายทั้งปวงมาตลอดทั้งชีวิตก็เป็นอันปิดปลิวไปไม่กลับหลังเพียงแค่ไม่กี่คำการที่ต้องมาหมกมุ่นครุ่นคึงในพวังถึงความเป็นความตายมาตลอดทั้งชาติก็เป็นอันประราศถาการไปสิ้นผลที่ทรงเจียงกับหลวงจีนลูกไปกราบคาระวาทท่านมหาสมพานเจ้าจะออกมาอย่างไรฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ ตอนที่เก้าสิบส่งเจียงดูหมอบนเขาหู่ไทยเยียนฉิงยิ่งหานป่ากที่ท่าขา จีงกับหัวหน้าทั้งหมดที่เหลือก็คัดเลือกทหารได้หนึ่งพคนตามหลวงเจีนลู่ไปตั้งค่ายอยู่ตีนเขาบู่ไทยัยแล้วส่งพลนำสารผู้หนึ่งขึ้นไปแจ้งข่าวบนเขาส่งเจียงกับพักพวกเปลื้อมเสือ้อเกราะเหลือแต่ชุดลำลองไหมปักแบบทหารปีนเขาขึ้นไปด้วยเท้าพอไปถึงซุ้มประตูอารามทางเข้าวัดก็ได้ยินเสียงระกังก้องกลา ง, งวานขานรับกับเสียงกลองพระสงฆ์จํานวนมากออกมารอต้อนรับโอภาพราศัยทักทายส่งเจียงและหลวงเจีนลู่ มีพระสง์บางรูปยังจำหลวงจีนลู้ได้เท่าที่เห็นบรรดาหัวหน้านับร้อยเข้าแถวเป็นระเบียบอยู่หลังทรงเจียงเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นยิ่งนักเจะเริญนพรนพระสกท่านเจ้าอาวาตกาลังเข้าฌานพวกเราไม่กล้าเข้าไปรบกวนดอกพระผู้อาวุโสรูปหนึ่งบอกทรงเจียงท่านแม่ทัพกรุณาอย่าได้คิดว่าล่วงเกินไปเลย ว่าพรางก็เชิญอคันทุกะเข้าไปนั่งพักรออยู่ในห้องรับรองน้ําชาถูกยกมาบริการสักพักฝ่ายต้อนรับก็เข้ามาบอกว่าท่านเจ้าอาวาสเพิ่งจะออกจากชาน้นท่านให้มาเรียนเชิญท่านใหม่ทัพไปสนทานากันที่ห้องวิปัสนาขอรับซส่งจี้งกับคณะกว่าร้อยคนก็พากันไปยังห้องวิปัสนาเจ้าอาวาสรีบลงกระไดามารับพอขึ้นไปบนห้องโถงใหญ่สําหรับนั่งวิปัสนากรรมาฐานทักทายกันตามธรรมเนียม ส่งเจียงถือโอกาสพิจารณาดูเจ้าอาวาสมหาสมพานเจ้าแห่งวัดเขาบู่ไทยซึ่งอยู่ในวัยหกสิกว่าพรรษาเส้นผมและขนคิ้วขาวโพลนโครงร่างโตใหญ่ทรงลักษณะบา ร, รมีที่มองดูก็รู้ว่าคงใช้ทั้งชีวิตมกตัวอยู่แต่ในเขตป่าเขาลำนาไพรที่ห่างไกล พ่อบรรดาหัวหน้าทั้งหลายทยอยกันเข้ามาในห้องโถงกันครบหมดแล้วส่งเจี้ยนก็รัฒนาท่านเจ้าอาวาสประทับนั่งแล้วร่วมกับบรรดาหัวหน้าจุดทูปโคกศีรษะนมัศการหลวงจีนลูกก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้กับพระอาจารย์ตัวโอหลายปีที่จากไปนี้เจ้าก็ยังตีรันฟันแทงเผาบ้านผู้คนอยู่เช่นเดิมนะเจ้าอาวาสบริพารหลวงจีลูก หลวงจีนหลังลายหมอกนิ่งก้มหน้าอยู่ไม่ไหวติงท่งเจียงรีบสืบเท้าออกไปเอ่ยขึ้นว่าเออกราบพระบาทน้อมน้มัสการพระคุณเจ้าข้าพเจ้าได้ยินกิติศัพท์บารมรีของใต้เท้ากรุณาเจ้ามาก็ให้นานแล้วแต่ยังไม่มีวาสนาได้มาอาบรัศมีที่สูงส่งของพระคุณเจ้าเลยพอได้รับกระแสะรับสั่งให้ยกขึ้นมารบกับพวกเหลียวข้าพเจ้าจึงได้มีโอกาสมาแถวนี้และถือโอกาสมากราบน้ัสการพระคุณเจ้า ข้าพเจ้าปราบเพื่อไปที่สุดหลวงจีนลูกผู้นี้เป็นพี่น้องของข้าพเจ้าถึงแม้หลวงจีนจะทำอันตรายต่อผู้คนอยู่บ้างแต่ประดาคนเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนชั่วร้ายหลวงพี่ไม่เคยฆ่าตีคนดีมีศีลธรรมจิตใจของหลวงพี่ยังบริสุทธิ์อยู่นะขอรับก็เพราะหลวงพี่นี่เองดอกรําทางเราขึ้นมากราบคารวะพระคุณเจ้าบนนี้ขอนามัสการด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง จเจ้าว่าจึงพูดขึ้นว่ า, าสมเด็จพระราชาคณะชั้นสูงหลายพระองค์ที่ผ่านมาทางนี้ก็มาเล่ากิจทางโลกให้อัตมาได้รับฟังบ้างอยู่ท่านแม่ทัพอัตมาทราบมาว่าใต้เท้าประพฤติปฏิบัติตามบัญชาสวรรค์และมีน้ำจิตน้ำใจจงรักภักดีเป็นยิ่งนักอัตมาก็ยังทราบมาอีกว่าบรรดาผู้บังคับบัญชาของใต้เท้าทั้งปวงก็ล้วนยึดมั่นในหลักคุณธรรมน้ามิตรเป็นที่เคร่งครัดนัก กได้ติดสอยให้ตามใต้เท้าไปอัตมาก็มั่นใจว่าหลวงจีลู่สิทธิ์ของอัตมาผู้นี้คงจะไม่ทำอะไรผิดออกนอกลูก่นอกทางเป็นแน่ทรงเจียนก็กราบขอบพระคุณหลวงจีลู่ถือโอกาสนำห่อทองเงินและผ้าไหมแพร่พันที่เก็บรวบรวมไว้ออกมาทูลถวายแด่ท่านจเจ้าอาวาสเฮ้ยสิทธิ์ข้าเจ้าไปเอาข้าวของเหล่านี้มาจากไหนกัน ใช้ข่ารับทรัพย์สินที่แปดเปื้อเหล่านี้ได้อย่างไรการหาเออท่านอาจารย์ขอรับนี่เป็นของบําเหน็จที่ข้าพเจ้าเก็บรวบรวมเอาไว้เองมันไม่มีความหมายอะไรแก่ข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมนมํามาถวายแด่พระอาจารย์ให้เอาไว้ทําประโยชน์แก่คนอื่นทั้งปวงขอรับเฮ้ยมันก็ไม่มีความหมายใดๆแก่พระเนรที่นี่เช่นกันอาจจะนําเอาไปซื้อหาพระสูตรมาเก็บไว้ไถ่บาปให้เจ้าสักหนึ่งชุด เพื่อจะได้สำเร็จมรรคผลให้เร็วขึ้นลุงจืนลูกกราบขอบพระคุณพร้อมกันนั้นส่งเจียงก็ถวายปัจจัยและผ้าไหมแพร่พันของตนบ้างแต่คราวนี้จเจ้าอาวาสปฏิเสธไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดส่งเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าเออพระคุณเจ้าขอรับหากไม่รับประเคนอย่างน้อยก็โปรดนำทรัพย์สินพวกนี้ไปซื้อหาพัทหารเจได้พระสงฆ์ในอารามก็ได้นะขอรับ บรรดาผู้มาเยือนต่างอยู่ที่อารา บ, บนเขาวูทไทไปทั้งวันเจ้าอาวาสนำอาหารเจ อ, ออกมาเลี้ยงดูปูเสือแขกซึ่งเรื่องนั้นเราจะไม่กล่าวไปให้มากความนะครับพอรุ่งขึ้นวันใหม่หลังมื้ออาหารผ่านไปแล้วกลองก็ลั่นขึ้นตูมตามะระฆังก็ดังเงงงา่างแววกังวานสะานไปทั้งเทือกเขาหูไทบรรดาภิกษุสา ม, มเณรทั้งหลายทั้งปวงนุ่งจีวรห่มสังฆิเหลืองอาราม พากันมานั่งอย่างห้องโถงใหญ่สำหรับนั่งวิปัสนาฟังเจ้าอาวาสสนทนาธรรมและทํานายท่ายทักอนาคตของอัคตุกะผู้มายืนตามคำสั่งของเจ้าอาวาสส่งเจียงหลงจีนลูกและบรรดาหัวหน้าทั้งหลายก็พากันยืนระวังอยู่ทั้งสองฝากท่ามกลางเสียงเคาะเกราะหินเป็นจังหวะอกต๊อกดอกอกโคมไฟสองดวงบุกด้วยผ้าโปร่งสีแดงถูกจุดขึ้น ศาสตร์แสงจับต้องพระครูจเจ้าอาวาสวัดบูทยที่ประทับนั่งอยู่บนธรรมะบนยกพื้นสูงอีกต่อหนึ่งทูบดอกหนึ่งซอดอยู่ในสองมือที่ยกขึ้นประนมสวดทรงควันขมูด้วยทูบหอมนี้อาตมาภาค ข, ขอเจริญพรไปยังสมเด็จพระมหาบาพิตรเจ้าขอให้พระองค์ทรงสถิตยั่งยืนนานมีพระชนมายุนับหมื่นพันสาให้ทรงมีพระมเหสีเคียงข้างพระวรกาย ส่วนพระโอรสและพระธิดาทั้งหลายก็ขอให้มีพระชนมายุยืนนานนับพันฝนให้บรรดาเชื้อพระวงศ์มั่งมีสีสุขขุนนางขุนนางได้เลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ขอให้สันติสุขอาบฉายไปทั่วแผ่นดินไให้ฟ้าประชาชนทำมาหากินอาบเหงื่อต่างน้ําด้วยสุขสวัสดิพิพัฒน์ทมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยประการทั้งปวงเถน <c oughs> อนเจ้าวาดหันไปหยิบทูปอีกดอกหนึ่งขึ้นมา ขอให้องค์อุปถัมภ์วัดจงสุขกายสบายใจอยู่ไปเป็นพันตวันและให้ชื่อเสียงกิติยศปรากฏสืบไปทั่วชั่วกะละมวสาร <alongside noise> พอหยิบดอกที่สามเจ้าอาวาสก็กล่าวทำเสียงสูงๆต่ำๆต่อไปอีกว่า <S <S ในปีต่อๆไปจากนี้ขอให้แผ่นดินมิแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไร้ฟ้าอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยขอให้าหาดุดงสมบูรณ ศาสนาทั네้งสามเจริญรุ่งเรืองราบรื่นไปทั่วทั้งสี่ทิศสมดังจิตเจตนาของอาตมาภาพผูดน้อยผู้นี้ด้วยเถินพะก้มลงกราบเสร็จเจ้าอาวาสก็ยืดตัวขึ้นประทับนั่งตรงพระเนรทั้งหลายพากันลุกขึ้นยืนประนมมือส่งเจียงถือทูปในมือดอกหนึ่งพระนมมือโค้งคำนับและกล่าวกับเจ้าอาวาสขึ้นว่าเออกลาวกระผมมีคำถามอยู่ข้อหนึ่ง มทราบว่าจะกล่าบเรียนถามพระคุณเจ้าได้หรือไม่ละขอรับเออแล้วประสงค์จะถามว่าอะไรหรือนมัส ก, การพระคุณเจ้าด้วยว่าชีวิตบนโลกนี้ถึงจะหมายให้มาเวียนไหวาตายเกิดทนทุกขเวทนานั้นก็จริงอยู่ละขอรับแต่ถ้าว่าเวลาก็มีจำกัดอีกทั้งร่างกายคนเรานั้นก็ให้เปราะบางนักกล่าวกระผมจึงเป็นกังวลอยู่แต่เรื่องความเป็นความตาย ที่กล่าวกระผมมาที่นี่ก็เพื่อจะถามไถ่ายความเป็นไปในอนาคตของพวกเราทั้งหมดนี้เจ้าอาวาสก็ยกปริศนาธรรมมาตอบด้วยปร า, าสาททั้งหกยกขึ้นเป็นเขตคูนปัดเศษด้วยธาตุทั้งสี่เป็นตัวกําหนดอาตมาภาพขอทํานายว่าพวกท่านต้องแวกว่ายในไฟสงครามอีกหลายขนแต่ถ้าว่าลงเถิดหนา บรรดาสรรพสิ่งและทุกชีวิตทั้งมวลโบนโลกใบนี้ล้วนต้องรำ่ำร้องโหยให้อยู่ในปากตมและหลมสายทั้งหลายทั้งสิ้นทรงเจียนก็คำนับแล้วยืนคอยระวังอยู่บรรดาหัวหน้าก็พากันคลานเรียงกันเข้ามาปากทูบแล้วก้มกราบก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าพวกเราสวดอ้อนวอนขอแต่เพียงชาตินี้ให้ได้อยู่ร่วมกันและตายร่วมกันเกิดชาติหน้ามาเมื่อใดก็ขอให้ได้อยู่ด้วยกันไปอย่างนี้ก็เท่านี้แลขอรับ เราหลวงจีนพากันล่าถอยออกไปเจ้าอาวาสเชิญบรรดาอคันตุกะให้อยู่รับมื้อเย็นเป็นอาหารมังสิรัฐด้วยกันที่ห้องโถงแห่งเมคาหลังเสร็จจากการรับประทานอาหารหลวงจีนลู่กับท่งเจียงก็ตามเจ้าอาวาสกลับไปยังหอวิปัสสนาและร่วมสนทนากันไปกระทั่งค่า ม, มืดท่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าเออหลวงจีนลูกกับข้าพาเจ้าใครจะขอค้างอยู่กับพระคุณเจ้าต่อไปอีกหลายวันกว่านี้ เพื่อที่จะได้ขัดเกลาวความโง่เขลาเบาบรรยาออกไปสักบ้างหากแต่ว่าในฐานะเป็นแม่ทัพใหญ่คุมทหารไปจำนวนมากข้าพเจ้าอยู่นานไปไม่ได้ขอรับข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจคำทำนายที่พระคุณเจ้าให้ไว้สำหรับพวกเราทั้งหมดแต่ในเมื่อเราใกล้จะเดินทางกลับคืนไปยังพระนครแล้วข้าพเจ้าจึงขอรบกวนพระคุณเจ้าโปรดไขข้อกังขาในอนาคตให้ข้าพเจ้าอีกสักหน่อยด้วยเถิดขอรับ มหาสมพาน์เจ้าก็หยิบเอากระดาษออกมาเขียนคำกรอนให้ว่ายามเมื่อเงาแห่งฝูงห่านป่าบินกลาฟ้าเมืองทิศ ต, ตะวันออกขบวนแถวไม่เป็นเอกภาพกรอกในตาไปมาจึงถูกเป้าหมายที่ป่าสองชั้นพันจากจอนเจ้าวาดประธานกระดาษชิ้นนั้นให้ทรงเจียนเก็บเอาไว้ท่านแม่ทัพนี่คือชีวิตที่เหลือทั้งหมดของพะนท่าน เก็บงคำคาทานายเอาไว้ให้ตรงดีในอนาคตก็จะเห็นเป็นจริงเองดอกทรงเจี้ยงอ่านทวนอยู่นานก็แกะไม่ออกด้วยไม่รู้หัวรู้หางกล่าวกระผมเป็นคนโง่เขาไม่เข้าใจความหมายดอกโปรดอธิบายด้วยขอรับกล่าวกระผมควรจะหวังให้ดีหรือร้ายประการใดนี่เป็นปริศนาธรรมของพระพุทธองค์จงใคร่ทวนให้ตรงดี อาตมาบอกให้กระจายไปกว่านี้ไม่ได้ดอกไม่ฉะนั้นจะกลายเป็นไปเปิดเผยความลับในลิขิตฟ้าจเจ้าวาดเรียกหลวงจีนลูเข้ามาหาต่อหน้าแล้วถามขึ้นว่าในไม่ฐ้านี้ข้าก็จะจากเจ้าไปรับบุญกุศลในสิ่งที่ควรจะมีการจากครั้งนี้เป็นการจากโดยชั่วนิรันดรเสดยคข้าอาตมาจะเขียนคำกรอนเอาไว้ให้อีกสี่บท ต้องเก็บรักษาเอาไว้นำทางชีวิตเถิดมหาสมภารเจ้าก็เขียนคำทำนายให้ว่าพบเสียให้ฆ่าเห็นล่าให้จับผีได้ยินสีนน้ำก็ประจบให้ครบสังสารผีได้ยนสายทานก็ให้ละสังขารไปเสียหลวงจีนลูกก้องกราบรับกระดาษมาอ่านทวนไปหลายครั้งแล้วซุกเก็บไว้กับตัวคำนับขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้ง เจ้าอาวาสกล่าวกับหลวงจีนลู่ว่าศิษย์ข้าจงจําคําเหล่านี้เอาไว้ให้ดีนะแล้วอย่าได้ลืมเลือนรากเงาของตัวเจ้าไปเสียในคืนนั้นทั้งหมดก็แยกย้ายไปพักพอรุ่งขึ้นส่งเจียงหลวงจีนลู่รวมทั้งบูหยงและหัวหน้าทั้งหลายก็พากันอําลาเจ้าอาวาสที่พาบรรดาหลวงจีนทั้งหลายลงมาส่งจนถึงซุ้มประตูวัดส่งเจียงกับคณะ เร่งรถตามทัพใหญ่ไปทั้งวันทั้งคืนลู่จุนยี่กับกงซุนเชงออกมารับส่งจี้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบนเขาวูดไทให้ทั้งสองฟังแล้วเอากระดาษคำทํานายให้ดูแต่ทั้งคู่ก็ให้ความกระจ่างอะไรไม่ได้เฮ้ยมนุษย์ธรรมดาเช่นเราจะอาจเอื้ออะไรไปเข้าใจคำสอนธรรมะระดับนั้นเสี่ยวร้างอ เ, เ, าเอ่ย ข, ขึ้นดังๆทุกคนก็พากันทอดถอนใจด้วยความหดหู่ ส่งเจียงสั่งให้กองทัพเคลื่อนพลไพร่ผลทั้งสามกองก็บ่ายหน้าสู่เมืองหลวงตะวันออกหลังจากเดินทางรอนแรงไปตามทางได้หลายวันพวกเขาก็มาถึงแม่น้ำสายหนึ่งสถานที่แห่งนี้เรียกกันว่าท่าข้ามป่าสองชั้นพอเงยหน้าดูท้องฟ้าส่งเจียงก็สัะเกตเห็นฝูงห่านป่าบินข้ามฟ้ามาเป็นสายฝูงแล้วฝูงเล่าแต่ทว่ามีฝูงหนึ่งกลับบินแตกกลุ่มไม่เป็นแถวเป็นแนวตามปกติบ้างก็บินสูงบ้างก็บินต่ำ แล้วก็พากันโก่งคอร้องเสียงหลงเอิกเอิ๊กอักอขณะกำลังงุนงงสงสัยก็ดีนเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นชมดังฮือฮามาจากหลังขบวนแถวทหารไตลออกไปจึงส่งแมวมองพวกม้าไปสอบถามไม่ช้าแมวมองก็กลับมาราย ง, งานว่าเย็นชิงอัจฉริยเทพซ้อมหน้าไม้เก่าทันทุกดอกล้วนสสยห่านป่าร่วงลงมาแล้วสิบกว่าตัวนี่เองเป็นต้นเหตุของเสียงโห่ร้องของไพรพล ทรงเจียงรีบเรียกเย็ยนชิงให้มารายงานตัวในทันทีนั้นเจ้าอัจฉริยเทพสวมหมวกสกสารดปีกกว้างสีขาวเสื้อคลุมยาวสีเหลืองนกแก้วบุหนวมชั้นในด้วยผ้าป่านขี่ม้าทะเลทรายสีฝุ่นสะพายหน้าไม้กับซองเก่าทันอยู่บนบ่าหย์ะม้ามาหยุดเบื้องหน้าทรงเจียงหั่นป่าที่ตายแล้วให้ระยะเป็นพวงอยู่ข้างสะโพกมา้าพอมาถึงก็ป่ายขาลงมา้าสืบเท้าออกมายืนระวังอยู่บนพื้นข้างหน้า อ๋อท่านเองเดอกหรือที่ยิงหานปานะ่ะขอรับข้าน้อยใครจะซ้อมมือด้วยเห็นว่าหานปาบินข้าหัวตัดเข้าไปไม่คิดเลยว่าทุกดอกล้วนถูกเป้าข้าน้อยคิดว่าคงจะสอยลงมาได้ไม่ตามกว่าโหลเลยทีเดียวส่งเจียงจึงพูดกับเย็นฉิงขึ้นว่าอันว่าตัวเป็นทหารนั้นก็ชอบแล้วที่ต้องมันฝึกซ้อมยิงธนู และท่านก็ขึ้นชื่อว่ามือฉมังนะักข้าเพียงแต่คิดว่าอันหารป่าเหล่านี้พอถึงฤดูใบไม้ร่วงก็บินข้าบร่องญ้าเอาไว้ในปากจากเทือกเขาเทียนซานข้ามแม่น้ําำยงสีเกียงลงใต้ไปหาอาหารและอากาศอบอุ่นและไม่กลับถิ่นจนกว่าจะเข้าฤดูใบไม้ผลิพวกมันนั้นเป็นนกที่มีคุณธรรมเป็นที่สุดเดินทางกันเป็นหมู่เป็นพวกหมู่ละร่วมครึ่งร้อยบินเรียงกันเป็นแถวตัวหัวหน้าอยู่หัวขบวน ลูกน้องบินลดลันกันเป็นระเบียบพวกมันไม่เคยแตกฝูงผิดตำแหน่งพอตกค่ำลงหลับนอนก็จัดเวรยามหากคู่ของตัวเป็นอะไรไปทั้งตัวเมียตัวผู้ที่อยู่จะไม่จับคู่ใหม่สัตว์ปีกพวกนี้มีคุณธรรมถึงห้าประการเลยทีเดียวคือทรงไว้ซึ่งคุณงามความดีมีคุณธรรมรู้จักกาลเทศะมีสติปัญญาและศรัทธาคงมัน่นในยามบินย้ายถิน่น หากมีตัวใดตัวหนึ่งตายฝูงทั้งฝูงจะพากันร่ำให้และไม่มีตัวใดทาร้ายนกตัวที่กาพร้าคู่นี่คือคุณงามความดีหากมันขาดคู่ก็จะอยู่ตัวเดียวไปจนตายนี่เรียกว่าคุณธรรมพวกมันจะบินเรียงแถวกันเป็นระเบียบแต่ละตัวรู้จักตําแหน่งแหล่งที่ของตัวโดยอัตโนมัตินี่คือการรู้จักกาลเทศะและความพอเหมาะพอควรเวลาบินข้ามด่านข้าบรองยาไวในปาก หลบอินซีลีกนีเหยื่ยวไปอย่างเงียบๆนี่นับว่ามีสติปัญญาพอเข้าฤดูใบไม้ร่วงก็ลงใต้พอถึงฤดูใบไม้ผริก็ขึ้นเหนือทุกปีเช่นนี้ไม่มีขาดนี่คือศรัทธามั่นสัตว์ที่น่าชื่นชมแบบนี้นี่นะหรือที่ท่านฆ่ามาได้ลงคอหานเหล่านี้บินอยู่บนฟ้าทุกตัวต่างอบอ้อมอารีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปรียบกระดุดพวกเราเหล่าพี่น้องของเพื่อนแต่ท่านก็ไปยิงมันได้ลงคอเฮ้ยแล้วเผื่อช่วยเจอเข้ากับตัวเองบ้างล่ะจะรู้สึกอย่างไรหรือฮะถ้าเห็นพี่น้องเราต้องล้มตายไปโอ้หนอท่านนาะโปรดเมตนาอย่าได้ทำร้ายพวกมันต่อไปเลยนะเย็ยนชิงเย็ยนชิงยืนคอตกนั่งฟังความอยู่อย่างรู้ผิด ด้วยอารมณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจส่งเจียงก็แต่งสโลกขึ้นยอดเขาแหลมซุกอยู่ใต้กะไอหมอกฝูงห่านป่าหักซอกสามแถวบินตัดลัดฟ้าท่ามกลางระหว่างย้ายถิ่นทันใดนั้นเพื่อนร่วมฝูงก็พลันถูกเขาพรากจากจอแสงเดือนเย็นเยืเยเยอกลมหนาวร้าอุราร่ำให้กระนิงว่าสายใจจะขาด ส่งเจียงให้หดหูในหัวใจเป็นยิ่งนักคืนนั้นไพร่พลก็พากันลงค่ายพักที่ท่าข้ามป่าสองชั้นนั่นเองส่งเจียงนั่ง ว, งวางวิวหัวใจอยู่ในกระจมเรียกหากระดาษกับผู้กันมาเขียนคำโครงเรียงไปไม่สะทกตกตื่นแถวแนวเรียบรื่นล่วงไหลห่านปากคล้อยเคลื่อนคลาใครเงาเงาหนึ่งมองไปหาบึงคุ้มตัว เพ่งไปทุ่งยาคาสั่งยืนตายโคดเขินเนินทรายรายทั่วมองไปฟ้าไกลมืดมัวมองไปฝั่งไกลไร้เงาใช่เป็นกวีอย่างใครเขาเพียงใครไรอารมณ์อันตรมเศร้าอบร่ำควันไฟจางๆในป้อมเก่าท่ามกลางค่ำคืนในโตรกร้างที่ว่างเปล่าหดหูหม่นไหมไร้คำบรรยายถึงจะรานยญ้าลงจนล่งเฮียน แต่กลับหาที่เตียนผ่านคืนไปไม่ได้ยามใดหนาจะได้เห็นก่อนวางวายช่องประตูอี้เหมือนหมายได้คุ้มมากให้หวน้วยปวนคิดหวังเพียงฤทธิ์สังขารอันเวียนว่อนยามใดหนอวัสังจะผันกรให้นกน้อยได้ซบคอนนอนลงตรงคือประตูส่งจีงองกรอนให้บุโหยงและกงซุนเชงดูทั้งหอยเหงาทั้งโดดเดี่ยวอ้างว้าง แม่ทับหน้านไม่สบายใจเป็นยิ่งนะักคืนนั้นวูหยงต้องมอมเหล้าจนส่งเจี้ยงเมาพับหลับไปพอรุ่งขึ้นก็ขึ้นมาบ่ายหน้าลงใต้ยอย่างนั้นยังหนาวอยู่ทิวทัศน์ที่เวิ้งวางยิ่งทำให้ส่งเจียงเศร้าใจไปใหญ่หลายวันผ่านไปในที่สุดพวกเขาก็เคลื่อนมาถึงฉานพระนคร กองทับลงค่ายอยู่นักสถานีสะพานฉนินเพื่อรอรับสนองพระกระเสรับสั่งต่อไปจอมพลสู่ข้าหลวงเจ้าที่กลับมาพร้อมทับล่วงหน้าก็เข้าไปกราบบุคคลทุลเรื่องคุณงามความดีของทรงเจียงและรายงานข่าวที่ทรงเจียงได้มาลงค่ายรอรับพระราชาองค์การอยู่ที่ด่านนอกเมืองข้าหลวงเจ้าทูลถวายรายงานเรื่องความยากลําบากที่ชายแดนที่ทรงเจียงกับขุนพลคนอื่นๆต้องประสบพระเจ้าหุยจงทรงเข้าพระไทย มีพระราชาลัรัสให้กรมวังเรียกหาคนเหล่านั้นมาเข้าเฝ้าและทรงอนุญาตให้ถืออาวุธเข้ามาในพระนครได้พอได้รับทราบจากกรมวงังทรงเจียงและหัวหน้าทั้ง108คนก็พากันผูกเกราะสวมหมวกเหล็กแบกอาวุธคล้องแผ่นสุวรรณบัตรและหิรัญยบัตรทับเสื้อคลุมใหม่ไว้บนอกเดินเรียงแถวผ่านประตูบูรพาฉายพระเจ้าฮุยจงทรงเปิดให้พวกเขาเข้าเฝ้ายางพระที่นั่งจารีตประเพณีและบารมีธรรม ทั้งหมดก็มอบกราบเปร่งเสียงโดยพร้อมเพรียงกันขอจงท ร, รงพระเลินหมืนม่นปีหมื่นหมื่นปบรรดานักรบทั้งหลายในชุดเกราะงามสง่าตัองพระรารุชไทยแห่งองค์อธิการไทยเป็นยิ่งนักทั้งหมดที่จะมีเว้นก็แต่วูยงหลวงจีนลู่และพระธุดงหูสงเท่านั้นที่สวมชุดทางศาสนาของพวกตน พระเจ้าหุยจงทรงมีพระราชลังรัตว่าเราได้ทราบถึงความยากลำบากในระหว่างการญาตราทัพไปปราบศึกการทุ่งเทที่ชายแดนและเป็นกังวลต่อความสูญเสียที่พวกท่านได้รับเป็นยิ่งนักทรงเจียงโคกศีรษะแล้วกราบบุคมทูนว่าขอเดชะใต้ฝ่าละ อ, อองธุรีพระบาทตอกกล้าปกกระหมอ่อมด้วยเดชะบารมีของพระองค์ดอกมณฑนชายแดนของเรา จึงได้คืนสู่สันติสุขอีกครั้งมีขุนพลของใต้ฝ่าระ อ, องทุลีพระบาทเพียงบางคนเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีผู้ใดถึงขั้นสาหาัสราชนณาจักรแห่งทะเลทรายของพวกเหลียวบัดนี้ยอมจำนนสิ้นแล้วพระเจ้าค่ะนี่ก็เดวยพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์อีกเช่นกันด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะแล้วเขาเต่าอีกคำรบหนึ่งพระเจ้าหุยจงมีพระราชนารมิตมอบยศขุนานางให้ทรงเจียม แต่สมุหานายกใช่จริงกับองคอมนตรีฝ่ายกิจการทหารถงกวานถว า, ายคำแนะนำคัดค้านทั้งสองกราบทูลขึ้นว่าขอเดชะอาญามิพลกราบชายแดนของเรายังตกอยู่ในอันตรายยังไม่สมควรให้ยศชั้นไปในตอนนี้พระองค์ควรพระราชาทานบรรดาศักดิ์กิจดให้เป็นผู้พิทักษ์คุณธรรมและพระเท า, านอาวุธให้ถือ และมอบหน้าที่พิทักษ์วังหลวงก็น่าจะพอสำหรับรูกจุนยี่นั้นพระองค์ก็ควรอนุญาตให้ถืออาวุธหลวงมอบตำแหน่งให้เป็นครูฝึกกองทัพส่วนวูหยงกับขุนน้าใหญ่กับ36คนที่เหลือก็ให้ครองยศเยี่ยนผู้บัญชาการเต็มขั้นให้จูวูกับพวกอีทั้ง72คนที่เหลือเป็นรองผู้บัญชาการปรหลัดผู้ช่วยและหุนบันเนเป็นเงินทองให้ไพร่พลที่เหลือไปพังางก่อน ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะพระเจ้าค่ะพระเจ้าหุยจงทรงเห็นชอบพระองค์มีพระบัญชาให้สภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารหมอบบรรดาศักดิ์และอูนบำเหน็จทั้งคนทั้งนายให้ไปตามนั้นทรงเจี่ยงกับคณะก็พากันเข้าเต่ากราบถวายบังคมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณพระเจ้าหุยจงทรงบัญชาให้เจ้าพนัก ง, งานฝ่ายจัดเลี้ยงจัดพิธีให้เป็นเกียรติแก่ผู้ที่มาเข้าเฝ้า หลังจากเสร็จพิธีพระเจ้าหุยจงก็พระราชทานเสื้อคลุมไหมชุดเกราะทองและม้าฝีเท้าดีให้ทรงเจียงพระราชทานบำเหน็ตที่เบิกจากพระคลังข้างที่แก่ลู่จุนยี่และคนอื่นๆแล้วทั้งหมดก็ถกวายมังคมลาลอดผ่านประตูประจินฉายขึ้นมา้าพากันกลับค่ายเพื่อรอพระกระแสรั บ, รบสั่งต่อไปวันรุ่งขึ้นกองซุนชิงก็มาหาทรงเจียงที่กระโจมประชาการ ยกมือทั้งสองข้างขึ้นคารวะส่งเจียงและบรรดาหัวหน้าทั้งหลายตามอย่างนักพรตในรัฐทิเตากงซุนเชิงเอ่ยขึ้นว่าท่านเซียนโลอาจารย์ของข้ากําชับว่าหากติดตามดูแลท่านจนตลอดปลอดภัยถึงเมืองหลวงแล้วก็ให้รีบกลับขึ้นเขาไปเื่อเพ็นเพียรต่อตัวท่านก็รับปากและไม่ใช่หรือขอรับกงซุนเชิงเอ่ยปากทวงถามตอนนี้ท่านก็กลับมาถึงโดยปลอดภัยได้รับชัยชนะ ก็มีชื่อเสียงแล้วด้วยข้าคงจะอยู่ช้าไปอีกไม่ได้ข้าต้องขออําลากลับขึ้นเขาไปศึกษาเท่าเรียนต่อและดูแลแม่ผู้แก่เท่าจะให้กลับคําหรือก็ใช่ที่ทรงเจียงจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ําตาหนองหน้าว่าคืนวันที่พวกเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาดังเช่นดอกไม้คลี่กรีบเบ่งบานประการตา หากจากพากันไปเช่นนี้ก็เป็นเหมือนดังดอกไม้แห้งกรอบเหี่ยวเฉาที่ข้ารับปากไปนั้นก็จริงอยู่แต่มาเห็นท่านเต้าสือจะจากไปจริงๆหัวใจมันปวดรา้าวรู้บ้างไหมน้าขอรับกองซุนเชงจึงพูดขึ้นอีกว่าหากว่าทอดทิ้งท่านไปเสียกลางคันนั้นสิย่อมถือว่าไร้สิ้นความรักความผูกพันแต่ตอนนี้ท่านทั้งประสบความสาเร็จและมีชื่อเสียง สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่ปลีกวิเวกของนักพรตผู้มักน้อยท่านโปรดได้เห็นใจด้วยเถิดขอรับเมื่อส่งเจียงหมดสิ้นเหตุผลใดๆจะไปทัดทานไปอย่างอื่นก็สั่งให้จัดงานเลี้ยงส่งขึ้นอย่างใหญ่โตขณะชูจอกเหล้าทุกคนก็พากันถอนใจน้ำตาไหลลงไปปนกับเหล้าที่จะดื่มกงซุนปฏิเสธเงินทองข้าวของที่ได้รับแต่บรรดาหัวหน้าคนอื่นๆก็พากันยัดใส่ห่อเสื้อผ้าโดยไม่ฟังเสียง วันรุ่งขึ้นก็อำลาจากไปเต้าสือใสร่รองเท้าสานสภายห่อผ้าเอาไว้บนหลังพนมมือโค้งคารวะแล้วออกเดินมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือส่งเจียงเศร้าใจร้องไห้น้ำตาดังสายฝนอยู่เป็นนานหลายวัน และแล้วตรุษ จ, จีนก็เวียนใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วบรรดาขุนน้ำขนุนนางก็พากันตระเตรียมเฉลิมฉลองสมุหานายกใช่จริงกลัวว่าส่งเจียงและหุวหน้าทั้งหลายจะมาเสนอหน้าในงานพิธีของราชสำนักและพระจกักรพรรดิจะทรงเห็นและจะพระราชทานมาอบงานสำคัญให้ไปทำดังนั้นจึงถาวายคำแนะนำพระเจ้าหุยจง ให้จำกัดการเข้าเฝ้าของขบวนทัพที่ยกไปปราบปรามพวกเหลียวโดยส่งเทียบเชิญเฉพาะส่งเจียงและลูกจุนยี่ที่มีตำแหน่งในราชาสำนักแต่ไม่เชิญผู้ขนนุนหน้าคนอื่นที่ยังไม่ได้ตำแหน่งโดยให้เหตุผลว่าอาจจะไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาทได้เพราะถึงวันปีใหม่พระจกักรพรรดิเปิดราชาสำนักบรรดาขุนนางขุนนางต่างพากันมาเฝ้าถวายพระพร ส่งเจียงกับลู่จุนยี่แต่งเครื่องแบบเต็มยศก็ไปรอท่าอยู่ที่ห้องโถงรับรองเพื่อเข้าเฝ้าในช่วงเช้าและร่วมถวายบังคมกับขุนนางคนอื่นๆพระจักรพรรดิทรงพระมาลาลายขอบทรงรัดพัดประดับยกรัดรอบบ้นพระองค์ประทับนั่งบนบันลังแวดล้อมด้วยเสนาบดีผู้ใหญ่แต่ส่งเจียงลู่จุนยี่และขุนนางคนอื่นๆไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในท้องพระโรงได้แต่เมียงมองแสงวูบวับๆ ของอั ญ, ญมณีที่ชายไหวของชายเสื้อของบรรดาเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ที่เฝ้าแหนและเดินกรีด ก, กลายไปมาเข้าเ้าออ ก, ออกประตูห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นอยู่เช่นนี้ตั้งแต่เช้าไปจนจะรถเที่ยมจนเมื่อนั้นแล้วพวกที่เฝ้าแหนอยู่ภายนอกก็ได้รับแจกจอกสุราเพื่อดื่มถวายพระพรแล้วบรรดาขุนนางทั้งหมดก็พากันถวายบังคมลากลับพระจกักรพรรดิทรงปิดราชสนัก ส่งกับลูกพากันจากพระบรมราชวังออกมาถอดชุดพระราชพิธีขึ้นมา้าขี่กลับคืนค่ายใบหน้าดำคร่าเครียดปู่ยงกับหัวหน้าคนอื่นๆก็ออกมารอต้อนรับขณะนั่งรับคำอวยพรตามขนบประเพณีในเทศกาลปีใหม่ท่ามกลางคนทั้งร้อยเจ็ดคนที่ยืนขนาบอยู่ทั้งสองข้างส่งเจียนนั่งคอตกเงันงกอยู่ในความเงียบูบ่ยงจึงทักขึ้นว่า ท่านเพิ่งเข้าไปถวายบังคมพระจั ก, จกรพรรดิอยู่หลันๆเหตุฉันไหนไม่สบายใจได้ถึงขนาดนี้เล่าส่งเจียงถอนหายใจใหญ่แล้วเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยบางทีข้าน้อยอาจจะเกิดมาอาภัพอับโชคด้วยวาสนาถึงจะยกขึ้นไปปราบพวกเหลียวประสบความยากลำบากกันมาแสนสาหานะัสนักแต่ข้าน้อยกลับได้รับความดีความชอบนามามอบให้พวกท่านน้อยนักหนา ลำพังตัวเองก็เป็นได้เพียงขุนนางชันผู้น้อยขอให้เศษเนื้อข้างเคียงบูหยงจึงว่าถึงจะยังรุ่งโรจน์ได้ไม่เต็มที่แต่เหตุฉั่นไหนต้องทุกตมจง จ, จมได้ถึงเพียงนี้เล่าไม่รู้เลยหรือไรว่าชีวิตล้วนสวรรค์ลิขิตมาแต่ตน้นไม่มีเหตุอันใดต้องไปกังวลดอกนี่ขุยสละตันดำก็เอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยจนป่านเนี่ยยังคิดไม่ตรงอยู่อีกหรือขอรับ ใหญตอนที่เราอยู่บนเขาเหลี่ยงซานใครๆก็มาดูดั น, ดนใช้เราให้ไปไหนมาไหนนั้นไม่ได้แต่ถึงตอนนั้นที่พี่พูดได้ก็ไม่เพียงเรื่องเดียวอภัยโทษอภัยโทษแล้วก็อภัยโทษเท่านั้นแหละพอมาถึงตอนเนี้ที่พวกเราได้มาก็ไม่เห็นมีอะไรไปถึงไหนเลยสัมรายกลับหนักลงไปเรื่อยๆพวกเราพี่น้องก็อยู่ที่นี่กันหมดจะ ก, กลับไปสแสวงหาความสุขที่เมืองเหลี่ยงซานอย่างเก่าไม่ดีกว่าหรือขอรับ ส่งเจียนจึงตะหวาดรีคุยไปว่าเฮ้เจ้านี่เจ้ามันพูดบา้บาๆอีกแล้วไอ้ดำตับเป็ดเฮ้พวกเราทั้งปวงล้วนเป็นแม่ทัพในกองของพระเจ้าอยู่หัวตัวยังไม่รู้สำเนียงอะไรสักอย่างใจจิตคิดเป็นแต่จะขบดิอยู่ร่ำไปปาดทุวเฮ้ดิบต์โอยโอ้ยโอ ย, โอ ย, โอยท่านพี่ยอมแล้วยอมแล้วหากท่านพี่ไม่ฟังคำข้านะรีขุยยังเถียงต่อ เชิญถักหน้ารับกำนักขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันเฮ้ยทุกคนพากันหัวเราะฮพากันยกจอกเหล้าขึ้นโอยพอรปีใหม่ให้ส่งเจียงดื่มกินกันไปจนถึงยามสองก็แยกย้ายกันกลับ <c oughs> พอรุ่งขึ้นส่งเจียงพาทหารสิบกว่าคนพวกม้าเข้าไปในเมือง เพื่อไปเยี่ยมคารวะจอมพลสูรข้าหลวงเจ้าและขุนน้ำขุนนางคนอื่นอีกจำนวนหนึ่งมีหลายคนเห็นและใครบางคนก็รายงานขึ้นไปถึงสมุหานายกใช่จริงวันรุ่งขึ้นพอได้รับพระราชานุมัติใช่จริงก็เอาประกาศขึ้นติดประตูกำแพงเมืองทุกแห่งความว่าใครพ้นและแม่ทัพในกองในกองทัพปราบเหลียวทั้งหลายทั้งปวงต้องอยู่แต่ในกรงครองเพื่อรอรับคาสั่ง ้าไม่ให้บุ้ใดเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรที่ออกให้เป็นการเฉพาะจากฝ่ายบังคับบัญชาผู้รับผิดชอบโดยเด็ดขาดใครก็ตามหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามอาญาทัพมีใบบอกหลายใบนำไปติดไว้ที่สถานีสะพานเฉินคนที่เห็นก็รายงานขึ้นไปอย่างส่งเจี่ยงที่ยิ่งหดหูเข้าไปใหญ่ฝ่ายแม่ทัพในกองมโหกโกรธทากันโดยทั่วหน้า นอกจากทรงเจียงแล้วใครๆในทัพล้วนมีจิตคิดขบถกันไปทั้งสิ้นแม่ทัพเรือหลายนายขอเข้าพบวูหยงเพื่อหารือเรื่องที่เกิดขึ้นวูหยงถูกพาลงไปในเรือรบลำหนึ่งก็พบกับลี่จุนจางเฮงจางชุนและสามพี่น้องตระกูลหยวนคนทั้งหมดก็ร้องขึ้นว่ า, <น>าราชสำนักไม่รักษาคำ ม, มั่นสัญญาเสนาบดีขี้ช่อมีอำนาจ คอยกีดกันกันแกล้งคนดีมีศีลธรรมถึงแม่พี่ใหญ่ทรงเจียงปราบปรามพวกเหลียวลงได้แต่กลับได้เป็นเพียงขุนนางชั้นผู้น้อยไม่ได้รับพระสถานชั้นยศเชื้อใจลงมายังพวกเราพี่น้องบ้างเลยมิหนำซ้ ำ, ำมาคราวนี้ก็ห้ามพวกเราไม่ใ้ใครเข้าไปเหยียบพระนครได้อีกพวกเราคิดว่าไอ้พวกขุนนางกลางฉินเหล่านี้คงกําลังจะคิดจับแยกแล้วจะให้พวกเราไปประจำการตามที่ต่างๆพวกเราใครจะขอให้ท่านสนับสนุน เพราะหากเราพูดเรื่องนี้กับพี่ใหญ่ ต, งตรงๆท่านคงตอกหน้าพวกเรากรับออกมาอย่างแน่นอนความคิดของพวกเราคือรบกันให้เลือดสาดไปเลยปล้นพระนครกวาดล้างมาให้เฮี้ยนแล้วหนีกลับไปเป็นจรที่เมืองเหลี่ยมซานอย่างเก่าทำเช่นนั้นจึงจะเป็นการดีที่สุดขอรับวูหยงจึงว่าเฮ้ยเชื่อแน่ว่าพี่ใหญ่ย่ำต้องปฏิเสธพวกท่านเสียเวลาเปล่า ระวังให้ดีหากดีดเกาทันไปไม่พ้นแง่งถึงคันธนูจะแข็งก็จะหักงูไม่มีหัวจะเลื้อยได้ชนไหนแล้วข้าเป็นใครจึงจะไปเที่ยวเสนอเรื่องเช่นนี้เราทำอะไรไปตามลำพังโดยปราศจากความเห็นดีเห็นงามของพี่ทรงเจียงไม่ได้ดอกคืนทําไปพวกท่านก็ไม่มีวันสำเร็จเมื่อเห็นได้ชัดว่าที่ปรึกษาทัพไม่เข้าด้วยแม่ทัพเรือทั้งหกก็คอตกเงียบงันกันไปดังเป่าสี พอกลับมาค่ายบูหยงก็นั่งลงสนทนาเรื่องการทับกับทรงเจียงก่อนจะพูองออกไปว่าปกติพี่น้องของเรามักจะไปไหนมาไหนได้ตามใจปรารถนาและพอใจในอิสระเสรีเช่นนี้นะักแต่บัดนี้พวกเราได้รับพระราชทานอภัยโทษและท่านได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางก็จริงแต่พวกเขากลับถูกกัก บ, บริเวณไปในบัดดลจึงรับไม่ได้และพากันโมโหใหญ่ ทรงจริงได้ฟังก็ตกใจเอ่ยขึ้นว่าเออมีใครผู้ใดมาฟ้องร้องท่านอาจารย์หรือขอรับไม่มีดอกก็มันเห็นกันอยู่ตรงๆโบราณก็ว่าเอาไว้ว่าใครๆก็ปรารถนายศถาบรรดาศักิ์และความมั่งมีสีสุขกันทั้งนั้นไม่มีใครดอกอยากตามต้อยด้ยข้าฮะแค่มองตาก็รู้ใจเออท่านอาจารย์ที่ปรึกษา หากเป็นเช่นนี้พี่น้องเราคงคิดขบุดเป็นแม่นมันแต่ถึงจะตกตายลงไปในโยมโลกข้าก็จะไม่มีวันสลัดทิ้งซึ่งความจงรักภักดีในองค์พระจกก้กระพัดไปได้หรอกขอรับวันรุ่งขึ้นส่งเจียงก็เรียกบรรดาหัวหน้าทั้งหลายมาประชุมพอทั้งหมดมาประชุมกันที่หน้ากระโจมทรงเจียงก็ปราศัยขึ้นว่า หลองจากเริ่มอาชีพเป็นเจ้าพนัก ง, งานชั้นผู้น้อยในตำบลหยุ่นเชงพี่ก็ไปทำผิดอาญาใหญ่หลวงแต่เพราะแรงสนับสนุนจากพวกท่านแท้ๆพี่จึงได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าใหญ่และวันนี้ก็ได้มาเป็นขุนนางโบราณก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้ใหญ่ต้องมีวินัยกำกับหากไม่คิดจับยังช่างใจจะเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างไรกันราชสำนักมีเหตุผลที่ต้องทำอย่างนั้นพวกท่าน จะเข้าไปในพระนครโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นไม่ได้ตอนอยู่ป่าเขาพวกเราจำนวนมากยังเป็นแค่คนดิบตอนนี้ใครผู้ใดที่ก่อเรื่องจะต้องอายาทัพชื่อเสียงกิติยศของเราจะต่างพราอย่อยยับโชคดีนักหนาก็เพราะว่าข้อห้ามเช่นนี้นี่เองที่ทำให้เราไม่ต้องเสี่ยงไปแปลกเพื่อนกับสิ่งเหม็นขาวในเมืองหากพวกท่านยังคิดใครจะเป็นกบฏก็จงตัดหัวพี่ซะ ก, ก่อนเถิดเพราะพี่คงตากหน้า อยู่ในโอกใบนี้ต่อไปไม่ได้หรือไม่ฉันนั้นพี่ก็คงต้องฆ่าตัวตายพวกท่านเลือกเอาก็แล้วกันโอ้โหยี่ไฟบังคับนี่ว่ะจะเลือกยังไงอ่ะพี่ทรงเจียงก็ตายเหมือนกันอุ้ยแย่เลยวะ่ะพอได้ฟังความทรงเจียงเช่นนั้นบรรดาหัวหน้าก็พากันร่ําให้ ทั้งหมดประวนาตัวยืนยันจะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อกันและกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะพากันแยกย้ายไปนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหากไม่มีกิจราชการใดๆก็ไม่มีผู้ใดเข้าไปเหยียบพระนครอีกพอเทศกาลจันเพนแรกประจำปีใกล้เข้ามาถึงตามถนนหนทางก็ตกแต่งประดับประดาไปด้วยโคมไฟตรการตาสุดงดงามตามธรรมเนียมปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งที่ค่ายสถานีสะพานเฉนิน ชริยเทพเยียนฉิงก็ยกเรื่องขึ้นมาพูดคุยกับคอหอยเหล็กย้้ยโหพระจกักรพรรดิกับไพ่ฟ้าประชาชนจะเฉลิมฉลองสิ้นสุดตรุษจีนด้วยดอกไม้ไฟและดวงประทีปโคมไฟนี่พวกเรามาพร้อมตัวแอบไปเที่ยวเล่นกันจะดีกว่าไหมเฮ้ย ห, หากพวกท่านจะพากันเข้าไปดูประทีปโคมไฟใครบางคนเอ่ยขึ้น ก็ช่วยพวกเอาข่าติดไปด้วยนะขอรับเย็นชิงหันไปดูก็เห็นเป็นสลาตันดำรีขุยอฮ้ยวิดไปไม่มีประโยชน์ใดดอกรีขุยเอ่ยข้าได้ยินหมดสิ้นแล้วเฮ้ย อ, อ๋อพาท่านไปด้วยนั้นง่ายนักไม่เห็นหนักอะไรเลยเย็นชิงเอ่ยเป็นแต่ว่าข้ากลัวอารมณ์ท่านนักท่านต้องไปก่อเรื่องขึ้นแน่แน่ สภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารก็ขึ้นไปห้ามพวกเราไปเหยียบพระนครหากท่านขืนไปสร้างเรื่องก็เท่ากับเอาเราไปติดกับข้องกบเปล่าเฮ้ยข้าไม่กอ่อ เ, เรื่องใหญ่ๆเอะข้าจะทําตามที่ท่านสั่งทุกประการเลยเอาละ่ะเอาละ่ะถ้าเช่นนั้นจะไปด้วยก็ได้นะพรุ่งนี้ตอนเช้าจะไปเที่ยวก็แต่งตัวเป็นคนเดินทางก่อนแล้วกันสลาตันดําดีใจนักพอวันรุ่งขึ้น ทั้งสในคราบคนสัญจรก็ออกเดินทางระหว่างทางไปเจอชื่อเฉียนเย็ะหัวกับชื่อเฉียนจึงแยกหลบเข้าเมืองไปก่อนเหยียนฉิงสลัดดิ้ขุยไม่ได้ก็จำใจกระเตงไปด้วยทั้งสองไม่กล้าเข้าทางประตูสะพานเฉนินจึงอ้อมไปเข้าทางประตูเฟงฉิวแทนพอหลุดเข้าไปได้ก็จุงมือกันมุ่งตรงไปยังย่านโรงยิ้วสิ้นเพลงแววเข้าหู ลีขุยดึงดันจะเข้าไปดูให้ได้เย็นชิงจึงจำต้องพาวแบบฝูงชนเข้าประตูโรงละครไปดูก็เห็นพรานสัญจรผู้หนึ่งกำลังขับลำนำเล่าเรื่องราวจากพงสวดานสากกตอนกวนอวูวีระบุรุษในตำนานต้องธนูอาบยาพิษเข้าที่แขนซ้ายตอนนั้นพิษร้ายกำลังกำเริบซึมเข้าไปถึงกระดูก หมอยาเอ่ยขึ้นว่าไอ้หากท่านให้ข้าน้อยรักษาท่านจะต้องเอามือสอดเข้าไปในห่วงเหล็กที่เรึงติดอยู่กับท่อนสำริดให้ข้าน้อยมัดเอาไว้ข้าน้อยจะผ่าเนื้อเข้าไปคูดกระดูกที่ต้องพิษออกสักสามในสี่ส่วนพอยักยาใส่เข้าไปข้าน้อยจะเอาได้ชุบน้ามันเย็บแผลติดคืนกันให้สนิทออกยาเอาไว้ภายนอกรออีกสักครึ่งเดือน ท่านก็จะหายสนิทเหมือนได้แขนใหม่แต่การผ่าตัดต้องเจ็บปวดอย่างมากนะขอรับปวนอูหัวเราะแล้วพูดขึ้นว่าเฮ้ยความตายคมคนจริงไม่ลงฉันไหก็ฉันนั้นข้าเป็นกระวนก็แตบแผลที่แขนฉันนั้นตัวท่านก็จงอยญ่ได้กังวลใจไปอย่างอื่นเลยขอรับห่วงเหล็กกระปลอกโลหะนี้ไม่จําเป็นดอกจงผ่าเอาตามใจปรารถนาเถิด ว่าพรางกวนอู ก, ก็เรียกเอากระดานหมากรุกมาลงนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนขณะปล่อยให้หมอผ่าแขนขูดกระดูกเอาพิษออกเฉยอยู่ใบหน้าไม่ซีดไม่สลดสนธนาหยอกเย้าอยู่กับเพื่อนหัวเราะร่วนไปตามปกติพอเขาขับลำนำมาถึงตอนนี้ลี่ขุยก็ตะโกนทะลุกลางป้องออกไปด้วยบรรดาใจว่าอย่างนี้สิจึงจะเรียกได้ว่าคนกล้าบรรดาคนดูจานวนมากตอกตกใจ พากันหันมาจ้องเป็นตาเดียวกันเย็นฉิงรีบห้ามไว้เฮ้ยพี่ลี่ขุยเหตุชนไหนจึงได้พ้องตื่นถึงขนาดนี้ละ่ะขอรับอยู่ในโรงรละครแบบนี้ไม่ใช่สถานที่ที่จะให้ใครต่อใครมาทำเอะอะพักโวยร้องมึงมาพาโวยด้วยเรื่องพิเงเล็กๆ น, น้อยๆเ น, นี้นะขอรับเฮ้ยข้าอดไม่ได้ก็มันกินใจสักขนาดนั้นเย็นฉิงลากตัวลี่ขุยออกมาทั้งสองออกจากโร ง, งิ้แห่งนั้น ตัดข้ามเมืองไปตามถนนข้ามเมืองสายหนึ่งก็เห็นชายผู้หนึ่งระดมคว้างปาบ้านชายอีกผู้หนึ่งด้วยเศษอิดเศษกระเบื้องมุงหลังคาชายที่ถูกขว้างปาโอดขึ้นว่าเฮ้ยทั้งสองครั้งสองคราเจ้าจยืนเงินลงไปแทนที่จะใช้คืนกลับเอาอิดเอาหินมาคว้างบ้านกั น, นกลางวันแสงแสงบ้าท้เฮ้ยยังไงก็ไม่นเนี่ย เม่ได้มาเห็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานี่ขุยก็เดือดดานตรงรีดเข้าไปใส่เหยิยนชิงรีบรัดตัวเอามาไว้ในวงแขนรี่ขุยตาโปนทะมึงถึงจ้องเขม็งระหว่างกูกับมันมีหน้าที่จะ ต, ต้องสะสางคนคว้างอิจตาวาดแล้วมังเป็นใครจึงคิดจะมาแทรกกลางฮะกูจะลงไปใต้แยงซีไม่ปราบโจนในะอีกไม่ชานี้แล้วขอร้องอย่ามอขวางทางก็จะดีกว่า อยู่สู้กับมึงให้ตายจะไปข้างนึงคงจะดีกว่าเพราะหากไปรบที่นั่นก็ต้องตายอยู่ดีเห้ยเอาแล้วจะลงใต้ไปทําไมกันสลาลั่นดําถามก็ยังก็พวกเรายังไม่ได้ถูกเรียกกระดมเข้ากรมกรองหรือไปรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาใดๆฉันไหนจะไปได้วะเนี่ยฮะเฮ้ยยังไงวะเนี่ยงงไปหมดแล้วเย็ยนชิงรีบห้ามคู่ต่อสู้ทั้งสอง ฉุดลีขุยพาเดินเลี้ยวออกจากถนนสายข้ามเมืองพอเข้าไปในตรอกแห่งหนึ่งก็เห็นโรงน้ําชาเล็กๆจึงเดินเข้าไปนั่งขณะกําลังจิบน้ําชาก็คุยกับชายชาราที่นั่งอยู่ตรงข้ามเออท่านปู่ขอรับหวานบอกเราทีเถิดเย็ยนฉิงเอ่ยถามเมื่อะ ก, กี้นี้พวกเราเกิดไปมีเรื่องกับทหารคนหนึ่งเขาบอกว่าจะต้องไปกับทัพที่จะยกลงไปรบทางใต้แยงซีไม่ทราบว่าพวกเขา มุ่งไปที่ไหนแน่ขอรับเออพวกเจา้าไม่รู้เลยกระนั้นหรือไอ้โจอนที่นั่นชื่อฟางล่ามันกำเริบถึงขั้นก่อกบุมันยึดผืนแผ่นดินเราไปยี่สิบหาตำบลแปจังหวัดไล่ขึ้นมาตั้งแต่มูโจจนถึงหลุนโจเลยทีเดียวนะแล้วเรียกดินแดนเหล่านั้นเปน็นอาณาจักรของมันไม่ช้าก็เร็ว กบฏพวกนี้ต้องคงจะตีขึ้นมาถึงห่างโ จ, าจากกพระจักรพรรดิทรงมีพระบัญชาให้สมุกเทศาพิบาลจ้างพวกบัญชาจังหวัดทหารเหลิวออกไปกวาดล้างเย็นชิงกับนี่ขุยรีบชำระเงินรุดกลับค่ายรายงานเรื่องดังกล่าวให้หุยหยงฟังโดยไวที่ปรึกษาทัพยินดีนักนำข่าวศึกนี้ขึ้นไปบอกส่งเจียงส่งเจียงเอยขึ้นว่า มานั่งซบเซาอยู่ที่นี่นานไปก็ป่วยการพวกเราไปขอจอมพลสูไปเชื่อกราบทูลพระจกักรพรรดิขอไปทับออกศึกครั้งนี้จะดีกว่าส่งเจียงนาเรื่องนี้ไปหารือกับหัวหน้าคนอื่นๆคนเหล่านั้นก็เห็นด้วยรุ่งขึ้นส่งเจียงพัดเสื้อผ้าพาเยียนฉิงเข้าเมืองพอถึงจวนของจอมพลสูก็ลงมาคนใช้ขานชื่อจอมพลสูก็สั่งให้พาเข้ามาส่งเจียงโค้งคานับ เฮ็ hey, ุฉันไหนท่านแม่ทัพจึงแต่งตัวเป็นพระเรือนมาเยือนถึงที่นี่ละขอรับหากไม่มีหมายเรียกสภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารมีคำสั่งห้ามทัพปราบศึกเหลียวเข้ามาเหยียบพระนครข้าจึงมากราบเรียนใต้เท้าในครั้งนี้เป็นการส่วนตัวข้าได้ยินมาว่าฝางหน้าก่อขบวขึ้นทางใต้ยแยงซียึดพื้นที่ไปหลายจังหวัดและเรียกหาตนเองว่าเป็นกษัตริย์ เดินทัพมาใกล้จะถึงหลุนโจคาดกันว่าไม่ช้าก็เร็วคงจะข้ามแยงสีเข้ามาตีหยางโจกองทัพของข้าตั้งค่า่อยู่ที่นี่ว่างอยู่ไม่เป็นที่เหมาะที่ควรข้าจึงใคร่จะนําทัพไปร่วมกำจัดฝั่งหน้าแสดงออกซึ่งกระต่าเวทีข้าจึงใคร่ขอวานใต้เท้าให้ช่วยนําเรื่องนี้ขึ้นกราบองคมทูลพระจกักรพรรดิให้ด้วยขอรับจอมพลสูดดีใจนะักแล้วพูดว่า ท่านแม่ทัพขอรับสิ่งนี้ช่างเป็นไปดังใจที่ข้าคิดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อแผ่นดินและต่ออนณาประชาราษแล้วเหตุฉันไหนข้าจึงจะไม่ล่ะเชิญใต้เท้ากลับไปก่อนเถิดขอรับพอเช้าขึ้นมาข้าก็จะเร่งดาเนินการเป็นอันดับแรกพระองค์ย่อมต้องใครครวญเรื่องนี้อย่างทีท่วนเป็นแน่ย่อมต้องใครครวญเรื่องนี้อย่างทีท่วนเป็นแน่แท้ ต้งเจี่ยงกล่าวอำลาจอมพลสูกลับไข่และแจ้งเรื่องดังกล่าวกับพี่น้องทั้งหลายตอนที่จอมพลสูเข้าเฝ้าช่วงเช้าก็พบว่าพระเจ้าหุยจงกําลังปรึกษาข้อราชการอยู่กับเสนาบดีทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูในพระที่นั่งอวนกลิ่นกํายานซึ่งมีพระราชกระแสรับสั่งถึงเรื่องที่ฝางล่าก่อการในภาคใต้ ย, ยึด25ตําบลในสังกัด8จังหวัดตั้งราชวงศ์ปราบดาพิเศษตนเองเป็นพระราชาธิบดี การที่หยางโจจะถูกโจมตีนั้นเป็นของแน่เพียงแต่จะเวลาใดเท่านั้นเองเราบรรชาสำหะเทสาภิบาลจ้างกับผู้บัญชาการเขต จ, จังหวัดทหารเหลิวให้นำทัพไปปราบแล้วแต่ก็ยังไม่รายงานผลใดๆเข้ามาเลยพระเจ้าฮุยโจงดำัำโจนกบเนี่ยมันกล้าดีเหลือใจนะพระเจ้าค่ะจอมพลส่สำนนงเหตุฉันไหนไม่สงส่งเจียง แม่ทัพปราบเหลียวตาต้าไปร่วมด้วยใช้สองทัพยกไปย่อมปราบกบฏและนำชัยชนะยิ่งใหญ่กลับมาได้อย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะท่านเสนอได้ดีตรงใจเรานะักพระเจากาพัฒน์ดำรัดว่าพรางก็ทรงเรียกองค์มนตรีฝ่ายกิจการทหารเข้ามารับสนองพระบรมราชองการสมุหเทศาพิบาลจ้างและแม่ทัพสองคนในสังกัดอันได้แก่ขุนพลกงและขุนพลเก่งก็ขอให้ทรงเจี้ยนเป็นทัพหน้า พ่อองค์คมนตรีฝ่ายกิจการทหารรับสนองพระบรมราชโองการก็ส่งคนไปตามส่งเจียงและลู่จุนยี่มาเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักพระเจ้าหุยจงก็โปรดเกล้าให้ส่งเจียนดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในกองทัพออกสึกแดนใต้และให้ม่ทับหน้าในกองทัพที่ยกไปปราบปางล่าทรงโปรดเกล้าให้ลู่จุนยี่เป็นประลัดทัพและพระราชทานเข็มขัดทองเสื้อคลุมไหมเกราะทองม้าฝีเท้าดีและผ้าแพรต่างสี25พับ ให้คนทั้งสองคนละสำรับส่วนขุนพลคนอื่นๆก็ได้รับพระราชทานเสื้อผ้าและเงินทองและส่งรับปากว่าหากชนะกลับมาจะพระราชทานชั้นจดให้ตามความดีความชอบในสนามรบบรรดาหัวหน้าทั้งหลายก็ได้รับพระราชทานเงินทองข้าวของพระราชทานทั้งหมดนี้เบิกออกมาจากพระคลังข้างที่มีการกาหนดวันเวลาในการเคลื่อนทัพทรงเจียนกับรู่จุนยี่ก็ถวายบังคมลา ท่านแม่ทัพท่านมีจินต้าเจียนนักแกะสลักตรายกและห่วงฟู่ต่วนผู้ชำนาญการเรื่องมา้าจงทิ้งเอาไว้ให้เราพระเจ้าหุยจงรับสั่งขอทรงเจียงกับลู่จุนยี่ก็โคกสีศักอีกกล่าวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายบังคมลาออกจากพระบรมมหาราชวังขึ้นม้าตรงไปยังค่ายทั้งสองขี่ม้าเคียงกันมาจิตใจเบิกบานเป็นยิ่งนักพอผ่านตลาดข้างวังก็เห็นชายคนหนึ่ง ขยับลูกซั์ที่ทำจากไม้คู่หนึ่งอยู่ในมือทั้งสองข้างจังหวะเสียงที่กระทบกันล้วนขึ้นอยู่กับมือทั้งสองข้างซ่งเจียงไม่เคยเห็นเครื่องดนตรีประเภทนี้มาก่อนจึงใช้ให้ทหารผู้หนึ่งไปถามนี่คืออะไรล่ะขอรับนี่คือตุ้มเสียงจากแด น, นไกลต้องใช้มือเขย่าจึงจะดังซ่งเจี้ยได้ยินก็ไร้สโลกขึ้นว่า เดียวสูงเดียวต่ำกลับกลับแกรกแรกแหวกฟ้าถึงววลาภาพจะลือเรื่องกระเดื่องไกลไปทั่วล่าแต่หากไม่มีผู้ช่วงใช้ฉันไหนจะได้ราคาตุ่มจากแดนไกลสองลูกนี้ก็เหมือนเป็นชิ้นท่านกับข้าเราสองถึงจะสามารถล้นฟ้าแต่หากไม่มีมือใครจับขึ้นมาเขยา่าเหตุฉันไหนจะได้เสียงไปที่ต้องใจได้ถึงเพียงนี้ส่งเจี้ยงหัวเราะมาจากหลังมา้า สั่งทหารรับใช้ให้นำเงินไปมอบให้คนที่เล่นลูกซัต์ผู้นั้นแล้วพากันขี่ม้าจากไปส่งเจียงยังคุยเล่นเป็นที่ชื่นมื่นในจิตใจไปกับลูกจุนยี่แล้วอารมณ์ก ว, วีก็ผุดขึ้นจึงด้นกรอนขึ้นอีกบทหนึ่งว่าถ <imagen asm> <c oughs> ึงผ่านมือช่างสุดเลิศกระเสิริฐสรรเชคกระดิ่งชิงหวานปานตุ้มหยก แต่ต้องมีมือใครดีมีคนยกจึงกังวานแผ่ปรกไกลในปฏิพีเจ้าสัวลู่จึงท้วงขึ้นว่าเหตุท่านไหนท่านจึงพูดเช่นนั้นและขอรับความสามารถของเราสองไม่เป็นรองขุณทหารใดๆไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันหากไม่เป็นเช่นนั้นใครเล่าจะหยิบเอามาถือไว้ในมือท่านเข้าใจผิดซะแลว้ว เพราะหากท่านจอมพลสูไม่กราบประคมถูนให้เรามีหรือที่องค์พระจจกาพัทจะทรงหยิบพวกเราขึ้นมาช่วงใช้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีชื่อเสียงขึ้นมาก็จงอย่าได้ลืมพระคุณผู้อุปถัมภ์คำจุนเป็นอันขาดเจ้าสัวลูดตรองดูก็รู้ความจึงนิ่งไปพอกลับมาถึงค่ายก็เรียกประชุมเหล่าหัวหน้าทั้งหลาย ให้ระดมม้าศึกและชุดเกราะทั้งหมดเพื่อเตรียมญาตราทับไปปราบฟางล่าวันรุ่งขึ้นก็มีการเบิกของกํานันขององค์พระจักรพรรดิจากพระคลังข้างที่เพื่อ น, นำออกมาแจกจ่ายในกองทหารแล้วส่งจินต้าเจียนกับหวงฟู่ตวนไปรับราช ก, การในพระราชสำนักซ่งเจียงสั่งการให้จัดแจงขบวนเรือให้พร้อมสำหรับการศึกแล้วสั่งกองเรือแล่นนำลงไปยังแม่น้ำแยงซีเกียงส่วนกองทหารม้าให้ผูกเกราะและระดมอาวุธให้พร้อมสับ หากพร้อมก็ให้เคลื่อนตามกันไปทันใดนั้นสมุหานายกใช่จริงก็มาที่ค่ายเรียกตัวเสี่ยวรางมือเทวดาเอาไว้ใช้งานพออีกวันผู้บัช ก, การเขตทหารหวางก็ปรากฏตัวขึ้นขอแยะโหคอหอยเหล็กเอาไว้ร้องเพลงกล่องที่บ้านเพราะได้ยินว่าน้ำเสียงดีโอ้โหนักรบให้กลายไปเป็นนักร้องเชนั้นปาทุ<อ>ส่งเจียงไม่รู้ที่ปฏิเสธก็ต้องยอม ได้แต่มองตามน้องทั้งสองที่ถูกพาตัวจากไปตอนนั้นรวมแล้วส่งเจียงเซียหัวหน้าไปแล้วถึงห้าคนจึงรู้สึกเศร้าหมองนักหลังจากหารือวางแผนร่วมกับลู่จุนยี่แล้วก็สั่งการให้เคลื่อนพลอันว่าการก่อขบถของฝั่งล่าทางใต้ลุ่มน้ำยางซีเกียงค่อยๆก่อวอดมาพักใหญ่แล้วแต่ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าจะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสใหญ่โตได้ถึงเพียงนี้เดิมทีฝั่งล่า เป็นแค่คนตัดไม้อยู่ที่จังหวัดสอโจวันหนึ่งตอนก้มตัวลงล้างมือที่ลำทานเลือบเห็นเงาของตัวสะท้อนไหวขึ้นมาจากผิวน้ำก็เห็นไปว่าตัวกำลังสวมมงกุฎและนุ่งผ้าลายมังกรจึงป่าประกาศว่าชะตาของตัวต้องเป็นกษัตริย์แล้วเริ่มก่อขบวนฟางล่าสร้างหอมณีขึ้นที่คูหาปางหยวนเขตตาบลฉิงซีและสร้างพระราชวังและสวนหลวงขึ้นนอกจากนั้น ยังมีวางขนาดเล็กลงมาตั้งอยู่ที่จังหวัดมูโจและสอโจ อ, อีกสองแห่งแต่งตั้งขุนนางทั้งหมุนและบู้มีราชาสำนักพร้อมหมูเ่เสนาอำมาต ร, ราชมนตรีกำกับอยู่ทุกกระทรวงทบวงกรมครับก็หลังจากราชวงศ์ซ่งปราบกบฏได้แล้วมูโจก็เปลี่ยนเป็นเยียนโจสอโจก็กลายเป็นหุยโจปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเจียนเตอ๋อกับวูหยวน ต่อมาฝั่งล่าก็ขยายอนาเขตรุกเข้ายึดหลุนโจที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งในปัจจุบันคือเมืองเจิ้นเจียงพอถึงตอนนั้นอนณาเขตที่ยึดได้ก็ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆแปดแห่งรวมทั้งสิ้น25ตำบลจังหวัดทั้งแปดประกอบด้วยสอโจมูโจหางโจสู่โจซางโจหูโจสวนโจและหลุนโจ ในเวลานั้นเจียซิงสรงเจียงทรงเถอและให้หนิงยังเป็นเพียงตำบลสังกัดอยู่ใน25ตำบลใน8จังหวัดตามที่ได้กล่าวมาแล้วฝางล่าปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระราชาธิบดีแล้วแต่งตั้งขุนนางทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดตำบลและเสนาบดีเจ้ากระทรวงดังนั้นไพร่พลพนในอาณาจักรทั้งสิน้นจึงมีจํานวนและขนาดใหญ่โตกว่าชุมโจนที่ซ่องสมอยู่ตามภูเขาทั่วไปฟางล่าทําการ ต้องกับคำทํานายของศาสดาพยากรณ์ที่บอกว่าสิบพันกับอีกหนึ่งจุดเดือนสิ้นสุดฤดูหนาวเจ้าจะปรากฏที่หู่ซิงตลอดดงแม้น้ำเจอ้อซุยปราบดาพิเศษกึกก้องเกลืไกล <c oughs> ถอดความได้ดังนี้ว่าคำว่าสิบพันหากแ้มจุดอยู่บนอ่านได้ว่าฟางส่วนเดือนสุดท้ายของฤดูหนาวอ่านว่าลารวมแล้วอ่านได้ว่าฟางลาปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ อย่างไรก็ตาม8จังหวัดใต้ลุ่มแม่น้ำแยงสีเกียงมีขนาดเล็กกว่าราชนาจักรเหลียวมากนะักขณะเดียวกันส่งเจียงก็กําหนดวันเคลื่อนทัพแล้วเข้าไปอําลาเหล่าเสนาบดีประจําราชสำนักจอมพลสู ก, กับข้าหลวงเจ้าเดินทางมาส่งและปูนบาเหน็จทําขวัญทัพด้วยตนเองขณะนั้นหัวหน้าฝ่ายทัพเรือของส่งเจียงแล่นเรือออกจากแม่น้ําชื่อซุยเข้าสู่แม่น้ํำหวายไปแล้วและกําลังแล่นเรืออยู่ในประตูน้ําที่ตําบลหวายอัน เพื่อต่อลงไปชุมนุ่พลที่หยางโจเมื่อกล่าวอำลา จ, จอมพลสูกับข้าหลวงเจ้าตามลำดับแล้วส่งเจียงกับดู่จุนยี่ก็ออกเดินทางกองทัพที่ยกลงไปปราบปางลาแบ่งกำลังออกเป็นห้าตอนจุดหมายปลายทางคือเมืองหยางโจการเดินทางไม่มีเหตุการณ์ใดๆพอถึงตาบลไหวอันก็ลง่ายพอต่อลงไปถึงเมืองหยางโจบรรดาขุนน้าขุนนางในเมืองก็จัดงานเลี้ยงรับทัพท่งเจียง และจัดที่ทางให้ภายในเมืองฟองล่อมีกองทัพขนาดใหญ่ท่านแม่ทัพจะไปดูเบาไม่ได้นะขอรับคุณนางเหล่านั้นแนะนำเมืองหน้าของเรานี้ก็คือแม่น้ำแยงซีก่อนที่จะไหลลงทะเลแม่น้ำสายนี้เดินทางมาเป็นระยะทางไกลถึงเก้าพันสามร้อยลี้ตัวแม่น้ำคืออันตรายด่านแรกที่ท่านแม่ทัพต้องข้ามไปให้ได้ก่อน ต้อไปท่านก็จะต้องตีหลุนโจเมือง น, นี้เป็นด่านหน้าสุดของฝ่ายขบฏ ท, ที่ยึดฝั่งใต้ทั้งหมดของแม่น้ำแยงซีเกียงที่หลุนโจมีหลู่ชื่อนางเสนาบดีสมุห์กะลาโหมของฝั่งล่าเป็นผู้รักษาเมืองโดยมีผู้บัญชา ก, การอีก24คนคอยรักษาการฝั่งแม่น้ำทางใต้ภา ก, กระโน้อนอย่างเข้มงวดหากท่านไม่ทับไม่ยึดหลุนโจก่อนการจะรับมือฝั่งหน้าต่อไปในอนาคตก็เป็นเรื่องอยากนะักขอรับ สงเจียงเรียกหาวูหยงที่ปรึกษาทัพมาร่วมประชุมว่าจะข่าแม่น้ําแยงสีได้อย่างไรการรบกับพวกเหลียวตาต้านั้นล้วนรบกันบนบกทัพเรือ ม, มีส่วนร่วมด้วยน้อยนักแต่มาบัดนี้จะขาดทัพเรือมไม่ได้ซะแล้ววูหยงเอ่ยขึ้นว่า ในรำน้ำแยงซีหน้าเมืองหลุนโจมีเกาะกลางน้ำอยู่สองเกาะคือเกาะเขาจินซานกับเกาะเขาเจียวซานส่งพี่น้องเราสักสองสามคนไปที่สองเกาะนั้นสืบหาช่องทางเข้าตีเมืองและดูว่าจะหาเรือประเภทใดพาเราข้ามฟากส่งเจียงเรียกแม่ทัพเรือฝ่ายตนเข้ามาถามพี่น้องเราคนใดสมัครใจจะเข้าไปสืบเส้นทางน้าและคิดหาหนทาง คนทหารของเราข้ามไปฝากกระนูน้นมีแม่ทัพเรือสี่คนสืบท้าก้าวออกมาอาสาด้วยความเต็มใจแล้วก็เพราะเสือป่าแมวเศราเหล่านี้นำสึกซากศพจึงกองพเนนเทินทึกระดุดเนินเขาเป่อยกู้แม่น้ำแยงซีก็ฉะเลือดไหลลงท้องทะเลเมืองหลุนโจทุกทำลายเผาผลาญไม่เหลือซากไว้แม้แต่บ้านสักหลัง นอกจากทิ้งรังให้ผีข้ามครวนพิศาสตร์หวนให้กระทั่งวัดจินซารยังถูกรานจนราบทับเรือเกรียงไกลยกพลเยียบหาดหานขาวทับปกยิ่งใหญ่ก็จู่เข้าใส่เทือกเขามงกรดำกองทับของทรงเจียมจะตีฝาทับของฝังล่าอีท่าไหนฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ แม่น้ำแยงสี่เกียงมีแครใหญ่แยกออกเป็นสองสายคือหั่นหยางและซุนหยางแม่น้ำแยงสี่เกียงสายหลักไหลมาจากเสฉวนผ่านเมืองสาคัญสำคัญหลายเมืองมีความยาว9ก้าันสาร้อยลี้ด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงเรียกแม่น้ําสายนี้ว่าแม่น้ําหมื่นลี้ที่เขตแดนระหว่างแคว้นบู่กับแคว้นชูมีภูเขาสองลูกตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งคือเขาจินซานอีกลูกหนึ่งคือเขาเจียวซาน บนเขาจินซานมีวัดอยู่แห่งหนึ่งอารามสร้างอย่างกระจัดกระจายต่อบันไดเวียนอ้อมเขาขึ้นไปจนถึงยอดจึงได้ชื่อว่าวัดล้อมเขาส่วนบนเขาเจียวซานก็มีวัดเช่นกันแต่กระจุกตัวอยู่แต่บนยอดมองไปไม่เห็นจึงเรียกว่าวัดเขาล้อมดังนั้นเกาะกลางน้ําทั้งสองลูกนี้จึงตั้งคร่อมอยู่บนเส้นแบ่งเขตอิท ธ, ธิพลของฝั่งล่านั่นเองฝั่งเหนือเป็นเมืองหยางโจส่วนทางฝั่งใต้คือรุนโจ ผู้รักษาแยงสีเกียนฝั่งใต้คือสมุหะพระลาโหมหลู่ซื่อนางแต่เดิมหลู่เป็นข้าหาบดีผู้มั่งคั่งในสอนโจได้รับพระราชทานตำแหน่งนี้เพราะเป็นผู้อุปถัมช่วยเหลือเงินทองข้าวปลาอาหารเป็นหลักแก่กองทัพฝั่งล่างเขาศึกษาตำราพิชัยยุทธ์มาตั้งแต่ครั้งยังเยาวใช้หอกอสรพิษยาวสิบปดเสี้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมีผู้บัญชา ก, การใต้สังกัดอยู่สิบสองคนเรียกว่า 12เทพแห่งเจียงหนานผู้บัญชาการทั้ง12ประสานกันป้องกันอนาเขตส่วนที่ตั้งประชิดฝั่งใต้ของแม่น้ําแยงสีเกียงเป็นด่านหน้าของทั้ง12จังหวัดลู่เป็นแม่ทัพคุมทหารฝ่ายใต้ห้า0 0ื่นคนรักษาอยู่บนฝั่งส่วนในลําน้ํานั้นก็มีเรือสึกอีกกว่าสามพันลำกองบัญชาการใหญ่ทัพเรือตั้งอยู่ใกล้สาราน้ําค้างตามลําน้ําแยงสีเกียงหน้าเมืองหลุนโจ่ไล่ทวนน้าขึ้นไปจนถึงกว๋าโจ่ อันเป็นตะบนท่าข้ามแม่น้ำแยงสีเกียงทางฝั่งเหนือนั้นน้ำใสไม่มีขุนขณะเดียวกันกองทัพส่งเจียงก็ยกลงมาถึงเมืองหวอันซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนไปชุมนุมพลที่เมืองหยางโจเพื่อใช้เป็นที่ตั้งก่อนเข้าตีส่งเจียงนั่งหารือกับบูหยงอยู่ภายในกระโจมเฮ้ยท่านอาจารย์เรามาอยู่ไม่ไกลาจากแม่น้ำแยงสีเกียงนักแล้วข้าศึกยึดพื้นที่ฝั่งใต้อยู่เต็มไปซิ้น ข้าควรจะส่งใครเป็นแมวมองไปสืบหารูดทางข้าม่น้ำดีขอรับสีหัวหน้าสืบเท้าออกมาขออสาเป็นใครกันนั้นหรืออ๋อก็มีคุณชายช้ยจิ้นสลาตันน้อยจางชุนฟองขาวในเกลียวคลื่นชื่อซิวผู้ไม่เคยตายและยวนที่เจ็ดผีมาเกิดแบ่งออกเป็นสองสายจางชุนไปกับช้ยจิน้นหยวนที่เจ็ดไปกับชื่อซิวส่งเจียงสั่งแยกกันไปขึ้นสันดอนจินซานกับเตียวซาน สืบมาให้ได้ว่ากำลังทหารข้าศึกที่รักษาการที่หลุนโจมีจำนวนเท่าใดแล้วกลับอะไรงานข้าที่หยางโจเข้าใจไหมหัวหน้าทั้งสี่อำลาจากไปแบ่งกันออกเป็นสองสายมุ่งหน้าลงไปหยางโจก่อนพอไปถึงก็ปลอมตัวเป็นคนเดินทางตลอดเส้นทางไม่พบใคร ประชาชนในท้องถิ่นพอได้ยินข่าวว่ากองทัพปราบปางล่ากำลังญาตราทับลงมาก็พากันหนีจากหมู่บ้านขึ้นไปหลบซ่อนอยู่ในป่าเขาพอไปถึงหยางโจ้คนทั้งสี่ก็แยกกันแต่ละคู่หอบสเสบียงกลังไปด้วยชื่อซิลกับหยุนที่เจ็ดพาคนรับใช้สองคนแยกไปทางวัดเขาเจียวซานส่วนใช้จิ้นกับจางซุนพกมีดคมกริบถือเงาพร้อมสเสบียงกลงกับคนรับใช้อีกสองคนแยกไปทางท่าข้ามกว่าโจ ในตอนที่มาถึงชายฝั่งแม่น้ํานั้นเพิ่งจะย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิอากาศอบอุ่นบรรยากาศหอมตลบอบอวนไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์มองลงไปจากตลิ่งสูงคลื่นในท้องน้ําเบื้องหน้ากระโจนกระจายเป็นสายหมอกทิวทัศน์แห่งสายน้ํางดงามเหนือขบรร ญ, ญายบนฝั่งตรงข้ามพวกเขามองเห็นทงทั้งขาวทั้งเขียวปักยาวเป็นทิวแถวอยู่ที่ตีนเขาเป่อยกูส่วนเรือแพก็ถูกผูกเป็นแถวเป็นแนวขนานพืชอกรกันอยู่เต็มตลิ่ง ส่วนฝั่งเหนือที่คนที่สี่ยืนไม้กระดานสักแผ่นก็แทบจะไม่มีบ้านเรือนต่างๆ ต, ตามถนนสองฝากทางที่มากว่าจอล้วนถูกทิ้งร้างไม่มีผู้คนอยู่อาศัยใช้จินเอ่ยขึ้นมาถึงแม่น้ำแล้วก็ยังไม่มีเรือเลยสักลำอย่างนี้จะข้าไปสืบข่าวยังไงได้วะเนี่ยฮะเฮจะให้ดำน้ำไปไงวะเนี่ยฮะ โอ้ยเราไปหาบ้านพักกันก่อนดีกว่าขอรับจางชุนเสนอข้าน้อยจะไว้น้าไปที่เกาะจินซานสังเกตเหตุการณ์เองขอรับช่ยจิ้นเห็นชอบทั้งสี่จึงเดินเลียบไปตามชายน้ำจนมาถึงกระท่อมมุงฟางหลังหนึ่งประตูถูกลั่นดานจากด้านในดันไม่เข้าจางชุนจึงเจอะผนังบ้านที่ทำด้วยดินเป็นช่องแล้วมุดเข้าไปหญิงชาราหัวงอผู้หนึ่งลุกขึ้นมาจากเตาไฟกลางห้อง เอา้าทำไมยายไม่ออกไปเปิดประตูล่ะขอรับเฮ้ก <Hey, S 1> ็พวกเราได้ข่าวฮะพระจกักรพรรดิทรงกองทัพลงมาปราบทางหน้าหมู่บ้านของเราตั้งอยู่บนเส้นทางลงไปทางน้ำพอดิบพอดีชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่ย้ายหนีไปหาที่จอดหมดแล้วพวกเขาทิ้งยายเอาไว้เฝ้าบ้านแล้วลูกชายยายไปอยู่สักที่ไหนล่ะเอา้ามึงรู้ได้ยังไงวะปากูไม่ลูกชาย อ๋อเขาไปอยู่ดูแลลูกเมียในบ้านเจ้าค่ะแม่ใหญ่พูดเพราะฉันเยเว้ยพวกเรามากันสี่คนขอรับอยากจะข้ามน้ำแถวนี้มีเรือสักลาหรือไม่ละ่ะแม่ใหญ่ตอนนี้จะไปหาเรือมาจากไหนกันเพราะได้ยินว่ากองทัพกำลังจะมาลูกเสือนางก็กวาด เ, าเอากระทุก่กรำไปรวมออกไว้ที่หุนทองหมดแล้วเฮ้ย พวกท่านมาช้าเกินไปแล้วบาดท้องเอาของผมไปใช้ได้ยังไงล่ะยายปาดโถ่ไอ้บาด ท, ท้อมันของผมนะยืมก่อนยืมใช้ไปเดีย๋ยวยา้ไม่มีอะไรใช้วะ่ะเออพวกเรามีเสบียงตรังติดมาด้วยหากยายจะให้เราพักอยู่ที่นี่สักสองสามวันเราจะให้เงินพวกเราจะไม่รบกวนยายดอกเฮ้ยไม่มีปัญหาใดๆดอก ทานจะอยู่ก็ได้แต่ยายไม่มีเตียงสักหนังนะไม่เป็นไรเราอยู่กันได้ขอรับยายกลัวแต่ว่าทัพให่จะยกมาถึงไม่ไหวนี่แหละเออจะเป็นไรมีเราก็หนีไปซ่อนซะก็สิ้นเรื่องขอรับจางชุนหันไปเปิดประตูรับเอาใช้จีนกับคนรับใช้อีกสองคนเข้ามาพวกเขาพิงเงาปลดห่อผ้าลงวางเอาเสบียงกลังและก้อนแป้งข้าวสาลีนึออกมาแบ่งสู่กันกิน เสร็จแล้วจางชุนก็ข ว, วนกลับออกไปที่ชายน้ำมองไปข้างหน้าเยื้องไปทางขวาก็เห็นวัดจินซานตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำแย่งสี่เกีียงพอดีเซนาโบดีลูพระสมุหกลาหโหมจะต้องมาที่วัดบ่อยๆเป็นแน่คืนนี้เราเล็ดลอดออกไปสืบเอาความที่นั่นถ้าจะดีกว่าอดีตนายท่าปลารำพึงกับตัวเองว่าแล้วก็กลับไปเล่าความคิดของตนให้ใช้จินฟังช้จินว่าเฮ้ทั้งฝั่งเนี้ย ไม่มีเรือเลยสักลำจะข้าไปสืบข่าวฝั่งกระนวได้ยังไงวะเนี่ยฮะอดีตนายท่าปลาจึงเอ่ยขึ้นว่า อ, อคืนนี้ยข้าน้อยจะเอาเสื้อผ้าห่อเป็นก้อนยัดเงินไปด้วยสักสองแท่งทูนเอาไว้บนหัวแล้วลุยน้ำไปขึ้นเกาะติดสินบนพระสักโรคเพื่อหาข่าวแล้วกลับไปรายงานพี่ใหญ่ท่านรออยู่ที่นี่ก่อนนะขอรับรีบไปรีบกลับละ่ะใช้จิ้นกากับคืนนั้นดาวดาดฟ้าสายลมพัด อ, อ่อน คลื่นลมสงบน้ำกับฟ้าเป็นสีเดียวกันจางชุนเอาเสื้อผ้าห่อเงินสองแท่งม้วนเป็นก้อนเทินไว้บนศีรษะห้อกระบี่คมกริบเอาไว้กับเอลวแล้วลุยน้ำลงไปจากท่าข้ามเมืองขวาโจจางชุนถีบเท้าทยานไปในน้ำน้ำก็เปียกขึ้นมาแค่คอมองไปเราเดินอยู่บนบกก็ไม่ปานพอใกล้จะถึงหาดหน้าวัดก็เห็นเรือน้อยลำหนึ่งจอดหลบมุมอยู่ที่ข้ามโขดหิน ก็ว่ายน้ำเข้าไปใกล้แล้วปีนขึ้นไปวางห่อผ้าถอดเสื้อผ้าที่เปียกโชกออกเช็ดเนื้อชิดตัวให้แห้งเปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าแห้งที่เตรียมมานั่งรอท่าอยู่ในเรือลำนั้นก็ได้ยินเสียงระฆั ง, งเคาะบอกยามสามดังแว่วมาจากทางหลุนโจ ขณะซ่อนตัวอยู่บนเรือก็ใช้สายตากวาดเฝ้าระวังไปรอบๆจางชุนเห็นเรืออีกลำหนึ่งกั้นเชียงเรียบตะลิ่งใกล้เข้ามาภพยซิกแซกชิดตะลิ่งมาเช่นนี้มันต้องไม่มาดีแน่จางชุนรำพึงจึงตัดสินใจจะพายออกไปหาพอถึงตอนนั้นจึงรู้ได้ว่าเรือเพียงแค่ล่ามเชือกเอาไว้ก็จริงแต่ไม่มีไายเลยสักเล่มแค่ทอสักลำก็ไม่มี จึงจำใจเปื้องเสื้อผ้าออกครึ่งหนึ่งดึงกระบี่ออกจนตัวลงน้ำเดินแหวกเข้าหาเรือที่พายใกล้เข้ามาคนแจวสองคนที่ล้อเรือกับหลักคอยจับจ้องมองแต่ฝั่งเหนือจึงมองไม่เห็นจางชุนที่เคลื่อนตัวเข้ามาจากด้านใต้ชับพรันนั้นจางชุนก็พลอยพวดขึ้นเอามือข้างหนึ่งเท้ากราบเรือยันตัวขึ้นจากน้ำตวัดกระบี่ออกไป ผลแจวทั้งสองไม่ไผ่หลุดมือหัวทิพยลงไปในผืนน้ําจางชุนดีดตัวขึ้นไปบนเรือชายอีกสองคนโผล่ออกมาจากประทุนเรือจางชุนเสื้อกลับบีออกไปอีกครั้งชายคนหนึ่งร่วงตกลงไปในน้ําอีกคนควันหนีดีพอหายหลังล้มลงไปในประทุนเรือ <c oughs> จุกเฮ้ยมันเป็นใครวะฮะเรือลําเนี้ยใครเป็นเจ้าของ บอกความจริงมากูจะไว้ชีวิตแค่นะมึงอย่าหลอกกูนะไอ้พวกเนี้ยชอบหลอกกูพราพวกกูบอกแล้วมึงก็ฆ่ากูเออฟังขาน้อยก่อนขอรับข้าน้อยเป็นพ่อบ้านในคุ้มบ้านของท่านเฉินเจี๋ะคุยทุยข้าน้อยเป็นพ่อบ้านในคุ้มบ้านของท่านเฉินกวนโอ้ยลัวสติดอ่างเลยนะมึงที่หมู่บ้านติงฟูนอกเมืงองหยางโจ ข้าน้อยเพิ่งจะกลับน้ําของกํานันไปมอบให้ท่านเสนาบดีหลูที่หลุนโจกท่านรับไปแล้วส่งในกองผู้หนึ่งตามค่ากลับไปเรียกเอาเข้าสารอีกห้าหมื่นถังพร้อมเรืออีกสามร้อยลำเพืพ่อเป็นข่าเข้าส่วนไม่พักในกองทัพท่านหลูขอรับเฮ้ยแล้วไอ้ในกองผู้นั้นชื่ออะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนวะ เขาชื่ออยางกุ้ยมเป็นคนที่ท่านพึ่งล้มไปเมื่อตะกี้นี่แหละขอรับแล้วตัวมึงชื่ออะไรวะเอาของกำนันไปส่วไม่พักษินาลู่เมื่อใดแล้วมึงมีอะไรอยู่บนเรือลำนี้ฮะด้หมจะกันยอยอมยอมยอมแล้วขอรับไว้ชีวิตด้วยเถิดข้าน้อยมีนามว่าบูเซ็งขอรับ พวกเราข้ามน้ําเป็นเมื่อวันที่7เดือนนี้เองท่านตาท่านสายนาบุรีลูทรงตัวข้าน้ยไปเฝ้าพระเจ้าฟางเมาพระราชนุชาเจ้าฟ้าลําดับที่สมมุ่เปิดเบิกธงที่ยวม300ัสาวร้อยผืนและเอกาสารการตั้งของนายท่านนายท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าสว่างกลางข้าหลวงเมืองหยางโจข้าน้อยก้หนังสือของท่านสนาบุดีลูกับเครื่องแบบทหารมาด้วยพันชุดขอรับแล้วนายมึงะมีไพริขนอยู่กี่คน พพะพะพลเดินเท้าหลายพันคนอยู่ทหารมาไม่สักหนึ่งร้อยส่วนบุตรชายสองคนมีฝีมือไม่ธรรมดาชื่อเฉินยี่กับเฉินไทเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการหมดแล้วตามชุนี้ก็แทงอู๋เชงไปครั้งหนึ่งแล้วผลักตกน้ำไปก่อนจะจับกันเชียงโลกกลับไปกวาโจ เมื่อดินเสียงกันเชียงกระทบน้ำช้ยจินรีบออกมาดูก็เห็นจางชุนผ้าเรือมาลำหนึ่งจางชุนเล่าเรื่องที่ได้ประสบมาช้ยจินด้ฝั่งก็ยินดีนักนำตราสารแต่งตั้งและหนังสือของเสนาบดีหลูออกมาจากห้องในประทุนเรือธงตราสังกัดเป็นผ้าไหม่สีแดง300ผืนและชุดทหารสี ต, ต่างกัน 1,000 ชุดแบ่งเป็นสองกองใหญ่ข้าจะกลับไปเอาเสื้อผ้าจางชุนเอ่ย ว่าพางก็กันเชียงเรือข้ามน้ำกลับไปเกาะจินซานเอาเสื้อผ้าผ้าพวกศรีรษะและเงินทั้งสองแท่งคืนตอนกลับมาถึงท่าข้ามฟากที่กวาโจของฟ้าก็ใกล้จะสางเต็มทีสายหมอกหนาอ้อยอิ่งอยู่ทั้งบนดินลามเรียกออกไปปกคลุมผืนน้ำพอกลับถึงกระท่อมก็เอาเงินออกให้แม่เท่าสองสามตำลึงเงินช่วยกันยกห่อผ้าขึ้นแบกบ่บายหน้ากลับอย่างโจ ครานั้นส่งเจียงตั้งทัพอยู่นอกเมืองหยางโจ้รมเมืองชวนกระจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแล้วเรียนเชิญท่งเจียงเข้าไปอาศัยในเรือนรับรองเพื่อรอรับบรรดาผู้มีชื่อเสียงต่างๆที่พากันทยอยมาเยี่ยมคํานับพวกเขาผลัดกันเลี้ยงดูปูเสือส่งเจียงกับกองทัพที่ยกลงมาเส้ะหลายวันพองานเลี้ยงสุดสิ้นชายจิ้นกับหยางชุนก็เข้าพบส่งเจียงที่เรือนรับรองรายงานว่าชันกวนไปสว่ามิพักกับฟางล่า พวกนั้นเตรียมจะนำทัพกบฏข้ามฝาามาตีหยางโจโชคดีที่ข้าน้อยดักพ่อบ้านของมันได้ที่กลางแม่นำ้ำตอนนี้เป็นทีของพี่ใหญ่ที่จะสอนคนแล้วขอรับซ่งเจี้ยยินดีเรียกหูหยงมาร่วมหารือท่านอาจารย์เราควรจะทำอย่างไรในเรื่องนี้ดีขอรับเดินแผนยังไงจึงจะให้ดีที่สุดฮ่ <sewing> าฮ่ฮหากไปเช่นนี้การยึดหลนโจก็เป็นของตาย ง่ายดุดพลิกฝ่ามืออาจารย์ที่ปรึกษาทัพเอ่ยขอแต่กําจัดเฉินกวนซีนให้สิ้นก่อนว่าพรางก็สาธยายแผนการให้ฟังแหมยอดเยี่ยมเลยขอรับท่านอาจารย์ส่งเจียงอุทานว่าพรางก็สั่งเหย็ยนฉิงอัจฉริยะเทพให้ปลอมตัวเป็นในกองเยอะให้เสียเจินกับเสียเป้าแต่งตัวเป็นทหารฝ่ายใต้แล้วสั่งการลงไปเป็นการเฉพาะทั้งสามจากเมืองตรงไปยังหมู่บ้านติงฟู สองพี่น้องเสียแบกห่อของจากยางโจไปได้ราวสี่สิบลี้หรือกว่านั้นพวกเขาก็มาถึงขัา้ารหัดของเฉินกวนบ่าวพรยี่สิบถึงสามสิบคนในชุดพลเรือนอย่างปกติยืนยาเป็นแถวอยู่หน้าประตูเย็ยนชิงทักทายในสำเนียงท้องถิ่นเออนายท่านอยู่บ้านหรือเปล่าละ่ะพวกท่านเอา้าท่านเป็นคนเดินทางมาจากไหนหรือขอรับพวกเขามาจากหลนโจเพราะข้ามปากมาก็เลี้ยวผิดเสียเวลาไปหลายชั่ว ย, ยาม จึงได้มาถึงนี่ขอรับบ่าวไพร่รีบเชิญบรรดาผู้มาเยือนเข้าไปพักในเรือนรับรองบอกให้วางหาบลงแล้วนำเหรียนชิงเข้าไปพบเฉินกวนที่บ้านใหญ่เหียญชิงคำนับข้าน้อยเย่อกุย้ยขอคารวะขอรับเออท่านมาจากไหนเนี่ยเออหากท่านจะไล้คนอื่นๆ อ, ออกไปสักก่อนข้าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังขอรับในที่นี้ล้วนเป็นคนไว้ใจได้ ท่านพูดมาได้เต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจเ อ, อ่อข้ามีน่าว่าเยอะกุยขอรับไปในกองขึ้นสังกัดท่านสมหุหกะลาโหมเมื่อวันที่หยวนที่ห้าขณนะเดียวกันบนเนินเขาเปิ่ยกู้เริมฝั่งน้ำหน้าเมืองหลุนโจทหารยาม ก, ก็มองเห็นเรือทั้งสามร้อยลำในชุดแรกกางใบมุ้งหน้าออกมาจากคุ้งบนสารกระโดงเรือติดธงแดงฝ่ายเจียงหนานสบัสดล้อลมอยู่ไปมาบ่งบอกว่าเป็นกองเรือสเสบียง จึงรีบส่งรายงานขึ้นไปยังนายท่าในทันทีสมุหะพระกลาหหมลู่ตามติดด้วยผู้บัญชา ก, การ12คนผู้กรอบเต็มยศสายธนูดึงเคร่งดาบเลยฝักอยู่ในมือขี่ม้าลงมาที่ชายตลิ่งพาไพร่พลหัวกะทิตามมาด้วยตอนนั้นเรือนหน่วยหน้าทั้งร้อยลำในชุดแรกแล่นมาเกือบจะเทียบตลิ่งอยู่แล้วฝ่ายยามรักษาการมองออกไปบนเรือสองลำแรกก็เห็นได้ว่ามีสองคนเป็นหัวหน้า ห อ, อ, อมล้อมด้วยทหารแต่งเครื่องแบบฝ่ายตัวล้วนรูปร่างกำยำล่ําสันสมุหะพระอารห่มลู่เปลี่ยนม้าลงมานั่งเก้าอี้เงินผู้บัญชาการสิองคนแบ่งออกเป็นสองแถวกระจายกันคุมตลิ่งมู่หงกับลี่จุนร้องทักทายคาระวะเสนาบดีลู่อย่างนอบน้อมในกองทั้งซ้ายและขวาตะโกนสั่งให้เรือหยุดเรือทั้งร้อยลำก็พากันทิ้งสมอเรียงเป็นแถวหน้ากระดานอยู่ริมฝั่งเรือ อ, อีกสองร้อยลำที่เหลือ ได้ล้มเหนือส่งก็ตามลงมาสมทบกับหน่วยหน้าโดยไวร้อยหนึ่งแยกออกเป็นปีกซ้ายอีกร้อยหนึ่งย้ายออกไปเป็นปีกขวาทั้งสามหน่วยเว้นช่องไฟเอาไว้ในระยะเท่าๆกันผู้ตรวจการท่าน้ําก็ตรงไปหาเรือลําที่ลอยลําอยู่ใกล้พวกท่านมาจากไหนฮะเออข้ามีนามว่าเฉนยี่ครับมู่หงเอ๋ยส่วนน้องข้ามีนามว่าเฉนไทยวิดาข้ามีนาว่าเฉนกวนท่านมีคําสั่งให้เราทั้งสอง นำข้าวสารห้าหมื่นถังเรือรบสามร้อยลำและทหารหารอีกห้าพันคนมาเพื่อส่งมอบให้ท่านเสนาบดีลู่ที่กรุณากราบประคมทูลพระราชาให้ขอรับเเมื่อวันก่อนท่านเสนาบดีลู่ส่งในกองเยอไปแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ซะที่ไหนฮะเอในกองเยอะกับปูเชงป่วยเป็นไข้าร า, าษฎร์นอนสมอยู่กับที่จึงมาไม่ได้ขอรับแต่เรานําตราประจําตําแหน่งและสารตราตั้งของบิดามาด้วย ผู้ตรวจการก็รับเอกสารและป้ายประจําตําแหน่งย้อนกลับขึ้นฝั่งมาเสนอเสนาบดีลู่บุตรของฉินกวนแห่งหมู่บ้านติงปูนอกเมืองหยางโจนําเข้าสารและทหารมาสมทบขอรับและนี่คือป้ายประจําตําแหน่งและสารปราตัง้งที่ไต่เท้าส่งไปให้ลู่รับมาตรวจสอบก็เห็นว่าเป็นของแท้จึงออกคําสั่งให้สองพี่น้องขึ้นฝั่งได้ ผู้ตรวจการก็ตะโกนให้นำเฉินยี่กับเฉินไทเข้ามาพบเสนาบดีมู่หงกับลี่จุนขึ้นฟังหัวหน้าอีกยี่สิบคนก็ตามขึ้นมาด้วยท่านเสนาบดีอยู่ที่นี่ทหารองครักษ์ตะคอกคนไม่เกี่ยวห้ามขึ้นเด็ดขาดหัวหน้าทั้งยี่สิบหยุดกึกมู่หงกับลี่จุนถูกยึดแขนไว้ทั้งสองข้างถูกบังคับให้คล่อมตัวอยู่แต่ไกลในอากาศนอบน้อมหลังจากทุกอย่างสงบนิ่งไปพักใหญ่ ผู้ตรวจการก็พาทั้งสองเดินหน้าเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าเสนาบดีลู่เฮตุท่านไหนบิดาเจ้าจึงไม่มาด้วยตนเองลู่ซักเ อ, อ่อบิดาของพวกข้าน้อยได้ยินว่าส่งเจียงผาทัพใหญ่ใกล้เข้ามามู่หงตอบจึงเกรงว่าพวกมันจะสร้างความตื่นตระนกให้ไพร่ฟ้าตามร้ายทางจึงอยู่บ้านเพื่อจัดการเรื่องดังกล่าวขอรับแล้วพวกเจ้าคนไหนเป็นพี่ใหญ่ออข้าน้อยเฉินยี่ขอรับ มู่หงกล่าวแล้วเจ้าสองคนเป็นวิทยายุทธหรือไม่เอ่ยก็ด้วยรัศมีบารมีของใต้เทา้าพวกเราพี่น้องพอได้รับเรียนมาบ้างขอรับแล้วไอ้ขาสาที่เจ้านำมาใส่มายัางไงเรือลำใหญ่บรรทุกได้สามร้อยถังลำเล็กใส่ได้ร้อยถังขอรับถ้าเป็นเช่นนั้นก็เห็นได้ชัดว่านอกจากทรงข้าว พวกเจ้าย่อมต้องมีภารกิจอื่นอีกเป็นแน่ใช่ไหมอพวกเราทั้งพ่อทั้งลูกยึดมั่นในความจงรักภักดีเป็นที่ตัง้งพวกเราไม่กล้ากระทําเรื่องที่ไม่เหมาะสมได้ใดดอกขอรับความตั้งใจของเจ้าอาจไม่มีอะไรแต่ทหารบนเรือเหล่านั้นไม่กลิ่นทำแม่งทำแม่งดูข้าอดจะสงสัยไม่ได้เจ้าสองคนจงรออยู่ที่นี่ก่อน าจะส่งผู้บัญชาการสี่คนคุมทหารร้อยคนขึ้นไปตรวจบนเรือของพวกเจ้าหากมีอะไรไม่ดีงามเจ้าจงระวังตัวให้ดีเฮ้ยถ้าให้คุณเจออะไรไม่ดีนะมึงกลับมาละหัวขาดเฮ้ยพวกเราสวามิภักก็ด้วยหวังว่าใต้เท้าจะช่วงใช้แต่แล้วกลับมาถูกระแวงสงสัยปาด ท, ท้ก่อนที่ลู่จะได้สั่งการอะไรออกไปมาใช้ที่ให้ออกไป้าตระเวนก็เข้ามารงาน ได๋อ๋อนมีพระอรมราชองการถูกอัญเชิญมารอดท่าอยู่ที่หน้าประตูทางทิศใต้พระน้าทันรีบไปรอรับเถิดขอรับสินาบุรีหลูรีบขึ้นมาสามัา่งไพ่พลเฮ้ยพวกเจ้ารักษาชายฝั่งไว้ให้มันอย่าให้ผู้ใดเหยียบตะนิงขึ้นมาได้ก่อนจะหันกลับมาสั่งเฉิญยี่กับเฉิญไท่ตามมากับข้า ลู่ชักมาออกไปข้างหน้ามู่หงรีบรลายตาส่งสัญญาณให้ลี่จุนเรียกหาเหล่าหัวหน้าตามเข้าเมืองไปด้วยยี่สิบนายแต่ยามรักษาการประตูเมืองตะโกนขึ้นว่าเฮ้ท่านสมุหกะลาหงอนุญาตให้เฉพาะสองคนพวกนี้ส่วนผู้อื่นห้ามเขาทั้งสิน้นมู่หงกับลี่จุนได้ผ่านเข้าไปข้างในส่วนหัวหน้าทั้งยี่สิบคนจาต้องรออยู่หน้าประตูเมืองเสนาบดีลู่เข้าประตูเมืองด้านเหนือ ข้าเมืองลงไปต้อนรับทูตแทนพระองค์ที่ประตูทิศใต้ราช ก, กิจอันใดเร่งด่วนถึงขนาดนี้ล่ะขอรับลูทักทูตแทนพระองค์ผู้นั้นคือเฟงสี่สมุห์ะพระราชพิธีในพระเจ้าฝางล่าเขาก้มลงกระซิบด้วยเสียงต่ำๆว่าผูเหมินหญิงขันทีโหราธิบดีพระจําราชาสำนักกลาบ่งคมทูลเมื่อเร็วๆนี้ว่า าการตรวจตราดูฟากฟ้าในยามค่ำคืนพบว่ามดาวอสูรจํานวนมากล่วงเข้ามาในแคว้นบูของเราเขาเพิทูลว่าครึ่งหนึ่งของดาวอาสูรพวกนี้รัศมีสดใสอันเป็นสัญญาณแน่ชัดว่าจะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงพระเจ้าแผ่นดินจึงทรงมีพระบรมราชองการบัญชามาที่ท่านสมหุหะพระกลาโหมให้ป้องกันชายฝั่งแม่น้ำสายนี้ให้เข้มงวดใครก็ตามที่ล่วงลงมาจากทางทิศเหนือ จะต้องถูกไต่สวนทุกคนหากเกินความสงสัยแม้สักน้อยหนึ่งก็ให้ข้าทิ้งซะจะได้ปล่อยเอาไว้โดยเด็ดขาดลู่ตกตะลึงมีคนพวกหนึ่งเพิ่งจะมาถึงซึ่งค้าให้สงสัยนักแล้วตอนนี้ก็มีรับสั่งเข้ามาอีกโปรดเชิญเข้ามาในเมืองอ่านพระบรมราชองการให้ข้าร้อยฟังทีเฟนซีตามหลู่ไปยังศาลาว่าการจังหวัดแล้วอ่านพระบรมราชองการที่นั่นด้วยเสียงอันดัง ก็ตอนนั้นเอง <What? S 1> คนเดินสาย <What? S 1> อีกผู้หนึ่งรีบห่อมาเข้ามาเร่งงานแองออนมีพระดำรัดดวนจากเจ้าฟ้าที่สามที่เมืองซูโจพบัญชาว่าข้าวของที่ท่านว่าเฉินกวนแห่งหยางโจมาขอสวนไม่พักนั้นไม่น่าเชื่อถือเข้าใจว่าเป็นเรื่องแต่งขณะดเดียวกันก็มีประกาศจากโขนหลวงว่ามีดาวอสูรล่วงเข้ามาในแคว้นวูท่านต้องรักษาชายต่ำแม่น้าให้มั่นคง ข้ากำลังส่งคนลงไปช่วยกํากับแม้แต่เจ้าขวาใหญ่เองก็ยังส่งวิตกเสนาบดีหลู่กล่าวพระปรมรารโชงการก็พึ่งมาถึงเดี๋ยวนี้เองว่าพรางหลู่ก็สั่งทัพของตนให้กวดขันรักษาชายน้ําเอาไว้ให้แน่นหนาห้ามไม่ให้ผู้ใดขึ้นมาเหยียบฝั่งแล้วหลู่ก็จัดเลี้ยงทูดทั้งสองในช่วงขณะเดียวกันนั้นสําหรับพร่อลบนเรือทั้งสามร้อยลำแล้วเวลาผ่านไปช้านักแต่ก็ยังไม่มีอะไรกระโตกกระตาก ตอนแรกจางเฮงจางชุนกับหน้าอีก8คนจากกองเรือชุดที่2ที่ทอดสมอเป็นปีกซ้ายก็ขึ้นฝั่งถืออาวุธตามขึ้นไปด้วยแล้วกองเรือชุดที่3อีกร้อคนจากเรืออีกร้อยลำที่ทอดสมอทางปีกขวาก็ถืออาวุธตามขึ้นฝั่งไปบ้างทหารฝ่ายใต้ที่รักษาชายน้ําไม่อาจจะยับยั้งได้รี่ขุยสลาตันดำพร้อมด้วยเซเจิญเสียเป้าก็เดินหน้าเข้าเมืองนายทหารที่ประตูเมืองรีบกระจายกําลังกันสกัด ลีขุยก็เอาขวานทั้งคู่ทั้งจอบทั้งฟันตายไปสองศพตอนที่พี่น้องเสียตะลุยเข้าใส่นั้นเสียงปูดตะวัดดังเครี้ยกราดไปทั่วบริเวณทั้งสองถือถุมวกเหล็กสองหน้าคู่มือโถมเข้าประตูเมืองหลุนโจเมื่อการดังกล่าวเป็นเรื่องเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนจึงเป็นไปไม่ได้ที่ยามจะปิดประตูทันตอนที่ลีขุยควงขวานตะลุยแบบทางเข้าไปฆ่าทุกคนที่ขวางหน้านั้นหัวหน้าทั้งยี่สิคนก็ถูกกันเอาไว้ที่ประตูเมือง เข้าไปในตอนแรกก็โถมเข้าปลดอาวุธยามประตูทั้งสิ้นฝ่าย1ิบสองผู้บัญชาการที่เพิ่งได้รับคำสั่งพปเด็ดขาดจากสมหะพระกลาโหมให้คุ้มกันชายฝั่งพอได้ยินเสียงสู้รบั่วชาขึ้นที่ประตูเมืองก็รีบระดมกำลังเข้าสู้แต่ทว่าในตอนนั้นสื่อจินกับใช้จินก็สั่งทหารทั้งหมดที่อยู่บนดาดฟ้าเรือหน่วยหน้าทั้งสามรอยลำทอดชุดทหารฝ่ายใต้ทิ้งรูกันขึ้นฟัง ส่วนทหารอีกสองหมืนคนที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องเรือก็ประดังกันเข้าสมทบผู้บัญชาการทหารฝ่ายเจียงหนานเซินถังกับปันเหวินเตอรีบพาทหารสองหน่วยรุดเข้าป้องกันประตูเมืองแต่เซินกังถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านตระกูลซื่อซื่อจิงแทงตกหมาตายให้ดักเดือดหวนของจางเหิงก็เสียบทะลุเสีข้างปันฉับพันวิกระสันยีก็ประทุกขึ้นเมื่อผู้บัญชาการที่เหลืออีกสิบคนรีบหนีเข้าไปป้องกันครอบครัวของตัวในหลุนโจ พองมู่หงกับนี่จุนที่เข้าเมืองไปก่อนได้ข่าวก็บุกเข้าไปในโรงเตียมหลังหนึ่งคว้าท่อนฟืนออกมาวางเพลิงตึกหลังนั้นเจ้นาบดีหลูดีดตัวขึ้นหลังมา้ามีสามผู้บัญชาการคุ้มกันตอนนั้นเมืองทั้งเมืองก็เต็มไปได้วยไฟดังจะลาแผ่นฟ้าถล่มลงมาใส่ข้างฝ่ายขวาโจเมื่อเห็นความโกลาหลก็ส่งทหารข้ามน้ํามาช่วยการสู้รบดําเนินไปตามประตูเมืองทั้ง4ี่ทิศแต่บนเชิงเทิน ทงฝ่ายสรงเจี้ยนก็ถูกชูขึ้นโบกสวัยไปหมดแล้วการเข็นฆ่าและความสับสนอลมาททั่วทุกด้านเกินจะบรรยายเรือรบอีกห่ง้าสิลำก็ลอยลำจากฝั่งเหนือมาถึงบรรทุกทหารม้าขึ้นฝั่งมาสมทบอีกสอง0ันคนนำโดยหัวหน้าผูเกราะเต็มพิกัด1ิบคนพอขึ้นมาครบทั้งสองพันคนก็กรูกันเข้าเมือง เสนาบดีลู่พ่ายแพ้ลงอย่างราบคาบกองทัพที่เหลือแตกหนีไปทางตะ บ, บนตันถูกองทัพปราบศึกก็เข้ายึดคลองหลุนโจพวกเขาดับไฟแล้วเข้าควบคุมประตูเมืองทั้งสี่ด้านพากันลงไปต้อนรับท่งเจียงขึ้นจากเรือกองเรือรบเคลื่อนขบวนข้ามฝั่งดังมังกรโต้ขึ้นปลาอานนท์ล่องลื่นแหวกน้ำลอยตามลมมาจนถึงฝั่งใต้หัวหน้าทั้งเล็กทั้งใหญ่คุมกันส่งเจียนเข้าเมือง พอไปถึงก็ออกประกาศรับประกันความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองก่อนเป็นอันดับแรกต่อมาก็เรียกระดมเหล่าทหารมารายงานตัวยังศูนย์กลางกองประชาการเพื่ออ้างเอาบําเหน็จทับในระดับผู้บัญชาการซื่อจินมอบศรีรษะเชิญถังจางเฮงมอบหัวปันเวนเตอ๋อหลิวถัมมอบหัวชนเสอคงหมี่กับคงเหลียงมาพร้อมกับตัวโจวันลี่เสียงจงกับลี่กุลมอบตัวหัวถงห่าวซื่อเวินฆ่าซูถงด้วยหน้าไม้ รวมแล้วฝ่ายเข้าตีหลุนโจสังหารผู้บัญชาการไปสี่คนจับเป็นอีกสองพวกเขาร่วมกับสังหารไพร่ราภพนเลวในทหารและเจ้าพนังกงานอื่นๆไปไม่รู้ว่าจํานวนสักเท่าใหรฝ่ายส่งเจียงเสียหัวหน้าไปสามคนบ้างต้องเกาทันบ้างถูกม้าเหยียบเพราะความวุ่นวายในสนามรบคนทั้งสคือเทพพิทัก์เมคาทรงวานคนไร้น้ําใจเจียวถิงและเต่าก้าวหางเต้าจงวางส่งเจียงให้หดหู่ใจยิ่งนัก S <S> เป็นหรือตายจ้องเกิดแก่คนทุกผู้กูหยงเอ่ยแม้เราจะเสียพี่น้องไปสามคนแต่เราก็สามารถยึดถุนโจจังหวัดแรกใต้ลำน้ำแยงสีเกียงลิดร้อนอุปสรรคร้ายไปได้หนึ่งเฮ็ดฉันไหนต้องไปปรารมทำร้ายสุขภาพของตนไปด้วยเล่าหากคิดจะรับใช้แผ่นดินให้ถึงที่สุดพึงปรึกษาหารือราชการแผ่นดินจะไม่ดีไปกว่าหรือเอ้ย ชื่อของเราหนึ่งร้อยแปดคนล้วนมีจารึกเรียนกันเอาไว้บนแผ่นศิลาพร้อมกับดวงดาวบนฟ้าฟ้าเราต่างสาบานว่าจะอยู่และจะตายไปพร้อมๆกันตอนแรกก็ที่บึงเหลียงซานต่อมาก็บนเขาหู่ไทยใครเลยจะไปคิดว่าพอกลับไปถึงพระนครกองสุนเชงก็แยกตัวไปรพระจักรพรรดิทรงรั้งจินตเจีย้ยนกับหวงฟูตวนสมุหนายกไช มาเอาตัวเสียวรางผู้ประชาการจังหวัดทหารหวางมาเอาตัวแยะโหแล้วมาถึงตอนเนี้ยพวกเราข้ามไปน้ําแยนซีกียงมาได้ก็ต้องเสียพี่น้องไปอีกถึงสามคนถึงสองวานจะไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ข้าน้อยก็ยังจดจําถึงคุณอุปการเขาได้ติดตาติดใจตอนที่เราช่วยกันก่ อ, กอร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นชุมชนที่ยิ่งใหญ่แต่มาในวันนี้โอ๋หนอยายมาด่วนหนีไปยมวโลกเสียเล่า ว่าพรางส่งเจียงก็สั่งการให้ทหารตั้งโต๊ะพิธีเครื่องเส้นลงบนจุดที่ทรงวานเสียชีวิตบนโต๊ะตั้งเครื่องสองเบยกระดาษเงินกระดาษทองทําเป็นแท่งหมูดําแกะขาวตัวเองก็เป็นเอาเล่าเส้นลังราดลงบนดินผู้บัญชาการโจวหวานลี่กับโหถงที่ถูกจับได้ก็ถูกนําตัวมาตัดหัวแล้วเอาเลือดจากศรีรษะทั้งสองปะพร้มลงบนพื้นดินเพื่อเส้นดวงวิญญาณของวิริชนทั้งสาให้บรรเทาความโกรธ หลังจากเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจังหวัดและเทศาลพิบาลตำบลต่างๆในสังกัดจนเสร็จสิ้นแล้วส่งเจียนก็ปูบบนบำเหน็ตทับแล้วเขียนรายงานชัยชนะส่งขึ้นไปยังสมหเทพารพิบาลจ้างเชิญมาตรวจตราสนามรบซากศพตามถนนหนทางก็ถูกจัดเก็บนำออกไปเผานอกตัวเมืองส่วนศพของวิรยชนทั้ง3ก็ถูกนำไปฝังไว้ที่หน้าประตูเมืองหลุนโจทางทิศตะวันออกเสนาบุรีหลูสูญเสียพรายพลของตนไปกึ่งหนึ่ง ถอยหนีไปทางตำบลตันถูพร้อมผู้บัญชาการที่เหลืออีกหกคนไม่มีใครกล้าโผล่หน้าออกมารบแล้วส่งรายงานลงไปทางซูโจวิงวอนให้เจ้าฟ้าที่สามยกทัพขึ้นมาช่วยทางเมืองซูโจก็ส่งกองทัพภายใต้การบัญชาการของขุนพลชิงเจิ้งมาเซนาบดีลู่ออกไปต้อนรับด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณณที่กองบัญชาการรบตำบลตันถูลู่ก็เล่าเท้าความ ถึงเหตุที่ทัพทรงเจียงสามารถเล็ดลอดข้ามแม่น้ําำยางสีเกี่ยเข้ามาได้เพราะใช้ชุดทหารฝ่ายใต้จากทัพของเฉินกวนปลอมมาแต่เมื่อท่านขุนพลมาอยู่ถึงที่นี่แล้วลู่สรุปพวกเราย่อมยึดหล่นโจกลับคืนมาเป็นของเราได้อีกครั้งอย่างแน่นอนชิงเจิ้งตอบว่าตอนที่เจ้าฟ้าสามทรงได้รับรายงานว่ามีบางดวงดาวกําลังลงมารุกรานอาณาจักรของเรา พระองค์ก็บัญชาใจข้าลงมาช่วยใต้เท้าราดตระเวนฝั่งน้ำอีกแรงหนึ่งอยู่แล้วไม่นึกเลยว่าท่านจะเพี้ยงทำได้ไหวพันเฮโอ้ยหลอกด่ากันได้วาปา ท, ท้อแต่ใต้เท้าขอรับด้วยความช่วยเหลือจากท่านข้าจะแก้คืนให้เอง พอวันรุ่งขึ้นขุนพลชิงเจิ้งก็ยกทัพเข้าประชิดหลุนโจขณะเดียวกันที่หลุนโจท่งเจี๊ยว ก, ก็หารือกับบูหยงและส่งถงหวยกับถงเหมิงพร้อมคนหนึ่งร้อยคนไปตามชื่อซิ่วกับหยวนที่เจ็ดที่เกาะเจียวซานแล้วส่งพลห้าพัน 5, คนภายใต้การบัญชาการของเซี่ยหัวหน้ารุกไป ย, ยึดตันถูระหว่างทางที่ทัพยกไปก็เจอะเข้ากับกองทัพของชิงเจิ้งทัพทั้งสองตั้งห่างกันพอพ้นระยะธนูยาวที่สาดเข้าใส่กัน กลรองสึกกระหึ่มกล้องธงทิวสีสันนานาชนิดสะบัดผิวโตลมสิงเจิง้งผลมมาออกมาชี้หอกออกหน้าผู้มีสิทการเทพแห่งเจงหนานอีกหกคนขนานมาจากสองปีกจากกลางทับของฝ่ายส่งวนเชงโบกเงาเซี่ยวจันดามจับจำหลักลายมังกรชักมาเข้าปะทะ ก, กับข้าศึกนักรบทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะ ก, กันภายใต้ม่านอัมหิต อาชาที่ควบคีดีธุลีพุ่งขึ้นจากสิงคลีหลังจากปรักมือกันได้4ี่0ิห้าสิบเพลงบุรุษหนึ่งก็ต้องพัดล่วงลงจากหลังม้าก็จริงดังว่าความหารกล้าของวิรลชนหรือจะพ้นแผนยาบยนตของคุณทหารอาศัยทั้งบ่าวทั้งนายที่พ่ายทัพพวกเขาหมายจะยึดกลับใต้แยงซี คุณทหารที่สู้กันใครฆ่าใครฟังบทถัดไปหากว่าอยากจะรู้จ้องกลัง ตอนที่92ลู่จุนยี้แยกทับไปส่วนโจส่งเจียงรบที่แขวงผีหลิง ถึงง50เพล oh. กวนเชิงก็ตวัดน้า oh. ฟันเอาฉีเจิงตกหมาโ oh. oh, อ, อ้ว่าอนิจาหนอวิรบุรุษแห่งกังหนับชีวิตก็มาคว้ามขมำวับหายไปกับฝัน oh. เมื่อเห็นดังนั้นหูเหวินโจก็ขับไพร่พลเค้ารพผู้บัญชาการทั้ง6ล่าถอยไปทางใต้เสนาบรีลู่ทิ้งตันถูผาทับที่แตกพ่ายหนีไปทางเมืองซางโจวหัวหน้าทั้งสิเข้ายึดตันถูแล้วรายงานให้ทรงเจียงทราบข่าวชัย ส่งเจียงเคลื่อนพลของตนตามลงมาแล้วตั้งค่ายหลังจากบาเหน็จทัพก็รีบส่งคนไปรายงานสมุหเทศาพิบาลจ้างที่บัดนี้ตามมาปักหลักอยู่ที่หลุนโจ วันต่อมากงกับเก่งในทหารเสนาธิการก็นํำของกํานันจากสมหุหะเทสาพิบาลจ้างมาส่งให้ถึงตันถูส่งเจียงแจกจ่ายประดาของเหล่านั้นไปให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายตัวส่งเจียงหารือกับลู่จุนยี่แล้วกล่าวว่าเฮ้ยทาง้ากระนูน้นทหารโจรฝ่ายฟางล่ายึดจังหวัดสวนโจกับภูโจเอาไว้เรามาแบ่งทัพออกเป็นสองสายแยกกันไปตีคนลกองมาจับฉลากดูว่าใครจะได้ไปตีที่ใด ส่งเจียงจับได้ซางโจกับซูโจลู่ดึงได้ซวนโจกับหูโจ้ส่งเจียงก็สั่งให้คุณธรรมชุดเล็กเปิดส่วนจัดแบ่งทับยกเว้นอย่างซื่อที่นอนป่วยอยู่ที่ตันถูคนอื่นๆล้วนแบ่งไปกับทัพทั้งสองเฉพาะในสายส่งเจียงประกอบด้วยขุนพลอาวุโส13าคนผู้ช่วยอีกยี่บเกคนมีไพร่พลสามหมื่นคนในสายลู่จุนยี่มีขุนพลอาวุโสสิบสี่คนขุนพลผู้ช่วยอีกสาสิบสองคนฝ่ายหลังนำโดยจูบู่สายนี้มีทหารสา 0,000 ืคนเช่นกัน นอกนั้นสังกัดกองทัพเรือเป็นสายที่สามข้างฝ่ายถงหวยกับถงเหมิงที่ถูกส่งออกไปเกาะเจียวซานเพื่อตามตัวชื่อซิ่วกับหยวนที่เจ็ดก็กลับมารายงานว่ารายงอนพี่ใหญ่พอไปถึงฝั่งแม่น้ําพวกเขาก็สังหารชาวบ้านยกเรือนยึดเรือเล็กลำหนึ่งแล้วข้ามไปวัดเขาล้อมพอเจ้าอาวาสที่นั่นทราบว่าพวกเขาเป็นพวกกล้าจากเมืองเหลียงซานก็เชิญให้รับประทานอาหารเจใด้วย ต่อมาพบพวกเขาได้ทราบเรื่องของจางชุนก็หันไปรยึดเรือเล็กลาหนึ่งที่เตี้เกาะแห่งนั้นบกไปยึดเมาถังซึ่งเหมาะจะใช้เป็นฐานเข้าตีเมืองเจียงหยินกับไถจังที่ตั้งอยู่เริยงทะเลได้สะดวกพวกเขามีหนังสือมาขอกองทัพเรือไปตีขอรับซ่งเจียงจึงสั่งให้ลีกุลและหัวหน้าฝ่ายทัพเรือทั้งเจ็ดคนพร้อมเรือรบหนึ่งร้อยลำกำลังพลห้าพันคนแยกไปร่วมกับชื่อซิ่วและหยวนที่เจ เรียนท่านผู้ฟังที่เคารพโปรดทราบตอนที่ส่งเจียนแยกทัพออกเป็นสองส่วนที่ตันถูนั้นมีหัวหน้าไม่ถึงร้อยเอาให้แน่แน่ก็คือรวมทั้งตัวเองด้วยก็นับได้99คนแล้วตัวก็ยังต้องแบ่งกองเรือออกเป็นสองสายคือให้เรือลำใหญ่แยกไปตีเมืองท่าทางทะเลที่เจียงหญินและไถจังส่วนเรือเล็กให้เข้าคลองซอยแถวแถวตันถูตามส่งเจียงลงไปตีซางโจ ขณะเดียวกันหลู่ซื่อนางพระสมุหะกะลาหมในสมเด็จพระรามาธิบดีฝางล่าก็อถอนตัวไปยังแขวงผีหลิงในสังกัดจังหวัดซางโจเพื่อใช้เป็นพื้นที่รับศึกผู้ว่าการเมืองซางโจมีนามว่าเฉียนเจิ้นเผิงมีขุนพลในบังคับบัญชาสองคนคนหนึ่งชื่อจินจี้เป็นคนสร้างหัวสังกัดตำบลจินหลิงอีกผู้หนึ่งชื่อสู้ติ่งเป็นคนสนิทของเฉียนแต่เดิมเฉียนเป็นมือปราบสังกัดตำบลฉินซีแต่เขาช่วยฝางล่ายึดหูเมืองต่างๆได้เป็นจำนวนมาก จึงได้รับพระราชทานยศให้มานั่งเมืองซางโจพอเฉียนทราบว่าเสนาบดีหลูพ่ายแพ้สเสียเมืองรุนโจและกำลังถอยมาซางโจจึงพาจินจี้กับซู่ติงเปิดประตูเมืองออกไปต้อนรับพอเข้ามาในเมืองบันเทิงหลูและหาหรือมาตรการต่างๆในอนาคตด้วยความนอบน้อมเฮ้ยกระนาววางใจเถิดขอรับท่านสมุหพระกลาโหมเฉียนเอยถึงข้าน้อยจะไม่มีความสามารถใดๆ แต่พราะบา ร, รมีของพระเจ้าฟังล่าและวาสนาบา ร, รมีอันเกรียงไกรของใต้เท้าข้าน้อยยินดีจะน้อมพลีทุกสิ่งทุกอย่างตอนไอ้ส่งเจียงกับพวกให้เปิดโตัหนีข้ามยงสีเกล็ดกลับไปแล้วก็ยึดหลุนจอคืนมาอย่างเกา่ารับรองว่าไอ้คนถอยพวกเนี้ยจะไม่มีวันชายตาลงมาทําเจียงหนาจนิกแผ่นขาดลูกคลายใจแล้วเอ่ยขึ้นว่าไหนเมื่อใต้เท้ายืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเช่นเนี้แผ่นดินเราก็ไม่มีเหตุผล จะไปกังวลกันอีกแล้วหลังจากไอ้เท้าขับไล่ศัตรูยึดหลุนจอขึ้นมาให้ข้าน้อยได้ข้าน้อยจะเพชรทูลให้พระองค์ทรงปูนบาเหน็จให้ใต้เท้าเป็นที่สูงสูงในวันนั้นลู่ก็จัดเลี้ยงเป็นการตอบแทนเรื่องนั้นเราจะไม่กล่าวให้ยาวความไปอีกครับ การเดินทัพลงมาตีสางโจกับซูโจในเวลานั้นส่งเจียงเดินทัพขนาดใหญ่ลงมาใกล้แขวงผีหลิงทัพหน้าสา0พันคนภายใต้การบัคับบัชาของกวนเชงและหัวหน้าอีกสิบคนพอมาถึงชาญเมืองสางโจก็สั่งให้ไพร่พลโบกธงทิวประโคมคล้องกลองทารก ใจะก้าออกไปขับไล่ศัตรูเศนาบดีหลูตะโกนขึ้น่อยข้าน้อยได้รับใช้เฉียนตอบลงมาจาับหลังม้าศึกพระสมุหะพลาโหมก็สั่งบัญชาการหกคนที่เหลือของตนไปช่วยพวกเขาระดมทัพได้ห้าพันคนแล้วก็เปิดประตูเมืองร้อยสะพานข้ามคูญาติราทับออกไปรับศึกเฉียนถือดาบกระพือวายุ ขี่ม้าสีมนแผงคอหยิกยาสลวยกำกับทับออกมาขวนเชงขยับคอยทับออกไปหน่อยหนึ่งปล่อยให้เฉียนแปรขบวนทับได้โดยสะดวกผู้บัญชาการทั้งหกขนาบข้างทั้งซ้ายขวาขวนเชงดึงม้าหยุดแล้วตะโกนออกไปว่าพวกเจ้าจงฟังข้าไอ้พวกโจรป่าพวกมึงไปช่วยไอ้พวกกบฏตัวหนึ่งที่พราดชีวิต กากวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสวงสวรรค์ให้พี่โรดตอนนี้กองทัพจากราชสนักมาอยู่ที่นี่แล้วแต่แทนที่จะสำเนียดรู้สึงถึงภัยันตรายแต่พวกมึงกลับคิดสู้พวกกูขอสัญญาว่าจะไม่ยอมกลับจนกว่าจะเด็ดชีวิตไอ้พวกตำช้ายอย่าพวกมึงทุกคนให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินซะก่อนเฉียนได้ฟังก็โกรธเฮ้ยมึงก็แค่จดโซร์ปกในเมืองหนึ่งซัน จะไม่รู้การแห่งสวรรค์อะไรมาจากไหนกันวะฮะเฮแทนที่จะพักดีต่อพระราชาทิบาดีที่ชอบทาถูกต้อง mm. มึงกลับไปสำนองไอ้คนปัญญาอ่อนยกทัรมตีราชนาจักรของพวกกูเฮ้ยเฮ้ยกูนี่แหละจะบดขยี้พวกมึงให้แหลกล้านไปทั้งคนทั้งกคราะปาท้อก <Huh? S 1> ุนเชนได้ฟังก็โกรธหวัดแหว่งง้ามังกรคู่รุกเข้าใส่ เสียนกลุ่มดาบกระพือวายุออกครับทั้งสองรบกันขี่คู่จนหน้าบันทึกเอาไว้ในยูทูบหรือวาดภาพเก็บเอาไว้ดูข้าลางบรรยากาศอันหนักหน่วงด้วยรังสีอมตประกายคมอาวุธวาววับยินมย่าเยือกสองมา้าทั้งดิดทั้งบีดร้องสองคนทั้งแทงทั้งปัดป้องดาบปราบวายุวุบวับดังผีพุ่งใต้งาลลายมังกรก็ปลิวว่อนฉชกชวัดผ่านฟ้าแลบแปดกีบตะกุยดินเสียงกริ๋งกระพุ้นตะกายขึ้นไปถึงก้อนเมฆ คมอาวุธชวัดชเวียนบรรยากาศเครียดขมึงเทพอสูรตัวสั่งงนเงินงกไปตามๆกัน <S <S พอผ่านไปได้สาสิบยกเขียนก็ค่อยๆถูกบีบให้ตกเป็นฝ่ายรับสองเทพแห่งกลางหนำเห็นว่าเขียนอ่อนแรงก็ลู่หอกถมก็ใส่กวนเชิงดังคีมบีบก็หากันทั้งสองคือเจ้ายี่กับฟานเฉาสองหัวหน้าฝ่ายซ่งเห็นเขาก็โกรธหนึ่งกุมกระบี่พิคาดอีกหนึ่งกุมกระบี่ข้ออ้อยด้ามประดับพลอยตาเสือ ขี่ม้ายานออกมาทั้งสองคือผู้การห่วงศิลผู้เหยียบสามดอยเดืองกับพันตรีซุลลี่ขุนพลขี้โรคขุนทหารจากสองฝ่ายทั้งหกคนแบ่งออกเป็นสามคู่พันตรูกันอย่างจุดริกในสนามรบ เสนาบดีหลูส่งขุนพลสู้ติงกับขุนพลจินจี้จากในเมืองลงไปช่วยในสนามรบทั้งสองถืออาวุธควบมาเขาใส่เจ้ายี่รบขวงสินฟานชาวเข้ารบสุนลี่ในตอนแรกทั้งสี่ก็คู่ขี่พอกันอยู่แต่พอรบไปได้สักพักเจ้ากับฟานสองนายทหารก็เริ่มได้เปรียบยิ่งมาถึงตอนนี้สู้ติงกับจินจี้ลงสนามมาพร้อมๆกันต่างฝ่ายตาก็ขวัดแหว่งงาของตอนอยู่ไปมา กองทัพฝ่ายซ่องจึงส่งหั่นเถากับไปแหงฉีลงไปรบกลายเป็นจินจี้รบกับหั่นเถาสู้ติงรบกับไปแหงฉีทั้งห้าคู่ก็โรมรันกันอย่างเอาเป็นเอาตายแท้ที่จริงขุนคนจินจี้ตัดสินใจอย่างลับๆจะมาสว่ามิพักกับกองทัพซ้งเจียงอยู่แล้วและคิดจะสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับกองทัพฝ่ายตัวดังนั้นพอรบกันได้ไม่กี่ยกก็ทําทีเป็นแพ้ชักห้ากลับมายังแนวรบฝ่ายตัวหั่นเถาไล่ตาม เมื่อเห็นเช่นนั้นผู้บัญชาการเกาเกลี่ก็เทียบเกาทันขึ้นสายอย่างรวดเร็วนาวคันธนูจนสุดล่าก่อนจะปล่อยลูกดอกออกจากแหล่งปักเข้าที่แก้มของหั่นเถาหัวเขามาตกหลังม้าฉินหมิงกระตุ้นม้าตัวลายกระบองฟันหมาป่าโถมเข้าไปหมายจะแก้ออกมาแต่ผู้บัญชาการทหารฝ่ายใต้จางจินเหรินเห็นซะก่อนก็ชิงปิดชีพฮั่นเถาโดยเอาหอกแทงเข้าที่คอหอย ปเป้งฉีกับหันเถานั้นเป็นผู้บัญชาการทัพคนที่หนึ่งกับที่สองคู่กันสนิทสนมกันกระดุดพี่น้องพอเห็นเหตุการณ์เป็นไปดังนั้นก็โกรธจัดพระจากสู้ติง่งวบม้าตรงเข้าแก้แค้นเอากับเกา่าสู้ติ่งจะไล่แต่ชิ้นหมิงเข้าสกัดเอาไว้เก่าลูกหอกเตรียมพร้อมรับมือแต่ปเป้งฉีไม่ทันระวังตัวก็ถูกหอกจางแทงเข้าที่สีข้างตกจากอานมา้าเมื่อต้องสูญเสียพี่น้องถึงสองคนไปในเวลาไลเ่เลียกัน ววนเชิงก <Net> ็แทบรอจะบุกเข้าไปในส่างโจไม่ไหวรวบรวมกำลังทั้งหมดเท่าที่มีเอางางฝันผู้ว่าการเฉียงตกลงไปกองอยู่กับพื้นขณะกำลังจะถลันเข้าไปจับม้าสีฝุ่นแผงคอหยิกสลวยของผู้ว่าการม้าตัวก็สะดุดหกเมนสลัดเจ้าตัวตกจากหลัง เกากับจางขยับจะเข้าไปจับแต่สู้หนิงสวนซานและห่าวซื่อเหวนควบ ม, ม้าไปถึงก่อนคว้าตัวกวนเชิงพาหนีกลับเข้ามาในรบฝ่ายตัวพอถึงตอนนั้นกองทัพของเซน่าพอดีหลู่ทั้งสิน้นก็ตีประดังกันลงไปในสนาม ร, รบกวนเชิงกับกองทัพฝ่ายซ้องสูญเสียความได้เปรียบก็ถอยกลับขึ้นไปทางเหนือกองทัพฝ่ายใต้ไล่ตามขึ้นไปตีไกล้กว่า20ลี้ก่อนจะเลิกไล่ กวนเชงพร้อมทับพ่ายก็กลับมาแรงงาดทรงเจียงเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ฮั่นเถากับเปงฉีถูกฆ่าตายในที่รบทรงเจียงร่ำไห้ด้วยอะไรรับใครจะไปนึกเพราะครอบแยนสีเกียนมาข้าก็ต้องเสียน้องไปถึงห้าคนนี่ตัวข้าไปทำอะไรให้สวรรค์โกรธตัง้งแต่เมื่อใดหรือสวรรค์จะห้ามม่ให้มาพิชิตเลยเลยิขิตให้ต้องแพ้ เฮ้ยท่านแม่ทับผิดซะแล้วละอรับปู่หยงแยงขึ้นแพ้ชันฮะเป็นเรื่องธรรมดาของการศึกส่วนคนจะเกิดหรือจะตายสุวรรณก็ได้ลิขิตเอาไว้ก่อนแล้วเช่นกันหาใช่เรื่องน่าสนเทศแต่อย่างใดไม่วันนี้สองหัวหน้าฝ่ายเราชะตาถึงคาดเรื่องก็มีอยู่แค่เนี้โปรดอย่าได้ระทมตรมใจไปเลยหันมาใส่ใจกับเรื่องสาคัญของเราจะดีกว่า ลี่ขุยก็มาที่กระจมอาสาขึ้นว่าเฮ้ยท่านพี่ให้คนที่ยังจำจุดที่พี่น้องเราถูกฆ่าพาไปชี้ตัวข้าน้อยจะเป็นคนไปฆ่าไอ้พวกถอยเหล่านั้นล้างแค้นในพวกเขาเองเฮ้วันต่อมาส่งเจียงก็ให้กองทหารของตนหน่วยต่างๆชักธงขาวเป็นการไว้ทุกข์แล้วว่า ข้าจะพาพวกท่านเข้าเมืองด้วยตัวเองวันเนี้จะหายหน้าไพร่กับไปพุ่งจนจันไรให้เห็นดำเห็นแดงกันสัทีแล้วผ่าไพร่ผลทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นม้าเป็นเรือบนดินหรือในน้ําออกเดินหน้าโดยมีลี่ขุยสลาตันดําเป่าสู้เสียงจงและลี่กุลพร้อมด้วยทหารล่บินทั้งห้าร้อยคนเป็นทหารราบหน่วยหน้าเหยียบเข้าไปจนถึงก็แพงเมืองสางโจ<อ>ด้วยเสียใจที่มาสูญเสียผู้ว่าเฉียนไป เสนาบดีหลูทรงพลเดินสามสามชุดถือหนังสือด่วนไล่ตามกันลงไปทูลถวายรายงานเจ้าฟ้าใหญ่ที่สามที่เมืองซูจโจและขอความช่วยเหลือรวมทั้งกราบบุกคลทูลไปถึงพระเจ้าฝั่งล่าด้วยพอมาถึงตอนนี้ครับตัวก็ได้รับรายงานข่าวศึกรายงานทาหารราบกำลังพลห้ารอยคนกำลังงุ่งหน้าตรงมายังเมืองเราทงเขียนไว้ว่าลีกุยสลาดอันดําขอรับ อไอ้บรร น, นอกคนนั้นในบึงเหลืองซานมันทุกทันที่สุดมันเกิดมาฆ่าคนโดยเฉพาะใครผู้ใดจะเข้าไปฆ่ามันฮะเกาเกลี่และจางจินเหรินสองผู้บัญชาการกล้าเทพแห่งกงังหนำก็สืบเท้าออกมาอาพวกท่านจับไอ้ตัวร้ายนั้นได้พระสมุหักกลาหมเอ่ยข้าจะกราบทูลให้พระองค์เลื่อนตำแหน่งและบูนบาเหนลให้ยังจ่งใจทั้งสองยิบหอกขึ้นมา แล้วพาทหารมาและพลเดินเท้าพันคนออกไปรีบขุยี้ขยายแถวทหารของตนออกรับมือส่วนตัวก็ออกมายืนกำ้านขวานสึกคูอยู่เบื้องหน้าด้านข้างเป็นเปาสู้ถือดาบใบกว้างอยู่ในมือเสียงจงกับรีบกุญยุถัดไปกระชับโลดติดเงียบในมือขวาของคนทั้งสองจับแหลนเหล็กเอาไว้มัน่นหัวหน้าทั้งสี่ยืนเรียงแถวหน้ากระดานผูกเกาะเหล็กป้องกันหน้าอกและแผ่นหลัง เกากับจ้างผู้บัญชาการฝ่ายใต้แมวป่าที่แกร่งกล้าเกินเสือโครง่งกาดำที่หันกล้าไล่จิกพญาเหี่ยวก็กระจายทหารทั้งสองพันหลังยันเอาไว้กับกำแพงเมืองแมวมองฝ่ายส่งเจียงบางคนก็จำได้ว่าเกากับจ้างเป็นคนสังหารหั่นเถากับเปงฉีก็พากันชี้ตัวให้สลาตันดำดูเมื่อไม่มีใครขวางรี่ขุย ก, ก็วิ่งข้ามทุ่งตะลุยเข้าใส่ค่าศึเปาสู้รีบหันไปเรียกเสียงจงกับนี่กุนทั้งสองยกล่อบินโบกให้สัญ ญ, ญาณไพรพลบุก แล้วทั้งสี่ก็กระโจนเข้าใส่แนวศัตรูบ้างเก้ากับจางตกใจไม่ทันได้ตั้งตัวก็ชักม้าหนีแต่โลดติดเนี่ยงก็ดันเข้ามาอยู่ใต้จมูกม้าทั้งสองก่อนเก้ากับจางเอาหอกจิ้มใส่แต่โลดก็ปัดการถมแทงให้ฉลัออกไปสลาตันดำได้ทีก็ขวานปวดขาม้าเก่าเจ้าตัวร่วงลงวัดพื้นตามลงไปกับม้าจุ๊บเฮ้ยอย่าข้ามันนกอจับมันไม่เป็นเสียงจงตะโกนบอก แต่รีขุยเป็นนักฆ่าหยุดไม่อยู่ซะแล้ววาดขวานออกไปสับเดียวหัวเก่าก็หลุด เ, นะเป่าสู้ก็ดึงจางลงจากหลังม้าแล้วตัดหัวออกเช่นกันแล้วทั้งสี่ก็ตรงเข้าจัดการกับกองทหารฝ่ายใต้ลี่ขุยเอาหัวเก่าให้เข็มขัดมือสองข้างที่ว่างทั้งซ้ายทั้งขวาก็ขวดขวานคู่ได้ไม่ติดขัดให้คนเดินเท้าและทะหารมาทั้งพันคนก็แตกหนีกลับเข้าเมืองให้ไปที่โอลแมน แต่ตอนนั้นรีข่ขุยสลาตันดำก็ยังฆ่าไปได้ไม่ต่ำกว่าสา0สี่ร้อคนพอถึงสะพานชักข้ามคูเมืองรีข่ขุยกับเปาสู้ใครจะบุกเข้าไปอีกได้เสียงจงกับลีกุลกันเอาไว้จนสุดความสามารถคราวนั้นลูกกระสุนปืนใหญ่ก็โปรยปลายลงมาจากเชิงเทินทั้งสี่จำต้องถอนตัวกลับออกมาพอหันกลับทั้งสี่ก็เห็นทับรอบินทั้งห้าร้อยคนยังยืนจังงังอยู่กับที่ในขบวนแถวนั้น ก่อนที่ทั้งสี่จะผลักออกไปรบความจริงทหารในหน่วยทะลวงฟันทั้งหลายก็ใครจะตามออกไปรบอยู่ดอกแต่ไม่มีผู้ใดกกล้าเข้าใกล้ลีขุยผู้อาบเลือดพะครุงไปด้วยกลิ่นไอแห่งความตายตะลุยไล่ฆ่าไปไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมตอนนั้นส่งเจียงเพิ่งขี่ม้ามาถึงลีขุยกับเปาสู้ก็เสนอหัวบรรดาหัวหน้าที่ตามมาพากันประหลาดใจเอาเฮ้ยเอามาได้ยังไงวะเนี่ยฮะพวกเขาถาม เราส่องหารข้าศึกไปเป็นจำนวนมากและก็คิดจะจับเป็นคนทั้งสองนี้แต่พอดีมือมันเกิดคันคุมไม่อยู่ก็เลยฆ่าไปทั้งคู่เลยขอรับส้งจิงเอ่ยขึ้นว่าเออเมื่อเราได้หัวของไอรร้ขาตกรา่าหันเถากับเพลงฉีมาแล้วเราที่อยู่ใต้ทงขาวไวท้ทุก็พอจะเงยหน้าขึ้นดูฟ้าเส้นหัวคูน่นี้ให้คนทั้งสองได้แล้ว พ่อเอ๋ยเสร็จก็รําให้ออกมาอย่างขมขื่นสั่งให้ปลดธงขาวหูนบำเหน็จให้หัวหน้าหน่วยทะลวงทั้งสี่แล้วนำทัพทั้งปวงเข้าไปเหยียบคูเมืองซางโจภายในเมืองเสนาบดีหลูตื่นตะนกเป็นที่ยิ่งหารือกับขุนพลจินจี้สู้ติ่งและอีกสี่ผู้บัญชาการฝ่ายใต้ที่เหลือถึงวิธีการที่จะผลักดันส่งเจียงให้กลับไป คนเหล่านั้นเห็นฝีมือรีดขุยตีตะลุยฆ่าฟันผู้คนแบบเดียวเดียวเช่นนั้นก็ให้เสียสยองไปทั้งร่างไม่มีผู้ใดกล้าออกรบสมุหะพระกลาโหมถามหาคนอาสาแต่คนเหล่านั้นก็พากันเงียบกริบดังหานป่าต้องลูกเกาทันเย็บปากป่าถูกเบ็ดเกี่ยวเงือกไม่มีผู้ใดกล้าเอะอะอะไรสักคําเสนาบดีลูจมอยู่ในกองทุกได้แต่ส่งทหารขึ้นรักษาบนเชิงเทิน ทับทรงเจียงล้อมเมืองเอาไว้มั่นโบกธงทิวตีกลองร้องท้าพอไม่ทับในกองกระจายกันไปรักษาบนกำแพงเมืองหมดแล้วลูกก็นั่งจมจ่อมครุ่นคิดอยู่แต่เพียงผู้เดียวในกองประชาการแต่ยังไงยังไงก็คิดไม่ออกในที่สุดก็เรียกคนใกล้ชิดเข้ามาหาความปรารถนาของคนทั้งหมดเหล่านั้นคือหนีเรื่องนี้เราจะไม่พูดถึงอีกขณะเดียวกันจินจี้กลับบ้านไปหาเรือกับนางกล้วยไม้หยกผู้เมียว่า เฮ้ยส่งเจียงล้อมเมืองเอาไว้ทั้งสามด้านตอนนี้สังเจวกำลังขาดแคลนข้าวปลาอาหารคงจะรักษามเมืองเอาไว้ได้ไม่นานหรอกทันทีที่พวกมันบุกเข้ามาได้เราทั้งหมดก็จะถูกฆ่าตายกลายเป็นผีเอา้าท่านพี่ตัวท่านพี่ก็พักดีต่อองค์พระจักรพรรดิและต้องการจะยอมแพ้อยู่แล้วไม่ใช่หรือตอนเป็นคุนนางในแผ่นดินซ่งน่ะราชสานักก็ปฏิบัติต่อท่านพี่ด้วยดีเสมอมา ก็ในเมื่อท่านพี่ยินดีจะละทิ้งทางชั่วร้ายหันคืนสู่ทํานองครองธรรมเหตุฉะไหนไม่จับเสนาบดีหลูไปมอบไปส่งจียนเสเลยล่ะทำเช่นนี้มันก็เป็นใบเบิกทางที่ดีไม่น้อยเลยนะเจ้าคะสมุหะพระกลาโหมยังมีผู้บัญชาการใต้สังกัดอยู่อีกถึงสี่คนแต่ละคนก็มีเพล่พลอีกมากพี่เองก็ไม่ค่อยจะกินเส้นกับไอเตียสูตรติ่งคนนั้นอีกทั้งมันก็เป็นคนสนิทที่เสนาบดีหลูไว้วางใจมากที่สุด ได้เส้นเดียวฟันเชือกไม่ได้ฉันใดมือข้างเดียวก็ปรบไม่ดังฉันนั้น <c oughs> พี่กลัวแต่ว่าจะทำไปไม่สำเร็จการก็จะถึงซึ่งวิบัตสถ้าเป็นชิ้นนั้นนะ่ะนะอาเฮียก็เขียนสารลับใส่กระดาษผูกติดลูกเกาทันคืนนี้นะพี่ก็ออกไปนอกกำแพงเมืองเพื่อให้ทรงเจียงรู้ว่าท่านพี่คิดเช่นไรหากจะประสานกันจากในไปนอกเช่นนี้เขาก็จะยึดสางโจได้โดยง่ายพรุ่งนี้อาเฮียยกทัพออกไปแต่เช้า แล้วทำทีเป็นแพ้กลับมาปล่อยให้ทหารส่งเจียงไล่ตามเข้ามาในเมืองท่านพี่ก็จะได้ความดีความชอบนะเจ้าคะไม่ช่างฉลาดดีแท้มีพี่ที่รักวะจุกทีไมชื่นใจพี่จะทาตามที่เจ้าบอกนะดีแล้วหละท่านพี่ พอวันรุ่งขึ้นซ่งเจียงก็เข้าตีเมืองอีกเสนาบดีลู่เรียกบรรดาขุนพลเข้ามาหารือจินจี้กาเอ่ยขึ้นว่าเออสังโจปิ้นเมืองอยู่ที่สูงง่ายแก่การป้องกันแต่ยากในการเข้าตีเราควรจะอดทนรับมือต่อไปก่อนรอความช่วยเหลือจากซูโจแล้วค่อยรวมกําลังกันออกที่สมุหพระก็ลาโห่มเห็นด้วยสั่งให้หญิงหมิงกับเจ้ายี่คุมประตูทางด้านทิศตะวันออกเชนเปี้ยนกับฟานเฉา คุมประตูเมืองทิศเหนือจินจี้คุมประตูเมืองทางตะวันตกและสู้ติ่งคุมประตูเมืองทิศใต้ส่วนบรรดาแม่ทัพในกองที่เหลือก็ประจำการตามหน้าที่เก่าคืนนั้นจินจี้ก็เขียนหนังสือรับคู่เข้ากับดอกเกาทันพอดึกสงัดก็ยิงเกาทันออกจากกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกในทาหารที่เข้าเวรรับหนังสือไปมอบให้หลงจีลู่หลังลายกับทัตุดงบูสงผู้บัญชาการค่ายทิศตะวันตกทั้งสองมอบให้ตู้สิ่งเร่งนําไปส่งยังค่ายใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนั้นส่งเจียงกับปุ่ยงหารือกันใต้แสงเทียนในกระโจมรชาการหลังใหญ่ส่งเจียงรับหนังสือไปอ่านด้วยความดีใจแล้วรีบถ่ายทอดเนื้อหาในหนังสือไปให้ค่ายทั้งสามรับรู้ในทันทีวันรุ่งขึ้นทั้งสามทัพ ก็พากันตีประดังเข้าไปทั้ง3าทิศเสนาโบเดลูขึ้นไปอยู่บนหอบัญชาการบนกำแพงเมืองก็ได้ยินเสียงระเบิดปานฟ้าถล่มดังมาจากทางค่ายทรงเจียมลูกไฟจากปืนใหญ่ลูกหนึ่งก็พุ่งเข้ากระแทกมุมของหอเศษไม้เศษอิฐเศษหินกระจัดกระจายหอบัญชาการพังลงครึ่งหนึ่งลู่อกสันขวัญหายรีบลงจากเชิงเทินแล้วเคี้ยวเข็นแม่ทัพในกองที่รักษากำแพงทั้ง4ีด้านให้ออกจากเมืองไปขับไล่ฆาตศึกกรองศึกคำรามขึ้น3มยก ประตูเมืองก็เปิดอ้าสพานหกถูกโรยเชนเปี้ยนกับฟานเชาพาไ พ, พร่พลโพรออกมาจากประตูด้านทิศเหนือวนเชงขุนพลเ้าใหญ่ก็ขี่ม้าสึกสิเงนของผู้ว่าเฉียนแผงคอยกิกยาวเข้ารับมือขณะ ก, กำลังเข้ารบกับฟานเชาขุนพลจินจี้กับทหารก็โพรออกมาทารบซะก่อนซุนลี่ชักม้าออกไปสู้กับจินจี้พอรบกันได้สามเพลงจินจี้ก็ทำทีเป็นแพ้ หันหน้ากลับแล้วหนีสุนลี่ไล่กวนหัวหน้าอีก9้าคนก็ครูตามไปติดๆจินจีน้หนีเข้าเมืองได้พวกหัวหน้าที่ไล่ตามไปก็ยึดประตูเมืองทางทิศตะวันตกเอาไว้ได้เช่นกันข่าวที่ว่าทหารซ่งเจียงกําลังหลังไหลเข้าเมืองทําให้สางโจตกอยู่ในความกลัวละหุโอะมานฝั่งล่าปกครองสางโจได้กดขี่บีธาชาวประชาจึงพากันเกลียดชังอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงพากันออกมาช่วยฝ่ายส่งกันอย่างเต็มกําลังครานั้นธงของฝ่ายส่งเจียงก็บกสะบัดขึ้นบนกระแพงทั้งสีด้านฟานเชากับเชนเปี้ยนพอเห็นว่าสถานาการณ์กลับตรบัดเช่นนั้นก็รีบกลับเข้ามาคุ้มครองครอบครัวของตนในเมืองแต่ถูกเสือเตียวหวางกับนางกระบี่เหล็กสิทธเสี้ยจู่ออกมาจากทางซ้ายจับฟานเชาเอาไว้มัน่นส่วนเชนเปี้ยนก็ถูกส่วนซานกับหาวซึ่อหวนที่จู่ออกมาทางขวาเอาหอกตีตกหลังมา้า ให้พลเดินเท้าจับมัดบัดนั้นกองทัพทั้งหมดภายใต้บัญชาการของส่งเจียงและบูหยงก็โถมเข้าไปในตัวเมืองออกค้นหาทหารฝ่ายใต้เอามาฆ่าไปเป็นจำนวนมากเศนาบดีหลูกับสู้ติงหนีออกจากเมืองทางประตูทิศใต้อย่างสิ้นสภาพทหารส่งเจียงที่ไล่ตามกวดไปไม่ทันก็พากันกลับขณะรอคาสั่งใหม่ ทัพทั้งหมดก็พูดคุยกันถึงบำเหน็ตที่พวกตนจะได้รับเจ้าหี่ที่หนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่กับชาวบ้านก็ถูกเจ้าบ้านคุมตัวมาส่งหญิงหมิงถูกฆ่าตายในที่รบแล้วนำหัวมาเป็นเครื่องพิสูจน์พอเข้าเมืองส่งเจียงก็ออกประกาศให้รัษดร อ, อยู่ในความสงบรัษดรเหล่านั้นพากันอุ้มลูกจูงหลานพยุงผู้เท่าผู้แกมาออกกันที่หน้าสาราว่าการเพื่อแสดงความขอบคุณ ส่งเจียงปลอบประโลมโอภาปลาใัยด้วยนอบน้อมและรับปากจะถือพวกเขาเป็นพลเมืองดียึดมั่นในตัวบทกฎหมายบรรดาหัวหน้าก็พากันมาอ้างเอาความดีความชอบตอนที่จินจี้เข้ามาคาราวะทรงเจียงรีบลงจากยกพื้นรับไหว้ด้วยตนเองแล้วเชิญเข้าไปในห้องโถงจินจี้รีบซุดตัวลงบนเข่าที่ตีนกระไดก่อนจะกล่าวเป็นการรู้คุณและว่าการที่ตนกลับมาสวามิภักดิ์ขอเป็นขุนานางที่ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินทรงอีกครั้ง ล้วนเป็นเพราะภัญญาของตนโดยแท้ปรับมีเมียดีเป็นสีแก่บ้านครับเมียฉลาดชาติเจริญจำไว้ต้องรักเมียยิ่งกว่ารักใครนะครับพี่น้องส่งเจียงสั่งให้ขังฟานเฉาเชนเปี้ยนและเจ้ายี่เอาไว้ในเกวียนแล้วคุมตัวไปส่งสมุหเทาภิบาลจ้างที่เมืองหลุนโจพรางเขีนหนังสือปากหน้าเอกสารให้จินจี้ถือกากับไปพร้อมกันนั้นก็สั่งให้ใต้จงเทพท่องทาง ถือหนังสือส่วนตัวรับรองจินจี้ล่วงหน้าไปก่อนขอให้ช่วยรับเอาไว้ในกองทับส่งในหนังสือส่งเจียงสนรเสริญความจงรักภักดีของจินจี้อย่างเลิ่ลอยจนกระทั่งตอนไปถึงส ม, มุหะเทสามพิบาลจ้างต้องออกมาให้การต้อนรับพอเห็นเข้าก็ประทับใจยิ่งนักจึงมอบเงินทองผ้าไหมม้าฝีเท้าดีและเอาสุราพิธีให้ดื่ม ลิวกวงสือรองผู้บัญชา ก, การเขต จ, จังหวัดทหารก็แต่งตั้งให้จินจี้เป็นผู้บัญชา ก, การในกองทัพปราบศึกต่อมาตอนยกไปปราบตาตา้าทองภายใต้การนำของเจ้าฟ้าหวู่ชูที่4จินจี้สร้างคุณงามความดีในสนามรบหลายครั้งจนในที่สุดก็เป็นถึงแม่ทัพบับงคับบัญชากองทหารของฝ่ายตนแล้วไปเสียชีวิตในการรบที่จงซานย้อนกลับมาที่หลุนโจก่อนครับหลังจากปูนบาเร็จให้จินจี้แล้ว จางกับหลิวก็สั่งให้นําตัวผู้บัญชาการทหารฝ่ายกบฏ ท, ทั้งสามไปประหารชีวิตทําลายศพทิ้งเก็บหัวไว้ห้อยประจานนอกจากนี้ก็ส่งของไปกํานันทัพส่งเจียงเป็นอันมากหลังจากตั้งทัพมั่นลงที่ส่างโจเรียบร้อยแล้วส่งเจียงก็ส่งใต้จงไปฟังข่าวข้างทัพลู่จุนยี่ที่ไปตีส่วนโจและหูโจขณะเดียวกันม้าเร็วก็เข้ามารายงานไรเงอนเสนา บ, บดีหลูขณะนี้ ถอหนีไปอยู่ที่เมืองบูซีแต่พอรวมกับทัพที่ยกขึ้นมาช่วยจากซูโจก็พากันย้อนกลับมาทางนี้อีกแล้วขอรับซ่งเจียงเรียกหัวหน้าหน่วยทหารราบและทะหารม้าสิบคนสั่งให้นำทหารลงไปรับศึกด้วยหนึ่งมืนคนกวนเชงนําพี่น้องอีกเก้าคนกล่าวอําลาท่งเจียงยกออกจากเมืองไ ป, ไป ใต้จงพาใช้จิ้นกลับมารายงานทรงเจียงพใยัยขุนพลลู่จุนยี่ยึดส่วนโจได้แล้วขอรับท่านส่งท่านชายใช้จิ้นมารายงานในรายละเอียดทรงเจียงได้ฝังก็ดีใจนักเอาสุราออกมาต้อนรับใช้จิ้นและพาเข้าไปในห้องถงด้านหลังใช้จิ้นเอานังสือรายงานสภาพการรบโดยละเอียดส่งให้แล้วว่าเจียยูฉิงขุนพลผู้บัญชาการป้อมค่ายสวนโจของฝั่งล่ามีผู้บัญชาการขึ้น6กคนในสำกัร ทั้งหมดเป็นคนสอโจกับมู่โจเจีย <Yeah. S 1> ทรงคนเหล่านี้พร้อมทหารยกทัพออกมาสามกองหัวหน้าฝ่ายเราเข้ารบตัวต่อตั ว, ตวกับผู้บัญชาการของพวกเขาแล้วข้าไปสี่คนในสนามรบข้าศึกแตกกลับไปในส่วนโจท่านลู่จุนยี่สั่งให้ล้อมตีจนสุดฤทธิ์แต่พอเราเข้าประชิดตีกกำแพงทหารข้าศึกก็เอาก้อนหินทุบลงมาถูกหัวหน้าฝ่ายเราตายไปนคนหนึ่งเก้ทาทันของข้าศึกก็สาดลงมาปานสายฝน หัวลูกสรล้วนอาบยาพิษหัวหน้าอีกสองคนของฝ่ายเราถูกยิงพอหามกลับมาค่ายก็ตายกลางทางไปทั้งคู่ท่านขุนพลลูกโกรนใหญ่สั่งโจมตีไปตลอดทั้งคืนประตูทางตะวันออกป้องกันไม่ค่อยดีนะักเราจึงยึดส่วนโจได้ระหว่างนั้นก็ฆ่าขุนพลคนที่ห้าของฝ่ายมันคือขุนพลเจียผู้เป็ชกการอีกคนพาทหารอื่นๆที่เหลือล่าถอยไปทางเมืองหูโจส่วนเสงสนสู้ ผู้เผชิการคนที่หกหนีไปได้ไม่ทราบว่าไปที่ไหนผู้ที่ถูกหินตายคือแจงเทียนโชสุภาพบุรุษอ้ารอส่วนที่ต้องธนูอาบยาพิษคือเกาเจิ้งมือชำาะมันและไอ้คล่องหวางติ่งเริ้วพอได้ยินว่าตัวต้องเสียน้องไปอีกสามคนส่งเจียนก็ร่ำให้อย่างบ้าคั่งกระทั่งล้มสลบตัวเหลืองริมฟิปากดำคล้ำเป็นสีม่วง เล็บมือเล็บเท้าห่อเลือดจนเกือบเป็นสีดำในตาไร้แววไม่อาจบอกได้ว่าอวัยวะทั้งห้าอยู but, ่ในสภาพใดแต่ทว่าแขนขาทั้งสี่นั้นเป็นอัมพาตไปสิ้นตายแล้วมังทรงเชียงคราวนี้ก็จริงดังว่าอันว่าไม้พรีดอกออกช่อมารอลมเป่าแล้วจะไปรอจันเจ้าให้แหวกม่านฟ้าออกมาอวดโฉมได้อย่างไรกัน ส่งเจียงจะฟื้นตื่นจากสลบได้หรือไม่ฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ สองกังตอนที่เกสบสาลี่จุนสาบานเป็นพี่น้องในทะเลสาบส่งเจียงมรจบทัพเรือที่นครสู่โจต้องปลุกปล้ำกันเป็นนาน กว่าที่บรรดาหัวหน้าจะดึงส่งเจียงให้ฟื้นขึ้นมาได้ในที่สุดพอพูดได้ส่งเจียงก็เอ่ยกับปูหยงว่าเอ้ยเราคงจะเอาชนะฟางล่าไม่ได้แล้วละอรับท่านอาจารย์ตั้งแต่เราข้ามแม่น้ำมาก็ให้โชคร้ายมาตลอดสูญเสียพี่น้องไปทีละคนทีละคนจนวัดนี้ก็แปดเข้าไปแล้ว ท่านพูดเช่นเนี้ยมิจะทำให้ไพรพลเสียขวัญที่ปรึกษาทัพเอ่ยหลังปรับเหลียวตาตาที่เรากลับเมืองหลวงมาได้โดยไม่มีผูดด้ใดเป็นอันตรายนั้นก็เพราะเจตนาของฟ้าเบื้องบนโดยแท้แต่มาตอนนี้ชะตาพี่น้องของเราบางคนถึงขาดเราจึงเสียพวกเขาไปแต่เราก็ยึดจังหวัดใหญ่กลับมาได้ถึงสามแห่งทั้งหลุนโจซางโจและสวนโจ นั่นก็เป็นเพราะรัศมีแห่งบา ร, รมีของพระจกักรพรรดิแล้วก็ชื่อเสียงอิทธิคุณของตัวท่านเป็นสำคัญแล้วเช่นเนี้ยมีอันใดจะเรียกได้ว่าโชคร้ายท่านไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องไปท้อที่ท่านอาจารย์กรุณากล่าวมานั้นถูกต้องแล้วขอรับข้าคิดว่าตัว่าถ้าจะไปยึดติดอยู่กับตัวเลขร้อยแปดการเป็นวิ ญ, ญญาณดาวและจารึกบนแผ่นศิลามากไปเสแล้วแต่ถึงอย่างไร พวกเราก็เปรียบเสมือนคนคนเดียวกันนะขอรับวันนี้ข้าจึงอดไม่ได้ที่จะเสียใจเฮ้ยโรดอย่าได้ทำร้ายตัวเองไปเลยท่านแม่ทัพพึ่งถนอมร่างกายมีสมาธิมั่นเอาไว้วางหมากกนเพื่อการรุกตีวูสีจะดีกว่าไหมเออข้าน้อยจะเก็บท่านชายใช้จิ้นเอาไว้กับตัว ส่งท่านใต้จงไอ้บอกแม่ทับลูกให้ตีหูโจให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วไปปนจบทับกันที่หางโจวูยงให้เปิดส่วนเขียนหนังสือแล้วให้ใต้จงถือไปส่วนโจเรื่องนั้นเราจะไม่กล่าวอีกครับขณะเดียวกัน ตอนที่เสนาบดีหลูกับสู้ติงหนีไปวูซีก็พบเข้ากับทัพหนุนที่เจ้าฟ้าใหญ่ที่สามประธานมาให้จากซูโจกองทัพหน่วยนี้ประกอบด้วยขุนทหารกว่า1ิบคนไร่พลอีกหนึ่งมืนนำโดยขุพนพลบ่ยจงทัพทั้งสองตกลงจะสนธิกำลังกันเตรียมป้องกันวูซีสมุหะพระกลาหวมก็เล่าเรื่องที่จินจีเอาซางโจไปกำนันข้าศึกเฮ้ยอย่าเป็นกังวลไปเลยทา่านศนาบดี คุณพลวยจงกล่าวเราจะทวงคืนมามอบให้ใต่เท้าเองไอ้ส่งเจียงมันจะอะไรนักหนาววะฮะปา ท, ท้ททันใดนั้นแมวมองก็เข้ามารายงานารายงานกองทัพส่งเจียงใกล้ที่นี่เข้ามาแล้วรีบเตรียมตัวเถิดขอรับว<อ>ยจงขึ้นมาพาทหารออกไปรับศึกทางประตูเมืองทิศเหนือ แล่พอเห็นกำลังของกองทัพส่งพร้อมกับรีขุยสลาตันดำตามด้วยเป่าสู้เสียงจงและลีกุลบุกตรงเข้าใส่ก็รู้ในทันทีนั้นว่าเหลือฝ่ากว่าแรงที่ทัพตนจะทนรับไหวจึงถอยกลับอย่างกละหนราวกับว่าถูกตีมาจริงๆขณะถอยหนีเข้าเมืองอย่างรีบเร่งหัวหน้าฝ่ายส่งเจียงทั้งสี่คนดังกล่าวก็รู้ตามเข้าเมืองมาติดๆเสนาบดีหลูตเตลิดทะลุประตูเมืองเบื้องทิศใต้ออกไป กวนเชงกับทัพทั้งหมดก็ยึดบูซีได้โดยง่ายเมืองทั้งเมืองตกอยู่ใต้กองไฟขุนพลวัยจงกับสู้ติ่งก็ออกทางประตูทิศใต้หนีกลับไปซูโจกวนเชงรีบรายงานข่าวชัยชนะให้ส่งเจียงทราบส่งเจียงพาหัวหน้าทั้งหมดตามลงมาสมทบมีใบบอกรับประกันกับชาวเมืองยกให้ว่าทุกคนเป็นพลเมืองดีองทัพตั้งมั่นอยู่ในตัวเมืองแล้วดีกาขึ้นไปขอให้สมะเทสพิบาลจ้างกับรองผู้บระชาการเขตทหารหลิว ลงมารักษเา ส, าสนาบุดีลูพร้อมด้วยเวยจงและสู้ติงพาทัพที่แตกพ่ายกลับนครซูโจเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าฟ้าสามเพชรทูลว่ากองทัพทรงเจียนกล้าแข็งนักพวกตนไม่อาจรักษาบูดเสียเอาไว้ได้ ด้วยกิวเจ้าฟ้าฟังเามาจึงบัญชาให้องคารักเอาตัวเสนาบดีลูล่ไปประหารเฮ้ยผู้บัญชอการฝ่ายส่องเจี้ยงล้วนไปในทหารชำนาญศึกกล้าหารชาญสนามเป็นยิ่งนักเวยจงเอ่ยไพรพลก็ล้วนไปจนไพยใจฉกาดแห่งเบื้องเหลรินซานประสบการ์ฉชั้นยอดพวกมันยากที่จะเอาชนะจริงๆนะพะยะค่ะเฮ้ยด้กูให้ออกไปรบเกงเลยจะได้รู้ เข hey, ้าจะล้างดาบจะขอให้เจ้าไว้พักหนึ่งก่อนเจ้าฟ้าฝ่ า, างเมาตรัสแก่สมหะพระลาโหมเจ้าเอาทหารไปอีกห้าพันแล้วออกหน้าเป็นกองตระเวนข้าจะพาขุนพลคนอื่นๆตามไปสมทบแล้วค่อยวางแผนกันทีหลังอฮ้ย hey, <Hey, S 2> ไม่ได้เรื่องได้เราเสนาบดีลูกมำลงคำนับเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผู้เกราะเต็มยศ หยิบหอกอสรพิษยาวสิบแปดเสียมาถือขึ้นมา้าแล้วพาไพ่พนออกจากเมืองเ<ไ>จ้าฟ้าฟางเมารวบรวมขุนพลแปดคนแต่ละคนสูงใหญ่ชำนาญในการใช้อาวุธตัวพระองค์เองทรงพระแสงหอกเซียวจันทร์ทรงม้าออกศึกขุนพลทั้งแปดนำหน้า ตามมาด้วยผู้บัญชาการอีก32สองคนพาไพร่ราบพลเลวลอดประตูจางโฮออกไปด้วยห้า0มืเศนาบดีลู่พร้อมด้วยเวยจงกับสู้ติ่งที่เป็นหน่วยล่วงหน้าก็เดินผ่านหน้าวัดผายะเย็ยบเข้าประชิดบูซีพอได้รับรายงานจากแมวมองส่งเจียงก็พาทัพใหญ่ภายใต้บัญชาการของขุนศึกหลายนายเคลื่อนออกไปรับศึกห่างจากเมืองไม่มีตีบุกราวสิบลี้อพอสอทัพเห็นกันก็แปรขบวนตั้งค่ายกวนขึ้น เสนาบดีหลูถือห อ, อกควบม้าออกมาทารบด้วยกราดเกลียวส่งเจียงยืนม้าอยู่ใต้ร่มธงของฝ่ายตนผินหน้าไปถามขึ้นว่าเอา้าผู้ใดจะออกไปจับไอ้คนชั้นต่ำพวกนั้นมาให้พี่บัดเดี๋ยวนั้นก่อนคําพูดจะทันสุดปากสู้หนิงครูพลห อ, อกเหล็ก<อ>ก็ควบม้าพร้อมห อ, อกทองออกรบทั้งสองรบกันไปได้กว่ายี่สิเพลงข้ามกลางเสียงตะโกนโห่ร้องของสองทัพหลูพยายามหลอกแต่สู้ก็เสียบเข้าให้ที่ชายโครง S <S <S พระสมุหกะลาโหมตกลงไปตายอยู่กับพื้นสองทัพกูตะโกน ล, ลี่ขุยสละาตันดำควัดแกว่งขวานเอาสู้ยมทูตจากโลกันกลายดาบใหญ่ทั้งศินจงกับลีกุลบุญโลดติดเงี้ยงไปจักพันพากันลุยข้ามทุง่งบรรดาทหารฝ่ายใต้ใหเห็นก็อลหมานกันไปทั่ว ครานั้นทัพฝ่ายส่งก็ประจัญกับทัพหลวงของเจ้าฟ้าฟางเมาขณะแปรขบวนรพก็สกดกันเอาไว้ด้วยหาเก่าทันแปดขุนพลฝ่ายใต้กระจายออกเป็นแถวฝ่ายเจ้าฟ้าฟางเมาเมื่อทรงรู้ว่าพระสมุหกะลาหมฝ่ายตนถูกฆ่าก็ทรงกลิ้วขยับม้าออกเอาหอกขวางอานม้าคนด่าทรงเจียม Hey, พวกมึงมันแค่ไอ้จนกระจอกจากบึงเหลียญซันราชสนักสรงที่กำลังจะถึงการวิบัติจึงแต่งตั้งมึงให้เป็นแม่ทัพหน้ายกทัพมรุกรานแผ่นดินวูของพวกกูกูจะขอสัญญา ว, ว่าจะไม่ยกทัพกรับจนกว่าจะได้สับพวกมึงให้หมดไปซะก่อน hey. ส้งเจียงนั่งอยู่บนหลังมา้าก็ด่าต่อไปว่า <c oughs> มึงมันก้แค่พวกบ้านนอกขอกนะมาแต่มู่โจ ไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าพระราชามาแต่ไหนเหตุใดจึงมาเที่ยวตั้งตัวเป็นเจ้าเฮ้ยเฮ้ยสวามิพักเสียจะได้เหลือค อ, อไว้ให้พวกเราเป็นกองทัพจากราชสนักอย่าได้ยกคําพูดยอกยอนแบบนี้มาแตะทวงเราจะไม่กลับจนกว่าจะสับพวกมึงให้เยี่ยนไปสักก่อ <c> น <oughs> เฮ้ยเฮ้ยอูดกันพอแล้วอู้มีขุนค้คนแปดคนอยู่ที่นี่ <c oughs> มึงกล้าเลือกอีกแปดมาสู้กันดูจะดีกว่าไหมฮะ ส่งจิ้หัวเราะแล้วว <Well, ่าฮ่าใช้สองรุ่มหนึ่งพวกมือก็จะหาว่าพวกอูไม่ใช่ผูกกล้าเราจะรบแปดต่อแปดแต่ห้ามฆ่าคนตกมาให้พวกเขากลับเข้าฝ่ายตัวได้ห้ามรอบยิงด้วยเกาทันห้ามยึดศพและหากไม่รู้ผลแพ้ชนะเป็นที่เด็ดขาดห้ามสั่งให้ไพร่ผลบุกแล้วค่อยไปรบต่อในวันรุ่งขึ้นเจ้าฟ้าฟังเมาตกลง พลางรับสั่งให้แปดขุนพลขี่ม้าออกไปอาวุธมั่นในมือส่งเจี้ยงหันมาเอ่ยกับหัวหน้าฝ่ายตนให้ผู้บัญชาการคนมา้าเบาแปดคนลงสนาม 1> <1> ใต้ร่มธง ung, ผู้บัญชาการมา้าเบาวทั้งแปดจากทั้งด้านซ้ายและขวา <1> <1> ก็ชักม้าออกมาเป็นขบวนร้องรัวสมบัติทงคิวสมบัติโบกพร้อมปืนใหญ่จากทั้งสองฝ่ายระเบิดสัญญาณขึ้นฝ่ายละนัดไพ่พ้นของทั้งสองฝัง่งก็กูตวัดขึ้นโดยพร้อมเพียงกันขุนพลทหารม้าทั้งสิบหกคนเข้าประจันบาด ว่าคู่แรกจะจบลงได้ก็สู้กันถึงสามสิบเพลงแล้วใครเป็นฝ่ายชนะจูถงคราวงามผู้นั้นนั่นเองห อ, อกของเขาแทงคู่ต่อสู้บนหลังมา้าแส่สัญญาณอยาสศึกสั่งให้ทั้งคู่พระกลับเข้าที่ตั้งอีเจ็ดคู่ที่เหลือก็รบกันไปทีละคู่ทีละคู่พอรู้ผลแพ้ชนะก็ชักม้ากลับที่ตั้งเช่นกัน เจา้าฟ้าฟางเมาไม่เห็นว่าคุนพลฝ่ายตนคนหนึ่งตกมา้าก็รู้ว่าตัวเป็นฝ่ายเสียเปรียบจึงเลิกทับกลับซูโจส่งเจียงสรรเสริญขุนศึกฝ่ายตนแล้วตั้งค่ายลงที่วัดผายเยียบเลื่อนชั้นจูถงขึ้นชั้นหนึ่งไปส่วนเขียนรายงานไปยังสมุหเทสธิบาลฝ่ายทหารจ้างเรื่องนั้นจะไม่เล่าให้ยาวความไปอีกจ้าฟาสามยึดซูโจโอเอาไว้มัน่นแต่ไม่ยอมออกรบ พระองค์ทรงแต่งตั้งขุนพลขึ้นรับผิดชอบประตูเมืองทุกช่องวางขวากรายงานแสงเป็นแนวลึกวางพันธุนูปืนใหญ่ไว้ตามช่องบนเชิงเทินเตรียมโลหะหลอมและคนโทใส่กูลขาวเอาไว้บนเชิงเทินเพื่อการซัดขว้างตั้งพระไทยจะอยู่ป้องกันซูโจอย่างถวายหัวส่งเจียงพาหัวหน้าสี่คนกับไม้อีกสามสิบตัวขี่ออกไปดูลาดเหลาตัวเมืองซูโจตั้งมั่นอยู่ในคูน้าล้อมรอบด้วยกาแพงแข็งแรง พอเห็นข้าก็รำพึงอยู่ในใจเฮอเราจะยึดเมืองนี้หาได้ไหมแล้วก็กลับไปปรึกษากับวู่ยงที่ค่ายตอนนั้นมีคนประกาศว่าลี่จุนแม่ทัพเรือเพิ่งเดินทางมาจากศึกข้างเจียงหยินส่งเจียงสั่งให้รีบพามาที่กระโจมบัญชาการพอลี่จุนก้าวเข้ามาสรงเจียงก็เอ่ยถามถึงสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายฝั่งทะเลเออเรานั่นเรือเข้าตีเจียงหยินกับไถจัง พวกมันเอาเรือออกสู้ลี้จุนรายงานยวนที่สองเอาห อ, อกแทงเด็ดชีวิตผู้บัญชาการผู้หนึ่งของพวกมันอีกผู้หนึ่งต้องเกาทันฝ่ายเราระดมใส่ฝ่ายเรายึดได้ทั้งสองเมืองพอเสร็จแล้วชื่อซิ่วจางเหงกับจางซุนก็ยึดเจียติ่งส่วนสามพี่น้องตระกูลหยวน ย, ยึดซางสูข้าน้อยจึงรีบตรงดิ่งมารายงานขอรบับซ่งเจียงกำนันลี้จุนด้วยความปิติ แล้วส่งเจ้าตัวถือหนังสือไปรายงานข่าวชัยชนะให้สมหะเทสาพิบาลจ้างและรองผู้บัญชาการทหารหลิวที่ซางโจ้ที่นั่นขุนนางทั้งสองก็กำนันลี่จุนอีกต่อหนึ่งแล้วปล่อยให้ย้อนกลับลงไปที่ค่ายวัดผาเหยียบเมื่อเห็นว่ากองเรือรบก็สามารถร่วมตีซูโจซึ่งเป็นเมืองป้องค่ายชายน้ำได้ส่งเจียงก็เก็บรี่จุนเอาไว้กับตัวและสั่งการให้ตระเตรียมขบวนเรือเข้าตีขอให้ข้าน้อยได้ไปดูสถานที่ก่อน เพื่อจะได้กำหนดทางหลีที่ไล่ได้สะดวกขอรับยอมได้ลี่จุนจากไปสองวันกลับมารายงานว่าใช้ฝั่งทางตะวันตกของซูโจตั้งติดกับทะเลสาบไถหูดังนั้นข้าน้อยต้องการเรือสักลำพายจากคลองซอยยี่ซิงเข้าไปในทะเลสาบจากนั้นก็จะตัดข้ามไปเมืองบูเจียงเพื่อหาข่าวเกี่ยวกับฝั่งใต้สุดที่ฝ่ากรนุนแล้วเราจึงจะมีโอกาสบุกตีเมืองพร้อมกันทั้งสี่ด้านขอรับ คิดได้เยี่ยมเลยต้องกับความคิดของข้านักแต่ว่าขา้าต้องหาใครมาเป็นผู้ช่วยไปด้วยกับท่านส่งเจียงเฟ้นตัวหูวหน้าสี่คนไปช่วยการตีหูเมืองชายทะเลแล้วเรียกตัวถงหวยกับถงเหม่งกลับลี่จุนถือคําสั่งพาหูหน้าทั้งสี่คนไปสัตว์เปลี่ยนกําลังที่เจียงหญินอีกสองวันก็กลับมาพร้อมกับถงหวยและถงเหมง่งส่งเจียงออกมารับแล้วสั่งให้ติดตามลี่จุนไปสืบข่าวทางฝั่งใต้สุดของนครซูจโจ หากครองซอยยี่สิ่งทั้งสามเอาเรือเล็กลงน้ำสองคนกันเชียงหากันละเลาะไปออกทะเลสาบไทยหูไท้หูเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่น้ำคลามเขียวมารากตสดใสพอพายข้าไปถึงอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าใกล้เมืองวูเจียงมองจากที่ไกลเห็นหมูเรือหาปลาลอยลำอยู่4ี่0บห้าสิบลำเราจะแซ้งทําทีว่าเราเป็นพวกค้ามหาซื้อปลาลี่จุนบอกแล้วเข้าไปถามอะไรสักสองสามค พวกเขากันเชียงเรือเข้าไปเทียบเรือประมงลำนั้นเรือ ล, ลี่จุนก็เอ่ยปากถามไปว่าเอ้าเฮียมีปลาไนบ้างไหมพวกท่านอยากได้ปลาไนแล้วคอตามเขาไปเอาที่บ้ายนะแล้วกันขอจำแบ่งขายให้ได้บางดอกเรือลี่จุนภายตามเรือประมงสองสามลำไปไม่ช้าก็เห็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งรวมกันเราวๆยี่สิบหลังคาเรือนซ่อนตัวอยู่ในดงหลิวคดโคง้งชาวประมงก็เข้าไปจอดเรือ พาลี่กับพักพวกขึ้นตะลิงไปยังบ้านหลังหนึ่งทันทีที่ย่างกล้าเข้าไปในเขตรั้วบ้านชาวประมงคนแรกก็ผิวปากขึ้นชายร่างใหญ่เจ็ดแปดคนถือราไม่ไผยติดบ่วงบาดขนาประชิดกันเข้ามาทั้งสองด้านเอาบ่วงคล้องลากตัวไปในบริเวณบ้านแล้วนำไปผูกเอาไว้กับต้นหลิวโดยไม่พูดพร่ำทาเพลง นนลีจุนมองไปรอบๆก็เห็นผู้กล้าสี่คนนั่งอยู่ในห้องโถงมุงฟางบุรุษคนแรกไว้เคราวเป็นแผงสีแดงผมสีน้ำตาลใส่เสื้อคลุมไหมบุญรวมสีน้ำเงินคนที่สองรูปร่างผอมสูงงวดสั้นใส่เสื้อผ้าเนื้อหยาบคอกลมสีเขียวเข้มคนที่สามตัวเตี้ยล่ำไว้เคราวยาวคนที่สี่หน้ากลางเต็มไปด้วยสันกระดูกไว้เคราหยิกราวกับเสียมแต่งตัวเหมือนชายคนที่สามคือเสื้อคลุมยาวซับในสีคราม ทั้งหมดสวมหมวกปีกกว้างทําจากสักลาสีดำในมือถืออาวุธตัวหัวหน้าตะคอกใส่ลีจุนว่าเฮ้ยไอ้ไทยยังมึงเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรในทะเลสาบของเราฮะเฮ้ยเราเป็นพ่อขาจับอยางโจมาหาซื้อปลาขอรับเฮ้ยจะเสียเวลาไปถามเลยพี่ใหญ่คนหน้ากระดูกเน่เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นสาย ให้ข้าแวะหัวใจมันออกมาแกล้มเราจะดีกว่าเฮ้ยทักจะเปรี้ยวปากซะแล้วนี่จุนก็เอ่ยขึ้นกับตัวอันตัวเราค้าของเถื่อนในแม่น้ำสุนหยางมันก็นานแล้วต่อมาได้เข้าไปอยู่ในบึงเหลียญซันก็อีกนานหลายปีใครเลยจะไปคิดว่าต้องมาจบชีวิตลงตรงนี้เอาละถ้าจะตายก็ต้องตายเฮ้ยร่างถอนหายใจอย่างปร่งตอกชายตาดูถงเหวยกับถงเหม่งแล้วเอ่ยขึ้นว่า เอ้ยข้าพาท่านทั้งสองมาติดกับเองเรามาตายเป็นผีไปได้วยกันเถิดอย่าไปกล่าวเช่นนั้นเลยขอรับพี่น้องทั้งสองเอ่ยตายนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่เสียดายแต่เพียงว่าพากันมาตายตรงนี้ จะพาดเอาชื่อเสียงกีติภูมิของพี่ใหญ่ให้ต้องพลอยเสียหายไปด้วยเท่านั้นเองทั้งสามศบตากันยืดอกรอความตายที่จะได้รับผู้กล้าทั้งสี่ที่เฝ้าดูอยู่ก็ได้ยินสิ้นทุกท่อยกระทงความมองหน้ากันแล้วเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยตัวหน้าของพวกเขาต้องไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาอย่างแน่นอนจริงๆแล้วพวกท่านเป็นใครบุรุษที่ไว้คราวแดงซัก ท่านมีนามว่ากระไรฮะโวยหากจะค่าก็รีบรียบฆ่าซะเถิดรีจุนตอบถึงตายก็จะไม่บอกไม่ขอตากหน้าอยู่ให้อับอายไปทั้งยุทธภพเมื่อเห็นว่าคนทั้งสามก็เป็นคนกล้าเช่นกันบุรุษราวแดงก็ผลุดลุกขึ้นตัดเชือกปล่อยคนทั้งสามให้เป็นอิสระทั้งสี่พาคนทั้งสามเข้าไปในห้องโถงเชิญ น, นั่งตัวหัวหน้าก้มลงเคาเต่าแล้วกล่าวขึ้นว่า ข้าเป็นโจรมาทั้งชีวิตยตังไม่เคยพบผ่านผู้ใดกล้าหานชานชัยเช่นพวกท่านท่านผู้กล้าเป็นใครมาจากไหนหรือขอรับพวกเราใครขอทราบนามให้เป็นเกียรติแก่หูด้วยพวกเราเห็นว่าท่านทั้งสี่เป็นผู้กล้าดอกจึงจะบอกให้เสร็จแล้วจะส่งไปให้ใครที่ไหนก็ตามแต่ใจเถิดลี่จุนตอบข้าเป็นหัวหน้าภายใต้บรคบัญชาของท่านพี่ทรงเจียงแห่งบื้องเหลีองสารปะข้ามีนามว่าลี่จุนมังกรกลางน้ําเชี่ยว พี่น้องสองคนนี้คือถงหวยมังกรเข้าท่านกับถงเหมิงหอยละเลงชนชุมชนเราได้รับนิระทศกรรมจากราชสนักหลังจากขึ้นไปสยบเหลียวตาตาและกลับมาพระนครก็ถูกบัญชาให้ลงมาปราบฟางล่าพวกท่านเป็นคนของเขาก็มัดตัวพวกเราไปอ้างเอาเรังวันเถิดเราจะได้ไม่ขัดขืนคนทั้งสี่สุดลงเขาเต่าอย่างเป็นพิธีการอีกครั้งหนึ่งกล่าวทั้งทั้งได้ยังคุกเข่าขึ้นว่า เราไม่ตาแต่หารู้จักเขาไทศารไหมปดอภัยในความหยาบคายของผู้ค้าน้อยด้วยเถิดขอรับเราทั้งสี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโจรเช่นฟังล่แต่เดิมเราเคยเป็นโจรไพรอาศัยอยู่ในป่าแต่บัดนี้ย้ายมาเป็นโจรสลัดอยู่ที่นี่ที่หมู่บ้านหลิวคงบริเวณโดยรอบที่นี่ลุ้นเป็นคุ้งน้าลึกหากไม่มีเรือก็ข้ามมาไม่ได้เราจับปลาเป็นเท่กาอําพราง แทที่จริงก็เก็บกินทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลสาบแห่งนี้เมื่อฤดูหนาวก่อนเราเรียนรู้วิธีว่ายน้ำพอมาตอนนี้ก็ไม่มีผู้ใดกล้ามายุ่งกับเราเราได้ยินชื่อเสียงท่านทรงเจียงมานานแล้วว่าระดมพูก้กล้าจับไอ้ฟ้าทั่วทุกสารทิศไปอยู่กันที่มึงเหลียงซานเกียรติภูมิของท่านเป็นที่ทราบกันดีนอกจากนี้เรายังได้ยินชื่อเสียงของท่านจางซุนฟองเขาในเกลียวขึ้นไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่า จะได้มาเจอท่านที่นี่อาจโทษเออท่านจางซุนเป็นหนึ่งในพวกเราลี่จุนเอ๋ยเขาเป็นแม่ทัพเรือตอนนี้เขาพากองกำลังของเราไปปราบปรามพวกฝั่ง่าตามชายฝั่งทะเลรอบๆเมืองเจียงหยินถ้าพบกันจะแนะนำให้ท่านรู้จักแล้วขอทราบนามพวกท่านหน่อยทีหรือเออเป็นเพราะเราเคยหากินอยู่ตามป่าตามดงฟังชื่อดูก็คงรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างนะขอรับ คนที่เป็นหัวหน้าตอบกรุณาอย่าหัวเราะข้าน้อยมีนามว่าเฟยเป้ามังกรขาแดงคนพวกนี้คือนี่หยุนเสือขนหยิบนี่ก็คือภูชิงมูห ล, ลามแห่งไทยหูและนี่ก็คือตี้เชิงมีหน้าตอบนี่จนยินดีนักเอ่ยขึ้นว่าฮ่ม <laughs> ตอนนี้เราสองก็ไม่ต้องระแวงแข็งใจกันอีกต่อไปแล้วแล้วสาธยายต่อไปว่า พี่ใหญ่ทรงเจียงตอนนี้เป็นแม่ทัพหน้าแห่งกองทัพปราบศึกที่ยกลงมาจับฟางล่าท่านคิดจะตีสูจโจวแต่ยังหาแผนการดีๆไม่ได้ท่านจึงใช้เราทั้งสามออกมาดูลาดราหากท่านทั้งสี่จะตามเราไปพบท่านพี่ท่งเจียงข้าขอรับรองว่าพวกท่านจะได้เป็นคุนนางหลังจากเราพิชิตฟางล่าได้แล้วพระจักรพรรดิย่เลื่อนขั้นให้พวกท่านสูงขึ้นอีกอย่างแน่นอน อาโอ ท, ท่านพี่หากเราใครจะได้ตําแหน่งเราคงไปเป็นนายทหารให้กับฝ่ายฟังราสนานแล้วเฟยเป้าเอ่ยแต่พวกล้วนปรารถนาชีวิตอิสระไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์หากท่านต้องการความช่วยเหลือแล้วล่ะก็เราก็พร้อมจะบกน้ำลุยไฟแต่หากอยากตั้งให้เราเป็นขุนหางพวกเรานั้นไม่ปรารถนาฮ่ <laughs> หากเป็นเช่นนั้นนะนะลี่จุนเอ่ย มาสาบานเป็นพี่น้องกันปะไรฮะผู้กล้าทําสีก็เห็นดีด้วยจึงฆ่าหมูล้มแกะรินสุราใส่จอกแล้วเรียกลี่จุนเป็นพี่ใหญ่ลี่สั่งถงเวยกับถงเหม๋งให้สาบานเป็นพี่น้องกับเขาด้วยลี่จุนย้าถึงความปรารถนาของส่งเจี้ยมที่จะยึดซูโจโดยกล่าวว่าฟางเมามันไม่ยอมออกรบและเมืองทั้งเมืองก็ล้อมรอบ ด, ด้วยคูน้ำไม่มีที่ไม่มีทางให้เรากรีธาทับเข้าไป อีกทั้งบริเวณโดยรอบก็มีคุ้งแควเวิ้งน้ำห้วยหนองรลองบึงใหญ่น้อยเต็มไปสิ้นยากแก่การเดินเรือนักแล้วเราจะเจาะทะลวงเข้าไปอย่างไรได้ฮะท่านพี่ท่านพักอยู่ที่นี่ให้สบายใจไปสักหลายวันก่อนเถิดขอรับเฟยเป้าเสนอพวกเจ้าพนัก ง, งานจากหางโจ้มักจะมีทุระราชการไปไปมาม า, มากับซูโจอยู่เป็นประจำเราอาจใช้วิธีนี้ลอบเข้าเมือง ข้าจะส่งชาวประมงสักสองสามคนไปสืบหากมีคนของฝั่งล่าผ่านมาเราค่อยมาหาหรือกันลี่จุนตอบตกลงเฟยเป้าก็ส่งชาวประมงออกไปทั้งเจ็ดผู้ล่าก็ยังดื่มกินสนทนาพาทีกันอยู่ในหมู่บ้านสองสามวันถัดมาชาวประมงก็กลับมารายงาน ออมีเรือบรรทุกสินค้าสักสิบลำติดธงเหลืองที่ท้ายเรืออ่านได้ความว่าชุดเกราะหลวงจอดทอดสมออยู่ที่เมืองผิงหวางเห็นได้ชัดว่ามาจากขางโจบนเรือแต่ละลำมีคนราวหกเจ็ดคนนี่เป็นโอกาสของเราแล้วลี่จุนเอ่ยเราหวังว่าพี่น้องจะช่วยนะไปกันไฟเป้าเอ๋ยหากมีเรือแม้แต่ลำเดียวหนีไปได้ แผนการของเราก็เป็นอันจบสิ้นกันลี่จุนเตือนเฟยเปาตอบว่าอย่าเป็นกังวลไปเลยขอรับเราจะระวังอย่างถึงที่สุดเรือเล็กราวหกสิบเจ็ดสิบลำก็มารวมตัวกันแล้วออกเดินหน้าผูกลาทั้งเจ็ดนั่งเรือไปคนละลำฝูงเรือน้อยก็ค่อยๆเดินหน้าออกจากแควน้อยล่วงออกสู่ผืนน้ำกว้างใหญ่คืนนั้นดวงจันทร์และดวงดาวจ่าใสเรือฝ่ายทางการทั้งสิบลำ กำลังจอดทอดสมออยู่หน้าศาลเจ้ามังกรราชาทางตะวันออกสุดของสายน้ำเรือเฟย่ยเป้าไปถึงก่อนก็เปล่าปากเป็นสิงวิดแหลมเย็นย่เยือกเรือประมงราวหกสิบลำก็กรูกันเข้าเทียบเรือฝ่ายรัฐบาล<อ>บรรดากะลาสีเรือตกใจรุนผันออกจากประทุนเรือแต่ก็ถูกจับมัดเป็นกลุ่มกลุ่มละสี่ห้าคน พวกที่กระโดดน้ำหนีก็ถูกลากตัวกลับขึ้นมาบนเรือเรือเล็กเหล่านั้นก็ลากเรือใหญ่เข้าไปในทะเลสาบแล้วตรงไปยังหมู่บ้านหลิวโค้งตอนนั้นเป็นเวลายามสี่นักโทษที่ถูกจับก็ถูกเอาน้ําหนักทวงก่อนจะทิ้งให้จมลงไปที่ก้นทะเลสาบจากการสอบถามหัวหน้าสองคนที่นํามาก็ได้ความว่าทั้งสองเป็นพลติการในพระราชบุตรองค์ใหญ่ของฟางล่าคือเจ้าฟ้าฟางเทียนติ่งฟ้าชายแห่งแดนใต้สันติสุข โดยมีรับสั่งให้นำชุดเกราะ3 0 0พันชุดไปถวายฝางเมาเจ้าฟ้าสามแห่งซูโจลี่จุนถามชื่อของหัวหน้าทั้งสองยึดเอาเอกสารแล้วฆ่าทิ้งก่อนที่เราจะทำอะไรต่อไปข้าจะต้องนำเรื่องนี้ไปรายงานให้พี่ใหญ่ส่งเจียงทราบก่อนลีจุนบอกข้าจะเอาเรือข้ามไปส่งพี่ท่าน เฟยเป้าเอ่ยเราจะลักลอบพาพี่ท่านผ่านแนวของข้าศึกที่ตั้งรักษาการอยู่ตามคูงต่างๆว่าพลางก็สั่งชาวประมงสองคนให้พาลี่จุนไปลงเรือเร็วซ่อนเรือและชุดเกราะที่ยึดมาได้ในคูงน้ำหลังหมู่บ้านให้ดีลี่จุนกำชับเฟยเป้ากับพี่น้องถงอย่าให้มีผู้ใดร่วงรู้ได้นะเฟยเป้าเอ่ยว่าโอ้ไม่มีปัญหาดอกขอรับว่าแล้วก็ไปดำเนินการด้วยตนเอง คนหาป่าทั้งสองกันเชียงพาลี่จุนลัดเลา ะ, ะผ่านแนวข้าศึกไปขึ้นฝั่งที่ข้างวัดผาเหยียบแล้วต่อไปยังที่ตั้งค่ายรายงานส่งเจียงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นผู่หยงที่ร่วมฟังอยู่ก็ปลื้มปิติยินดีเป็นยิ่งนักตอนนี้จะยึดสู้โจก็หง่ายกระดุดถมน้ํำลายใส่ป่ามือจงให้ลีดขุยเบาสู้เสียงจงและลีดกุณพาทหารล่บินสักสองร้อไปที่หมู่บ้านในเทะเลสาบไทหูแห่งนั้นไปวางแผน ร่วมกับท่านเฟยเปาและผู้กล้าทั้งสามกำหนดปฏิบัติการเป็นวันพรุ่งลี่จุนก็หาเรือเพิ่มคนลี่ขุยและคนอื่นๆข้ามน้ําไปกับชาวประมงทั้งสองตรงไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นแล้วแนะนําหัวหน้าทั้งสี่ให้เฟยเปาได้รู้จักเพราะเห็นรูปร่างหน้าตาของสลาตันดําเฟยเปาก็แตกตื่นอยู่ในใจเขาเลียงดูปูเสือคนทั้งหมดรวมทั้งทหารโล บ, บินทั้งสิ้นสองร้อคนนั้นด้วย วันรุ่งขึ้นหลังจากหาเรือกันแล้วเฟยเป้ากับเนยยุนปลอมตัวเป็นสองพลทหารผู้ดูแลชุดเกราะโดยเอาชุดทหารฝ่ายใต้มาสวมใส่เอกสารทางการเอาไว้ในพกพวกชาวประมงปลอมตัวเป็นกระลาสีเรือของทางการลีขุยและทหารโล บ, บินทั้งสอง้อซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องเรือภูฉชิงกับตี้เชิงเป็นใต้กงงคุมท้ายเรือซึ่งตอนนี้ใส่เชือกปะทุเอาไว้จนเต็มขณะกาลังจะออกเรือ ทันใดนั้นคนหาปลาผู้หนึ่งก็เข้ามารายงานรายงอนมีเรือลาหนึ่งข้างนอกนั้นพายวนเวียนไปมาไม่กล้าเข้าฟัางขอรับมันต้องมีอะไรเป็นแน่แท้ลี่จุนอุทานแล้วรีบออกไปดูบุรุษสองคนที่ยืนเด่นอยู่ที่หัวเรือคือใต้จงเทพท่องทางกับหลิงเจ้นอาศนีบาดฟาสวรรค์ลี่จุนเป่าปากเี้ยวใหญ่เรือลานั้นก็ทะยานตัดข้ามน้ามาที่หมู่บ้านคนทั้งสองขึ้นฟัง อะไรพาพวกท่านมาถึงที่นี่ละ่ะมีข่าวอะไรหรือขอรับลี่จุนซักตอนที่พี่ใหญ่สั่งการให้ลี่ขุยมากับท่านพี่ใหญ่รีบร้อนจนลืมเรื่องสําคัญไปบางอย่างใต้จงกล่าวจึงสั่งให้ข้ากับท่านหลิงเจิ้นตามมาพร้อมปืนใหญ่ร้อยนัดตอนที่พวกท่านข้ามทะเลสาบ พ, พวกเราได้ตามไม่ทันแหว้จริงๆจึงไม่กล้าขึ้นฟังด้วยไม่รู้จักนั่นเองพี่ซ่งเจียงต้องการให้พวกท่านเข้าเมืองตอนรุ่งเช้า พอเข้าไปได้ก็ยิงปืนใหญ่เป็นสัญญาณแฮ่เยี่ยมลี่จุนเอ่ยพลางสั่งลำเลียงปืนใหญ่ย้ายลงเรือตัวแล้วเอาชุดเกราะทับซ่อนไว้พอเฟยเป้าทราบว่าผู้ที่มาคือใต้จงก็นำเหล้ายาปลาปิ้งออกมาเลี้ยงดูส่วนหลิงเจิ้นกับคนปืนอีกสิบคนก็ลงไปหลบอยู่ในเรือลำที่สามคืนนั้นตอนยามสี่พวกเขาก็ออกเรือไปซูโจ พอหลังยามห้าสักหน่อยก็ไปถึงทหารบนเชิงเทินพอเห็นเรือติดธงฝ่ายใต้มาก็รีบรายงานขึ้นไป ประตูเมืองชื่อเกาซื่อกวง n g ฉายาเสือบินปีนเชิงเทินขึ้นไปดูสอบถามผู้บัญชาการที่มาและเรียกหาเอกสารกำกับขบวนเรือบรรทุกสินค้าชักรอกขึ้นมาตรวจแล้วส่งขึ้นไปยังกองบัญชาการเจ้าฟ้าสามเพื่อตรวจรับรองซ้ําอีกครั้งก่อนจะส่งผู้ตรวจลงไปเปิดประตูน้ําข้างล่างให้แต่กระนั้นก็ส่งคนตามลงไปตรวจคน้นตามระวางเรือพวกเขารายงานขึ้นไปว่าในเรือบรรทุกเครื่องเกราะมาจนเต็มลำ ขุนพลเก่าปล่อยให้เรือเข้ามาทีละลำทีละลำพอครบสิบก็รีบปิดประตูน้ําในทันทีผู้ตรวจจากสํานักเจ้าฟ้าสามพร้อมไพร่พลกว่าห้าร้อยคนพากันมาที่ท่าน้ำํำพอมา ถ, ถึงก็กระจายกําลังเข้าประจําการเต็มฝั่งผูกเรือเข้ากับหลักลีกขุยเป่าสู้เสียงจงและลีกุลโผล่ออกมาจากประทุนเรือหน้าตาท่าทางที่ปรากฏสะกดเจ้าพนัก ง, งานผู้นั้นจนสถานลนลานถามไปว่าเป็นใครมาจากไหนแทนคําตอบ เสียงจงกับลีกุณก็หมุนล่อเข้าใส่ราวกงจัดดาบหนึ่งพันตวัดออก <Hey! S 1> เจ้าพนักงานผู้นั้นตกจากหลังมา้าลีขุยกระโดดขึ้นฝั่งควัดแกงขวานคู่ไปมาผมเข้าใส่ทหารทั้งห้0อยหวดไปทีล้มและเนรนาตเองไปเป็นโหลที่เหลือก็แตกกระเจิดกระเจิงไปทหารโล บ, บินทั้งสองอคนก็ลังไหลออกจากประทุนเรือบุกขึ้นฝั่งแล้วเริ่มจุดไฟ หลิงจนตั้งเกลียนปืนใหญ่เอาไว้ในแนวยิงเอาลำกล้องขึ้นตั้งแล้วจุดส่งก็ไปใส่ป้อมกำแพงเมืองไปกว่าสิบนัดห่วยจู่โจมก็บุกกระจายกันออกไปทั่วเมืองทั้ง4ีทิศเจ้าฟ้าสามฟังเมากำลังวางแผนอยู่ในวังพอได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังก็ตกใจควันหนีดีฟอวิญญาณดังจะกระโดดออกจากร่างผู้บัญชาการตามประตูเมืองต่างๆรีบพาไพ่พลรุดไปทางเสียงปืนที่ระเบิดถึกกล้องไม่หยุดย่อนรายงานจากประตูเมืองทุกแห่งแจ้งว่า แรงออนคนซุ่มยิงใช้เก่าทันสอยทหารไฟเราร่วงไปเรื่อยๆทหารส่งขึ้นเชิงเทินได้แล้วขอรับโอ้โหทำไมไม่รอให้มันมาฆ่าออกูก่อนวะถึงได้มารายงานนะโอ้โหขึ้นไปบนเชิงเทินแล้วกูจะหนีไปไหนทันวะเนี่ยฮะเฮ้ยบัตรดนนั้นซูจโจก็ตกอยู่ในมิจฉาญีไม่มีผู้ใดรู้ว่าทหารส่งหลุดเข้าไปในเมืองได้สักกี่มากน้อย ลีบขุยสลาตันดำและเป่าสู้พาทหารโล บ, บินตีตะลุยไป ร, บรอบๆเมืองเห็นข่าทหารฝ่ายใต้ไปเรื่อยๆหลิงเจิ้นภายใต้การคุ้มกันของนี่จุนไต้จงและผู้กล้าในทะเลสาบทั้งสี่ก็ยิงปืนใหญ่ตามไปติดๆข้ามซ่งเจียงก็ชั่งการให้สามทัพเข้าตีเมืองจากสามด้านพอตีระดังกันเข้าไปทหารฝ่ายใต้ก็แตกกระจัดกระจายหนีเอาตัวรอดเจ้าฟ้าสามรีบทรงชุดเกาะขึ้นมา ใช้ทหารม้าชุดเกราะราวหกร้0ยเจ็ดร้อคนแหวกประตูทางทิศใต้จะเสลดหนีแต่กลับชนเข้ากับนี่ขุยและพักพวกที่บุกเข้ามาใส่ทหารม้าชุดเกราะถอยหนีแตกพ่ายฉับทันนั้นหลวงกินลูก่ก็กดแกว้งไม้เท้าเหล็กพุ่งออกมาจากซอยแยกด้านข้างเยมือจะไปไหนไอเมาหาฟังเมาส่งตระหนักว่ารับมือต่อไปอีกไม่ไหว จึงส่งชักม้าถอยกลับเข้าไปในวังแต่ทว่าวูสงโผล่ออกมาจากใต้ราวสะพานนกกาน้ำพี่รีหนึ่งฟันเข้าที่ขาม้าส่งเจ้าฟ้าฟางเมาก็ทรงกลิ้งลงไปกองอยู่กับพื้น <c oughs> ส่วนอีกพี่ไรสองก็ตะวัดตามออกไปพระเสียงก็ให้ลิวกระเด็น <c oughs> วูสงนำพระเสียงเจ้าฟ้า ไปอ้างเอารังวันจากทรงเจียงที่เข้าเมืองมาตั้งกองประชาการปราบศึกชั่วคราวขึ้นที่วังหลวงตัวแม่ทัพหน้าทรงคําสั่งด่วนให้ทําลายกองทัพฝ่ายใต้และจับเฉลยศึกให้ได้มากที่สุดมีเพียงหลิวหยุ่นเท่านั้นที่พาทหารเดินตายหนีไปทางซิวโจพอลงหลักปักฐานในวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วทรงเจียนก็ออกคําสั่งให้หยุดการฆ่าฟันพลเรือนแล้วส่งทหารออกไปดับไฟออกใบบอกรับรองความปลอดภัยของพลเมืองแล้วเรียกบรรดาหัวหน้ามารับของรางวัล ตอนนั้นเป็นที่ทราบกันว่าบูสงสังหารเจ้าฟ้าฝ า, างเมาจูถงจับได้สู้ฟางซื่อจินจับได้เจิ้นเซิงสุนลี่ฆ่าจางเหวยกับลูกน้องลี่จุนเสียบชางเซิงด้วยหอกจนทะลุฟานรุยขยี้หูฟูส่วนซานกับเก่าซื่อกวงถูกอาวุธซึ่งกันและกันที่สะพานให้น้ําม้าจนเสียชีวิตไปทั้งคู่นายทหารระดับรองของฝ่ายฟางเมาจํานวนมากถูกจับและ ผู้ที่จับได้ก็ล้วนมาอ้างเอาความดีความชอบกันโดยทั่วนหน้าทรงเจียงสั่งให้เอาศพส่วนซาบนบรรจุโรงไม้อย่างดีแล้วนําไปฝังเอาไว้ที่โคกเสือกองเสียนของเจ้าฟ้าฝางเมากับสองเฉลยศึกที่ถูกจับคือสู้ฟางและเจิ้นเซิงถูกนําไปส่งให้ส ม, มุหะเทศสพิบาลจ้างที่สซางโจดําเนินการผู้ว่าการสั่งให้นําตัวเฉลยทั้งสองไปแล่เนื้อประจานที่กลางแดดส่วนเสียนของเจ้าฟ้าฝ า, างเมาถูกส่งเข้าพระนคร นอกจากนี้ก็ส่งข้าวของจํานวนมากไปกํานันบรรดาผู้บัญชาการรบที่ซูจโจผู้ว่าการก็สั่งให้รองผู้บัญชาการทหารหลิวไปรั้งซูจโจและให้ส่งเจียงเดินทับต่อไม่นานนักม้าเร็วก็นำข่าวมาบอกจนถึงซูจโจรงอนรองผู้บัญชาการทหารเหลิวและเสนาธิการแกงมารับช่วงแล้วขอรับส่งเจียงกับพวกหัวหน้าพากันออกไปต้อนรับแล้วพาเข้ามาในเมือง ตรงเข้าวังหน้าแล้วกล่าวแสดงความยินดีทักทายโอภาปราศัยกันตามธรรมเนียมที่สาราว่าการจังหวัดส่งเจียนก็ปรึกษาหารือกับพวกหัวหน้าแล้วส่งแมวมองไปสืบข่าวความคืบหน้าของฝ่ายทัพเรือที่แยกไปตีมือต่างๆตามชายฝั่งทะเลพวกเขากลับมารายงานว่าพวกขุนนางตามหูเมืองต่างๆริมทะเลพอทราบข่าวว่าซูโจแพ้ก็พากันแตกหนีไปสิ้นบรรดาหูเมืองชายทะเลล้วนสงบเรียบร้อย ส่งเจียงไม่ได้รับข่าวชัยก็มีความยินดีรีบรายงานขึ้นไปยังทัพหลวงขอร้องสมุหะเทสาพิบาลจ้างให้แต่งตั้งขุนานางในแผ่นดินต้งกลับคืนสู่ตำแหน่งเก่าผู้ว่าการก็สั่งบรรดาขุนทหารของตนเข้ารับช่วงต่อและเรียกบรรดาแม่ทัพเรือให้กลับมารวมตัวกันที่ซูโจเพียงไม่กี่วันการดังกล่าวก็แล้วเสร็จพอทัพเรือมาถึงซูโจ แม่ทัพเรือก็รายงานส่งเจียงว่าตอนที่สามพี่น้องตระกูลหยวนเข้าตีเมืองซูโจนั้นซื่อเอินหายไปขงเหลียงก็ไปตายตอนยึดเมืองคุนสานทั้งนี้ก็เพราะคนทั้งสองว่าน้ำไม่เป็นพอตกน้ำก็จมน้ำตายส่วนชื่อซิลและคนอื่นๆกลับมาได้โดยสวัสดิภาพ พอรู้ว่าพี่น้องสองคนตายไปอีกแล้วส่งเจียงก็ได้แต่ทอดถอนใจด้วยความทุกข์ไม่หยุดหย่อนเ่ยเป้ากับอีกสามผู้กล้าก็มาขอลากลับบ้านเมื่อเห็นว่าอ้อนวอนยังไงยังไงก็ไม่ปรเกดผลส่งเจียงก็เอาของกานันให้สั่งลี่จุนให้พาคนทั้งสี่ไปส่งจนถึงหมู่บ้านหลิวโคง้งลี่จุนพร้อมด้วยถงหวยกับถงเหม๋งก็พาไปส่งจนถึงบ้าน ผู้กล้าทั้งสี่ที่พอใจอยู่กับชีวิตบ้านนอกคอกนาก็เอาสุราออกมาเลี้ยงดูหัวหน้าทั้งสามเฟยเป้าพุทลุกขึ้นยืนพลางยื่นจอกสุราให้ลี่จุนและพูดอะไรออกไปสองสามคำผลก็คือเสียงเสียงกีติภูมิของลี่จุน กึกกล้องไปทั่วท้องสมุทรหรือเรื่องกระเดื่องไม่หยุดไปทั่วโลกเขากลายเป็นกษัตรย์ตราธิราชเจ้าในต่างแดนที่ไม่เคยรุกรานแผ่นดินจีนเลยแม้แต่ครั้งเดียว__>ก็จริงดังว่าพอได้ตรหนักรู้ถึงดวงชะตาวาสนาโชคกบในกะ ล, ลาก็ลอกคราบเพื่อเข้าแบกรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ปลาในก็กลายร่างเป็นพญามังกรเฟยเป้ากล่าวอะไรแก่ลี่จุนฟังบทถัดไปหากคิดจะรู้